เอาว่าแม่นกกลับรังฟังเสียงเจียวเจ้ า, จาแกะเท้าผอมผ่ายให้ลูกเติบใหญ่อ้วนพีคนเราเน่าทุกเจ้าจุกทั้งชีวีนกน้อยต้อยตีวิบินไปไร้สิ้นอาถรทรงเจียงบอกข้าบุดีสรงให้นําหญิงสาวแห่งตระกูลหูเข้ามาในโรงพิธีส่งเจียงบอกกับน้องเลี้ยงเป็นเชิงขอขามาว่า น้องหวังหญิงของพี่คนนี้เป็นนักรบที่สามารถถึงแม้ฝีมือจะยังเทียบเจ้าไม่ได้แต่พี่ก็สัญญาว่าจะหาเมียให้เขาแต่ว่าจนเท่าทุกวันนี้ก็ยังหาไม่ได้ส่วนเจ้าน้องพี่ตอนนี้ก็มาอยู่ในปกครองของพ่อพี่แล้วด้วยวันนี้เริกดียิ่งนักพี่จึงใคร่ขอให้บรรดาหัวหน้าที่นี่ทุกคนทาตัวเป็นพ่อสื่อมอบเจ้าให้แต่งงานอยู่กินกับหวังหญิงด้วยตระหนักว่า ส่งเจียงยึดมั่นในคำสัญญาแห่งคุณธรรมน้ำมิตรมากแค่ไหนนางกระบี่เหล็กสิบเสีย้ยจึงไม่อาจปฏิเสธทั้งบ่าวสาวก้มลงหกศีรษะเป็นการคารวะแด่ส่งเจียงเจ้าไก่กับหัวหน้าคนอื่นๆพากันปรับเริ่มเป็นยิ่งนักทุกคนพากษาราเสริญคุณงามความดีและความสัตย์ของส่งเจียงวันนั้นทั้งวันทุกคนดื่มกินกันอย่างเต็มที่แล้วต่างก็พากันเวียนไปแสดงความยินดีต่อคู่ที่กําลังจะเป็นบ่าวสาว ในระหว่างที่พวกเขากำลังบันเทิงอยู่ในงานเลี้ยงนั้นผลเดินสารผู้หนึ่งขึ้นเขาเมื่อรายงานว่าไกงอนมีคนผู้หนึ่งมาจากเมืองหยุนเชงตอนนี้อยู่ที่โรงเตี้ยงทันูจ ก, กุ้ยขอรำเขาปราศถนาจะมาพบบรรดาหัวหน้าที่นี่เมื่อได้ทราบว่าคนผู้นั้นเป็นใครเจ้าไก่กับท่งเจี้ยงให้ยินดีเป็นยิ่งนักแล้วพูดว่าหากเรา สามารถหว่านล้อมท่านผู้มีพระคุณต่อเราท่านนี้ให้มาอยู่เสียที่นี่ได้สำเร็จก็นับว่าความปรารถนาของเราทั้งชีวิตสำเร็จสิ้นแล้วท่านใดนั้นคนเดินสารเข้ามารายงานว่ารายงานคนของเราสกัดคนสัญจรที่ใช้ถนนทางหลวง เดินข้ามใช้ป่าของเราได้มูลหนึ่งขอรับหนึ่งในนั้นก็คือท่านในดาบเลยแห็นจากจุนเชงท่านหัวหน้าจู้กุยจึงเชิญให้ไปดื่มกินกันในโรงเตียมแล้วรีบส่งข้าขึ้นมาแจ้งข่าวนี้แหละขอรับเจ้าไก่กับส่งเจียงดีใจยิ่งนักรีบพากันลงเขาไปพร้อมกับหูหยงฝ่ายจู้กุยนั้นก็พาแขกข้ามน้ํามาถึงหาดสายทองส่งเจียงรีบลนลานก็ไปโขกศรีรษะกับพื้นแล้วเอ่ยขึ้นว่า แม่ตั้งแต่ตอนที่จากกันวันนั้น น, าน้าเหลเกิดแล้วนะขอรับข้าน้อยยังระลึกถึงท่านอยู่บ่อยๆ อ, อะไรพายมาถึงค่ายอันต่ํำต้อยของเรานี่แหละขอรับเลยเหงเรีบรับไหว้แล้วพูดขึ้นว่าข้าน้อยไปราชการให้เทสาพิบาลของเราที่จังหวัดตงซางข้ากลับพอมาถึงทางแยกก็ถูกจนกลุ่มหนึ่งมาเรียกข้าผ่านทางพอข้าเอ่ยน้าออกไปท่านจูกุยก็ขอร้องให้ไปพักกับเขาที่โรงเตียมก่อน ส่งเจียงอุทานขึ้นว่าโอ้สวนรช่างประธานชกมาให้โดยแท้เลวรีบเชิญเหลยเหงขึ้นไปบนเขาแนะนำให้ในายโจรคนอื่นได้รู้จักเลี้ยงเล่ายาปลาปิ้งตลอดทั้งห้าวันสวนเสเฮห่หากันไม่รู้จักเบื่อเจ้าไก่ก็ปลารบถึงจูถงเหลยเหงตอบว่าตอนนี้นะท่านไปเป็นหัวหน้าพาดีที่คุกประจาตาบลเราขอรับแล้วก็ดูเหมือนว่าท่านเทสาคนใหม่ให้นิยมรักใครเขานัก ส่งเจียงรีบวกการสนทนากลับมาเข้าเรื่องโดยขอให้เหลยเหงมาร่วมด้วยแต่ในดาบรีบออกตัวว่าเฮ้ยแม่ข้าชรานักแล้วข้าทิ้งท่านมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ดอกขอรับข้าน้อยจะมาร่วมทันทีที่ท่านสิ้นบุญก็แล้วกันว่าแล้วเหลยเหงก็ขกศีรษะขอลาจากมาส่งเจียงพยายามแล้วพยายามเล่าแต่ก็ไม่อาจหว่านล้อมให้เหลยเหงอยู่ต่อ ในโจรคนอื่นๆรวมทั้งเจ้าไก่กับซ่งเจียงก็เลยเอาของ ข, องขวัญมีค่าออกมามอบให้เหลยเหงหลงเขาพร้อมด้วยเงินทองห่อใหญ่ถูกพาข้ามน้าพวกในโจรพากันมาส่งจนกระทั่งถึงถนนใหญ่ก่อนที่เหลยเหงจะมุ่งหน้าสู่ตะบลหยุนเชงไปตามลาพังเรื่องนั้นเราจะไม่เล่าให้มากความนะครับพอกลับมาถึงหอธรรมายุทธภ พ, พเจ้าไก่กับส่งเจียงขอให้ที่ปรึกษาทัพปูหยง จัดวางและแบ่งสรรตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบให้บรรดาในโจร น, น้อยใหญ่กู้ยงหารือกับท่งเจียงแล้วในวันรุ่งขึ้นก็เรียกประชุมบรรดาหัวหน้าต่างๆให้มาฟังตำแหน่งหน้าที่ใหม่โดยเริ่มจากบริเวณ ร, รอบที่มัน่นและโรงเตี้ยมก่อนเป็นอันดับแรกแต่เดิมซุนชินกับแม่นางกู้ดำเนินกิจการโรงเตี้ยมอยู่ก่อนแล้วท่งเจี้ยงเอ่ยขึ้นว่าเราจึงมอบให้สองคนนี้ลงไปแทนถงเหวยกับถงเหมิงแล้วให้ถอนคนทั้งสองกลับมาทําหน้าที่อื่น ชื่อเสียนให้ไปช่วยซื้อหยงแยะโหวไปช่วยจูกุยเจงเทียนโชไปช่วยลี่ลี่ดังนั้นโรงเตียงทั้งสี่แห่งของเราทั้งออกตกเหนือใต้ซึ่งแต่ละแห่งใช้เป็นที่ขายเหล้ายาปลาปิง้งและคอยต้อนรับขับสู้ผู้กล้าจากทั่วทุกสารทิศจะได้มีสองหัวหน้าคอยช่วยเหลือกันแม่นางกระบี่เหล็กสิบเสี้กับเสือเตี้ยวหวางให้บัญชาการใช้เขาด้านหลังและดูแลฝูงม้าสึก ส่วนป้อมเล็กที่หาดสายทองให้อยู่ในความดูแลของถงหวยกับถงหมิงป้อมเล็กที่หาดปากเป็ดให้เป็นหน้าที่ของสองอาหลานโจหยวนกับโจหลุนรับผิดชอบถนนหน้าภูเขาให้อยู่ในความคุ้มครองของทหารม้าลาดตระเวนกองหนึ่งภายใต้การบัญชาการของหัวซินกับเยียนชุนเสี่ยเจิ้นกับเสียเป้าให้รับผิดชอบด่านแรกที่จะขึ้นเขาตู้เฉียนกับซ่งวานด่านสองและริวถังกับหมู่หงด่านสาม สามพี่น้องตระกูลหยวนให้คุ้มกันป้้มค่ายใช้น้ำต่างๆทั้งด้านใต้ให้เมงกังดูแลการต่อเรือไปตามเดิมให้หลี่หญิงตู้ชิงกับเจียงจิงดูแลครังสมบัติทั้งเงินทองและสเสบียงกลังทันยาหารทั้งหมดเต้าจงกับเซี่ยหยงให้รับผิดชอบดูแลตึกรามบ้านช่องซ่อมแซมค่ายคูประตูหอรบโฮเจียนให้ดูแลจัดทำเสื้อผ้าอาพรชุดทหารเสื้อกะ และธงทวัดต่างๆที่ใช้ในการทหารทั้งหมดทู่ฟูกับซ่งชิงให้ดูแลการจัดเลี้ยงทั้งสิ้นมู่ซุนกับหลี่หยุนให้สร้างโรงเรือนและรละั้วระนาต่างๆเซียวหลางกับจินต้าเจียนให้รับผิดชอบหนังสือเข้าออกทั้งสิ้นและเอกสารที่เกี่ยวกับแขกไปใครมาทั้งหมดไปชวนให้เป็นหัวหน้าผู้พิทักษ์กฎและการให้คุให้โทษทั้งหลายทั้งปวง ให้ลูกฟงังโกเชงซุนลี่โอเปงมาลินเต็งเฟยหยางลินและใบเชงแบ่งกันดูแลทั้งแปดทิศของข้าใหญ่เจ้าไก่ส่งเจียงและหูหยงให้อยู่สูงสุดที่ห อ, อกลางให้หัวรงกับชินหมิงเป็นปีกซ้ายอยู่ที่ตึกซ้ายให้ลินชงกับไต้จงเป็นปีกขวาอยู่ที่ตึกขวาให้ลี่จุนกับลี่ขุยเป็นกองหน้า ให้จางเหงกับจางชุนเป็นกองหลังส่วนหยางซ่วงกับซื่อชิวให้พิทักษ์หอทำรมายุทธภพทั้งซ้ายและขวาเข้าใจนะทุกคนเพราะจัดสรรภารหน้าที่เสร็จสับก็มีการจัดเลี้ยงแสดงความยินดีกับหัวหน้าที่ได้รับตาแหน่งใหม่ไปทีละคนคนละวันการจัดตั้งป้อมค่ายช้ยน้ําแห่งนี้ก็เข้มแข็ง ม, มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนข้างฝ่ายเลยเหงนะครับ พอออกจากเหลียงซานปาอได้ก็แบกห่อของถือเงามม่งหน้าไปทางยุ่นเชงครั้นตอนมาถึงบ้านก็เข้าไปคารวะมารดาเปลี่ยนเสื้อผ้านำหนังสือที่ถือมาไปมอบให้เทศาภิบาลตำบนรายงานการเดินทางด้วยวาจาแล้วกลับมาพักที่บ้านทุกๆวันก็ไปลงชื่อที่สาลากลางตามปกติวันหนึ่งขณะที่เดินไปตามถนนพลันก็ได้ยินเสียงร้องทักมาจากด้านหลังว่า เท่านไหนนับกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับเหลยเหงิเอี่ยวกลับไปก็ปาหน้านักเลงคนเสเพลที่เล่นผู้หนึ่งที่มีนามว่าลี่ลูกคนรองเลยเหงิตอบว่าโอ้กลับมาเมื่อสองสามวันก่อนนี่เองลี่ลูกคนรองพูดว่าโอ้โหคราวนี้ท่านไปสชนะเลยตอนนี้ที่ตำบลของเรามีนักร้องนางหนึ่งมาจากเมืองหลวงตะ ว, วันออกทั้งงามทั้งฉลาดปราดเปรียว นางมีชื่อว่าไปซิวหญิงนางผู้นี้เคยไปกราบพบท่านแต่ถ้าว่าตอนนั้นท่านไม่อยู่ไปทำธุระเสียที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้นางเปิดการแสดงอยู่ที่โรงยิ้วของเรานางขับลำนำสั้นๆได้ทุกประเภทตอนนี้นะที่โรงละครแห่งนั้นมีการจัดงานแสดงหลายชนิดอยู่เป็นนิจศิลป์ทุกวันไม่มีขาดทั้งดนตรีเอ่ยราเอ่ยร้องเอ่ยผู้คนแน่นไปหมด เฮ้ยทำไมท่านไม่ลองแวะไปดูบ้างหรอขอรับแม่นางว่าหน้าทาปากได้จิ้มลิ้มดีแท้ๆเลยทีเดียวเชียวนะขอรับเมื่อเห็นว่าตัวไม่มีอะไรทําดีไปกว่าเลยเห็นจึงตามลี่คนเชียร์แขกไปยังโรงมหรสบแห่งนั้นปากทางเข้าโรงยิ้วมีการติดแผ่นปลิวเขียนตัวอักษรตัวทองไว้เต็มไปหมดบนเสาต้นหนึ่งสูงเท่าตัวคนแขวนป้ายไหมไล่ระลงมาเกือบจะหดพื้น ทั้งสองก็ก้าวผ่านสมประตูเข้าไปนั่งเก้าอี้แถวหน้าสุดทางซ้ายมือตอนนั้นบนเวทีกำลังมีการออกแขกพ่อมาส่งเลยเห็นได้ลี่ก็แอบฝ่าฝูงชนลบไปหาเหล้ากินหลังจากตัวตลกลาโรงชายชราผู้หนึ่งก็ก้าวออกมาหน้าเวทีพวกผ้าปิดหนาา้าผากผ้าเคียนเอลสีดำขาดรับเสื้อคลุมไหมสีชาโบกพัดด้าหนึ่งไปมาอยู่ในมือ แล้วพูดออกมาว่าไปอยู่เขียวคืนหามค่ะอุดส้าดันดนมาจากเมืองหลวงสวรรค์ออกก็ในยามเท่าแระแต่ชราไม่มีที่ทางจะทำมาหากินอะไรเช่นใครอื่นเขาก็ต้องพึ่งพาลูกเต่าผู้มีนามว่าไปซิส้วหญิงที่เป็นทั้งร้องทั้งรําและและเล่นเครื่องดนตรีได้นานาชนิดพวกเราบุกบันไปทั่วแดน นำความสุขสันหันสามามอบให้ทุกทุกท่านถึงเรือนชานสิ้นแล้วพอพูดจบเสียงกลองก็ย่ำตะลุ่งตุ้งแช่นางไป่ซิ่งหญิงขยับออกมารับรวมไม้ดอกเคาะเข้ากับหน้ากลองอย่างรวดเร็วฟังเสียงราวใครโปรยถั่วเขียวกล่าวใหญ่ก่อนจะหยุดย่ำหนึ่งไม้โป้งใหญ่แล้วขับขานลำนำเป็นสำเนียงเสียงเจื้อแจ้วอ้ว่าแม่นกกลับรังฟังเสียงเจียวเจ้า แก่เท่าพร้อมพายให้ลูกเติบใหญ่อ้วนพีคนเราเน่าทุก์เจ้าจุกทั้งชีวีนกน้อยต้อยตีวติบินไปไร้สิ้นอาถรลูกกระตันยูอย่างเลยหิงได้ฟังก็บรรดานใจอดจะปรบมือแสดงความชื่นชมให้ไม่ได้รายการต่อไปที่ข้าน้อยจะขับขานให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวหวานซึ้งกำาซาบซวงที่มีชื่อว่า ความห่วงหาอะไรในเมืองอี้จ้างนางกล่นสองสามประโยคก่อนจะเริ่มขับรำนำร้องไปพูดไปโดยผู้ชมในสนามที่ใช้เสือบังแดดขานรับกันให้อึงนี่ก็พอถึงก่อนที่นางซิ่วหญิงจะร้องท่อนสุดยอดของบทลำนำ ช, ชายชราก็ก้าวเข้ามาขัดจังหวะแล้วพูดว่าแม้จะยังไม่ถึงคันทำให้ตัวได้ขี่มา้ามีท้งย่องใส่อย่างใครๆเขาแต่ก็ทาให้บินจูชนทิศนี่ สักทศทานไอ้หุ่อกได้ไม่น้อยก็ยางที่เห็นจากที่บรรดาท่านสาทุกชนทั้งหลายพานันปรบมือนิยมยกย่องเอาละลูกเอ้ยถึงตาเจ้าแล้วเชื่อลงเวทีไปได้รายการต่อไปนี้มีชื่อว่ารัวกรองร้องหาเงินยิิงสาวผู้นั้นหยิบถาดขึ้นมาชี้ลงไปแล้วขับขานเป็นกรอนสั้นๆขึ้นว่า จะไปหาคนรวยหยุดแวะที่มีคนให้กระโดดข้ามไปที่โชคยังพอมีตรงไปที่มีความมาั่งมีสีสุขดังนั้นหากข้าหยุดที่ใครกรุณาโปรดอย่าทำให้ผิดหวังนะเจ้าคะลูกเอ้ยเดินไปให้ถุถั่วนะมีสุภาพบุรุษท่านใดจะให้รางวัลแก่เราก่อนลนะครับหญิงสาวถือถาดตรงไปยังเหลยเหงนายดาบหนุ่มเอามือคลำไปยังท้ายกำกำ ก็ไม่พบเลยแม้แต่แดงเดียวเลยเหงพูดกับนางว่าเออวันนี้ขอลืมเอาเงินติดมาโปรดกรนาให้อภัยขอติดไว้เป็นวันพรุ่งนี้เถิดนางซีหญิงหัวเราะแล้วพูดเป็นกรอนว่าหากเป็กแรกยังไม่ถูกใจเปกสองย่อมไรรสชาติท่านมานั่งแถวหน้าโปรดทำตัวอย่างให้ดีด้วยเถิดเจ้าค่ะเลยเหงหหน้าแดงกล่าด้วยความอับอายแล้วพูดว่าเออ ไม่ใช่ข้าไม่เต็มใจให้ดอกแต่เป็นเพราะวันนี้ข้าลืมเอาเงินติดตัวมาจริงๆนางซิ่วหญิงพูดว่าท่านเจ้าขาก็ทีท่านมาฟังขา้าท่านก็ยังจําได้เหตุฉไหนเกิดจดจําเรื่องเงินขึ้นมาไม่ได้หรอกเจ้าคะเออข้าจะให้เจ้าสี่ห้าตำลึงเงินก็ได้นั่นไม่เท่าใดดอกแต่ถ้าว่าโชคร้ายนักข้าลืมไปก็ในเมื่อตอนนี้เจ้าไม่มีเงินในกระเป๋าแม้แต่อีแปะเดียว เหตุไฉนไหนจึงพูดจา ใ, ให้ใหญ่โตไปถึงสี่ห้าตำลึงนูน่นหวังจะให้ข้าเห็นไวล้วกลืนน้ำลายว่าสละเปล่าให้อิ่มท้องกระนั้นหรื อ, อรเอ้ยรูเอ้ยเจ้าไม่มีตาหรือไรเท่าไปแขะเข้าให้บ้างล่ะครับเฮ้ยเจ้าแยกแยะไม่ออกเลยหรือไรระหว่างคนเมืองกับไอ้บันนอกขคกนานะ่ะฮะจะได้เปลืองเวลาไปกับไอ้หมอ น, นั่นเลย ไปขอจากสุภาพบุรุษท่านอื่นๆที่มีน้ำใจขอจะให้เราเริ่มต้นได้จะดีกว่าเหลือเหงชักเหลืออดแล้วครับพูดขึ้นว่าเฮ้เจ้าหาว่าข้าไม่รู้จักทรรมเนียมหรือไรฮะชายแก่ก็โตกลับไปว่าเฮ้ ee, หากเจ้ารู้ว่าคนที่ได้รับการขัดเกลามาดีเขาทำตัวเช่นไรแล้วในแผ่นดินนี้หมาก็คงงอเขาได้เองหาแล้วละ่ะ พอได้ยินดังนั้นบรรดาผู้ฟังต่างพากันฮือฮาเหลยเหง๋อ เ, งเองถึงกับเดือดดาลไปแล้วจึงพูดขึ้นว่าเฮ้ยมึงไอ้ขี้ข้าฉันตําฮ็ดฉันไหนจึงกล้ามาล่วงเกินกูฮะเฮ้ยกูจะว่าไอ้คนเลี้ยงควายอย่างมึงแล้วจะทำไหม่ฮะผู้ชมคนหนึ่งรู้จักเลยเหงด๋ดีจึงร้องขึ้นว่าเอาตะลุ่ ย่าได้พูดกับท่านเช่นนั้นนะรู้ไหมว่าท่านผู้นี้คือท่านไหนดาบเลยเฮ้ยกล่าวว่ายังไงนะไหนดาบหรือไหนดาบฮะเข้าไปให้ขนองปากเลยเหงนั้นยังไม่ไหวซะแล้วเพราะดีดตัวออกจากเก้าอี้ขึ้นเวทีได้ก็คว้าเสื้อตาเท้าผู้นั้นเอาไว้แล้วชกออกไปหนึ่งหมัดเฮ้ยเอ๊ะมึงใครกูทาไมอ่ะเอะ เดี๋ยวกูจะไปฟ้องทันเฉษามึงคอยู่หอับมึงมึงตายแน่ตวัดซ้ำเข้าไปที่ปากอีกหนึ่งเตะริมฝีปากแก่แก็ถูกบทขยี้จนฉีกขาดฝันหน้าหลุดกระเด็นเลาะหายไปเป็นหลายซี่การโจมตีครั้งนั้นดุดันเหลือใจคนดูอื่นๆรีบเข้าไปแยกพากันปลอบโยนโน้มน้าวเหลยห็งให้กลับบ้านส่วนพวกตัวนั้นก็รีบแยกย้ายสลายตัวไปโดยเร็ว แต่ถ้าว่าการกลับกลายเป็นว่านางนักร้องผู้นี้เป็นคู่ขาเทสาคนใหม่มาตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังอยู่เมืองหลวงตะวันออกนี่เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทาให้นางมาเปิดการแสดงที่หยุ่นเชงหลังจากเลยหิงกระเทืบบิดาของนางจนกระอักเลือดนางก็จับเกี้ยวบึงไปฟ้องเทสาในทันที ท่านเจ้าค่ะเลยเหงนทุบตีมิดาไล่ลูกค้ามันตั้งใจล่วงเกินข้าช่วยด้วยเจ้าค่ะแทศาพิบาลร้องขึ้นอย่างร้อนรนสมกับความร้อนแรงของกำลังภายในหมอนเฮ้ยเจ้ารีบทำเรื่องร้องเรียนขึ้นมาเดี๋ยวนี้ลงมือสำรวจบาดแผลของชายชราด้วยตนเองแล้วสั่งเสมียนให้บันทึกทั้งหมดเอาไว้ฝ่ายเลยเหงนั้นมีเพื่อนฝูงอยู่ในสารากลางหลายคน ที่พยายามยับยั้งเรื่องนี้เอาไว้แต่ไม่อาจทัดทานนางไปซิวหญิงได้นางไม่ยอมหนีไปไหนทำงอดเงาตุปัดตุ้ป่องอยู่พักใหญ่จนเทสาอ่อนใจเลยเห็นก็เลยถูกคุมตัวมาคุกเข่าต่อหน้าบัลลังและถูกโบยจนกระทั่งสารภาพผิดถูกจับใส่คือลากตัวออกไปตระเวนตามท้องถนนแล้วเอาไปยืนประจานอยู่หน้าโรงยิ้วตามที่นางไปซิวหญิงเรียกร้องทุกประการพอวันรุ่งขึ้นขณะที่นางไปซิวหญิงจะเข้าไปแสดงที่โรงยิ้ว เลยเหงิก็ถูกนำตัวไปยืนประจานหน้าประตูทางเข้าอันว่าโทษประจานนั้นต้องถูกบังคับให้แก้ผ้าแต่เนื่องจากผู้คุมล้วนเป็นเจ้าพนัก ง, งานเช่นเดียวกับเลยเหงิกจึงไม่มีผู้ใดกล้าผิดกับหญิงสาวไหนๆกูมีเรื่องกับมันเห็นกันต้อง ต, อ, งต อ, งอยู่แล้วจะไปสัมมาหาอะไรหากจะยั่วให้อีกสักหน่อยคิดพลางก็เดินเข้าไปนั่งร้านน้ำชาข้างๆเรียกผู้คุมเข้ามาหาแล้วพูดกับพวกเขาว่านี่ จ้าสนิดกับมันจึงผ่อนผันให้มันได้สบายท่านเทสาก็สั่งมาแล้วให้เอาตัวมันมาประจานตามหลักประจานก็ต้องแก้ผ้ามันออกถ้าพวกเจ้าทั้งสิ้นก็พากันไปสงสารมันข้าจะไปฟ้องท่านเทสาคอยดูก็แล้วกันว่าข้าจะเอาพวกเจ้าหรือไม่โอ้ยโปรดเถิดขอรับแม่หญิงอย่าได้โมโหไปเลยถ้าท่านเห็นว่าจําเป็นเราก็จะเปลื้องผ้ามันออกถ้าเช่นนั้นนะนะข้าก็จะตกรางวัลให้พวกเจ้า พวกผู้คุมไม่มีทางเลือกจึงจับเลยเหงมัดแล้วแก้ผ้าออกกลางถนนบรรดาผู้คุมผ้ากันขอโทษขอโพยโฮ้ยพวกเราช่วยไม่ได้เลยจริงๆนะขอรับก็ในระหว่างนั้นเองนะครับมารดาเลยเหงนำข้าวปลามาให้พอเห็นลูกยืนแก้ผ้าอยู่ก็ร่ำให้ขึ้นมาในทันทีนางหันไปด่าบรรดาผู้คุมเหล่านั้นพวกเจ้า เป็นพนักงานที่สารลักล้างเชนลูกของข้ามันคมกับสินจ้างที่เขาให้มาแล้วหรือจึงได้มาทากับลูกข้าถึงบ้านทนนีน้นะฮะจักบันหนึ่งจะถึงคราวของพวกเจ้ามันก่อนได้ท่านป้าฟังก่อนขอรับพวกเราก็ใครจะทำใ้สิ่งที่ถูกที่ัวรนั่นแหละแต่ถ้าว่าฝ่ายเจ้าทุก อยากจะเห็นเราปฏิบัติตามหลักการประจนันคือให้มัดแล้วแก้ผ้าพวกเราปฏิเสธไม่ได้นางขู่ว่าจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องท่านเทศาพวกเราเลยรักษาหน้าให้ท่านเลยเห็นไม่ได้น่ะสิฮึใครจะไปเคยได้ยินว่าเจ้าทุกมาดทำเจ้ากี่เจ้าการเสียได้ในทุกแานละเอียดนะฮะว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เฮึ มันดาผู้คุมรีบลดเสียงให้ต่ำลงแล้วพูดว่าท่านป้าขอรับนางผู้นี้ใกล้ชิดกับท่านเทสายงนักนักขอรับหากนางเอะอออกมาสักคำหนึ่งพวกเราต้องเข้าคุกแน่ๆพวกเรานั้นขืนไม่เข้าขายไม่ออกเลยจริงๆพอถึงขั้นนั้นมันดาเลยเหิงก็เริ่มเข้าไปแก้มัดให้ลูกเอีนี่รู้ไว้ทีจับเส้นเอ็น กูจะแฉเชือกนี้แล้วดูสิว่าอีนั่นจะทํำอะไรได้นางซิวหญิงนั่งอยู่ในร้านน้าชาข้างๆได้ยินจนหมดสิ้นแล้วครับจึงเดินออกมาแล้วตะโกนออกไปว่าเฮ้ยอีกแกมึงว่าไงนะบ้านดาเลายหิงยกมือขึ้นชี้หน้านางซิวหญิงด้วยความโกรธแค้นแล้วพูดว่าเฮ้ยมึงมันถูกคนเขาหลอถูกเขาเล่นมาเป็นพันๆครั้งแล้วนางสุนัก มึงถือสิตอะไรมาว่ากูฮะคิ้วโกงดังโค้งเหลวของนางซิ่วหญิงก็ขมวดเขาจดกันตาเบิงค้างแล้วตะวาดออกไปว่าเฮ้ยอีแม่เล้าอีขอทานอีคนฉันต่ำอย่างมึงฉันไหนจึงได้มาผลดสวาพใส่กูฮะเฮรู้จักกูน้อยไปซะแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วเฮ้ยแล้วมึงจะทำอะไรกูฮะมึงไม่ใช่เทสภิบาลที่นี่สั ก, กหน่อย นางนิ้วซิวหญิงก็วิ่งเข้าหามือแหวกกระแทกเข้าใส่หนึ่งฝ่าอนี่อ้ยอ้ฉันดา น, นี่ยมันทบช้ากูทำไมเนี่ยเดี๋ยวเพงเจอกูเฮ้ยหญิงชราเซ่ทหลาตามแรงกระแทกก่อนจะทันทรงตัวนางซิวหญิงก็ถลันเข้าประชิดสบัดฝ่ามือตบใส่หน้าน า, นางทั้งซ้ายทั้งขวาอี๋อ้ยอีย๋อุ้ยตายอ้ฉันดาเ น, นี่ย เมื่อเห็นดังนั้นลูกกตันยูอย่างเลยเหงสุดแสนจะอดกลัน้นทันก็เงื้อขื่อขึ้นแล้วประเคนใส่หัวของนางซิวหญิงนี่ตายซะมึงแง่คือจับปะเข้ากลาง ก, กะโหลกหัวก็บานนางนิ้วก็พันแบะล้มตึงลงกับพื้นมันสมองทะลักลูกในตาถลนตายสนิทแน่นิ่งไม่ไหวติง่งคนอื่นๆรีบคุมตัวเลยเหงไปแรงงานเทสา เทศาสั่งให้เอาตัวเหลยเหงย้อนกลับไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกรรมการและประจักษ์พยานคนอื่นๆเพื่อการชนะสูตรพริกษพพอเสร็จทุกคนก็กลับไปยังสาราว่าการซึ่งเหลยเหงิก็สมัครใจรับสารภาพเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เองทั้งหมดฝ่ายมารดาที่ได้รับการประกันตัวก็กลับไปบ้านตามทันบนที่ต้องมารายงานตนในภายหลังส่วนเหลยเหงิถูกใส่คือแล้วยัดเข้ากรงข้างฝ่ายบุรุษคราวงามจูถง พัสดีใหญ่ประจำหยุนเชงพอเข้าคุมตัวเลยเหิงเข้ามาก็ทำอะไรให้มากไม่ได้ได้แต่เอาเล่าข้าวปลามาเลี้ยงแล้วกําชับให้ผู้คุมค่อยปัดกวาดเช็ดถูตารางให้สะอาดต่อมาไม่นานมานดาของเลยเหิงก็เอาข้าวปลามาส่งให้ลูกที่ในคุกหญิงชราคร่ำครวนกับจูถงว่าเราะว่าแม่ก็หกสิบเข้าไปแล้วลูกคนเห้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกัน จงดูแลเขาให้ดีด้วยเถิดครับท่านป้าอย่าได้กังวลไปเลยขอรับต่อไปนี้ท่านป้าไม่ต้องเอาข้าวปลามาส่งเขาอีกแล้วเรื่องนี้ข้าจะดูแลเขาเองหากมีช่องทางข้าก็ต้องช่วยเขาอย่างแน่นอนขอให้เป็นไปตามนั้นเถิดจงมาเป็นดังพ่อดังแม่ผู้ให้กำเนิดมาเกิดใหม่เขาเป็นอะไรไป แม่ก็คงไม่พ้นต้องตามเขาไปด้วยเป็นแน่เออข้จะจําไว้ท่านป้าโปรดวางใจเถิดขอรับยิง้งชะากล่าวขอบคุณแล้วลากลับจู๋ถงพยายามคิดช่วยเหลือเหลอเหงหทุกวิธีทางแต่ก็ไร้ประโยชน์ขอให้คนไปอ้อนวอนเทสาก็แล้วเอาเงินไปวิ่งเต้นทั้งบนทั้งล่้าก็แล้วตัวเทสานั้นรักใคร่จู๋ถงก็จริงแต่ก็ให้นึกแช่งชักหักกระดูกเหลยเหงหที่เป็นค่ายอดยาหยีของตัวเองนะัก ไม่ยอมรับคำวิงวอนใดๆยิ่งไปกว่านั้นแต่เท่าไปหยูเฉียวก็ทำเรื่องร้องเรียนเอาชีวิตเลยเหงมาแลกชีวิตของลูกสาวตั ว, ตวอยู่ไม่ขาดดังนั้นพอครบกำหนดฝากขัง60สวันเลยเหงก็ถูกย้ายไปจำไว้ที่คุกจี้โจประวัติคดีและหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องถูกส่งไปล่วงหน้าแล้วจูถ๋ถงก็ได้รับคาสั่งให้นำกำากาลังคุมตัวเลยเหงไปส่งยังตัวจังหวัดจูถงคัดเลือกผู้คุมไปสองคน คุมตัวเลยเหงจากตำบลยุนเชงมาพอไปได้หกสิบลี้ก็เห็นโรงเตี๊มหลังหนึ่งจูถงจึงเสนอว่าเชิญพวกเราเข้าไปดื่มกินกันสักหลายๆจอกก่อนเถิดคนทั้งหมดจึงพากันเข้าไปนั่งดื่มยังโรงเตี๊มแห่งนั้นจูถงพาเลยเหงเลี่ยงไปด้านหลังทำทีดังจะไปปลดทุกข์พอไปถึงที่รับตาคนก็เข้าไปถอดขือให้เหลยเหงเป็นอิสระพี่เลยเหง รีบหนีกลับบ้านไปรับแม่เถิดแล้วรีบหาที่หลบซ่อนให้แล้วไปเสียในคืนนี้เลยข้าอยู่ทางนี้จะรับเรื่องเอาไว้เองทั้งสิ้นเลยเหงหพูดว่าพ่อไม่ห่วงเรื่องนี้ดอกคิดอยู่เรื่องเดียวก็คือเป็นห่วงตัวท่านจูถงจึงว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรเทสาเครียดแค้นท่านนักข้าที่ไปฆ่านางบำเรอของตัวตัวท่านนั้นต้องคาสั่งประหารไปแล้วพ่อไปถึงจังหวัด เขาต้องเอาตัวไปฆ่าแน่ๆสำหรับข้านั้นโทษที่ปล่อยให้ท่านหนีไม่ถึงประหารข้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ให้คอยเป็นห่วงหากทางการจะปรับไหมโดยยึดซับสมบัติก็ไม่กระไรดอกท่านจงรีบหนีไปให้เร็วที่สุดและไปที่สุดเท่าที่จะทําได้นะเลยเห็นก้มหน้าลงโคกศรีรษะรีบหนีออกทางประตูหลังกลับบ้านเก็บข้าวของมีค่าทั้งหลายทั้งสิน้น แล้วพามารดาเดินทางขึ้นไปร่วมชุมโจนที่บึงเหลียงซานในคืนนั้นเรื่องนี้เราจะไม่เล่าไปให้มากความนะครับป่ายจูถงพอเลยเหงหงหนีไปได้แล้วก็เวียงขื่ทิ้งไปในพงหญ้าโผล่ออกไปในที่โลง่งแล้วตะโกนขึ้นว่าโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเลยเหงงหนีไปแล้วพวกผู้คุมร้องขึ้นว่าพวกเราจะไล่ตามมันไปที่บ้านแล้วคุมตัวมันกลับมาขอรับ จูโถงแซงทวงเวลาบรรดาผู้คุมเพื่อให้โอกาสเหลยเหงหงได้หนีไปไกลๆแล้วก็พากันกลับไปที่สลาว่าการไปถึงก็สรารภาพว่าข้าประหัดลดเลิกไปหน่อยปล่อยให้นักโทษหนีไปได้ในระหว่างทางเราค้นยังไงยังไงก็ไม่เจอข้าน้อยยินดีรับโทษทันทุกประการขอรับด้วยว่าเทสาผู้นี้ชื่นชอบจูโถงยิ่งนักตัวนั้นไม่อยากเอาโทษใดๆอยู่แล้วเป็นแต่แตาเท่าไปหยูเฉียวหาว่าจูโถงจงใจปล่อยเหลยเหงหงให้หนีไป และขู่จะเดินเรื่องไปถึงสารสูงเทสาไม่มีทางเลือกนอกจากรายงานเรื่องนี้ขึ้นไปที่จังหวัดจีโจในตอนนั้นครอบครัวจู๋ถงเอาเงินออกมาวิ่งเต้นอย่างเต็มที่ตอนที่ในดาบถูกส่งไปขังรอคำพิาพากษาอยู่ที่จังหวัดจีโจนั้นข้าหลวงทราบเรื่องนี้ดีจึงสั่งให้โบยจู๋ถงไปยี่สบทีแล้วในระเทศหนีไปขังไว้ที่จังหวัดกางโจ จูถงถูกใส่ขือเดินทางไกลออกไปกับสองผู้คุมพร้อมกับเอกสารส่งตัวคนในครอบครัวจูถงตกรางวัลให้สองผู้คุมหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาเสื้อผ้าและเงินทองให้กับจูถงตอนออกจากหยุนเชงนั้นขณะใช้เส้นทางอ้อมไม่ผ่านตะบลเหงห้ในจังหวัดกังโจการเดินทางไม่มีเหตุผิดวิสัยใดๆเกิดขึ้นฝ่ายข้าหลวงเมืองกังโจ ตอนจูถงถูกนำตัวเข้ามาพร้อมเอกสารกำลังออกวาระรัชการอยู่พอดีแหละครับก็มองลักษณะออกว่าจูถงไม่ธรรมดาถ้าทางองค์อาจพึงภายใบหน้าเกลี้ยงเกลาเรียวยาวเป็นสีแดงนวดคราวดกหนาระเรื่อยผ่านแผง อ, อกลงมาปรกหน้าท้องอย่างเป็นระเบียบข้าหลวงให้ประทับใจนักเอ่ยปากทักออกไปว่าอยอดได้เอาชายผู้นี้ไปขังคุกเลยข้าอยากได้ตัวเขาเอามารับใช้เดินเหินอยู่ในจวน คือถูกถอดหนังสือตอบถูกเขียนและผู้คุมทั้งสองก็ถูกอนุญาตให้เดินทางกลับยุนเชงนับแต่นั้นจูถงก็ทำงานรับใช้อยู่ในสาาว่าการแห่งนั้นเขาเอาทรัพย์สินเข้าของเงินทองออกไปเดินเหินกับบรรดาในอำเภอมือปราบในกองในดาบผู้คุมนักโทษยามเฝ้าประตูพลเดินสารพันโรงและทหารพิทักษ์ทั้งหลายทั้งสิน้น ในเมื่อมีอธิยาสายไมยตรีอบอ้อมอารีเพื่อแผ่เช่นนี้ไม่ช้าก็เป็นที่รักชอบของคนทั้งปวงอยู่มาวันหนึ่งข้าหลวงกำลังนั่งว่าราชการอยู่บนบันลัง จูถงยืนเฝ้าระวังรับคำสั่งอยู่เบื้องล่างข้าหลวงก็เรียกเข้าไปใกล้ๆแล้วถามขึ้นว่าเหตุชั้นไหนเจ้าจึงได้ปล่อยเลยเหงียนแล้วตัวกลับต้องมาทนรับสบภาพอยู่เช่นนี้ล่ะฮะจูถงจูถงตอบว่าข้าน้อยไม่กล้าทำเช่นนั้นดอกขอรับเป็นเพราะข้าประมาทล่นเ ล, ล่อจริงๆเขาถึงได้หนีไปข้าหลวงจึงถามว่าเจ้าจาเป็นต้องมารับโทษหนักถึงเพียงนี้ทีเดียวหรือฮะ จูธงตอบว่าเออคงเป็นเพราะฝ่ายเจ้าทุกในคดีเหลยเหงยืนยันให้ข้าน้อยรับสารภาพว่าจงใจปล่อยตัวเหลยเหงยไปดังนั้นโทษอาญาจึงได้หนักนักขครับข้าหลวงจึงถามอีกว่าแล้วเหตุชนไหนเหลยเหงยจึงไม่ฆ่านางหญิงนักร้องผู้นั้นล่ะฮะจูธงจูธงเล่ารายละเอียดของคดีให้ข้าหลวงฟังข้าหลวงจึงว่าดังนั้นเจ้าก็เลยถือว่า เขาเป็นบุตรกระตันอยู่แล้วคิดว่าการปล่อยตัวเขาไปเป็นทางเดียวที่จะแสดงออกซึ่งวีรภาพแห่งคุณธรรมน้ำมิกระนั้นหรือจูถงจึงว่าโอ้ท่านใต้เท้าข้าน้อยจะอาจหาไปโกหกพกลมทางการได้ชะไหนก็ในตอนนั้นนั่นเองนะครับบุตรชายคนเล็กของข้าหลวงก็เดินออกมาจากฉากกั้นหน้าตาน่ารักน่าชังรับกับวัยสี่ขวบ ข้าหลวงทั้งรักทั้งหลงยิ่งกว่าทองยิ่งกว่ายกเด็กคนนั้นตรงมาหาจูถงเรียกให้อุ้มจูถงก้มลงไปอุ้มขึ้นมาไว้ในวงแขนเด็กน้อยก็ลูบเล่นแผงคราวที่ยาวสลวยกลุ่มนั้นหนูจะไม่เอาใครอ่ะหนูจะให้นักคราวอุ้มคนเดียวเหอท่านพอ่อเด็กน้อยเริ่มตะเบงเสียงหวีดร้องข้าหลวงขัดขึ้นว่าไม่เอาน่าลูกปล่อยเขาทำตัวให้เป็นเด็กดี หนูจะให้เขาอุ้มจะให้เขาพาออกไปเล่นนะ่ะออจู๋ถงเสนอขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นข้าน้อยจะอุ้มคุณหนูออกไปเดินเล่นสักประเดี๋ยวนะขอรับแล้วจะรีบกลับมาข้าหลวงยอมอนุญาตและพูดว่าเอาละหากเขาต้องการเช่นนั้นก็ตามใจเถิดจู๋ถงอุ้มเด็กคนนั้นออกไปเดินเล่นในตลาดพักเงินส่วนตัวซื้อลูกกวาดให้สักพักหนึ่งก็พากลับมา ข้าหลวงถามลูกของตัวว่าหนูไปไหนมาละจ๊ะนักเราาพาข้าออกไปเดินเล่นที่ถนนแถมซื้อขนมให้ข้าด้วยละข้าหลวงเอ่ยกับจูถงด้วยอาถรว่าเฮ้ยเจ้าไม่ควรเอาเงินตัวเองออกเลยจูถงบอกว่าเออก็แค่เล็กๆน้อยๆดอกขอรับไม่มีค่าพอที่จะเอ่ยถึงดอกข้าหลวงจึงเรียกหาสุรามาแทนน้ำใจสาวใช้นางหนึ่ง ถือถาดใส่กาพวยเงินเดินเข้ามาริมสุราให้จู๋ถงสามจอกใหญ่ๆติดกันไม่ว่าเมื่อใดก็ตามหากลูกข้าปรารถนาจะให้เจ้าพาออกไปเดินเล่นเจ้าก็อุ้มเขาออกไปได้เลยความประสงค์ของใต้เท้าคือคําบัญชาของข้าน้อยขอรับด้วยเหตุนั้นจู๋ถงจึงพาเด็กน้อยออกไปเดินเล่นทุกๆวันเมื่อมีเงินอยู่เต็มพกและจู๋ถงก็อยากเอาอกอาใจข้าหลวงจึงจับจ่ายให้เด็กคนนั้นไปอย่างเต็มที่ ครึ่งเดือนผ่านไปวันนั้นเป็นวันที่สิบห้าเดือนเจ็ดเข้าหน้าเทศกาลปล่อยผีมีการลอยประทีปโคมไฟไปกับสายน้ำผู้คนพากันสวดมนต์และถือศิลเย็นวันนั้นหญิงพี่เลี้ยงก็เอ่ยขึ้นกับจูถงว่าท่านนายดาบวันนี้คุณหนูอยากจะออกไปดูงานลอยประทีปเจ้าค่ะส่วนคุณนายก็อนุญาตแล้วด้วยจูธงรับปากข้างฝ่ายเด็กน้อยนุ่งผ้าไหมสีเขียว ใช้สายลูกปัดเส้นเล็กๆมัดแกร์ทิ้งจุกสองชายปล่อยงอนใช้ด่งงอนมังกร น, น้อยจู๋ถงแบกเด็กขึ้นบ่าเดินผ่านประตูศาลาว่าการตรงไปยังวัดที่มีงานโคมตามประทีปจํานวนมากล่องลอยตามสายน้ําเห็นเด่นเป็นดวงดวงยามนั้นเวลาเพิ่งจะค่าจู๋ถงเกรเล่นไปกับเด็กน้อย ร, บรอบๆลานวัดผู้คนออกมาทําบุญขอสินขอพรโดยปล่อยป ล, ยปลาลงสระวัด เจ้าหนูน้อยปีนป่ายขึ้นไปบนราวสะพานเพื่อดูดวงประเทศให้ถนัดตาตามประสาสนรุษหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังก็เข้าไปกระตุกชายเสื้อจูง่งแล้วพูดขึ้นว่าท่านพี่โรถเลี่ยงไปคุยกับข้าสังนิษเถิดอคอรับจู่งหันไปดูก็ให้แปลกใจนักหาใช่ใครอื่นเลยเหงผู้นั้นนั่นเองจู่งหันไปบอกเด็กเล็กคนนั้นว่า คุณหนูลงจากราวโรเบียงแล้วมานั่งตรงนี้นะาจะไปซื้อลูกกวาดมาให้นั่งอยู่นี่นะอย่าหนีไปไหนสะล่ะเรียบกลับมาไวๆนะข้าอยากจะขึ้นไปดูเข้าลอยประทีบบนราวสะพานนั่นเออได้ได้อีกเดี๋ยวนะาจะเรียบกลับมาว่าแล้วก็หมุนตัวเดินตามเลยเห็งไปจูถงถามว่าท่านมาทำอะไรที่นี่ล่ะครับเลยเหงงดึงเขา้าไปในที่รับตาคนแล้วพูดขึ้นว่า เออหลังจากที่ท่านช่วยชีวิตข้าไว้ข้าก็ไม่มีที่ไหนจะพาแม่ไปได้จึงขึ้นไปร่วมกับท่านทรงเจียงที่เลี้ยงซานเปาะข้าเล่าให้ภูเขาฟังเรื่องความเมตตาของท่านท่านทรงเจียงรำลึกถึงบุญคุณที่เคยช่วยชีวิตท่านไว้ในครั้งก่อนท่านเจ้าไก่กับหัวหน้าคนอื่นๆให้ทราบซึงหักพวกเขาเลยส่งท่านที่ปรึกษาทัพปูหยงลงมาพบท่านจูถงถามว่าเออแล้วตอนนี้ท่านอาจารย์วูไปอยู่เสียที่ไหนเล่า ก็ตอนนั้นนั่นเองนะครับบุรุษผู้หนึ่งจึงก้าออกมาแล้วพูดขึ้นว่าวูยงมาอยู่ที่นี่แล้วขอรับว่าพลางก็เขาเต่าจู่ทงรีบรับไหว้แล้วพูดว่านอนนักหนาแล้วท่านอาจารย์ข้าหวังว่าท่านคงสบายดีนะขอรับวูยงตอบว่าพวกหัวหน้าบนเขาฝากความเคารพมาด้วยขอรับพวกเขากำลังตั้งตารอให้ท่านนดาบเหลยเหงกับข้ามาเรียนเชิญท่าน ขึ้นไปร่วมชมรมหมู่พวกกล้ากับพวกเราหลายวันวันนี้พวกเราไม่กล้าเข้าใกล้ท่านแต่แล้วคืนนี้ในที่สุดพวกเราก็ได้มาเจอกันขอให้ท่านโปรดตามเราไปที่ค่ายตามประสงค์หัวหน้าใหญ่ของเราคืนท่านเจ้าไก่กับท่านทรงเจียงด้วยเถิดขอรับจูถงนั้นพูดอะไรไม่ออกไปหลายอึดใจจนในที่สุดก็เอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยท่านอาจารย์ท่านเข้าใจผิดสิแล้วละขอรับ ท่านอาจารย์ไม่ควรนำเรื่องแบบนี้มาพูดกับข้าหากว่ามีใครเกิดมาได้ยินละ่ะท่านเหลยเห็งนั้นมีความผิดถึงขั้นประหารเชียวนะที่ปล่อยให้หนีไปนั้นเป็นเพราะข้าถือมั่นในคุณธรรมน้ามิตรเขาจะไปที่ไหนๆก็ไม่ได้แล้วจำต้องหนีขึ้นเขาไปร่วมอยู่กับพวกท่านก็เพราะเขานี่แหละข้าจึงถูกเนรเทศมาอยู่ที่นี่แต่ถ้าสวรรค์เมตตาปรานีอีกสักปีสองปีข้าก็อาจจะกลับบ้านได้ กลับไปเป็นพลเมืองดีมีหน้ามีตาเหมือนอย่างเก่าแล้วใจข้าไปทําตามความประสงค์ของท่านได้ฉันใดท่านทั้งสองโปรดกลับไปเสียเถิดเขินอยู่ที่นี่อาจมีผู้คนสับสนได้เลยแห่งแย้งขึ้นว่าเออแต่อยู่ที่นี่ท่านเป็นเพียงบ่าวให้เขาช่วงชัยนะขอรับนั่นไม่ใช่วิถีชีวิตของคนจริงที่ปรารถนาจะได้ท่านไปร่วมนั้นใช่จะมีแต่ข้าเพียงคนเดียวก็หาไม่บรรดาหัวหน้าทั้งหมด ก็ใครจะได้เห็นหน้าท่านมานานนักหนาแล้วพวกเขาจะพากันคิดเช่นไรหากท่านยังงัวโอ้เอยอยู่เช่นนี้เอ๊ะท่านนี่พูดฉชนนี้ได้อย่างไรกันไม่รู้จักคิดบ้างหรือไรที่ข้าปล่อยท่านไปก็เพราะว่าแม่ท่านชรานักแล้วและบ้านท่านก็ยากจนไม่มีคนจะหาเลี้ยงแล้วตอนนี้ท่านยังจะมีหน้ามาพูดว่าข้าเล่นตัวไร้น้ำจิตน้ำใจอีกเฮ้ย ผู้ยงรีบแทรกว่าในเมื่อท่านหนดาบไม่ประสงค์จะไปเราก็ควรจะอำลาแล้วจากไปเสด็จทีจะดีกว่าจูถงจึงเอ่ยขึ้นว่าโปรดรับความรำลึกถึงของข้าไปถึงหัวหน้าทั้งหลายในค่ายด้วยขอรับพวกเขาพากันเดินไปยังสะพานแต่ทว่าหามีแวลของเด็กน้อยผู้นั้นอยู่ที่นั่นไหมจูถงคลางออกมาเที่ยวตระเวนหาไปทุกซอกทุกมุมเลยเหงยยึดแขนเอาไว้แล้วพูดว่า อย่าได้ค้นหาไปอีกเลยท่านพี่บางทีอาจจะเป็นฝีมืออีกสองคนที่ตามเรามาด้วยก็ได้พอได้ยินท่านพูดว่าท่านจะไม่ไปจึงได้ขโมยเด็กไปท่านพี่พวกเราไปตามหาด้วยกันจู่ถงจึงพูดว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่เวลาจะมาตลกนะขอรับเด็กผู้นั้นเป็นแก้วตาดวงใจของท่านข้าหลวงข้าเป็นคนดูแลเขาเลยแหงพูดว่าเฮ้ยท่านพี่ตามเข้ามาเถดหนาะ จู่ถงเหลยเหงกับบูยงก็ออกจากลานวัดพากันออกไปนอกเมืองจู่ถงนั้นมโมโหโกโรธาอย่างเห็นได้ชัดแล้วจึงคาดขันว่าเฮ้ย <"H ee, S 1> พวกนั้นพาเด็กไปไว้ที่ไหน เ, เหลยเหงตอบว่าไปที่พักของเราก่อนแล้วขัดจะคืนเด็กคนนั้นให้จู่ถงจึงว่าพ่อนข่อหลวงโปรดเอาแน่คืนข้ากลับไปช้านะ่ะบูยงพูดขึ้นบ้างว่าเจ้าสองคนที่มากับเราไม่รู้จักพื้นที่พกขโมยเด็กได้ จะต้องพาไปไว้ที่พักของเราเป็นแม่นมัน่นจู่ถงซักขึ้นว่าสองคนนั้นชื่ออะไรเลยเหงงออกตัวว่าเฮ้ยข้าไม่รู้จักพวกเขาดอกเห็นแต่อีกคนเรียกว่าสลาตันดำจู่ถงตกตะลึงแล้วพูดว่าไม่ใช่คนที่ข้าผูกคนที่เจียงโจหรือไรผูโ้โยงตอบว่าเออนั่นแหละเป็นคนนั้นนั่นแหละจู๋ถงโกรธหัวฟัดหูเบียงขยี้เท้าคำรามขึ้น แล้วเร่งฝีเท้าตามไปพ่อห่างมือมาได้สักยี่สิบลี้ก็เห็นลี่ขุยเดินอยู่เบื้องหน้าลี่ขุยหันมาเห็นก็ตะโกนขึ้นข้าชูนฮี่จู่ถงรีบวิ่งเข้าไปหาแล้วถามขึ้นว่าแล้วแล้วลูกข้าหลวงไปอยู่ที่ไหนลีดขุยรีบคำนับจู่ถงอย่างนอบน้อมแล้วพูดว่าขอขารวะท่านภัสดีผู้พี่เด็กคนนั้นอยู่ที่นี่แล้วขอรับจู่ถงว่า ไปพาออกมาเอามาส่งให้ข้าลี่ขุยชี้ไปที่หัวของตัวแล้วพูดว่านี่ไงขอรับลูกปัดของเด็กน้อยเช่นนั้นบัตรนี้ระเห็ดขึ้นไปมัดผมจุกของตัวจู่ถงมองตามไปใจก็หายวับตะโกนถามบ อ, อกไปว่าเฮ้ยแล้วตอนนี้ตัวเขาอยู่ที่ไหนฮะลี่ขุยตอบว่าขอเอายอใส่ปากให้กินแล้วอุ้มออกมาจากเมืองตอนนี้หลับอยู่ในดงไม้ข้างๆ รถเข้าไปดูเอาเองเถิดคืนนั้นดวงจันแจ่มกระจ่างจูดถงรีบวิ่งเข้าไปในป่าค้นหาอยู่พักหนึ่งก็เห็นเด็กน้อยนอนตายอยู่บนพื้นดินจูดถงกระโดดออกมาจากป่าด้วยความเดือดดานแต่คนทั้งสามคนหายไปซะแลว้วกวาดสายตามองหาทั่วไปก็เห็นลี่ขุยยืนอยู่แต่ไกลเอาขวานใบใหญ่คู่นั้นลับกันไปมาร้องท้าออกมาว่า มาเลยมาเลยจู๋ถงโมโหจนตัวสัน่นดึงเสื้อคลุมยาวขึ้นมาเด็กซาเอลแล้ววิ่งเข้าใส่ลีบขุยถอยหนีทิ้งระยะห่างออกไปเรื่อยๆจู๋ถงวิ่งไล่าตามแต่จะให้ทำเชไหนคนอยู่เมืองอย่างเขาจะไปไล่คนอยู่ป่าอยู่เขาที่สันทัดจัดเจนเช่นนั้นจะให้ทันได้อย่างไรไม่ช้าจู๋ถงก็หอบสิโครงรวนลีบขุยที่อยู่หน้าก็ตะโกนก่อกวนขึ้นอีกว่าหมอ เข้ามา<ย>จูถงคลุ้มคลั่งเหลือแสนแค้นจะกลืนรีบขุยลงไปเสียให้ได้ในคำเดียวแต่ก็ไล่ไม่ทันการไล่กวดดำเนินไปจนข้ามคืนไม่ช้าท้องฟ้าก็เริ่มสว่างครั้นรีบขุยหยนีเร็วขึ้นจูถงก็เร่งฝีเท้าตามพ่อห่างรีบขุยก็ผ่อนฝีเท้าแต่พอหยุดลีบขุยก็หยุดด้วย <unhealthy. S 1> ในที่สุดจูถงก็เห็นสลาดตันดำปลุบหายเข้าไปในครหาษฎ์หลังหนึ่ง ใจโตราประสาทราชวังจู้ถงรำพึงขึ้นว่าเฮ้ยไอชั่วนั่นจนมุมข้าจนได้คราวนี้แหละกูจะได้ตกลงกับมันให้รู้กันรู้แกว้วให้รู้แล้วรู้รอดไปสักทีว่าแล้วก็ถลันตามเข้าไปในครืหข่ า, หาใหญ่หลังนั้นที่ลานเครหอสาเต็มไปด้วยศาสตราอาวุธเสียบอยู่ตามราวแน่นขนาดเต็มไปทั้งสองฟากเฮ้ยนี่จะต้องเป็นจนใหญ่ของคุณนางที่ไหนสักคนเป็นแน่แท้ จึงตะกนถามออกไปดังๆว่ามีใครอยู่ไหมบุรุษหนึ่งก้าวออกมาจากหลังฉากแล้วใครกันเล่าอ๋อไม่ใช่ใครอื่นนอกจากสลาตันน้อยท่านชายใช้จิ้นผู้นั้นนั่นเองใช้จิ้นถามขึ้นว่าท่านเป็นใครบุรุษผู้นั้นช่างสง่า ง, งามภูมิฐานเหลือจะประมาณได้จูถงเห็นดังนั้นจึงรีบคารวะและตอบไปว่าข้าน้อยมีนามว่าจูถง เคยเป็นพัสดีที่คุกตำบหยุ่นเชงขอรับแต่ข้าไปละเมิดอาญาจึงถูกระเทศมาที่นี่ขึ้นก่อนข้าพาบุตรท่านข้าหลวงออกมาเที่ยวเล่นชมเทศกาลประทีในแม่น้ำแต่ทุกไอสละตันดำข้าตายตอนนี้มันหนีเข้าไปในเครือข่ายของท่านข้าใครขอความกรุณาวานท่านช่วยจับตัวมันส่งให้ทางการด้วยขอรับชายจิ้นจึงพูดว่า อ, อในเมื่อท่านก็คือสุภาพบุรุษเครางามก็เชิญท่านนั่งก่อนขอรับจูถงถามว่าถ้าเช่นนั้นข้าน้อยขอเรียนถามนามอันสูงส่งของใต้เท้าด้วยขอรับเออข้ามีนามว่าใช้จิน้นใช้า ย, ยาว่าสลาตันน้อยเป็นอะไรกับไอ้สลาตันดำหรือเปล่าลท่านฮะไม่มีอะไรหรอกชื่อมันคล้ายๆกันนะ่ะ <laughs> จูถงรีบโคกศีรษะคารวะ แล้วพูดว่าข้าน้อยได้ยินกิติศักดิ์ของท่านชายมานานเหลือหลายไม่คาดว่าจะมีเกียรติได้มาพบท่านในวันนี้ใช้จิ้มจึงพูดว่าแม่ชื่อเสียงของท่านเองก็โด่งดังมาถึงข้า น, านานนักแล้วเช่นกันโปรดได้เข้าไปสนทนากับข้าที่ห้องโถงหลังบ้านด้วยเถิดขอรับขณะเดินตามไปก็เรียนถามท่านชายใช้ว่าออไอสลาตันดำ ฉันไหนจึงกล้าเข้ามาซ่อนตัวในคลังหาดของท่านชายด้วยล่ะขอรับชายจิ้นตอบว่าอ๋อเรื่องนั้นไม่มีอะไรเป็นพิเศษดอกเป็นเพราะข้าเปิดประตูต้อนรับผู้กล้าจากทั่วทุกสารทิศมันพ่อระหลุษข้าสละกราชบัลลังก์จึงได้รับพระราชทานป้ายเหล็กอายาัดสิทธิ์จากจากักรพรรดิสรงพระองค์แรบผู้ใดกระทำความผิดหากได้เข้ามาหลบอยู่ที่นี่ก็จะไม่มีใครกล้าตามเข้ามาข้ามีเพื่อนสนิทอยู่ผู้หนึ่งนิยมรักใค่ในตัวท่านนัก คนผู้นั้นเป็นหัวหน้าชุมชนเหลียญซานเปาะไม่นามว่าฝนทั่วฟ้าส่งเจียงเขามีหนังสือลับมาถึงข้าขอให้วูหยงเหลยเหงกับสล่าตันดำมาพำนักที่ครหัดหลังนี้เพื่อใช้เป็นที่ไปเรียนเชิญท่านไปร่วมบนเขาเมื่อท่านปฏิเสธไม่ยอมไปท่านส่งเจียงเลยสั่งรี่ขุยให้ข้าบุตรชายของข้าหลวงเสียเพื่อตัดทางไม่ให้ท่านหวนกลับเข้าเมืองอีกจะได้ให้ท่าน ขึ้นไปนั่งร่วมเป็นนายบนเขาเหลียงซานอีกผู้หนึ่งท่านอาจารย์วูพี่เลยยังไม่รีบออกมาขอโทษอีกหรือชายทั้งสองรีบก้าวออกมาจากห้องข้างๆคุกเข่าโคกศีรษะให้จู่ถงแล้วพูดขึ้นว่าโปรดอภัยให้เราด้วยเถิดขอรับเราทำไปตามคำสั่งของท่านทรงเจียงหากท่านจะตามเราขึ้นไปบนเขาท่านก็จะได้รับความกระจ่างจูถงจึงพูดว่า ข้อน้อยทราบความประสงค์ของพวกท่านดีแต่ใช้วิธีการแบบนี้มั่งแสนจะโหดร้ายทารุณ น, นะขอรับเฮ้ยช้จิ้นรีบพึมพำเป็นการปลอบโยนจูถงจึงพูดว่าหากจำต้องขึ้นก็จะขึ้นแต่ก่อนอื่นขอให้ข้าได้เห็นหน้าไอสลาดนดำก่อนเถิดท่านชายใช้เรียกพี่ลี่รีบออกมาขอโทษซะเฮ้ยเล่ขุยก้าวออกมาจากห้องข้างๆ ทักถ่ายขึ้นด้วยนอบน้อมภาพที่เห็นนั้นกระพือโกรธสูงพิโรธขึ้นในดวงจิตพรุนพร่านทะลุม่านฟ้าขึ้นสูงกว่า 30, สามหมืศอกยังตนเองไว้ไม่อยู่จู๋ถงจึงถงเข้าใส่ลี้ขุยด้วยรังสีอเมหิตในทันทีต้องใช้สามแรงชุดทั้งใช่จินวูหยงและเหลยเหงร่วมกันจึงหยุดเอาไว้ได้ในที่สุดจู๋ถงก็เอ่ยขึ้นว่าข้าน้อยจะขึ้นเขาไปก็ได้แต่หากท่านต้องสัญญากับข้าประการหนึ่ง ปูยงพูดว่าเอาหนะ่าไม่เพียงแต่แค่หนึ่งเป็นสิบสิบก็ให้ได้ท่านปรารถนาอะไรหรือขอรับเพราะว่าจู๋ถงเผยความในออกไปนี Space ่เองความกลหุโอลมานก็จู่โจมจังหวัดเกาถังความขัางแค้นนั่นอุราก็แผ่ซ่านไปทั่วทั้งเหลียงซานเปาะก็เป็นไปดังเขาว่าองค์ชายผู้มากล้นด้วยปัญญาก็พลัดหลงเข้าไปอยู่ใต้เงากฎหมาย คนผู้เปิดบ้านรับชนทั้งผองกลับต้องไปเอวังอยู่ในคุกแล้วจูด ถ, ถงไปเรียกร้องอะไรเข้าแต่อย่าได้เดาไปเลยเชิญฟังบทถัดไปหากใครจะรู้เรียกขุยก้าวออกมาจากห้องข้างๆทักถ่ายขึ้นด้วยนอบน้อมภาพที่เห็นนั้นกระพือกโกรธสมพิโรธขึ้นในดวงจิต พุ่งพ่านทะลุม่านฟ้าขึ้นสูงกว่า 30, ส0ม0 0ือยยังตนเองไม่ไมีอยู่จูถงจึงโถมเข้าใส่รีขุยด้วยรังสีอมตในทันทีต้องใช้สามแรงชุดทั้งไชจิน้นวูหยงและเหลยเหงร่วมกันจึงหยุดเอาไว้ได้ในที่สุดจูถงก็เอ่ยขึ้นว่าข้าน้อยจะขึ้นเขาไปก็ได้แต่หากท่านต้องสัญญากับข้าประการหนึ่งูหยงพูดว่าเอาหนะ่าไม่เพียงแต่แค่หนึง่งเป็นสิบสิบก็ให้ได้ ท่านปราถนาอะไรหรือขอรับแล้วจูถงก็เอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยหากอยากได้ข้าขึ้นเขาไปนักแล้วก็ก็จงถอนแ้นให้ข้าข้า้สลาตันดามผู้นี้ซะก่อนแล้วข้าถึงจะไปไ่้ขุยดคำรามว่าน้อยแน่กูปฏิบัติตามคำสั่งของพี่เจ้ากับพี่ซ่งนะเรื่องนี้กูไม่มีเอี่ยวอะไรด้วยเลยแม้แต่ไผ่ลมเฮ้ยเขาเรียกตดปากท่ ออกูมันผูด้ดีเก่าเว้ยจู๋ถงกระโดดเข้าขาย่ำดีขุยคนทั้งสามก็เข้าห้ามเอาไว้อีกจู๋ถงตะโกนขึ้นและสาบานว่าถ้าไอ้สล่ตันดําอยู่บนนั้นหัวเด็ดตีนขาดโอ้ก็จะไม่ขึ้นไปเฮ้ยแล้วชายจินก็ร้องขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นก็ง่ายนะักข้าจะให้เขาอยู่เสียที่นี่ท่านทั้งสามพากันขึ้นเขา ทำตามความปรารถนาของท่านเจ้ากับท่านทรงก่อแล้วกันจูถงรำพึงว่าเฮ้ยข้าหลวงต้องส่งจดหมายไปบอกทางหยุนเชงให้คอยจับข้าพวกมันจะต้องมาลงเอากับลูกกับเมียแล้วเราจะจัดการแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรแล้วขอรับวูยงเอ่ยขึ้นบ้างว่าเฮหยละอย่าวิตกไปเลยตอนนี้ท่านทรงเจียงคงสั่งให้คนไปพาครอบครัวของท่านขึ้นเขาไปแล้วเป็นแน่ ก็จนตอนนั้นแล้วนั่นเองนะครับจู๋ถงก็ให้ผ่อนคลายลงใช้จิตเลี้ยงดูปูเสือพวกเขาแล้วส่งคนทั้งสามออกเดินทางไปในวันนั้นทั้งสามคนเดินทางไปในตอนบ่ายท่านชายใช้มอบมาให้สามตัวแล้วตนเองก็คุ้มกันขบวนออกไปจนพ้นด่านตอนจากกันนั้นวูหยงเรียกลี่ขุยเข้าไปสั่งความลี่ขุยเอ้ยเจ้าอยู่ทางนี้ระมัดระวังให้รงหนักนะ พักอยู่ที่เครือข่าของท่านชายไปอีกสักหน่อยอย่าได้เที่ยวไปก่อเรื่องอะไรให้พวกพันไปถึงท่านละ่ะรอจนท่านจู๋ถงสงบลงสักหลายเดือนก่อนหรืออาจจะถึงครึ่งปีเราจะมารับกลับขึ้นเขาแล้วตอนนั้นก็คงจะมากราบท่านชายใช้ขอให้ขึ้นเขาไปอยู่เสียด้วยกันทั้งสามพร้อมเบ่าวไพร่ตามไปส่งขึ้นม้าต่อไปตามทางใช้จิ้นกับลี่ขุยวกกลับเข้าครือข่าย จูถงตามบูหยงกับเหลยเหงิขึ้นเขาเหลียงซานไปเป็นนายโจนอีกคนหนึ่งพอคณะที่ว่าพ้นเขตกังโจบ่าไพรที่ตามไปส่งก็นําม้ากลับทั้งสามลงเดินต่อการเดินทางไม่มีเหตุการณ์อะไรในไม่ช้าทั้งสามก็ถึงโรงเตี้ยมของโจ ก, กุยจู ก, กุยรายงานขึ้นเขาไปว่าทั้งสามมากันแล้วเจ้าไก่กับส่งเจียงพร้อมกับนายโจนใหญ่น้อยก็ลงมาคอยที่หาดทรายทองท่ามกลางเสียงปี่เสียงกลองร้องรับกันให้ระงม ทั้งหมดขึ้นมาปีนเขาลงมาแล้วเข้าไปในหอธรรมายุทธภพสวนเสเฮฮาถึงเรื่องเล่าเก่าก่อนตอนที่เคยอยู่ด้วยกันแล้วจูถงก็เอ่ยถึงเรื่องที่ตนเป็นกังวลอยู่ในใจพันเรียกข้าขึ้นเขาแต่ว่าข้าหลุงกังโจคงจะแจ้งมาทางหยุนเชงให้จับเมียและลูกข้าข้าจะทำฉันใดดีส่งเจียงหัวเราะแล้วว่าเฮ้เบาใจสเถิดน้องพี่ เราได้ส่งคนไปรับพวกเขาขึ้นมาหลายวันแล้วฮะขึ้นมาหลายวันแล้วมาก่อนข่ายเกแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้พวกเขาอยู่กันที่ไหนเล่าขอรับท่งเจียงตอบว่า <laughs> พวกเขาพักกันอยู่กับพ่อข้าทำไมไม่ไปดูเสียเองเล่าจูถงให้ยินดียิ่งนักท่งเจียงพาจูถงตรงไปยังคุ้มของข้าบดีท่งผู้เป็นบิดา จูถงได้เห็นหน้าครอบครัวอีกวาระหนึ่งแล้วก็ยังพบได้ว่าทรัพย์สมบัติและข้าวของทั้งสิ้นของตนก็ถูกขนขึ้นภูมาด้วยพันยาเล่าเรื่องให้ฟังว่าวันก่อนนะนะพี่มีคนถือหนังสือไปที่บ้านบอกว่าท่านพี่ขึ้นมาร่วมกับพวกเขาเรียบร้อยแล้วดังนั้นในคืนนั้นพวกเราจรึงจัดเก็บข้าวของแล้วเดินทางตามขึ้นมาจูถงโกศีษะขอบคุณบรรดาในโจรทั้งหลาย ส่งเจี้ยงบอกให้สร้างบ้านอยู่เสียด้วยกันกับเหลยเหง๋งแล้วจัดงานฉลองหัวหน้าใหม่ให้ทั้งสองต่อกันไปอีกหลายวันเรื่องนั้นไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึงอีกนะครับพอตกดึกข้างฝ่ายข้าหลวเมืองกังโจก็รู้ว่าจูถงยังไม่ได้พาลูกของตัวกลับบ้านจึงส่งคนออกติดตามค้นหาพวกเขาพากันค้นอยู่ทั้งคืนพอวันรุ่งขึ้นก็มีคนไปพบศพเด็กอยู่ในป่า แล้วแจ้งเหตุเข้ามาที่สาากลางข้าหลวงตกใจนักรีบไปดูศพที่ชายป่าแห่งนั้นรำให้จนแทบหัวใจจะแหลกสลายจัดเอาศพใส่โลงแล้วนำไปฝังพอรุ่งเช้าก็เรียกประชุมกรรมการจังหวัดส่งไม้จับจูถงออกไปโดยรอบตำบลหยุ่นเชีงรายงานขึ้นมาว่าพัญญากับคนในครอบครัวจูถงไม่ทราบว่าหนีไปที่ใดข้าหลวงก็ตั้งสินบนนาจับจูถงส่งออกไปตามจังหวัดและตำบล ต, ต่าง เรื่องนั้นไม่จำเป็นต้องเล่าอีกนะครับข้างฝ่ายลี่ขุยอาศัยอยู่ในคลังหาด ท, ท่านชายใช้มาได้เดือนกว่าแล้ววันหนึ่งก็มีคนเดินสารถือหนังสือด่วนมาที่คลังหาใช้ยจิ้นเปิดออกอ่านก็ให้ตลึงลานอุทานขึ้นว่าฮะถ้าเช่นนั้นเห็นทีข้าจะต้องไปเองเสียแล้วลี่ขุยถามว่ามีปัญหาอะไรหรือขอรับไตเท้าชายจิ้นตอบว่าก็ข้ามีอาอยู่ท่านหนึ่ง นามว่าใช้หวางเชงอาศัยอยู่ในจังหวัดเกาถังไอสารเล่ยินเถียนสีน้องเมียเกาเหลียนข้าหลวงเมืองเกาถังคิดจะเข้าไปฮุบสวนท่านอาโกรธจัดจนกระทั่งล้มเจ็บอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานท่านคงมีอะไรจะสั่งเสียท่านอาไม่มีบุตรดังนั้นข้าต้องเรียบรุดไปดูใจท่านโดยด่วนเล่ยขุยถามว่าได้ท้าต้องการให้ข้าไปเป็นเพื่อนหรือไม่ลราขอรับใช้จิ้นตอบว่า หากท่านดีนดจจะไปข้าก็จะดีใจยิ่งนักใช้จิ้นจัดข้าวของเลือกม้าดีสิบกว่าตัวแล้วสั่งบ่าวจำนวนหนึ่งให้เตรียมพร้อมพอเช้าวันรุ่งขึ้นตนเองลี่ขุยและขบวนติดตามก็ปีนขึ้นมา้าออกจากคฤหาสน์มุ่งหน้าไปยังเกาถังไม่ถึงวันก็มาลงม้าหน้าคุ้มใช้หวังเชงช้จิ้นทิ้งรี่ขุยกับคนอื่นๆไว้ในห้องโถงด้านนอกตอนเองรีบตรงไปยังเตียงของอา นั่งลงข้างๆแล้วร่ําไห้อาหญิงน้อยที่แต่งกับท่านอาหลังอาสภัยคนแรกเสียก็ก้าวเข้ามานางเอ่ยขึ้นว่าท่านชายเดินทางมาเหนื่อยอย่าได้ซ้ําเติมตัวเองไปอีกเลยชายเจ้นทักทายผู้เป็นอาสภัยคนใหม่อย่างนอบน้อมแล้วสอบถามเรื่องราวว่าเป็นยังไงมายังไงนางตอบว่าไอ้เกาเหลียอนข้าหลวงคนใหม่มันนั่งควบเก้าอี้ผู้บัญชาการทหารที่นี่อีกตําแหน่งหนึ่ง เพราะเป็นญาติกับไอ้จอมพลเก่าที่เมืองหลวงตะวันออกเจ้าค่ะมันจึงคิดจะทำอะไรตามอำเภอใจมันพาหญินเถียนซีน้องเมียมาด้วยทุกคนเรียกมันว่าที่ปรึกษาหญินแม้อายุจะยังน้อยแต่ถ้าว่าถือดีว่ามีค่าหลวงหนุนหลังเที่ยวคมเห็นรังแกผู้คนอย่างหยาบคายไอ้ลูกกับเป่งของมันคนหนึ่งขับข่าวไปบอกมันว่าพวกเรามีสวนหลังบ้านงดงามนักสร้างเป็นศาลาคล่ำบึงน้านดูงามตา วันหนึ่งมันพาไอ้อันธาพานไม่ต่ำกว่ายี่0บสาสิบคนบุกเข้ามาในสวนเที่ยวสำรวจตรวจตราดูแล้วจะไล่พวกเราออกจากบ้านเจ้าค่ะมันบอกว่ามันจะย้ายมาอยู่แทนหวางเชงอาของท่านบอกกับมันว่าครอบครัวเราเป็นราชนิกูลจกกักรพรรดิพระองค์ก่อนทรงมอบป้ายเหล็กให้ตระกูลเราห้ามคนภายนอกคมเหนรังแกเฮกชนไหนเจ้าจึงกล้ามายึดบ้านเราแล้วคิดจะให้เมียให้โลกเราย้ายไปอยู่เสียที่ไหนหรือ ไอ้สารเลวคนนั้นมันไม่ยอมฟังมันยืนกรานใจะให้เราย้ายออกไปท่าเดียวอาท่านถูก บ, บีบบังคับให้ลงไม้ลงมือแต่พวกมันกลับทุบตีอาจนท่านบาดเจ็บล้มหมอนนอนเสื่อมาจนกระทั่งบัดนี้ลุกก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้ท่านดูเอาสินี yeah. ่ฮอาว่านะสวร น, นั้นถึงจะยังดูเหมือนยังอยู่ไกลแต่หลุมฝังสุกนั้นใกล้เสียแต่ประดาแล้วโชคดีเหลือแสนที่ท่านชายเข้ามาดูแลเรื่องนี้ได้ทัน ถึงเรื่องจะเลวร้ายไปกว่านี้เราก็ไม่ใส่ใจอะไรอีกแล้ว <c oughs> ใช่จิ้นจึงว่าอย่าได้วิตกอะไรไปเลยขอรับอาหญิงเราจะไปตามหมอยาดีๆมารักษาท่านหากยังมีเรื่องพิพาดกันอีกข้าจะส่งคนไปกังโจให้ไปนําป้ายเหล็กอาญาสิทธ์มาแสดงต่อหน้าไอหญินผู้นั้นหากเราต้องสู้ความขึ้นไปถึงทางการหรือกระทั่งถึงองค์พระจกกักรพรรดิเองก็ไม่มีอะไรจะต้องไปเกรงกลัวอีก ท่านชายวางเชนอ่าท่านก็พยายามทุกวิดีทางแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลแต่หากเรื่องตกมาถึงมือท่านข้าเชื่อว่าเหตุการณ์คงจะเปลี่ยนไปอะ่ะช้จิ้นนั่งเป็นเพื่อนอาอยู่อีกพักหนึ่งแล้วออกมาเล่าให้ลี่ขุยกับคนอื่นๆฟังถึงเรื่องที่เกิดพิพาทกันขึ้นลี่ขุยผุดลุกขึ้นยืนในทันใดแล้วร้องออกไปว่าเฮ้ยไอ้จันไรนั่นไรซึ่งเหตุผลสิดีก่อนอื่นต้องเอาขวานสับ แล้วค่อยกลับมาเจราจากันใช่จิ้นจึงว่าสงบไว้พี่ลี่ท่านจะไปทำมันโดยที่ยังไม่ทันถูกล่วงเกินก่อนไม่ได้แม้มันจะมีหลังพิงอิงใหญ่แต่ถ้าว่าายเหล็กนั้นย่อมปกป้องคุ้มครองกิติภูมิเราอยู่แล้วหากที่นี่มันยังไม่ฟังเหตุฟังผลพอขึ้นไปถึงเมืองหลวงย่อมต้องมีผู้คนทรงอิทธิพลพอๆกับมันและตัวบทกฎหมายนั้นก็ชัดแจ้งเราพร้อมจะสู้กับมันถึงรงถึงศาล ลีขุยร้องออกมาว่าเฮ้ยคำก็กฎหมายสองคำก็กฎหมายหากทุกคนเชื่อฟังกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะมีแต่สันติสุขข้านั้นชอบตีก่อนแล้วก็ยย้อนกลับมาคุยหากมันคิดจะอุทธรณ์ข้าก็จะสับมันรวมทั้งผู้พิพากษาที่รับเรื่องนั้นเสียให้แล้วเวียกไปพร้อมๆกันเลยเฮ้ยชายเช่นหัวเราะแล้วว่าไม่ไม่แปลกใจเลยว่า เหตุชนไหนท่านจูถงถึงได้อยากสัให้นักอารมณ์ร้อนพอๆกันทั้งคู่เลยเฮ้ย <Hey. S 1> บ้านนี้เมืองนี้อยู่ในเขตพระราชอำนาจนะไม่ใช่ที่มันบนเขาที่คิดจะเอาอะไรก็ได้ตามใจปรารถนานะ่ะฮะพี่ลี่ขุยลี่ขุยร้องขึ้นว่าแล้วไงขอรับที่เจียงโจกับวู๋ไวจุนก็เป็นเมืองในพระราชอานาเขตแล้วไม่ใช่ฆ่าดอกหรือที่ไปฆ่าคนที่นั่นนะ่ะฮะเฮ้ย hey. พูดไปพูดมาชักของขึ้นแล้แล้วๆๆแล้วแล้วแล้วแล้วใช้จิ้นจึงบอกกับลี่ขุยว่าขอให้ข้าดูทางลมซึก่อนเถิดหากเกิดจําเป็นอะไรขึ้นมาข้าจะเป็นฝ่ายขอร้องท่านเองกว่าจะถึงตอนนั้นโปรดเย็นเอาไว้ก่อนในตอนนี้ก็ตอนนั้นนั่นเองนะครับนางทาสีคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามารายงานบอกท่านชายใช้ให้รีบเข้าไปดูอาการอา ใช้จิ้นรีบรุดเข้าไปยืนที่ข้างเตียงอาที่นอนสมอยู่ก็เอ่ยกับหลานชายด้วยน้ำตานองหน้าว่าออหลานอาเจ้าเป็นคนดีมีหลักการเป็นศักเป็นสีแก่ววงตรกูลเสมอมาออวันนี้อาต้องมาตายเพราะความอับอายขายกินาไอหยินเทียนซีในถานะ ที่เราตางร่วมเลือดเนื้อเชื้อไขกันมาเจ้ามีพันธะกับอายอยู่นะจงเขียนดีกาถว า, ายองค์พระจักรพรรดิให้พระองค์จงลงมาสัสางเรื่องนี้แล้วอาจะไปขอขอบใจหลานมาจากโชลทานทั้งข้าวสายในยม โ, มโลก <c oughs> เอาละเจ้าอยู่ทางนี้จงรักษาตัวให้ดี อาจจะขอพูดแค่นี้แล้วนะออเออตายแล้วไมยมันจะตายน้องอาเนาะวิง่งพอกล่าวเสร็จหวางเชิงก็ขาดใจตายใช้จิ้นร่ำให้อย่างขมขืนจนอาสะพ้ายกลัวว่าจะเป็นลมนางพูดว่าเรางับออกระงับใจเอาไว้เจ้าค่ะเรามีงานสบต้องจัดการอีกนะเจ้าค่ะ<อ>ช้จิ้นว่า ป้ายอัยาศิตยังอยู่ที่บ้านข้าไม่ได้เอาติดตัวมาด้วยจะต้องให้คนรีบไปเอามาเดี๋ยวนี้หากจำเป็นข้าก็จะถวายดีกาเข้าเมืองหลวงแต่ท่านอาหาพึ่งจะสิน้นเราต้องจัดการเรื่องโรงศพและการไว้ทุกก่อนเรื่องอื่นๆเอาไว้หารือกันทีหลังขอรับ <c oughs> ช้จิ้นดูแลตกแต่งทั้งด้านในด้านนอกโงศพอย่างเป็นพิธีการตั้งป้ายหน้าศพขึ้นตามความเหมาะสม ทุกคนในครอบครัวพากันแต่งกายไว้ทุกทั้งหนุ่มทั้งแก่ต่างโศกาอะไยต่อผู้จักไปยิ่งนักลี่คุยรอยอยู่ด้านนอกได้ยินเสียงร่ำให้พิริพิไหลก็โกรธใหญ่แต่เท่าที่จะทำได้ก็แค่เอากำปั้นขยี้กับอุ้งมือแต่พอถามบ่าวว่าด้านในเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีผู้ใดให้ความกระจา่างพระได้รับนิมนต์มาสวดศพเวลาผ่านไปสองสามวันนะครับ ยินเฉียนซีก็พาลูกสมุน 20-30 คนขี่ม้าพ่วงพีออกไปนอกเมืองแล้วครับแล้วก็เอะอะมะเทิงสนุกสนานอยู่กับหนังสติกหน้าไม้ไม้สางเป่าลูกดอกไม้ตังดีดนกลูกยางพองลมและเครื่องดนตรีต่างๆแล้วค่อยๆเร่มาทางบ้านใช้หวงังเฉ่งแซงทำทีเป็นกินสลึงแต่เมาบาทพอมาถึงหยินก็ดึงบังเหียนม้าหยุดและตะโกนเรียกคนรับผิดชอบออกมาเจรจากัน ท, ท, ทั้งทที่ยังไว้ทุกขช้จิ้นจึงโผล่หน้าออกมาหยินเอ่ยลงมาจากหลังมาว่าเฮ้ยเจ้าเป็นใครมาออจากทางไหนกันวะนะฮะเฮ้ยอน้อยมีนามว่าช้จิ้นเป็นหลานอาขอรับเมื่อวันก่อนน่ะนะข้าก็สั่งให้พวกเจ้าย้ายออกไปแล้วฉันไหนจึงยังไม่ยอมเชื่อฟังองีกฮะช้จิ้นตอบว่าตอนนั้นนะ่ะท่านอายังป่วยอยู่บนเตียงเราไปรบกวนท่านไม่ได้แล้วเมื่อคืนนี้ ท่านก็นมาจากไปต่อให้ครบกำหนดไว้ทุก49วันแล้วจึงจะมีเวลาย้ายครับยินร้องออกไปว่าเฮ้ยผายลมชัดๆลูกพี่เขาเรียกตดเออกูรู้มึงไม่ต้องมาย้ำเฮ้ยตดชัดๆข้าจะให้เวลาเจ้าแค่สามวันหากตอนนั้นเจ้ายังไม่ย้ายออกข้าจะจับเจ้าใส่คือแล้วให้ชิมรสไม้พรองของข้าดูสักร้อยหนดูซิว่าจะเป็นยังไง ใช้จิ้นจึงพูดออกไปว่าเอ้าท่านจะมากดขี่คมเหงเรายี่ยงนี้ไม่ได้ดอกนะขอรับท่านที่ปรึกษาเราเป็นราชนิกูนสืบทอดกันมามีป้ายอายศิทธิ์คุ้มพานใครๆก็ต้องให้การเคารพยินตะโกนออกไปว่า ee, ถ้าเช่นนั้นก็เอาออกมาให้ดูสักหน่อยเป็นไรฮะอยากจะเห็นนะ่ะมันมีรูปร่างยังไงวะใช้จิ้นจึงว่า เออมันอยู่ที่คฤหาสน์ข้าที่กังโจข้าใช้ให้คนไปเอามาแล้วยิน ท, ทําทีเป็นโกรธแล้วพูดขึ้นว่าโอ้โหไอสสาระเลวผู้นี้กลาก้าโอหกนี่นัถึงมึงจะมีประกาศสิทธิ์เช่นนั้นจริงกูก็หากรัวไม่หรอกเว้ยเฮ้ยพวกเรากระชท่มาให้อ้าไปเลยประดาคนเหล่านั้นขยับจะรุนเข้าใส่ตอนนั้นสลาตันดำรีขุยแอบมองอดรอยแตกของประตูบ้านแล้วก็ได้ยินเรื่องราวทั้งสิ้นจึงผลักประตูออกมา แล้วแค้นคำรามตามมาคำหนึ่งแล้วทลันเข้าใส่ยินกระชากเด็กหนุ่มผู้นั้นลงจากหลังมา้าตายเข้าใส่หมัดหนึ่งมึงตายกู <c oughs> ส่งยินลงไปนอนคลุกฝุ่นบรรดาอันตพานทั้งสามสิบคนก็กรูกันเข้าไปช่วยลี่ขุยส่งลงไปนอนอีกไม่ต่ำกว่าหกคนที่เหลือร้องเสียงหลงแพ่นหนีไปสิน้น ลี่ขุยหันกลับมาดึงหินขึ้นจากพื้นทั้งแตะทั้งต่อยช้จิ้นไม่อาจห้ามได้ไม่ช้าหินก็กลายเป็นศพนุ่มอยู่กลางดินช้จิ้นคลางอยู่ในอกรีบรากรี่ขุยเข้าไปห้องหลังแล้วพูดขึ้นว่าเฮ้ยไม่ช้าพวกเขาต้องส่งคนมาที่นี่แน่แน่ท่านจะรอช้าอยู่ไม่ได้ข้าจะรับหน้าเองแล้วรีบกลับไปบึงเหลียนซานให้ไหวที่สุดไอรีขุยรำพึงว่าข้าน้อยไปได้แต่ใต้เท้านี่สิ จะต้องพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยใช้จิ้นจึงว่าแผ่นป้ายอายาัยสิทธิ์จ่อมจะช่วยคุ้มครองข้าท่านต้องรีบไปเดี๋ยวก็ไม่ทันดอกรีกขุยเก็บขวานศึกเอาเงินเดินทางติดตัวไปด้วยหน่อยหนึ่งรีบหนีออกทางหลังบ้านและตรงดิ่งไปยังป้อมค่ายในทันทีเพียงไม่นานทหารราวสองร้อคนติดหอกดาบไม้พลองก็ยกกาลังมาล้อมคาถาใช้จิ้นออกหน้าไปพบแล้วกล่าวขึ้นว่า ข้าจะตามพวกท่านไปอธิบายเรื่องนี้กับบ้านเมืองเองพวกเขาจับชายจิ้นมัดแล้วค้นหาชายร่างยักษ์ผิวดำผู้ต้องสงสัยก็พบว่าคนผู้นั้นหนีไปซะแลว้วจึงคุมตัวชายจิ้นไปสาราว่าการสั่งให้คุกเขาอยู่กลางห้องโถงฝ่ายข้าหลวงเกาเหลียนพอได้ข่าวว่าน้องเมียถูกฆ่าตายก็ขบเคี้ยวเขี้ยวฟันด้วยความเครียดแค้นนั่งรอให้ทหารไปจับตัวผู้ต้องหามาชายจิ้นถูกคุมตัวมายนไว้ที่หน้าบันลังในห้องโถงใหญ่ เกาเหลียนตะค้อออกไปว่าเห็นฉนันไหนจึงหารกล้ามาฆ่าที่ปรึก ษ, ษาข้าฮะใช่จิ้นตอบว่าข้าเป็นราชนิกูลสืบสายตรงมาจากจากักรพรรดิซื่อจงตระกูลข้าได้รับพระราชทานป้ายเหล็กอายาิยสิทธิ์จากพระเจ้าไทจูจกักรพรรดิสรงพระองค์แรกเป็นเครื่องคุ้มครองตอนนี้ป้ายอยู่ที่กังโจข้าถูกตามตัวมาเยี่ยมใช้หวังเชงท่านอาข่าที่กําลังเจ็บหนักโชคร้ายนักที่ท่านต้องมาจากไป เรากำลังอยู่ในระหว่างไว้ทุกข์ที่ปรึกษาหยินเอาคนมาสามสิบคนบุกเข้าไปในคุ้มจงใจจะไล่เราออกไปไม่ยอมรับฟังคำอธิบายใดๆแถมใช้คนให้เข้าไปรุมทุบตีข่าอีกบบาวของข้าผู้หนึ่งชื่อว่าลี่ใหญ่ออกมาป้องกันเอาไว้แล้วในระหว่างสู้กันนั้นก็ตีเอาจนตาย <9 S 2> เกาเหลียนจึงถามไปว่าแล้วไอ้ลี่ใหญ่นั้นมันอยู่ไหนว ะ, ะใช่จิ้นตอบว่าเออเขาตกใจหนีไปแล้วขอรับ เกาเหลียนจึงว่าไหนเมื่อมันเป็นเบามันจะไปเที่ยวฆ่าใครต่อใครโดยที่เจ้านายไม่สั่งย่อมไม่ได้เจ้าคงจงใจปล่อยให้มันหนีแล้วมาตอนนี้ก็คิดจะมาตบตาพวกข้าอีกไอ้คนสารเลวอย่างเจ้าถ้าไม่ถูกมอยเห็นทีจะไม่ยอมรับสารภาพเป็นแน่ทหารจับมันฟาดใส่หนักๆคนเหล่านั้นฟาดใช้จิ้นจนเนื้อยุ่ยเป็นปุ๋ยนุ่นเลือดสดๆไหลทะลักจากบาดแผลออกมาแดงฉาน ถูกบังคับจนต้องสารภาพว่าข้าสั่งให้ลี่ใหญ่บาวข้าข้าหยินเทียนสีแองข้าหลวงสั่งให้ตอคือหนักยี่สิบห้าช่างใส่คอใช้จินแล้วโยนใส่คุกหลังจากมีการชนะสุดภิกษุหยิหนตามกรรมวิธีแล้วก็เอาใส่โงไปฝังเราจะไม่เล่าเรื่องนั้นให้ยาวความไปอีกนะครับ ข้างฝ่ายพี่สาวหยินต้องการแก้แค้นจึงบอกให้ข้าหลวงผู้เป็นสามีให้ยึดทรัพย์สมบัติของใช้หวางเชงจับ ก, กุมคุมขังสมาชิกครอบครัวที่เหลือแล้วเขไปยึดคุมบ้านทั้งเรือนชานบ้านสวนมาเป็นของตัวปล่อยใช้จิ้นเอาไว้ในคุกข้างฝ่ายลี่ขุยรีบเร่งเดินทางกลับไปถึงเบื้องเหลียงซานในวันนั้นพอขึ้นไปบนเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้บรรดาหัวหน้าใหญ่ทราบ ฝ่ายจูถงพอเห็นหน้าลี่ขุยก็เดือดดาลขึ้นมาอีกถืองาส์ทะหลันเข้าฟันสลักตันดำก็งัดขวานขึ้นรับทั้งสองรบกันอยู่พักหนึ่งเจ้าไก่ส่งเจียงกับคนอื่นๆพากันเข้าไปแยกส่งเจียงรีบเข้าไปขอขอมาจูถงลี่ขุยนั้นไม่เคยคิดค่าบุรน้อยของข้าหลวงดอกแต่พอได้ยินว่าท่านไม่ยอมขึ้นเขามาร่วมกับเราท่านที่ปรึกษาทัพปูยง จึงได้คิดเรื่องนี้ขึ้นตอนนี้ท่านก็มาอยู่นี่แล้วหรือ ม, มันเสจเถิดขอให้พวกเรามาร่วมจิตร่วมใจซื่อตรงจงรักภักดีต่อ ก, กันและกันในหมู่พี่น้องอย่าให้คนภายนอกได้เยอะหยันใหญ่พัยให้เป็นที่อับอายกันไปเลยขอรับซ่องเจีิยงหันไปทางลี่ขุยแล้วพูดว่าเรียนท่านสุภาพบุรุษเขางามเสียซิ่ว่าเจ้าขอขมาลี่ขุยถลึงตาแล้วพูดว่า โอ้ทำอย่างนี้ช่างดีเหลือใจอะไรจะปานนั้นใช้ค่าทำอะไรให้ต้องมากต้องหมายกายกองแต่ดูมันไม่เคยทำอะไรให้สักอย่างแล้วทำไมต้องาบับังคับข้าให้เป็นฝ่ายขอเข้ามาด้วยเล่าเฮ้ยไม่รุ้ใจทำนั้นเนี่ยเอาหนะ้าแม้มันจะเป็นคำสั่งของท่านที่ปรึกษาทัพแต่ก็เป็นตัวเจ้าเองที่ลงมือฆ่าเอาชีวิตบรน้อยของข้าหลวงเขาคันเหดูจากอายุท่านจู๋ถงก็เป็นพี่เจ้าหลายปี โคกศีรษะให้เขานึกเสียว่าทำเพื่อค่าแล้วข่าก็จะเขาเต่าคืนเจ้าไปให้เรื่องมาแล้วแล้วไปเถิดเรียกขุยจะให้ปฏิเสธกระไรได้จึงกล่าวกับจูถ๋ถงว่าเฮ้ยใช่ว่าข้าจะกลัวท่านก็าหาไม่นะแต่เป็นเพราะท่านพีดทรงเจียงสัง่ง ข, ข้าคัดไม่ได้ข้าขอขมาเฮ้ยว่าแล้วก็โยนขวานทิ้งคุกเข่าลงโขกศีรษะสองครั้ง ก็เมื่อนันั้นเองนะครับจูถงก็ให้รู้สึกดีขึ้นมาบ้างเจ้าไก่สั่งให้แต่งโต๊ะขึ้นเลี้ยงดูสมานไมตรีซึ่งกันและกันรีบขุยเท้าขวามว่าเพราะใช้หว <ut> ังเชงอาท่านชายใช้ล้มป่วยท่านชายจึงต้องลงมาเกาถังหยินเทียนซีน้องเมียข้าหลวงต้องการยึดคุมบ้านของท่านหวังเชงแต่ลามปามาทุกตีท่านชายใ ช, ช้จิ้นข้าเลยกระทึบมันจนกระทั่งตาย ส่งเจียงอุทานออกมาด้วยอารามตกใจว่าเฮ้ยเจ้าหนีมาเช่นนี้พวกมันต้องจัดการกับท่านชายใช้เป็นแม่นมันวูยงเอ่ยขึ้นวา่าสงหบสงหกสงบใจเอาไว้ท่านพี่เพราะท่านใต้จงกลับมาเราคงจะได้รู้อะไรเป็นอะไรมากขึ้นเี่คุยถามว่าท่านพี่ผู้เหนือการใหญ่ไปไหนหรือขอรับอูยงตอบวา่าข้าคิดว่า การที่เจ้าไปติดสอยให้ตามกับท่านชายใช้เช่นนั้นเจ้าก็คงต้องก่อเรื่องขึ้นเป็นแน่จึงหวานท่านใต้จงลองขอไปรับตัวเจ้ากลับมาหากเขารู้ว่าเจ้าไม่อยู่ก็ค ง, งต้องตามไปที่เก่าถังเป็นแน่ก่อนคําพูดจะสุดปากนั้นแม่มองผู้หนึ่งก็ก้าวเข้ามารายงานว่ารายงานท่านผู้น้การใหญ่ใต้กลับมาแล้วขอรับใช้กูทั้งปีเลยกูก็แหกห้ากร้องทั้งคนอยูเนี้ย แ, แส่งเจียงรีบออกไปรับผดใต้เข้ามาถึงห้องโถงและนั่งลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งเจียงก็รีบถามไทข่าวคราวของท่านชายใชย้ใต้จงสาธะใหญ่ว่าพอข้าไปถึงกระหัต ท, ท่านจึงได้รู้ว่าท่านพาลี่ขุยไปเกาถังข้าออกไล่ตามไปแต่เมืองทั้งเมืองก็เล่าหินอลหมานไปสิน้นผู้คนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหญิงเถียนซี คิดจะยึดคุมบ้านของท่าน ช, ชายใช้หวังเชงไม่ถูกไอด้ดำใหญ่ฆ่าตายท่านชายใช้รู้เห็นเป็นใจแล้ถูกจับเข้าคุกสัพสมบัติของครอบครัวใช้หวังเชงถูกยึดไม่มีหลักประกันว่าคขจะไว้ชีวิตท่านชายใช้เจ้าไก่ร้องขึ้นว่าโอ้โหไอาจาันไรลอมบ้าหมูนี้ทำระยำอีกแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนเป็นพัดจนปวนเป็นสิงครีไปเสียทุกที่เลยเฮ้ย hey! กูว่าแล้วไม่มีผิดเลย เรียกขุยเทียงขึ้นว่าท่านชายหวางเชงถูกไอ้หญินตีเอาจนแขนใจตายพราะไอ้หยินตามมาทวงปราศาสตรก็ยังบังอาจสั่งให้คนไปทุบตีท่านชายใช้อีกต่อให้มันเป็นพระพุทธรูปมาผุดมาเกิดข้าก็จะไม่ปล่อยให้ร้อยนวนอยู่อย่างนั้นเฮ้ย <Hey! S 1> เจ้าไก่จึงเอ่ยขึ้นว่าท่านชายใ ช, ใช้อุปถัมภ์ขันจุนป้อมค่ายของเราเสมอมาตอนนี้ท่านเป็นอันตรายเราต้องรีบรุดไปช่วยชีวิตท่าน ข้าจะลงเขาไปด้วยตนเองซ่งเจียงจึงขัดขึ้นว่าท่านพี่ตัวท่านเป็นใหญ่ที่สุดในค่ายนี้นะขอรับจะทำอะไรไม่สมควรเคลื่อนไหวให้วู่วามส่วนตัวข้านี้เป็นนี่พระเดชพระคุณท่านชายใหญ่หลวงนักขอให้ข้าได้ลงเขาไปในน้ำท่านพี่โดยเถิด เจ้าไก่จึงเอ่ยขึ้นว่าท่านชายใช้อุปถัมภ์ขันจุนต้อมค่ายของเราเสมอมาตอนนี้ท่านเป็นอันตรายเราต้องรีบรุดไปช่วยชีวิตท่านข้าจะลงเขาไปด้วยตนเองส่งเจียงจึงขัดขึ้นว่าท่านพี่ตัวท่านเป็นใหญ่ที่สุดในค่ายนี้นะขอรับจะทําอะไรไม่สมควรเคลื่อนไหวให้วู่วามส่วนตัวข้านี้เป็นนี่พระเดชพระคุณท่านชายใหญ่หลวงนะขอให้ข้าได้ลงเขาไปในน้ําท่านพี่ด้วยเถิด พยงเอ่ยขึ้นว่าแม้เกาถังจะเป็นเพียงจังหวัดเล็กๆแต่ผู้คนกลับแน่นหนากองทัพที่นั่นก็มีขนาดใหญ่บเสบียงกลางข้าวปลาอาหารก็ล้วนมากมายจะดูเป่ามันไม่ได้ไปนันขาดข้าขอเสนอให้หัวหน้าใหญ่สิบสองคนคุมพลเป็นกองทัพหน้าห้าพันและให้หัวหน้าใหญ่อีกสิบคนคุ้มพลกองหนุนคอยประกบตามไปสัมทบอีกสามพันทัพหน้านั้นให้ประกอบด้วยหลิ้นชงหัวหงชิ้นหมิง ลี่จุนลู่ฟางกเซงิงชุนลี่โอเปงหยางหลินเติงเฟยมาหลินและไบเชงทับหลังมีซ่งเจียงหูหยงจูถงเหลยเหิงไต่จงลี่ขุยจางเหงจางซุนหยางซวงและชื่อซิ่วนายโจนทั้งยี่สิบสองคำนับอำลาเจ้าไก่กับนายโจนคนอื่นๆที่อยู่เฝ้าค่ายแล้วลงเขามุ่งหน้าสู่เกาถังในทันทีในตอนที่กองทัพหน้า เคลื่อนไปถึงเขตจังหวัดเกาถังบรรดาแมวมองก็รีบไปไรายงานเกาเหลียนล่วงหน้าแล้วเฮ้ยกูเองใครจะออกไปล้างไอ้ชงจอนโส โ, โครกที่บึงเหลี่ยงซานนั้นมานาน น, านักหนาแล้วเกาเหลียนเสยะยิ้มอย่างเย้ยหยันแล้วตอนนี้มันก็เสนอหน้ามาให้จัดถึงที่โอ้ oh, สวรรค์ช่างเป็นใจเสียนี่กระไรว่าพรางก็มีบัญชาลงไปยังบรรดาไพรพลส่งผ่านคําสั่งฆ่าลงไป ระดมกาลังทหารของเราทั้งหมดอย่าได้ชักช้ายกออกไปยังข่าศึกเอาไว้นอกเมืองส่วนด้านไหนปล่อยให้พละเมืองดูแลเชิงทนกันเองด้วยว่าเก่านั้นยามนั่งบนหลังม้าก็เป็นแม่ทัพพ่อลงมากํากับบนพื้นก็ยืนเป็นข้าหลวงดังนั้นทันทีที่มีคําสั่งบรรดาแม่ทัพในกองตั้งแต่ขุนพลไล่งลงมาจนถึงหมูจ่จ่าก็ให้สะพึบสะครัง่ง รัดมสรพระกำลังทั้งหลายทั้งปวงมาเข้าแถวให้ตรวจพลแล้วญาตตราออกไปนอกเมืองข้าหลวงเกาเหลียนนั้นมีกองทัพส่วนตัวชั้นยอดอีกสามร้อคนมีชื่อว่าเทพพลเหินพระดาคนเหล่านั้นถูกคัดสรรมาจากซานตุงเผลอเปยเจียงซีหูหนานทั้งเหนือและใต้แม่น้ํำหวายทั้งออกและตกแม่น้ําเจ้าเจียงกองทัพฝ่ายเกาถังก็กูตะกนบกธงทิวปิวสบัตซัดเกราะเคาะกลอง รอท่าค่าสึกกันอย่างคึกคักข้างฝ่ายทับโจรทั้งห0 0พันภายใต้บัญชาการของหลินชงหัวหรงและฉินหมิงพอมาถึงก็ตั้งยันกันทั้งสองฝ่ายของกลองย่ำรัวทงทิวปิ้วสวัยเห็นกันท่วนทั่วเด่นตาทับทั้งสองเว้นระยะห่างกันชั่วคันธนูดีดแตรเดียวส่งสัญญาณแปรแปร้นของกลองก็รัวสะบั้นกันคึกโครมหัวหงฉินหมิง กับนจนอีกสิบนาย<อ>ชักม้าออกมาหยุดอยู่แถวหน้าสุดลินชงควงหอกอสารพิษกระต้นม้าสะอึกออกไปข้างหน้าแล้วตะโกนออกไปว่าเฮ้ย ไ, ไอคนแสกเกาไอขี้กองรีบ อ, อกมาไว้ๆจะได้ชักชา้าเ<อ>กาเหลียนชักม้าขึ้นหน้ามาหยุดที่ขอบชายธงพร้อมแม่ทัพนกองสาสิบคนพลางชี้ไปที่หลิ้นชงแล้วตะโกนออกไปว่าไอพวกสองจน ไอ้คนก่อกบฏสมควรตายเอ้ยอดียังไงถึงได้คิดยกทัพมาตีเมืองกูนะฮะเฮลิ้นชงด่าต่อไปว่ามึงไอ้สันดานคนมึงไอ้กดขี่ประชาราชนคงมีสักวันหนึ่งกูจะไปเมืองหลวงตะวันออกบทขยี้ไอ้เกากิวญาติภูบัทชบของมึงไอ้เสนาบดีขี้ช่อที่คอยสอพร้อลอกใต่องค์พระจกกักรพรรดิหากไม่สำเร็จผลกูก็คงอยู่เป็นพวกเป็นคนได้ไม่สงบเฮ้ เกาเหรียญโกรธเกลียลเวเกลียวหน้ามาทางแม่ทัพนกองแล้วตะโกนถามออกไปว่าเอ้าผู้ใดจะออกไปจับไอ้จอนถอยผู้นั้นบ้างในหมู่ทหารเหล่านั้นในกองผู้หนึ่งมีนามว่ายู่จ<อ>ื้อชักม้าออกมากวัดแกร่งดาบกระต้นม้าเข้าหาลิ้นชงก็ควบม้าสวนเข้าใส่พันตูกันได้ไม่ทันถึงห้าเพลงลิ้ชงก็เสือกหอกเหล็กกล้าหัวอสรพิษทะลุอก ในายทหารผู้นั้นก็ตกม้าหัวขมำหน้าลงสู่พื้นเก้าเห็นก็ตกตะลึงแล้วตะกนถามอีกว่าเฮ้ยผู้ใดจะไปถอนแค้นหวนหวนเป้าในกองอีกผู้หนึ่งถืงหอหอกยาวขี่ม้าสีน้ำตาลปลอดตลอดตัวติดกระพวนทองเป็นหงอนที่หัวก้อนยกที่ร้อยให้สายบางเหียนกระทบกันดังกรุง้งกริง้ง วนกระต้นม้าโผลก็หาหลินชงโดยไม่ชักช้ากีบเท้าตะกุยปุ่นขึ้นฟ้าเห็นเป็นสายชินหมิงร้องขึ้นว่าพันพี่ขอรับพักสักครู่เถิดคอยดูข้าฟาดมันให้ดินลินชงรังม้าผ่อนปลายหอกเหล็กลงระดินชินหมิงควบขึ้นหน้าทั้งสองรบกันไปได้สักสิบเพลงชินหมิงแทกเปิดช่องโว หวนโถมแทงแต่พลาดชิ้นหมิงก็วาดตะบองใส่จับเปาะเข้าที่กระโรก ข, ของนายกองผู้นั้น <Hey. S 1> หวนม้วนตัวลงไปซบกีบมา้าม้านั้นก็ตกใจพกกลับไปหาแนวรบของฝ่ายตัวทับทั้งสองโหร้องขึ้นสุดเสียงข้างฝ่ายเกาเหลียนหลังเสียนายกองฝ่ายตนไปสองคนก็ดึงกระบี่ลายมังกรออกจากฝากักทำปากขมุกขมิบบริกรรมคาถาและตะโกนออกไปว่าไป hey. จากกึ่งกองทัพฝ่ายเกาถังหมอกควันสีดําก็พุ่งขึ้นบัดเดี๋ยวหนึ่งก็บังมิดไปครึ่งฟ้าพัดอักรวดหินดินทรายปลิวคลุ้งภูเขาโยกพื้นโลกแย่สวรรค์ถล่มทลายพายุประหลาดลูกนั้นก็ถมเข้าใส่แนวรบของฝ่ายโจหลินชงชิ้นหิงหัวหงและนายโจรคนอื่นๆมองอะไรไม่เห็นม้าตกใจครวนครางบีดร้องก้องตะเลึงบรรดาไพร่ผลก็หันหลังกลับเปิดหนีเก้าวเลี้ยนได้ทีชูกระบี่ขึ้นโบก บรรดาเทพพลเหินทั้ง300ก็ตามตีกองทัพทั้ง 5,000 ันนั้นไปติดๆทัพลินชงแตกค่ายไม่เป็นสัมพร่ำควรเป็นที่น่าเวทนาในห้0 0ันั้นถูกฆ่าฟันไปถึงห น, นึ่งในห้าถอยหนีไปได้กว่า50าิลี้กว่าจะลงค่ายได้ในที่สุดฝ่ายเกาเหลียนนั้นพอการตามตีสิ้นสุดลงก็เลิกทัพกลับเข้าเมืองพอทัพหนุนฝ่ายซ่งเจียงเดินทางมาถึงค่ายลินชงกับคนอื่นๆก็รายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซ่องเจียงกับบูยงได้ฟังก็ตกใจลหละครับทั้งสองอุทานขึ้นว่าเฮ้ยเวทมนต์อะไรวะเนี่ยถึงได้คำหมังนักบูยงทึกทักว่าบางทีอาจจะเป็นเวทมนต์ปีศาจหากว่าเรารู้วิธีไล่พายุลูกนั้นให้พัดกลับไปใส่แนวข้าศึกเราก็จะสามารถปราบมันได้ซ่องเจียงเปิดตำราสวรรค์ออกดูก็เห็นสูตรที่พอจะแก้ไขได้ในเล่มที่สาม จึงรีบท่องมวลบทนั้นให้ขึ้นใจแล้วจัดทัพใหม่พอถึงยามหา้าลุกขึ้นมากินข้าวเช้าโบกธงย่ากลองแล้วเคลื่อนทัพเข้าประชิดเมืองอย่างรวดเร็วเกาเหลียนพอได้รับรายงานก็ระดมกองทัพของตนกับเทพพลเหินทั้ง300รอเปิดประตูกำแพงรอยสะพานยกพลข้ามคูออกไปตั้งแถวรอรับส่งเจี้ยงถือดาบควบมาขึ้นมาที่หน้าแถวเห็นธงดําเป็นหมู่โบกสะบัดอยู่รอบๆตัวเกาเหลียนวูหยงกระซิบว่า ท่านพี่ทหารพวกนั้นนั่นแหละที่เรียกขานกันว่าทหารกลสงสัยว่ามันคงจะไร่มวลอีกขนไปนแน่แล้วท่านจะแก้มือมันอย่างไรหรือขอรับท่งเจียงตอบว่าเอาเนาะอย่าได้วิตกไปเลยข้าเตรียมทางแก้เอาไว้แล้วท่านทั้งหลายจงอย่าได้สงสัยหรือระแวงแครงใจไปเลยให้จดจ่อยอยู่ก็แต่รุกไล่ศัตรูที่แตกพ่ายไปเท่านั้นก็เป็นพอฝ่ายเกาเหลียน ก็บอกบรรดาแม่ทัพในกองของตนว่าพวกเจ้าพยายามเลี่ยงอย่าออกรบรอให้ข้าเอากระบี่เคาะกับโลดสัญญาณก็ให้ครูกันเข้าจับตัวไอ้สมเจียงมัดเอาไว้ให้แน่นนะข้าจะตกรางวัลให้พวกเจ้าเองเก้าเหลียนให้โลดสัมร็จจําำหลักลายเป็นตัวอักษรหงกับมังกรไว้ท <c oughs> ี่ปุ่มหน้าอ่านถือกระบี่กระตุ้นม้าออกไปข้างหน้าฮองทับฝ่ายตรงข้ามกูร้องตวาดใส่ ส่งเจียงยกมือขึ้นชี้หน้าร้องด่าออกไปว่าเฮ้ยคืนก่อนกูยังมาไม่ถึงจึงทำให้พี่น้องเสียหายไปบางส่วนวันนี้กูจะล้างมให้สิ้นเฮ้ยเกาตะโกนตอไปว่าให้จอดกบฏรีบลงม้ามาให้มันเสร็จโอยไวอย่าได้ลำบากให้เลือดเปื้อนมือเปื้อนตีเลยเฮ้ยเกาชูกระบี่ขึ้นแกว่งเหนือหัวทำปากขมุบขมิบและตะโกนออกไปว่า กลุ่มควันดำมืดก็กลุ่มขึ้นลมพายุประหลาดก็อตัวจากใจกลางทัพเกาเหลียนกันโชคเขาใส่ส่งเจี่ยงกับแนวทหารก่อนจะทันถึงส่งเจี่ยงก็งึงงำทำปากขมุกขมิบท่องคาถาวาดนิ้วมือซ้ายคล้ายจะเขียนคาถาในอากาศมือขวาก็เสือกกระบี่ชี้ออกไปเบื้องหน้าแล้วตะโกนก้องว่าเ้ย พายุกับพัดย้อนกลับไปยังแถวที่ตั้งของเกาเหลียนส่งเจี้ยนเตรียมสั่งคนของตนให้บุกเการีบยกโล่สำริดขึ้นเอากระบี่เคาให้สัญญาณเทพพลเหินรีบเร้นหายเข้าไปในกลุ่มเมฆสีดำที่หอบเอากลวดซ้ายขึ้นมาบรรดาสัตว์ประหลาดและอสารพิษนานาชนิดก็โผล่ออกมาจากกองทัพของเกาเหลียนพุ่งเข้าหาฆ่าศึก ส่งเจียงกับไพรพลตกใจทิ้งดาบทิ้งโลกส่งเจียงชักปังเหยียนดึงหัวม้ากลับเพ่นหนีไปโดยไว้พวกในโจรวิ่งตามเอาชีวิตรอดส่วนลูกสมุนก็แผ่นแนบตัวใครตัวมันเก้าเหลียงชูดาบขึ้นเหนือหัวบรรดาแทพพลเหยื่ที่อยู่หน้าก็ไล่ตามตีทับที่แตกหนีนั้นไปกองทัพฝ่ายเกา่าถังไล่ฆ่าฟันทัพโจรไปจนย่อยยับเก้าเหลียงไล่ตามตีไปกว่า20่ลี้แล้วสั่งรั่วกรองระดมพลยกกลับเข้าเมือง ส่งเจี้ยนหนีไปจนถึงเนินแห่งหนึ่งจึงสั่งให้ไพร่ผลตั้งค่ายจากการสำรวจแม้ไพร่ผลจะพากันล้มตายไปเป็นจำนวนมากแต่ทว่าในจนทุกคนรอดมาได้พอกองทัพลงหลักปักฐานเรียบร้อยส่งเจียงก็หารือกับที่ปรึกษาทัพกูหยงส่งเจี้ยงพูดขึ้นว่าในการเข้าตีเกาถังในครั้งนี้เราแพ้มาถึงสองหนดูเหมือนว่าเราไม่อาจจะเอาชนะไอกองพลเหินของมันได้แล้วเราจะทำอย่างไรดี ผูหยงบอกว่าเมื่อไอสะลรเลวผู้นั้นสามารถใช้เวทมนต์คืนฮิมันคงจะยกกำลังมาปล้นค่ายเราเป็นแม่นมันเราต้องวางแผนรับมือให้ดีเราทิ้งหน่วยหนึ่งเอาไว้ที่นี่แล้วที่เหลือก็ยกทัพกลับไปยังค่ายเดิมของเราส่งเจียงออกคำสั่งให้หยางหลินกับปเชงคุ้มคนหมู่หนึ่งรังทัพอยู่ที่ค่ายใหม่ส่วนไพรพลที่เหลือยกกลับไปพักที่ค่ายเก่าหยางกับปก็พาคนของตน ย้ายออกจากค่ายไปซุ่มอยู่ในพงหญ้าหลังเนินห่างออกไปราวครึ่งลี้พะตกยามต้นพายุก็เริ่มพัดกล้าฟ้าก็คำรามอยู่คลื่นคืนมองออกไปจากที่ซุ่มยางกลับไปและคนอีก300้อก็เห็นเกาเหลียนเดินเท้านำหน้าทหารเทพพลเหินทั้ง300อยเป่าปากทำเสียงหอนแล้วบุกทะลวงเข้าไปในค่ายอย่างประสงร้ายแต่พอเห็นค่ายว่างเปล่า ก็รีบหันหลังกลับจะถอยย่างกลับไปตะวาดออกไปคำหนึ่งเฮ้ยเก้ากับทหารเทพพลเหินกลัวจะติดกลับก็พากันแตกหนีออกมาพวกโจรสาดลูกธนูเข้าใส่แบบไม่เลือกระลอกแล้วระลอกเล่าลูกธนูดอกหนึ่งปักไหล้ายเกาเหลียน บรรดาพลโจรก็กระจายแถวออกไล่ติดตามเข้าไปในสายฝนตอนนั้นเกาเหลียนกับเหล่าเทพพลเหินส่วนใหญ่หนีไปไกลแล้วเนื่องจากยางกับไปมีกำลังพลอย่างจำกัดจึงไม่กล้าตามหรือเข้าไปในเขตศัตรูฉับพลันนั้นเองฝนที่ตกลงมาสู้สู้จู่จูก็หยุดตกไปเียเฉยเมฆหมอกหายไปดวงดาวบนท้องฟ้ากลับมาเปล่งประกายระยิบระยับดังเดิมแสงจันทร์อาบฉลมลงมา พวกโจรรวบรวมเหล่าเทพพลเหินที่บาดเจ็บด้วยคมธนูแล้วถูกปล่อยทิ้งเอาไว้บนเนินได้ราวยี่สิบคนจึงคุมตัวกลับไปยังค่ายทรงเจียงแล้วเล่าเรื่องราวพายุและเมฆประหลาดให้ฟังทรงเจียงกับบูหยงฟังด้วยความสนเทศจดนั้นห่างจากที่นี่ออกไปเพียงห้าลิแต่ที่นี่กลับไม่มีทั้งลมทั้งฝนบรรดาคนทั้งหลายก็โจดจันกันไปต่างๆนานาและเห็นตรงกันว่า นี่มันใช้เวทมนต์กันเห็นเห็นฝนตกแค่จุดเล็กๆแถมสูงแค่สองสามร้อยซอกเมฆหมอกเหล่านั้นต้องไปพาน้ำขึ้นมาจากหนองบึงใกล้ๆเป็นแน่หยางหลินเล่าต่อไปว่าเก้าเหรียญมันบุกเข้ามาในค่ายเราถือกระบี่ปล่อยผมเผ้ายาวรุงรังข้ายิงธนูใส่มันจนบาดเจ็บหนีเข้าไปในเมืองแต่ที่ไม่ได้ตามไล่เพราะคนไม่พอ ส่งเจียงปูนบำเน็จหยางหลินและป่เชงสั่งให้นำเฉลยที่บาดเจ็บไปประหารแล้วตั้งกองระวังเหตุไวร้รอบๆค่ายเจ็ดแปดแห่งเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกแอบเข้ามาปล้นค่ายได้อีกแล้วส่งคนกลับไปเอากำลังเสริมจากป้อมมาเพิ่มเกาเหรียญกลับไปเรียแผลในเมืองร่างกำชับทหารว่า <S <S ให้คอยรับมืออยู่ในเมืองมันรตระเวนเตรียมพร้อมอย่าให้ขาดแต่อย่าได้ อ, อกรบ ราให้ข้าฟื้นตัวสักก่อนเฮ้ยเรายังมีเวลาจับไอ้ส่งเจียงอีกถมไปฝ่ายส่งเจียงหลังจากปราชัยในครั้งนั้นก็เต็มไปได้วยความกลัดกลุ้มกล่าวกับปู่หยงว่าดูเหมือนว่าเราจะทําอะไรไอ้เกาเหลียนไม่ได้ไอไปก็แตะไม่ถึงมาดว่ามันเกิดไปได้กําลังเสริมมาจากที่อื่นและเป็นฝ่ายโจมตีเราบ้างเราจะทานมันไหวหรืหรือปู่หยงจึงเอ่ยขึ้นว่า ไม่ทองเดียวที่เราจะล้างอาถรรพ์ของมันลงได้แล้วยื่นหน้าไปกระซิบใส่หูซ่งเจียงว่าถ้าเราไม่ได้ตัวเขาเราก็ไม่อาจช่วยชีวิตท่านชายใช้ตีเมืองได้ไม่แตกจริงดังว่าอันจะขจัดปัดเป่าเมฆหมอกที่ร้ายออกจากคุณใส่จะต้องใช้คนเจนพบจบสวรรค์แล้วจะไปหาได้ที่ไหนกันวูหยงกระซิบถึงใครใส่หูซ่งเจียง ฟังบทต่อไปหากว่าอยากรู้ฝ่ายส่งเจียงหลังจากปราชัยในครั้งนั้นก็เต็มไปได้วยความกลัดกลุ้มกล่าวกับผูหยงว่าดูเหมือนว่าเราจะทำอะไรไอ้เกาเหลียนไม่ได้ไอไปก็แตะไม่ถึงมาดว่า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 ผู้หญงกระสิบสรงเจียงว่าเราจะทำลายเวทมนต์ของไอ้เกาเหลียนเราต้องส่งคนออกไปตามหาท่านกงซุนเชงมาให้ได้เดี๋ยวนี้ขอรับส่งเจียงเอ่ยขึ้นว่าคราวที่แล้วท่านไต่จงก็ไปมา ห, หนึ่งแล้วนะขอรับเสียเวล่ำเวลาไปซะก็หลายวันจะออกดอกออกผลอันใดหรือก็อไม่แล้วมาตอนนี้จะให้ไปตามหาที่ไหนได้อีกหรือขอรับจังหวัดฉีเจ้านั้นเขต ป, ปกครองออกกว้างขวางใหญ่โตครอบคลุมไปทั่ว ทั้งยังไม่ได้ไปสอบถามก็ให้หลายหัวเมืองหลายตำบลหลายหมู่บ้านนักในเมื่อท่านกองซุนท่านเป็นนักพรตข้าคิดว่าท่านคงจะไปบําเพ็ญตะบะอยู่ตามเทือกเขาที่มีชื่อทั้งหลายอันเป็นหลือเป็นถ้ำเป็นสถานที่ปลีกวิเวกของบรรดาเหล่านักพรตเตาคราวนี้เราต้องบอกให้ท่านใต้จงเปลี่ยนไปสืบหาตามเทือกเขาต่างๆในเขตฉีโจข้าเชื่อว่าไปเที่ยวนี้ต้องเจอแน่แน่ซ่งเจียงเรียกใต้จงเข้ามาหา แล้วแจกแจงเรื่องดังกล่าวให้ละเอียดว่าต้องการอะไรไตจงเอ่ยขึ้นว่าข้าจะไปก็ได้ขอรับแต่ถ้าจะให้ดีนะขอรับอยากมีอีกสักคนตามไปเป็นเพื่อนนะ่ะบูยงถามว่าก็ไหนเมื่อท่านใช้เวทมนต์ผู้ใดจะไปไล่ตามท่านไตจงบอกว่าก็ข้าจะเอายันผูกขาให้เขาคนผู้นั้นก็จะไปเร็วเท่ากันละขอรับลี่ขุยร้องขึ้นว่า เฮ้ยข้าไปเป็นเพื่อนก็นแล้วกันนะขอรับใต้จงว่าหากเจ้าอยากตามเข้าไปจริงๆแล้วก็ระหว่างทางจะต้องกินมังสวิรัตแล้วเชื่อฟังคําสั่งทุกถ้อยกระทงความลี่ขุยว่าไอเรื่องนั้นนะ่ะไม่มีปัญหาดอกข้าก็ทําไปทุกอย่างตามที่ท่านบอกก็สิ้นเรื่องเฮ้ยแล้วบุหยงก็กําชับว่าดูแลตัวเองให้ดีแล้วอย่าไปเที่ยวก่อเรื่องหากพบท่านกองศุลแล้วให้รีบกลับมาไวๆ้ๆลี่ขุยพูดว่า ก็เป็นเพราะข่ายเองดอกที่ข้าไอ้ยินเถียนสีจนท่านชายต้องถูกจับไม่เห็นบ้างหรือไรว่าข้าก็อยากจะช่วยข้าไม่เที่ยวไปสร้างเรื่องดอกคณะผู้ติดตามทั้งสองเอาอาวุธซ่อนไว้กับตัวใช้ห่อผ้าผูกเข้ากับสะเอวกล่าวอำลาส่งเจี้ยงและคนอื่นๆ อ, ออกจากเกาถังมุ่งหน้าไปยังฉีโจพอเดินไปได้สักสามสิบลี้สลาตันดำก็หยุดแล้วพูดว่า เ้ hey, ท่านพี่เราหาเหล้ากินสักชามแล้วก็ไปต่อเถิดขอรับไตจงตอบว่าต <Hey, S 2> อนเดินทางด้วยเวทมนต์เจ้าจะดื่มก็ได้แต่ต้องกินเฉพาะกับอาหารเจรเท่านั้นนะลี่ขุยหัวเราะย่างงุนยิดในหัวใจแล้วพูดว่า <laughs> อุ้ยเนื้อสักเล็กสักน้อยสักนิดสักหน่อยก็จะถึงกับเป็นอะไรไปนักนะไ <Hey. S 2> ตจงพูดว่า เป็นซะอย่างเนี้ยเอา้าตอนนี้ก็เย็นแล้วหาโรงเตียมพักแรมกันก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยไปต่อทั้งสองเดินต่อไปอีกสาสิลี้จึงพบโรงเตียมเวลานั้นมืดค่ำพอดีพวกเขากอไฟหุงข้าวแล้วซื้อเหล้ามาหน่อยหนึ่งรี่ขุยถือชามสองใบเข้ามาร่วมกินกับใต้จงใบหนึ่งเป็นผัดผักอีกใบหนึ่งใส่ต้มฟักใตจงซักขึ้นว่าเอา้ารี่ขุยทาไมเจ้าไม่กินอะไรเลยล่ะฮะรี่ขุยตอบว่า ข้าไม่นึกอยากขอรับใต้จงได้ฟังก็รู้เชิงไอ้บัตรซบนี่ต้องหลอกกูแน่ๆมันต้องไปแอบกินเนื้อรับหลังเรานึกแล้วก็ทําเฉยเสียพ่อตัวเองกินเจของตัวเสร็จก็เดินเข้าไปข้างในเ ง, เงียบๆทิ้งลี่ขุยให้นั่งอยู่แต่เพียงผู้เดียวตามลําพังพอคล้อยหลังลี่ขุยก็รีบเอาเนื้อขึ้นมาสว่าปามไปชามใหญ่ตามด้วยเหล้าอีกสองธนาไนต้จงคิดในใจว่ากูว่าแล้ว แต่กูจะยังไม่พูดอะไรให้เป็นที่กระโตกกระตากเอาไว้จัดการมันวันพรุ่งนี้ดีกว่าว่าแล้วก็เข้าห้องของตนไปพักผ่อนรี่ขุยพอกินเหล้ากินเนื้อของตัวเองจนหมดด้วยเกรงว่าใต้จงจะถามก็แอบเลี่ยงไปนอนอย่าง เ, เงียบๆพอเช้าใต้จงตื่นปลุกรี่ขุยให้ลุกขึ้นมาก่อไฟทั้งสองปรุงอาหารผักเป็นมื้อเช้าห่อผ้าเข้ากับหลังจ่ายค่าอาหารแล้วจากโรงเตี๊ยมแห่งนั้นไป พอเดินมาได้ไม่ถึงยี่สิบลี้ใต้จงก็เอ่ยขึ้นว่าเมื่อวานนี้เราไม่ได้ใช้เวทมนต์แต่วันนี้เราต้องเร่งทำเวลาชดเชยมัดห่อผ้าของเจ้าให้แน่นนะข้าจะเสกมนใส่เจ้าวันนี้ก่อนจะหยุดพักต้องทำให้ได้สักแปดร้อยลี้เป็นอย่างตำ่ำพวกในการใหญ่เอายันสี่แผ่นผูกขาลี่ขุยแล้วเอ่ยว่าไปรอข้าที่โรงแยมข้างหน้านู้นนะว่าแล้วก็เสกมนเป่าใส่ขาลี่ขุยสลาตันดำสาวเท้ายาวๆออกเดินหน้า ยันเทวดาทั้งสี่ส่งให้เลี่ขุยราวกับเจ้าเหินไปบนเมฆใต้จงหัวเราะแล้วพูดว่าวันนี้กูจะทำให้มันหิวไปทั้งวันเลยว่าแล้วก็เอาผ้าผูกยันเข้ากับขาตัวเองไล่ตามไปบ้างเลียกขุยนั้นไม่สำเนีกว่าตัวกำลังใช้เวทมนต์จึงก้าวเดินไปตามสบายแต่ฉับพลันลมก็พัดผ่านหูฟังดูราสีฝนราวปากับบ้านเรือนที่เห็นอยู่ข้างหน้า บัดเดี๋ยวก็เลื่อนไปอยู่ข้างหลังอย่างรวดเร็วก้าวเดินไม่ติดขัดแกว่งขาเลื่อนไหลไปบนแมฆหมอกเรียกขุยชักต่งหิดต่ ง, งิดคิดใครจะหยุดเป็นหลายครั้งแต่ทว่าขาไม่ทําตามคําสั่งเหมือนมีใครจับแกว่งไปมาแต่เท้าหาได้สกิดพื้นไม่รงเตี้ยมขายเล่าเนื้อก็เลื่อนลับหายวับไปเบื้องหลังจะแวะหาซื้ออะไรใส่ท้องก็ไม่ได้เรียกขุยร้องเรียกว่าโอ้ยพ่อใหญ่ครับ ให้ลูกช้างหยุดบ้างนะขอรับไม่ช้าดวงตะวันกลมแดงก็ข้ามฟ้าไปเบื้องตะวันตกลีขุยทั้งหิวทั้งกระหายแต่ก็ยังหยุดตัวเองไม่ได้เงื้อเปียกซอกหัวอกหัวใจเต้นตุมตามอาปากหอบหายใจผงาผงา บ, งงาบไล่งับลมไตจงเร่งกระชั้นเข้าไปใกล้ๆแล้วก็แซารี่ขุยว่าเอาพี่ลีเหตุฉันไหนจึงไม่หยุดหาอะไรรองท้องบ้างล่ะฮะรีขุยร้องขึ้นว่าท่านพี่ท่านพี่ช่วยด้วย ข้าเหน่อยหิวจนจะตายอยู่แล้วนะขอรับใต้จงดึงแป้งข้าพูดนึ่งออกจากอกเสือ้อขึ้นมาแผ่นหนึ่งแล้วเริ่มต้นเคี้ยวลี่ขุยตะกนมาจากด้านหลังว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่จังจใจข้าซื้ออะไรได้อีกคิดอยากจะหยุดก็หยุดไม่ได้เช่นนี้ขอแป้งหนึ่งให้ข้าประทังหิวสักหน่อยได้ไหมขอรับใต้จงตอบว่าได้สิเจ้าหยุดนิ่งนิ่งสักพักก่อนลี่ขุยยื่นมือมาทางข้างหลังตัว จะอย่างไรอย่างไรเอื้อมมือมาจนสุดก็ยังขาดไปอีกสักสิบซอกเห็นจะได้ลีคุยร้องขึ้นว่าท่านพี่ที่เคารพขอรั บ, รบหยุดกันได้แล้วได้จงพูดว่าเอ๊ะวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงแฮะข้าเองก็หยุดไม่ได้เหมือนกันไอยาไอขาระยมคู่นี้ของข้าก็ไม่ยอมฝังควานซะด้วยเอาแต่สลับไปสลับมาอยู่นั่นเองถ้ายังขืนทําให้กูบ้าขึ้นมาแล้วก็ฮจะเอาขวานจามทิ้งซะเลย ว่าคิดได้ยังไงกันวะเนี่ยฮะดีจริงเชียวเพราะไม่เช่นนั้นเราคงต้องวิ่งต่อไปเช่นนี้จนถึงปีหน้าแต่ก็ไม่แน่ว่าจะหยุดได้หรือเปล่าลี่ขุยวิ่งวอลว่าโอโโโ้ท่านพี่ที่เคารพอย่าล้อข้าเล่นเช่นนั้นสิหากข้าสับมันทิ้งแล้วเมื่อไหรมันจะงอกขึ้นมาใหม่ได้หรือขอรับไตจงย้อนว่าสงสัยคืนก่อนเจ้าไม่ฟัง ค, คําข้ากระทั่งข้าเองก็หยุดไม่อยู่แล้วอย่างนี้จะทําอย่างไรได้ฮะ คงต้องวิ่งกันต่อไปแบบนี้แหละลี่ขุยร้องขึ้นอีกว่าโอ้ยพอใหญ่ให้อภัยลูกช้างด้วยเถิดขอให้ได้หยุดสักทีก่อนเถิดขอรับเฮ้ยจะตายอยู่แล้วไตจงพูดว่าถ้าคิดจะพึ่งเวทมนต่์ข้าเจ้าจะกินเนื้อไม่ได้โดยเด็ดขาดโดยเฉพาะเนื้อวัวนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยหากกินแม้คำเดียวเจ้าจะต้องวิ่งอยู่อย่างนี้ไปจนตายลี่ขุยว่าโอ้ยอย่างนั้นก็แย่สิขอรับ เมื่อคืนก่อนข้าหลอกท่านหมกมีบเอาเงินไปซื้อเนื้อหัวหมอหกเจ็ดชั่งแล้วก็กินไปจนหมดแล้วทีนี้ข้าจะทำอย่างไรดีและขอรับท่านพี่ใตจงพูดว่าโอ้โหไม่น่าเราขาตัวเองก็ยังคุมไม่อยู่เฮ้ยมึงนี่มันเป็นยมบาลของกูแท้ๆเที่ยวลี่ขุยได้ยินก็ยิ่งโอดร่ร้องขึ้นไปถึงสวรรค์ไตจงสะหัวใจสยกใหญ่แล้วพูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นมึงเร่งสาบานมาคำหนึ่ง โอ้จึงจะถอนคำสาปให้รีคุยว่าโอ้ยท่านพี่สั่งมาสิขอรับแล้วจะได้รู้ว่าไอ้บาปผู้นี้ยินยอมพร้อมใจสักแค่ไหนอะ่ะเฮ้ยจะตายหายอยู่แล้วพี่ไตจงพูดว่าแล้วมึงยังจะมาหลอกกูแอบไปกินเนื้ออีกหรือไม่ลีคุยตอบว่าเฮ้ยท่านพี่ถ้าขืนข้าทำอีกทีนี้ก็ขอให้ลิ้นเป็นหนองห้องเป็นตุ่มเอาให้ใหญ่เท่าสุ่มไปเลยนะขอรับเอา ด้วยว่าข้านั้นเห็นท่านกิจแตผักก็เลยดูเบาเอาว่าถือแคดแบบนี้บ้าดีแท้ๆเลยกกหกท่านน่ะต่อแต่นี้ข้าไม่กล้าอีกแล้วนะขอรับใต้จงพูดว่าถ้าเช่นนั้นข้ายกโทษให้ก็ได้ใต้จงเร่งฝีเท้าขึ้นมาพอทันก็บกชายแขนเสือ้อวาดใส่ขาลี่ขุยทั้งสองข้างแล้วตะโกนสั่งว่ายุดลี่ขุยก็หยุดกึกในทันที ข้าจะล่วงหน้าไปก่อนแล้วเจ้าคอยตามไปช้าช้าก่อนแล้วกันแต่พอลีขุยขยับจะยกเท้าก้าวออกไปขากลับไม่ไหวติงขาทั้งสองข้างของตนตั้งจะถ่วงเอาไว้ด้วยเหล็กลีขุยตะโกนขึ้นว่าชิบหายแล้วขอรับช่วยข้าอีกทีขอรับท่านพี่ไ้จงหันกลับมาหัวเราะแล้วพูดขึ้นว่าเฮ้ยเ <c oughs> จ้ายังจะยืนยันตามอย่างที่สาบานเอาไว้หรือไม่ลีขุยตอบว่า เฮ้ยก็ข้าถือท่านพี่เป็นเช่นพ่ออยู่แล้วฉนันไหนจะไปกล้าขัดคำสั่งเฮ้ยใต้จงถามจาว่าเจ้าเชื่อฟังข้าแน่นะว่าพลางก็เอื้อมมือมากำ้ามือลีขุยแล้วสั่งว่าเดินทั้งสองก็ก้าวขาเดินไปได้อย่างสบายลีขุยวิ่งว่อนว่าเฮ้ยกรุณาเถิดขอรับท่านพี่พักสักครู่ก่อนเถิด ทั้งสองเข้าไปพักอยู่ในโรงเแรมข้างทางพอได้ห้องใต้จงก็ถอดยันออกเผากระดาษเงินกระดาษทองบอกเทวดาฟ้าดินเส้นไปแต่พอทํานาวหน่อยหนึ่งใต้จงถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะฮะลี่ขุยลี่ขุยนวดขาไปพรางถอนหายใจไปพรางแล้วพูดว่าเฮ้ยยังน้อยอะนะไอขาสองข้างนี้ก็กลับมาเป็นขา ข, ของข้ายังเก่าอีกแล้วล่ะขอรับใต้จงบอกลี่ขุยให้ออกไปสั่งผักกับข้าว ต้มน้ำล้างเท้าแล้วเข้านอนหลับไปจนถึงเช้าตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตากินอาหารเช้าชำระเงินแล้วออกเดินทางพอไปได้สักสามสิบลี้ไต่จงก็เอายันออกมาแล้วพูดว่าวันเนี้นะข้าจะผูกยันให้ข้างและผืนก็พอจะได้ไม่เร็วไปนักลี่ขุยพูดว่าอุ้ยแต่ท่านพ่อที่เคารพขอรับข้ายังไม่อยากนะใต่จงถามว่าเจ้าสาบานแล้วว่าจะเชื่อฟังคําสั่ง มาเที่ยวนี้เราก็มีภารกิจสาคัญยิ่งนักข้าสัญญาว่าจะไม่แกล้งเจ้าอีกแล้วแต่ถ้าเจ้าไม่ฟังคำสั่งข้าขอจะตรึงเจ้าเอาไว้ตรงนี้เหมือนเมื่อวันก่อนเจ้าก็จะต้องยืนอยู่ตรงนี้คอยให้ข้าไปฉีโจตามพบท่านกองสุนแล้วถึงจะกลับมารับดีไหมลีบขุยดลนลานขอว่าเอาเอาเอาท่านพอ่อใส่เลยใส่เลยขอรับทั้งสองเอายันผูก ข, ขาข้างละผืน ไต่จงเศกมนและจุงรี่ขุยออกเดินทางไปใช้เวทมนต์อย่างนี้ไต่จงจะหยุดจะไปอย่างไรก็ได้สิน้นลี่ขุยไม่กล้าหือให้เป็นที่ราคาญใจระหว่างการเดินทางทั้งสองไม่แตะอะไรอื่นนอกจากเหล้าและอาหารเจรีบรุดไปโดยไม่ชักช้าก็อย่างว่าล่ละครับเราไม่ควรสาธยายให้มากความไปเดินทางด้วยเวทมนต์พิเศษแบบนี้ไม่ถึงสิบวันก็ลุถึงเมืองฉีโจ ทั้งสองเข้าไปค้างแรมที่โรงเตียมนอกเมืองพอวันรุ่งขึ้นก็เข้าไปในตัวเมืองลีดขุยปลอมเป็นเบาววันทั้งวันสอบถามผู้คนไปทั่วแต่ไม่มีผู้ใดรู้จักกงซุนเชงเลยจึงกลับมานอนค้างที่โรงเตียมอย่างเก่าพอวันรุ่งเช้าก็ออกไปตระเวรตามตรอกซอกซอยเล็กๆในเมืองแต่ก็ไม่เป็นผลอีกลีดขุยเริ่มโมโหและพูดว่าเฮ้ยไอ้นักพรตขอทานผู้นี้ มันไปมุดหัวอยู่ที่ไหนวะรอให้เห็นหัวก่อนนะมึงกูจะจิกกระ บ, บานไปส่งให้ท่านส่งเจียงเองไอใต้จงได้ยินก็ขมวดคิ้วแล้วพูดว่าเอาอีกแล้วไอ้นี่คราวก่อนมึงยังไม่หลับอีกใช่ไหมลี่ขุยนึกได้ก็หัวเราะอย่างเขินๆแล้วพูดว่า <c oughs> จริงๆแล้วข้าก็ไม่ตาดอกขอรับก็แค่เล่นๆนะ่ะไต้จงหน้าต่อลี่ขุยไม่กล้าเถียง ทั้งสองครั้งที่โรงแรมอีกคืนหนึ่งรุ่งขึ้นรีบตื่นแต่เช้าคราวนี้ออกตะเวนไปตามหมู่บ้านหัวเมืองเล็กๆรอบตัวเมืองพอเจอชายชาราคนไหนได้เป็นเรียกเข้าไปทักทายอย่างนอบน้อมถามหาที่พำนักของเต้าสือกงซุนเชงถามแบบนี้ไปสิบกว่าคนแต่ก็ไม่มีผู้ใดรู้จักอีกพอตกเที่ยงทั้งสองชักหิวจึงแวะเข้าไปหาอะไรกินที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวข้างทางโต๊ะที่นั่งในร้านเต็มไปทั้งหมดทั้งสิน้น ทั้งสงยืนแกล้ๆกลางๆอยู่ระหว่างทางเดินในร้านบริกรร้องเรียกว่าหากท่านทั้งสองจะมากินก๋วยเตี๋ยวอะ่ะก็โปรดไปนั่งร่วมกับชายชาราที่โต๊ะตัวนั้นเถิดขอรับใต้จงมองเข้าไปก็เห็นชายชาราผู้หนึ่งนั่งอยู่ผู้เดียวที่โต๊ะตัวใหญ่จึงเข้าไปทักทายด้วยนอบน้อมแล้วพาลี่ขุียเข้าไปนั่งลงตรงข้ามใต้หันไปสั่งบริกรให้นำก๋วยเตี๋ยวมาให้สี่ชามใต้จงเอ่ยขึ้นว่า ข้าชามหนึ่งส่วนเจ้าก็เอาไปสามน่าจะพอนะลี่ขุยร้องว่าโอ้ยท่านพี่น้อยไปนิดหนึ่งนะขอรับอย่างข้าเมาหกชามได้สบายสบายเลยบริกรยิ้มเวลาผ่านไปไม่นานก๋วยเตี๋ยวก็ยังไม่มาสักทีลี่ขุยเห็นแต่บริกรลำเลียงชามที่มีควันลอยฉุยผ่านเข้าไปข้างในก็ชักจะอดรนทนไม่ไหวล้ครับ ก็พอดีบริกรคนนั้นเอาก๋วยเตี๋ยวร้อนๆชามหนึ่งมาวางไว้หน้าชายชาราผูดเท่าไม่ปล่อยให้เสียเวลารีบก้มหน้าก้มตาสูดน้ำก๋วยเตี๋ยวรีบขุยเห็นดังนั้นก็สุดจะกลัน้นพลันร้องออกไปว่าเฮ้ยเซลเอะเหตุใดจึงปล่อยให้ข้าร้อนนานขนาดนี้หรอฮะว่าพรางก็เอามือทุบโต๊ะน้ำํำก๋วยเตี๋ยวกระเซ็นขึ้นมาเปิดหน้าชายชาราที่ก้มลงมาเส้นก๋วยเตี๋ยก็กระช อ, อกออกมานอกชาม ชายชาราคว้าตัวลีขุยไว้ได้วยความโกรธแล้วตะโกนขึ้นว่าเฮ้เจ้าถือสิทธ์อะไรมาคว่มชามข้าหล่งฮะเฮ้ <Hey. S 1> ขณะที่ลีขุยกำห ม, มัดเตรียมชกตอบแต้จงก็ตะวาดห้ามด้วยเสียงอันดังก่อนจะหันไปขอโทษแทนท่านพูดเท่าโรถจะได้เอาเรื่องกับมันเลยขอรับข้าจะออกเงินให้ใหม่อีกชามหนึ่งชายชาราตอบว่าเฮ้ท่านยังไม่เข้าใจคือว่าตอนนี้ข้ากาลังรีบจะต้องไปต่ออีกไกล ข้าจะรีบกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วกลับบ้านไปฟังเทศทวงเวลากินก็เท่ากับท่วงเวลาเดินทางขอรับไตจงย้อนถามไปว่าแล้วท่านลุงมาจากไหนและจะไปฟังท่านผู้ใดเทศหรือขอรับใช้ชราตอบว่าข้าเป็นคนมาจากเขาเชียนคู่อยู่ในตำบลจิ่งกงขึ้นสังกัดจังหวัดฉีโจข้าเข้าเมืองมาหาซื้อธูปหอมและจะรีบกลับไปฟังเทศ ของท่านเสียนโลพระคูผู้พิเศษท่านกำลังแสดงทำเรื่องการเินชีวิตอมตะขอรับแต่จงนึกขึ้นได้ท่านกองซุนจะอยู่ที่นั่นด้วยหรือไม่เนอจึงเอ่ยปากถามออกไปว่าท่านผู้เฒ่าขอรับที่หมู่บ้านท่านมีเต้าสือนามว่ากองซุนเชงหรือไม่ชายชราตอบว่าอ๋อถ้าไปถามคน อ, นอื่นคงจะไม่ได้คาตอบหรอก คนส่วนใหญ่ที่นี่ไม่รู้จักชื่อนี้กันแล้วท่านเป็นเพื่อนบ้านของข้าเองอาศัยอยู่กับแม่แก่ๆผู้หนึ่งท่านทุดองจากบ้านไปพักใหญ่เพิ่งจะกลับมาในครั้งครนั้นท่านยังใช้สมัยยาว่ากองซุนแสนพิสุทธิ์ตอนนี้ท่านทิ้งแท่ทั้งโลกไปหมดแล้วเช้าบ้านร้านถิ่นจึงรู้จักท่านแต่ในนามว่าเต้าซือแสนพิสุทธิ์เฉยๆตอนนี้ไม่มีใครรู้จักกองซุนเชิงกันแล้ว จึงตอบอะไรท่านไม่ได้น่ะสิใต้จงพูดว่าโอ้นี่เท่ากับใส่เกือกเหล็กเดินตามหายาปากโคอโดยแท้ท่านผู้เท่าขอรับจากนี่ไปเขาเซียนคู่ไกลแค่ไหนแล้วท่านกองสุนอยู่บ้านหรือไม่ละขอรับชายชราตอบว่าอ๋อจากตำบล น, นี้ไปก็ราวสี่สิบห้าลี้เห็นทีจะได้ท่านแสนพิสุทธิ์เป็นศิษย์เอกของท่านเซียนโลอาจารย์คงไม่ปล่อยให้ท่านไปไหนหรอก ให้จงให้ดีใจยิ่งนักจึงสั่งบริกรให้รีบยกก๋วยเตี๋ยวมาให้แล้วกินร่วมกับชายชาราผู้นั้นกินเสร็จก็จ่ายเงินแล้วออกจากร้านไปด้วยกันหลังจากถามทางชายชาราเสร็จไต้ก็เอ่ยขึ้นว่าท่านพู้เท่าล่วงหน้าไปก่อนเลยขอรับข้าจะขอซื้อทูบ ก, กับกระดาษเงินอีกสักหน่อยก่อนแล้วจะตามท่านไปชายชารากล่าวอำลาแล้วรีบมุ่งหน้าไปก่อน ไต่จงกับรีขุยกลับโรงเตี้ยมจัดเก็บข้าวของเอายันผูกขาออกจากโรงเตี้ยมและมุ่งหน้าไปยังเขาเสียนคู่ใช้เวทมนต์แบบนี้สี่ิบห้าลี้เป็นเรื่องขี้ประติว๋วพอเป็นถึงตำบลจิวกงก็ถามทางตรงไปยังยอดเขาอ๋อจากนี่ไปทางตะวันออกอีกสี่ห้าลี้ก็ถึงครับทั้งสองเดินไปตามทางก็จริงดังว่าไม่ถึงห้าลี้ก็ไปถึงตีนเขาเสียนคู่ ทั้งสองพบคนตัดไม้ผู้หนึ่งข้างทางไตจึงเข้าไปทักทายอย่างนอบน้อมเฮียเฮียช่วยบอกได้ไหมว่าท่านนักพรสแสนพิสุทธ์อาศัยอยู่ที่ใดขอรับคนตัดฟืนชี้ไปข้างหน้าแล้วพูดว่าอ๋อตองช่องเขาข้างหน้านี่แหละขอรับนอกกำแพงรัว้วจะมีสะพานหินเล็กๆอยู่ตัวหนึ่งทั้งสองเดินไปตามทางก็เห็นตึกมุงฟางตั้งอยู่ราวสิบหลัง ล้อมรอบด้วยกำแพงรัว้วเตี้ยๆนอกกำแพงมีสะพานหินเล็กๆตัวหนึ่งพอเดินเข้าไปใกล้ก็เห็นเด็กสาวชาวนาโผล่หน้าออกมาจากประตูกำแพงเดินหิ้วกระจาษผลไม้ใกล้เข้ามาไต้จงโค้งคำนับแล้วพูดว่าข้าเห็นท่านออกมาจากบ้านของท่านนักรตแสนพิศุทธ์ท่านอยู่บ้านหรือเปล่าล่ะขอรับหญิงสาวตอบว่าอ๋อท่านอยู่หลังบ้านกำลังสกัดประลอดเม็ดอยู่เจ้าค่ะใต้จงดีใจ หันไปสั่งความรีขุยว่าเจ้าเข้าไปซ่อนในป่านั้นก่อนพอข้าพบท่านกองซุนแล้วข้าจะเรียกออกมาใต้จงก้าวเข้าไปในเขตกำแพงรัว้วเยี่ยมเยี่ยมมองมองที่บ้านหลังนั้นอย่างสุภาพประตูบ้านหลังนั้นกั้นหลมเอาไว้ด้วยสื่อกกขณเณว่ามีสักสามห้องเห็นจะได้ไต้จงกระแอมขึ้นญิงชาราผมขาวโพลนทั้งศีรษะก็โผล่หน้าออกมาไต้จงรีบคำนับอย่างนอบน้อมแล้วพูดว่า ท่านแม่เท่าขอรับข้าใครจะขอเรียนพบท่านเต่าสือแสนพิสุทธ์สักหน่อยแม่เท่าถามว่าอ้าแล้วท่านชื่ออะไรหรือเจ้าคะข้ามีนามว่าไตาจงมาจากมณฑลซานตุงขอรับแม่วันนี้สงสัยว่าเจ้าจะมาผิดเวลาแล้วกะละมังลูกข้าออกไปทุ่ดงยังไม่กลับมาเลยไตยจงพูดว่าข้าเป็นเพื่อนเก่า มีเรื่องสําคัญยิ่งประการหนึ่งใครจะเล่าให้ฟังโปรดอนุญาตให้ข้าเข้าพบด้วยเถิดขอรับแม่เฒ่าแม่เฒ่าพูดว่าเอา้าก็เขาไม่อยู่บ้านเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะหากประสงค์สิ่งใดก็ให้ทิ้งหนังสือเอาไว้พอลูกข้ากลับก็ค่อยมาพบกันเองเถิดไตจงพูดว่าเออถ้าเช่นนั้นข้าจะกลับมาใหม่ก็แล้วกัน ใต้อำลาหญิงชาราแล้วกลับออกไปสมทบกับลี่ขุยนอกบ้านแล้วพูดกับลี่ขุยว่าวันนี้ข้าจะวานเจ้าหน่อยมารดาเขาบอกว่าท่านกองซุนไม่อยู่บ้านเจ้าจง ท, ทําทีไปถามหาอีกทีหนึ่งถ้าหากนางยังบ่ายเบียงว่าไม่อยู่ก็ให้หาอะไรทุบทําลายสักหน่อยหนึ่งแต่อย่าทําร้ายตัวนางแล้วข้าจะรีบทําทีเข้าไปห้ามเข้าใจหรือเปล่าล่ะลี่ขุยเอาขวานคู่ออกจากหอผ้าเสียบด้ามให้เข้ากับรัดประคต เดินเข้าประตูรั้วแล้วตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยมีใครอยู่บ้างออกมาพูดกันหน่อยเฮ้ยรีบปิดพังแม่งเลยยิงชาราผู้นั้นรีบออกมาแล้วพูดว่าเอาใครกันนั่นนะฮะพ่อเห็นลี่ขุยจ้องขเขม็งมาที่ตัวก็ตกใจท่านต้องการอะไรหรือเจ้เาขาฮะรีบขุยพูดว่าข้าคือสล่าตันดำรีบขุยจากบึงเหลียงซานข้าถือคําสั่งให้มาตามหากองสุนเชง บอกเ้าให้ออกมาเราจะได้คุยกันถ้าไม่ยอมออกเขาจะเผาไอ้บ้านส่วนๆหลังนี้กับคุมบ้านเจ้าเสียให้ราบแล้วตะโกนสัมทับขึ้นว่าเฮ้ย hey, เร่งออกมาพูดกันไวๆหญิงชราพูดขึ้นว่าเฮ้ย hey, ท่านผู้กล้าอย่าได้ทำตัวแบบนั้นนะเจ้าคะบ้านนี้ไม่มีคนชื่อกองชุนเชงลูกข้าม่นาว่าแสนพิชุดต่างหากรี่คุยสัมทับไปว่าเฮ้อไอ้บอกเขาออกมาพ่อเห็นหน้า ก็ยอมจะรู้เองดอกก็บอกว่าท่านไปทุ่ดอกยังไม่กลับอาท้อเฮ้ยหาเรื่องสรารดรก็ซัดก็เลยนี่เห็นกูแก่ๆอย่างเงี้ยกําลังยังมีนะเว้ยลี่ขุยดึงขวานขึ้นจากเสเอลเริ่มทุบฝาบ้านหญิงชาราก็เข้าขวางลี่ขุยพูดว่าหอกป้ายังไม่เรียกเขาออกมาข้าจะฆ่าป้าเสียลี่ขุยตะโกนกล้องเหงื้อขวานขึ้นเหนือหัว หญิงชราล้มลงกับพื้นด้วยตกใจกงซุนเชงโผล่หน้าออกมาจากหลังบ้านถลาเข้ามาตะโกน ล, ลั่นว่าอย่าหนาะเวลาเดียวกันนั้นใต้จงก็ตวัดขึ้นว่าไอ้วัวบ้าฉันไหนจึงทำให้ป้าทนตกใจแล้วรีบเข้าไปประคองหญิงชราให้ลุกขึ้นยืนลี่ขุยรีบลดขวานลงข้างตัวแล้วคำนับกองซุนเชงอย่างนอบน้อมแล้วพูดว่าท่านพี่เอาไปให้ข้าด้วยเถิด ที่ออกท่าทางไปก็แค่เชิญท่านพี่ให้ออกมาเท่านั้นล่ะขอรับกองสุนรีบเข้าไปประคองมารดาพาเข้ามานั่งพักในบ้านแล้วหันไปเชิญคนทั้งสองเข้าไปในห้องที่เงียบสงบแล้วเชิญให้นั่งนักพรตผู้นั้นเอ่ยขึ้นว่าแมช่างโชคดีกระไรที่ท่านตามมาถึงที่นี่ใตจงเริ่มพูดขึ้นว่าหลังจากที่ท่านหลงจากเขาข้าเคยมาตามหาท่านที่ฉีโจนี้แล้วหนึ่งแต่ก็ไม่พบ ตอนนั้นข้าเลยพาสมัครพรรคพวกส่วนหนึ่งกลับไปป้อมค่ายของเราแต่เมื่อเร็วๆนี้พี่ส่งเจียนยกทัพไปช่วยชีวิตท่านชายชายจิ้นที่เกาถังแต่ต้องเวทมนต์ของไอ้ข้าหลวงเกาเหรียญจึงพา่ายแพ้มาถึงสองครั้งท่านพี่ไม่รู้จะทําอย่างไรจึงสั่งให้ข้ากับรี่ขุยรีบมาขอความช่วยเหลือจากท่านเราพลิกแผ่นดินเมืองฉีโจโค้นหาปีศาทุกซอกทุกมุมก็ไม่ได้ผล จนวันนี้ได้ไปเจอท่านผู้เฒ่าผู้หนึ่งที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวท่านจึงบอกทางให้พอมาถึงที่นี่เด็กหญิงชาวบ้านผู้หนึ่งบอกเราว่าท่านกําลังสังกัดประลอดลูกกรอนอยู่หลังบ้านแต่ท่านแม่ของท่านยืนกรานว่าท่านไปทุดงไม่อยู่บ้านข้าจึงวานให้ลีขุยกระทาการหยาบคายเพื่อจะล่อท่านออกมาโปรดอภัยใข้าด้วยเถิดขอรับแต่สําหรับท่านพี่ทรงเจียงที่เกาถังวันแต่ละวันที่ผ่านดูราวจะนานเป็นปี เราจึงใคร่ขอเชิญท่านกลับไปกับเราเพื่อพิสูจน์ให้ซึ้งถึงคุณธรรมน้ำมิตรอันแน่นสนิทไม่มีวันคลอนคลายกองซุนชิงพูดกับคนทั้งสองว่าอันตัวข้านี้ตั้งแต่เล็กก็ออกรอนแรมไปทั่วทุกแคว้นทุกแดนไม่ได้ขาดคบหาแต่ก็หมูม่มวลมิตรในหมู่ผู้กล้าแม้นข้าจะจากเขาเลี้ยงสารกลับมาบ้านก็ยังไม่เคยลืมเลือนพวกท่านไปเลยแม้แต่น้อยแต่ด้วยว่าอันหัตหนาท่านแม่ก็ให้แกเท่าเหลือดี ไม่มีคนจะดูแลเอาใจใส่อีกท่านอาจารย์โลเสียนผู้วิเศษก็ไม่ปรารถนาให้ข้าจากไปไหนด้วยกลัวว่าชมรมของเราจะส่งใครมาตามทำให้ข้าต้องเปลี่ยนชื่อแส้กลายเป็นเต้าสือแสนพิสุทธิ์ปลีกวิเวกมากบดานอยู่ที่นี่แหละขอรับไต๋จงพูดว่าพี่ส่งเจียงกำลังตกอยู่ในห้วงอันตรายท่านพี่โปรดเมตตาปรานีพวกเราด้วยเถิดขอรับท่านต้องไปให้ได้นะกองซุนเชงพูดว่า ยแม่ข้าไม่มีคนดูแลแถมอาจารย์คงไม่ยอมให้ไปหมดปัญญาจริงๆขอรับไ <mm> ตจงรีบคุกเข่าขโคกศีรษะอ้อนวอนกองซุนเชงต้องรีบเข้าไปประคองให้ลุกขึ้นแล้วพูดว่าเอาไว้ค่อยพูดเรื่องนี้เกิดวันหลังก่อนแล้วกันแล้วก็วกเอาผักเอาเหล้าออกมาเลี้ยงแขกทั้งสองทั้งสามกินกันไปสนทนากันไปใตจงเอ่ยขึ้นว่าฮ <mm> อกท่านพี่ไม่ยอมไปท่าน่งเจียง คงต้องถูกไอ้เกาเหรียญจับชื่อเสียงกิติคุณของป้อมค่ายเราคงต้องย่อยยับถึงการประวาสารกองสุนเอ่ยขึ้นว่าเออขอให้ข้าได้กราบขออนุญาตท่านอาจารย์ซะก่อนหากท่านยอมข้าถึงจะได้ไปไตจงว่าถ้าเช่นนั้นพวกเราไปกราบท่านร่วมกันเสียเดี๋ยวนี้เลยขอรับกองสุนว่าเออใจเย็นๆคืนนี้ข้างที่นี่ก่อนตอนเช้าแล้วค่อยไปก็ได้ แต่ท่าว่าสำหรับพี่ทรงเจียงแล้วสภาพในตอนนี้วันหนึ่งนานเป็นปีข้าว่าไปสิเดี๋ยวนี้จะดีกว่านะขอรับทั้งสามกินกันไปสนทนากันไปใต้จงเอ่ยขึ้นว่า หากท่านพี่ไม่ยอมไปท่านทรงเจียงคงต้องถูกไอ้เกาเหลียนจับชื่อเสียงกิติคุณของป้อมค่ายเราคงต้องย่อยยับถึงการปรวัติศาสตรกองสุนเอ่ยขึ้นว่าเออขอให้ข้าได้กราบขออนุญาตท่านอาจารย์ซะก่อนหากท่านยอมข้าถึงจะได้ไปใต้จงว่าเพราะเช่นนั้นพวกเราไปกราบท่านร่วมกันเสียเดี๋ยวนี้เลยขอรับกองสุนว่าเออใจเย็นๆคืนนี้ข้างที่นี่ก่อน ตอนเช้าแล้วค่อยไปก็ได้แต่ถ้าว่าสำหรับพี่ทรงเจียงแล้วสภาพในตอนนี้วันหนึ่งนานเป็นปีข้าว่าไปเสียเดี๋ยวนี้จะดีกว่านะขอรับกองซุนพาใต้จงกับลี่ขุยขึ้นเขาเซียนคู่ยามนั้นเป็นปลายฤดูใบไม้ร่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวกลางวันสั้นกลางคืนยาวไม่ช้าก็ค่ําพอเดินไปถึงครึ่งทาง ลวงตะวันก็รับหายไปทางทิศ ต, ตะวันตกทั้ง 3. ามทำทางไปตามถนนฝ่าความมืดแหลมูสลจนพ้นไปถึงวิหารที่เซียนโหลจําศีลอยู่แผ่นไม้เหนือซุบประตูทางเข้าจำหลักอักษร อ, อ่านได้ความว่าวิหารราชสุญญารามพอเข้าไปถึงวิหารก็ถึงศาลาผัดภูษาทั้งสารีบตบปัดเสื้อผ้าจับจีบให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเดินไปตามระเบียงที่ทอดไปยังหอสนกเรียน เนนน้อยสองคนรีบเข้าไปเรียนท่านเซียนโลพระขูวิเศษจึงบอกให้ไปเชิญคนทั้งสามเข้ามาภายในห้องถงในตัวหอเซียนโลเพิ่งเสร็จจากการบริกรรมจึงยังนั่งอยู่บนธรรมาทที่สลักสล่าวเป็นปุ่ยเมฆ ก, กองซุนสืบเท้าไปคาระวะแล้วเลี้ยงออกมายืนข้างๆข่อมตัวรอฟังคำสั่งอยู่อย่างนอบน้อมใต้จงรีบเขาเต่าส่วนลี่ขุยได้แต่เบิงตาแลเซียนโลถามออกมาว่า ท่านชูภาพบุรุษทั้งสองนี่เป็นใครกันฮะฮะกงสุนตอบว่าน้องสมัยเก่าก่อนที่ข้าเคยกราบเรียนท่านอาจารย์ไปแล้วนั่นไงขอรับพวกเขาเป็นผองมิตรในแวดวงยุทธภพมาจากซานตุงเก้าเหรียญข้าหลวงเมืองเกาถังใช้เวทมนต์พี่ใหญ่ส่งเจียงจึงส่งคนทั้งสองนี้มาขอความช่วยเหลือข้าไม่กล้าตัดสินใจโดยลาพังจึงมากราบเรียนขออนุ ญ, ญาตท่านอาจารย์ก่อนขอรับ เซียนโลจึงพูดว่าเจ้าเหล็กหนีขุมนรกของมนุษย์ผู้อ่อนแอและกำลังเรียนรู้การปรุงยาอายุวัฒนาให้เป็นอมตะเหตุฉันไหนจึงคิดจะหวนกลับไปมีชีวิตแบบเก่าๆนั่นเสียเล่าฮะเฮ้ต้จงรีบโคกศีรษะอีกครั้งหนึ่งแล้วอ้อนวอนว่าโปรดอนุญาตให้ท่านของซุนเชงไปกับเราด้วยเถิดท่านเซียนผู้พิเศษหลังจากทำลายเวทมนต์ไอเกาหลียนได้แล้ว พวกเราจะคุ้มกันท่านกลับมาส่งเองขอรับเซียนโลเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยท่านทั้งสองยังไม่เข้าใจนั่นไม่ใช่กิจที่ผู้อุทิศตนเพื่อพระศ า, าสนาจะมีหน้าที่ไปข้องแวะจงไปชัดเถิดรอดแสวงหาทางอื่นเอาเองเฮ้ยไม่ยุ่งอะไรกับคนถือศีลกินเจวะเนี่ยฮะเฮ้ยไม่เข้าใจว่ะกองสุนจึงทำได้แต่พาคนทั้งสองกลับออกมา คืนนั้นทั้งหมดก็ลงจากหอสนการเรียนลี่ขุยถามว่าเฮ้ยพระคูณลึกรับท่านนั้นพูดว่าอะไรหรือขอรับไตจงตอบอย่างหัวเสียว่าเฮ้ยแล้วทำไมเองไม่ฟังเอาเองวะเนี่ยฮะเฮ้ยไปด้วยกันแทๆ้ๆข้าก็ฟังขอรับแต่แปลความไม่ออกก็ท่านไม่อนุญาตให้ท่านกองสุนกลับไปพร้อมกับเราน่ะสิลี่ขุยอุทานขึ้นมาว่าอู้ว้ เราเรืออุา่าเดินทางมาตั้งไกลข้าเองต้องตกระกำบลำผกักแล้วในที่สุดเราก็ได้พบเขาแล้วทั้งหมดนี้ก็ได้มาแค่ตดไอโจรเท่าเจ้าเล่ห์น้นี้เอ้ยไม่น่าเลยทำไมข้าต้องมีน้ำโหวแบบนี้เดี๋ยวกดเฮ้ยมือข้างเบิดจตะงอนอีกข้างขยุมผ้าคาดเอวจับย้อนชิงอนผาลงไปซะเลยปาทอฮ้ใต้จงขงมวดคิ้วแล้วพูดว่า เอ็งอยากจะโดนแบบเขาอีกหรือไรฮะลี่ขุยยิ้มแย่ะแล้วว่าน่าวไม่ได้ขอรับแค่ตลกตลกเองนะ่ะขอรับพ่อกลับมาถึงบ้านนักรรหนุ่มก็เตรียมอาหารนั่งลงกับใต้จงแต่ลี่ขุยนั้นตกอยู่ในพวังนั่งเบื่อใบไม่ยอมแตะต้องข้าวปลาอาหารเลยแม้สักเม็ดก้องซุนเอ่ยขึ้นว่าคืนนี้พักก่อนพรุ่งนี้ข้าจะกลับขึ้นไปอ้อนวอนท่านอาจารย์อีกที หาครั้งนี้ท่านเห็นด้วยข้าจะตามท่านทั้งสองไปใต้จงจัดข้าวของให้เป็นระเบียบแล้วลาลี่ขุยเข้าไปนอนในห้องเงียบๆแต่ลมบ้าหมูดำนอนไม่หลับเบิงตาค้างอยู่กระทั่งร้วงเข้ายามห้าก็พุดลุกขึ้นมาอย่างเงียบๆเงเี่ยหูฟังเพื่อนร่วมห้องใต้จงนอนกลนอยู่อย่างสงบเฮ้ย ไ, ไอพวกไม่เอาไหนลี่ขุยนึกช่างชักหักกระดูกกองซุนเชง ไอแ้แขกนั่นก็ช่างกระไรไรสาระม้าสิ้นดีข้างฝ่เราเจ้าตัวก็เคยเป็นถึงหัวหน้าใหญ่ในชมรมแล้วทําไมต้องไปเสียเวลาขออนุญาตไอ้กแก่นั่นอีกสมมติว่าถ้ามันไม่เห็นด้วยนั่นไม่เท่ากับพี่ทรงเจียงต้องถูกทําร้ายดอกหรือจะให้กูยอมทั้งอย่างนั้นเห็นจะไม่ได้ดอกกูจะไปฆ่าไอ้เท่าคนนั้นเสียมันจะได้ไม่ต้องมาอ้อนวอนงอนง้อใครแล้วก็จะต้องตามเราไปในที่สุด เรีกขุยคว้าขวานของตัวเองค่อยๆพลักประตูย่องออกไปทีละก้าวละก้าวอาศัยแสงจันทร์ปีนขึ้นเขาไปตามลำพังประตูสองบานของวิหารราชสุญญารามลั่นดานเอาไว้แต่กำแพงรอบๆตัวตึกไม่สูงนะักกระโดดทีเดียวก็ข้ามได้หลังจากถอดสลักดานประตูเพื่อตอนหนีกลับออกมาแล้วก็ย่องผ่านเข้าไปจนถึงหอสนกรเรียน ได้ยินเสียงใครบางคนกำลังท่องบนบริกรรมคาถาอยู่จึงคานเข้าไปใกล้เอาน้ำลายอมนิ้วจอกกระดาษตรงประตูมองลอดเข้าไปในห้องเซียนโลรหัสยาจานนั่งอยู่ตามลำพังบนธรรมาต์เทียนสองเล่มที่ส่งควันขโมงสาดแสงสว่างจ้าเล่ห้ขุยคิดในใจว่าไอ้เต่าสือจันไรใย่ยูเลยมึงเล่้ขุยแอบคลานเข้าไปจนถึงประตูไม้ระแนงผลักประตูเสียงดังแอบท่านหลันตามเข้าไป เมื่อขวานได้ก็สับใส่หน้าของเซียนโลล้ม ล, ลงบนธรร ม, มาทเลือดไหลนองออกมาเป็นสีขาวขุ่นข้นรี่ขุยหัวเราะฮฮแม่ไอ้เจ้านี่ยังเป็นพรหมจารีอยู่เลยน้ำเชื้อถึงได้ขาวไปหมดมิหน้าเราก็มันคงไม่เคยเอาไปใช้กับใครที่ไหนเขาไม่มีเลือดปนเลยสักหยดลี่ขุยก้มลงพิชดูฝีมือตนใกล้ๆคมขวานผ่าหมวกล่วงลงไปแบกกะโหลก ข, ของพระครูเท่าออกเป็นสองสิ่ ลึกจนจรดคอหอยสลาตันดำดูผลงานของตัวด้วยความพอใจฮฮฮฮฮฮฮฮวันนี้กูได้ขจัดไอดตัวเรียดออกไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าพี่กองซุนจะไม่ไปว่าแล้วลี่ขุยก็หันหลังกลับล่าถอยออกจากหอสนกรเรียนใบหน้าไปตามระเบียงวิหารเนน้อยในชุดดำผู้หนึ่งก็ก้าวออกมาขวางทางไว้เนน้อยร้องขึ้นว่าเจ้าข้าท่านพระครูคิดว่าจะหนีไปได้ไง่ายๆ่หรือฮะ ลี่คุยตวัดออกไปว่าเฮไอเด็กช่างไรเอาขวานกูไปชิมซะ ก, ก่อนนี่แค่ตวัดคมขวานก็ตัดชั่วหัวเด็กน้อยก็กลิ้งหลุนๆไปตามพื้นลี่คุยหัวเราะฮ่าๆออกไปจากที่นี่ดีกว่ากูรี่คุยออกจากวิหารได้ก็ดิ่งลงเขาพอไปถึงบ้านกงซุนก็ย่องเข้าไปงับประตูตามหลังเงี่ยหูฟังความเคลื่อนไหวในห้อง ใต้จงยังคงหลับสนิทลี่ขุยรีบซุกตัวลงนอนอย่างเงียบเชียบพอรุ่งเช้ากงสุนก็ตื่นตระเตรียมอาหารเช้าแล้วนั่งกินกับใต้จงใต้จงเอ่ยขึ้นว่าโปรดพาเราขึ้นเขาไปอ้อนวอนท่านอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งเถิดรี่ขุยก้มหน้าแอบกัดริมฝี ป, ปากกลั้นหัวเราะทั้งสามกลับขึ้นไปตามทางเก่าพอล่วงเข้าไปถึงหอสนกรเรียนในหมู่วิหารราชสุนยารามนั้น สา ม, มนเนนน้อยสองคนก็โผล่ออกมาต้อนรับกงสุนถามว่าท่านเซียนผู้วิเศษอยู่ไหมเนนน้อยตอบว่าอ๋อท่านอาจารย์นั่งเข้าฌานอยู่บนธรรมาฏขอรับรี่ขุยประหลาดใจแลบลิ้นออกมายาวเหยียดอาปากค้างอยู่อย่างนั้นนานหลายอึดใจทั้งสามพักบานประตูก้าวเข้าไปก็จริงดังว่าท่านเสียนโลยังคงนั่งอยู่บนธรร ม, มาตามที่เนนน้อยบอก ลี่ขุยยังงงงแล้วคิดในใจว่า เ, เมื่อคืนนี้ก็ฆ่าผิดคนหรือเปล่าวะเนี่ยฮะเซียนโลจึงถามว่าเจ้าทั้งสามมาทำอะไรอีกไต้จงตอบว่าเออพวกเราอยากจะมากราบขอตัวท่านอาจารย์กองซุนลองไปโปรดสัตว์ยังโลกที่ยังทุกทรมานอยู่ขอรับเซียนโลถามว่าแล้วไ อ, อ้ยักษ์ดำผู้นั้นเป็นใครกันไต้จงตอบว่า ลี่ขุยน้องร่วมยุตธภพของข้าน้อยเองขอรับพระคุณเจ้าพระครูผู้พิเศษได้ฟังก็หัวเราะ <c oughs> ความจริงข้าคิดจะบอกปัดกงสุนอยู่พอดีแต่เพราะไอ้เจ้าดำใหญ่นี่ข้าจะอนุญาตให้เดินทางไปอีกสักหนไ <c oughs> ตจงรีบโคกศีรษะแล้วถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ลี่ขุยฟังลี่ขุยคิดในใจว่า <c oughs> ไอบา้บัดซบนั่นรู้ทั้งรู้ว่าเราจะมาฆ่ามันแต่ทาไมกลับพูดออกมาเช่นนี้วะเนี่ยฮะ <Hey. S 2> เซียนโลเอ่ยต่อไปว่าข้าจะเสกให้พวกเจา้ากลับไปเกาถังเสียเดี๋ยวนี้เลยจะว่ายังไงล่ะทั้งสามเข้าเต่าไตจงพูดกับตัวเองว่าท่านเซียนโหลผูดนี้มีฤทธิ์วิเศษกว่ายันท่องทางของเราเสอีกเซียนโลสั่งสามมณีนให้ไปเอาผ้ายันออกมาสามผืนไตจงถามขึ้นว่า ท่านเซียนจะส่งเราไปเกาถังอย่างไรหรือขอรับช่วยแจ้งให้ข้าน้อยทราบด้วยเซียนผู้นั้นลุกขึ้นแล้วพูดว่าตามข้ามาสิจะนั่งอยู่ดูดกาแฟก็๊บกุบๆทำไมกันล่ะฮะมาตามมาทั้งหมดออกจากหอตรงไปยังแง่หินบนหน้าผาสูงแห่งหนึ่งแล้วเอาผ้ายันสีแดงปูลงกับพื้นเอาเจ้าผู้ไร้มนตินก้าวขึ้นไปยืนบนนั้น ก้องซุนขึ้นไปยืนบนพ้ายันทั้งสองขาเสียนโลชูแขนเสื้อยาวขึ้นเหนือหัวโบกสะบัดแล้วร้องขึ้นว่าขึ้นยันผืนนั้นพันเปลี่ยนเป็นเมฆสีแดงลอยขึ้นไปในอากาศสูงจากยอดเขาขึ้นไปสัก200สองศอกเห็นจะได้เฮ้ยหยุดเสียนโหลตะโกนเมฆแดงก้อนนั้นก็ค้างเติ่งอยู่บนอากาศต่อมาก็กางพ้ายันสีน้ำเงินออกให้ไต้จงขึ้นไปยืนเพาะสั่งว่าขึ้น ยันก็เปลี่ยนเป็นเมฆสีน้ำเงินลอยขึ้นไปจนได้ระดับเดียวกับเมฆสีแดงก้อนเมฆสองก้อนขนาดกว้างยาวเท่าผ้าปูที่นอนก็ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้ารี่ขุยแง้มมองปากอ้าตาถลนท่านเซียนโลเอายันสีขาวปูลงบนแง่หินและสั่งให้รี่ขุยขึ้นไปยืนสลาตันดำรี่ขุยยิ้มยิ้มและพูดว่าเฮ้ยนี่ไม่ตลกนะขอรับถ้าเพื่อตกลงมาหัวคงผูดแน่แน่ เซียนโลถามว่าเขาก็เห็นคนทั้งสองแล้วไม่ใช่หรือลีขุยก้าวขึ้นไปยืนบนยันเซียนโลก็ร้องว่าขึ้นผ้ายันผืนนั้นก็กลายเป็นเมฆสีขาวแล้วเริ่มลอยขึ้นลีขุยร้องว่าไ อ, ไอ้ยาไอ้ของข้ามันโค้งปล่อยข้าลงนะเฮ้ยเซียนโลยกมือขวาโบกเมฆสีแดงกับสีน้ำเงินก็ลอยลงสู่พื้นใต้จงโคกศีรษะ แล้วไปยืนข้างๆเซียนโล่ทางด้านขวากงซุนไปยืนทางด้านซ้ายฝ่ายลี่ขุยก็ร้องแรกแหกกระเชิงอยู่ข้างบนเฮ้ย hey, ข้าต้องขี่เยี่ยวเหมือนคนอื่นๆเขาเช่นเดียวกันนะขอรับหากท่านไม่ให้ข้าลงไประวังข้าจะขี่รถหัวท่านจากบนนี้นี่แหละเฮ้ย hey. เซียนโหล่ร้องถามขึ้นว่ า, าเป็นคนปลีกวิเวกหนีจากทางโลกมาแล้วไม่เคยคิดร้ายต่อเจ้า เหตุฉันไหนคืนก่อนจึงเปีนกำแพงเข้ามาเอาขวานจามค่าล่ะฮะ ห, หากคุณนัาทำความดีไม่คุม้มเจ้าคงค่าค่าไปแล้วแถมยังสังหารสัมาในน้อยข่าอีกตังหากเฮ้ยบัดซบจริงจริงลีคุยแก้ตัวว่าโอ้ท่านอาจารย์ไม่ใช่ข้าดอกท่านจำคนผิดซะแล้วซีนโนโหัวเราะแล้วพูดว่า <laughs> ความจริงแม้ที่เจ้าฝันจะเป็นเพียงน้ำเต้าสองลูกและความประสงค์ของเจ้านั้นบาปหนาสาหัสข้าจะต้องให้เจ้าไปชิมรสทุกหนูสักทีว่าพางก็บอกฝ่ามือไปลมสกปรกหอบหนึ่งก็พัดลีขุยไปหาก้อนเมฆทหารพวกศรีรษะด้วยผ้าเหลืองอย่างในวังสองคนโผล่ อ, ออกมาจากไหนก็ไม่ปรากฏเข้าประกบรีขุยไว้ทั้งซ้ายทั้งขวาคว้าแขนจับเอาไว้มั่น ทั้งลมทั้งฝนครวนครางกล้องอยู่ในสองหูลีขุยพ่อมองลงไปยังพื้นเบื้องล่างทั้งบ้านทั้งต้นไม้ลอยเรียบไปด้านหลังอย่างรวดเร็วขาทั้งสองข้างส่งเงินถูกตรึงติดอยู่ในก้อนเมฆลี่ขุยตกใจกลัวจึงขวัญหนีดีฟอตัวสั่น ง, งานงกหลับตาปีไม่อาจบอกได้ว่าตัวมาได้ไกลสักแค่ไหนแล้วท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงครูดพ่อลืมตาก็เห็นว่า ตัวกำลังหล่นใส่หลังคาห้องโถงใหญ่ที่สลาว่าการจังหวัดฉีโจขณะนั้นข้าหลวงหมาซื่อหงกําลังออกวาราชการด้านนอกสลาว่าการมีเจ้าพนัก ง, งานกับคนตระเวนเตะไปมาอยู่มากมายเพราะเห็นร่างกํายำสูงใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าก็พากันตกใจหมาตะกรสั่งไปว่าเฮ้ยไปคุ้มตัวไอ้บัดรซบคนนั้นมาเนี่ทั้งยามรักษาการกับผู้คุมกว่าสิบ รุนเี่ขุยมาข้างหน้าข้าหลวงคาดขันจะถามมาความจริงให้ได้เฮ้ยเอ็ง เ, เป็นใครวะมาจากไหนไอ้ผีร้ายฉันไหนตกลงมาจากฟากฟ้าวะเนี่ยฮะตอนที่ลี่ขุยตกลงมาหัวฟาดพื้นคิ้วแตกงุนงงเกินจะทันตอบข้าหลวงหมาคิดในใจว่าสงสัยมันต้องเป็นพ่อมดหมอผีจึงสั่งให้นําเครื่องลงทันออกมายามมัดลี่ขุยแล้วลากออกไปที่สนามหญ้าในกองผู้หนึ่งเอาเลือดหมาเทใส่หัว อีกคนหนึ่งเอาขี้เยี่ยวมาละเลงตัวลีขุยตั้งแต่หัวจะรดเท้าเต็มปากเต็มจมูกไปสิน้นรีขุยเริ่มอลาวาตเฮ้ยข้าไม่ใช่หมอผีข้าเป็นบ่าวของท่านเสียนโลทุกคนในชีโจล้วนทราบดีว่าเสียนโลเป็นเทพอวาตารจึงลังเลไม่กล้าทุบตีรีขุยต่อนำตัวกลับมาอยู่ต่อหน้าข้าหลวงอีกเจ้าพนักงานผู้หนึ่งกล่าวว่าเฮ้ย ท่านเสียนโล่บำเพ็ญคุณงามความดีจนสําเร็จได้เป็นเทพในพบนี้หากว่าคนผู้นี้เป็นสานุสิทธิ์ผู้หนึ่งของท่านเราก็ไม่พึงเเคียดเขาข้าหลวงหัวเราะแล้วพูดว่า <fiction> อุย้ยข้าอา่านหนังสือหนังหามาเป็นร้อยเป็นพันรู้เช่นเห็นชัดทั้งตํานานเก่าและใหม่แต่ไม่เคยรู้ว่าเทพองค์ใดจะมีสาสนุสิทธิ์เอี้ยงนี้มันผู้นี้ต้องเป็นหมอผีแน่แนะ ทหารโวยมาให้หนักคนเหล่านั้นไม่มีทางเลือกจับลี่ขุยควา่าแล้วโวยเอายังหนักกระทั่งตายมากกว่าเป็นข้าหลวงตะอคอกว่าสารภาพมาว่าจะเป็นหมอผีไอบ้บัดซบเราจะได้หยุดลี่ขุยไม่มีทางเลือกจึงสารภาพออกไปว่าตัวเป็นหมอผีลี่คนรองคือหนักถูกตอกติดคอแล้วถูกจับยัดใส่กรงขังอยู่ร่วมแดนนักโทษที่ถูกตัดสินแล้ว ลีขุยจึงโอส่งไปว่าเฮ้กูนี่หละเว้ยเป็นพีาสา์ขุนทหารองค์รักพิทักษ์องเทพไทยฉันไหนจึงกล้าเอาคือมาใส่คอกูจะกวาดล้างพวกมึงให้สิ้นไปจากเมืองนี้ทั้งยามทั้งผู้คุมต่างรู้จักกิจศัพท์ของท่านเซียนโลว่าเป็นผู้ถึงซึ่งบรรลุจึงเลื่อมใสเคารพศรัทธาเป็นที่ยิ่งประดาคนเหล่านั้นก็มาเรียบเรียงเคียงถามว่า แล้วจริงๆท่านเป็นอะไรแน่หรือขอรับลีคุยตอบว่าเฮ้กูบอกแล้วไงกูเป็นปิศาสตร์ขุนทหารยืนยามรักษาการพิทักษ์องค์เทพไทยเป็นสามุษิทธิ์ของท่านพระครูเซนโลแต่เกิดไปล่วงเกินท่านท่านจึงโยนกูลงมารับโทษทีน่นี่อีกสองสามวันท่านก็คงมาตามเอาไปคืนเฮ้ยว ห, ห, หากพวกมึงไม่เอาเนื้อเอาเล่าออกมาเส้นกูจะสำเร็จโทษพวกมึงกับครอบครัวสิให้เข็ดรบับ แว <Hey! S 2> แล้วแล้วแล้วแล้วแล้ ว, ลวบรรดาผู้คุมขนพองสยองไปทั้งเกล้ารีบเอาเนื้อเอาเหล้ามาเส้นรีขุยเป็นการใหญ่เพราะเห็นว่าอุบายนี้ได้ผลรีขุยก็ว่าไปเสียยกใหญ่พวกที่พากันมาฟังก็ยิ่งกลัวหนักขึ้นรีบไปหาน้ำอุ่นมาให้อาบหาเสื้อผ้าสะอาดสะอาดมาให้ใส่รีขุยคู่อีกว่าเฮ้ hey! หากพวกมึงหวงเนื้อหวงเหล้า กูก็จะบินหนีไปแล้วจะกลับมากำราบพวกมึงให้หนักพวกผู้คุมรีบพากันมาขอโทษขอโพยววรกันให้ขมพูดไปทำไมมีลี่ขุยใช้ชีวิตอยู่ในคุกฉีโจอย่างสมบูรณ์พูนสุขใต้จงทราบเรื่องทั้งหมดนี้จากปากเซียนโลจึงอ้อนวอนขอโทษแทนลี่ขุย เซียนโลให้ใต้จงพมนักเป็นแขกอยู่ในวิหารแล้วสอบถามความเป็นไปในป้อมค่ายใต้จงเล่าให้เซียนโหลทราบในรายละเอียดว่าเจ้าไก่กับท่องเจียงนั้นเปลี่ยนไปได้วยคุณธรรมน้ำมิตรและใจบุญสุนทานเพียงใดจะกระทำกิจอันใดอันใดก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในศีลกินในธรรมไม่เคยทําอันตรายขุนน้าขุนขนางผู้ตรงฉินคนดีมีศีลธรรมลูกผู้กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ผัวผู้ประพฤติดีและเมียที่อยู่ในโอบาสเซียนโลให้ประทับใจยิ่งนัก ไต้จงพำนักอยู่ในวิหารราชสุนยารามอีกห้าวันแต่ละวันก็ขอข้ามาแทนลี่ขุยอยู่ไม่ขาดเสียนโหลเอ่ยขึ้นว่าคนแบบนั้นมีแต่ต้องไล่หนีให้ไปไกลๆอย่าพามันกลับมาด้วยเลยไต้จงตอบว่าเออพระคุณเจ้าไม่เข้าใจดอกขอรับไอ้ลี่ขุยผู้นี้โง่นักไม่รู้จักขนมทำเนียมเหมือนอย่างผู้คนเขาแต่ก็มีดีอยู่หลายอย่างประการแรกมันเป็นคนซื่อตรงคงมัน่น แน่วแน่ไม่วอกแวกวอแวะอะไรกับใครเขาประการที่สองมันไม่เคยคิดเลียแข้งเลขาผู้ใดแต่ลองให้ซื่อตรงจงรักภักดีต่อใครก็มั่นคงไปจนตายจากกันประการที่ส ม, มันไม่มักมากในกามไม่โลกโมโทสันหรือทรยศคดโกงใครแต่ถ้าว่าใจกล้าบ้าบินด้วยเหตุนี้พี่ทรงเจียงจึงได้รักมันนักข้าน้อยคงเข้าหน้าพี่ทรงไม่ได้หากไม่พามันกลับไปด้วย เซียนโลหัวเราะและพูดว่าข้าเข้าชานรู้การข้างหน้าแล้วว่ามันเป็นดาวบนสวรรค์เป็นเพราะคนจํานวนมากบนโลกนี้ทําชั่วช้าฟ้าจึงส่งมันมาลงทันแล้วเหตุฉันไหนข้าจะอาจหานไปฝืนลิขิตไทยทานทําร้ายคนอย่างนั้นข้าเพียงใค่จะเหลามันลงสักหน่อยแล้วเจ้าค่อยไปพามันกลับใต้จงขอบพระคุณเสียนโลก็เอ่ยขึ้นว่า อา้าวมีทหารผู้ใดอยู่บ้างลมลูกหนึ่งก็ควงสวรรค์พัดติ้วเป็นวงอยู่นอกหอสนกระเรียนพะสงบนักรบพวกพะเหลืองอย่างในวังผู้หนึ่งก็ก้าวออกมาข้างหน้าแล้วคำนับท่านอาจารย์มีอะไรจะสั่งหรือขอรับเอาเจ้าไปพาคนคนนั้นกลับจากคุกฉีโจได้แล้วมันใช้โทษไปหมดแล้วรีบไปรีบกลับมาโดยไวล่ะเฮ้ย ถ้าหารผู้นั้นรับคำอย่างนอบน้อมไม่ถึงครึ่งช่วยยามก็โยนลี่ขุยลงมาแต่จงรีบเข้าไปช่วยพยุงแล้วร้องทักขึ้นว่าโอ้โหหายไปอยู่ไหนมาสองสองวันแล้วเนี่ยน้องพี่พอลี่ขุยเห็นเซียนโลพระครูผู้พิเศษก็รีบโคกศีรษะอยู่ปลกปลกเฮ้ยท่านพ่อขอรับข้าน้อยไม่กล้าล่วงเกินอะไรอีกแล้วขอรับเซียนโลจึงสอนว่าทอจากนี้ไป เจ้าต้องรู้จักข่มโทษะของตนให้ได้จงใส่ใจมั่นประิบัิ ร, รับใช้ท่านทรงเจียงขจัดความคิดเลวร้ายออกไปจากหัวให้สิน้นลี่ขุยโคกศิษะคําคำนับรับคำอีกแล้วพูดว่าโอ้พระคุณเจ้าเปรียบเหมือนพ่อเหมือนแม่ฉันไหนข้าจะกล้าไม่เชื่อฟังคำสั่งอย่างไรได้ขอรับใต้จงย้าอีกว่าหลายวันมานี้ตัวเจ้าไปไหนลี่ขุยตอบว่า เมื่อวันก่อนลมลูกนั้นหอบข่าไปตกใส่หลังคาว่าการเมืองฉีโจเพราะข้ากลิ้งลงไปถึงพื้นพวกนั้นก็กรู้เข้ามาจับข่าพาไปหาเจ้าเมืองบัตรซอบผู้นั้นมันหาว่าข่าเป็นหมอผีจึงสั่งทุบตีแล้วสั่งให้ผู้คุมเอาเลือดหมาไหลขี้เยี่ยวมารถหัวรถตัวแล้วทับข่าโบยจนขาเละเป็นวุ้นไปหมดเอาคือมาใส่แล้วถีบข่าใส่กรงขัง <c oughs> และพวกมันในคุกก็ถามข้าว่าท่านเป็นผีในทหารผู้ใดจึงได้ตกลงมาจากฟากฟ้าเช่นนี้ข้าจึงบอกว่าข้าเป็นคนใช้คนสนิทของท่านเซียนโลและเป็นในทหารผู้พิทักษ์เทพไทยเพราะไปบังอาจทำเรื่องผิดพลาดจึงถูกไล่มารับทุกสักสองสามวันแม้จะถูกตีนิดหน่อยแต่ข้าก็มีเนื้อมีเล่ากินอย่างเหลือเฟือไอ้บัตรซบพวกนั้นกลัวท่านเสียนจนหอจึงยอมให้ข้าอาบน้าถัดเสื้อผ้า แล้วพวกมันก็เอาเล่าเอาเนื้อออกมาเส้นไหวพอดีนักรบพวกผ้าเหลืองผู้หนึ่งกระโดดลงมาจากท้องฟ้าง้างคือออกแล้วบอกให้หลับตาก็รู้สึกดังว่ากำลังฝันกระทั่งหล่นปุ๊บลงมาที่นี่แหละขอรับกงสุนอธิบายว่าท่านอาจารย์มีทาหารแบบนี้นะับเป็นพันๆ พ, พ, พวกนั้นล้วนเป็นคนใช้ของท่านทั้งสิน้นรีขุยให้ละล่ำละลักว่าโอ้ท่านพระพุทธเจ้าอวตาร เขตชันไหนไม่บอกข้าก่อนจะได้ไม่ทำโง่ๆอย่างนั้นอีกแล้วก็รีบคคกศีรษะอีกรอบหนึ่งไต้จงรีบคุกเข่าลงบ้างแล้วพูดว่า mm. ข้ออยู่ที่นี่มาก็นานนักหนาแล้วสภาพศึกที่เกาถังก็ให้อับจนนักโปรดกรุณาด้วยเถิดพระคุณเจ้าอนุญาตให้อาจารย์กงซุนไปช่วยท่านส่งเจียงพร้อมกับเราด้วยเถิดเจ้าข้าหลังจากทลายไอ้เกาเหลียนลงได้เราจะรีบคุ้มกันพาท่านมาส่งขอรับ เซียนโลจึงพูดว่าแต่ก่อนข้าคัดคาดไม่ให้เขาไปแต่เพราะความจงรักภักดีที่สูงส่งของพวกเจ้าข้าจึงอนุญาตให้เขาไปอีกสักเที่ยวแต่ก่อนอื่นข้ามีอะไรจะบอกจงจำเอาไว้ดีนะกงซุนก้าออกไปแล้วคุกเข่าลงรับคำสั่งเอามาใส่หัวก็จริงดังว่ามหาบุรุษผู้นี้เปลี่ยด้วยแรงปรารถนาจะดับโศกให้โลกคลาย ท่านผู้เป็นพระครูเหมาะกับตำแหน่งสูงส่งตรงกับสถานภาพอาภิมุติแล้วท่านเซียนโลพระครูผู้วิเศษบอกเหตุอันใดแก่กองซุนเชงฟังบทต่อไปหากว่าอยากรู้ท่านพ่อขอรับข้าน้อยไม่กล้าล่วงเกินอะไรอีกแล้วขอรับเซียนโลจึงสอนว่าต่อจากนี้ไปเจ้าต้องรู้จักข่มโทสะของตนให้ได้ จงใส่ใจมั่นประนิบัติรับใช้ท่านทรงเจียงขัดขัดความคิดเลวร้ายออกไปจากหัวให้สิน้นลี่ขุยโคกศีษะคำนับรับคำอีกแล้วพูดว่าโอ้พระขุนเจ้าเปรียบเหมือนพ่อเหมือนแม่ฉันไหนข้าจะกล้าไม่เชื่อฟังคำสั่งอย่างไรได้ขอรับใต้จงย้ำอีกว่าหลายวันมานี้ตัวเจ้าไปไหนลี่ขุยตอบว่า เมื่อวันก่อนลมลูกนั้นหอบข่าไปตกใส่หลังคาว่าการเมืองฉีโจพราะข้ากลิ้งลงไปถึงพื้นพวกนั้นก็รูเข้ามาจับข่าพาไปหาเจ้าเมืองบัตซอบผู้นั้นมันหาว่าข่าเป็นหมอผีจึงสั่งทุบตีแล้วสั่งให้ผู้คุมเอาเลือดหมาไหลขี้เยี่ยวมารถหัวรถตัวแล้วจับข่าโบยจนขาและเป็นวุ้นไปหมดเอาคือมาใส่แล้วถีบข่าใส่กรงขังแล้วพวกมันในคุกก็ถามข่าว่า ท่านเป็นผีในาทหารผู้ใดจึงได้ตกลงมาจากฟากฟ้าเช่นนี้ข้าจึงบอกว่าข้าเป็นคนใช้คนสนิทของท่านเสียนโลและเป็นในาทหารผู้พิทักษ์เทพไทยเพราะไปบังอาจทําเรื่องผิดพลาดจึงถูกไล่มารับทุกสักสองสามวันแม้จะถูกตีนิดห่อยแต่ข้าก็มีเนื้อมีเล้ากินอย่างเหลือเฟือไอ้บัตรซบพวกนั้นกลัวท่านเสียนจนหอจึงยอมให้ข้าอาบน้ําถัดเสื้อผ้าและพวกมันก็เอาเล้าเอาเนื้อออกมาเส้นไหว พอ ด, ดีนักรบพวกผ้าเหลืองผู้หนึ่งกระโดดลงมาจากท้องฟ้าง้างคือออกแล้วบอกให้หลับตาก็รู้สึกดังว่ากำลังฝันกระทั่งหล่นปุ๊บลงมาที่นี่แหละขอรับกองซุนอธิบายว่าท่านอาจารย์มีทาหารแบบนี้นะับเป็นพันๆ พ, พ, พวกนั้นล้วนเป็นคนใช้ของท่านทั้งสิน้นนี่คุยให้ละล่ำละลักว่าโอ้ท่านพระพุทธเจ้าอวตารเหตุฉันไหนไม่บอกข้าก่อน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 แต่ก่อนข้าคัดค้านไม่ให้เขาไปแต่เพราะความจงรักภักดีที่สูงส่งของพวกเจา้าข้าจึงอนุญาตให้เขาไปอีกสักเที่ยวแต่ก่อนอื่นข้ามีอะไรจะบอกจงจำเอาไว้ดีนะกงซุนก้าออกไปแล้วคุกเข่าลงรับคำสั่งเอามาใส่หัวเซียนโลเอ่ยขึ้นว่าน้องเพื่อนอัญเวทมนต์ที่เจ้าเรียนก็เป็นสิ่งเดียวกับของข้าหลวงเขาเหรียญนั่นแหละ แต่ตอนนี้อาจารย์จะสอนมนุ์อีกบทสำหรับเรียกอาุนีบาททั้งห้าให้เจ้าเอาไปช่วยท่านทรงเจียงพิทักษ์แผ่นดินบกปักรักษาอาณาประชาราชให้อยู่เย็นเป็นสุขและประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับลิขิตแห่งสวรรค์อาจารย์จะดูแลพอแก่แม่เท่าให้เจ้าเองวางใจเถิดเจ้านั้นเป็นหนึ่งในดาวสวรรค์ก็เพราะเหตุฉนั้นอาจารย์จึงยอมอนุญาตให้เจ้าไปช่วยท่านทรงเจียงอีกสักครั้ง จงพิทักษ์รักษาคุณหางความดีที่เจ้าร่ำเรียนมายับร่อยให้ความคิดวิจานทยานอยากชักพาออกนอกลู่นอกทางไม่ฉะนั้นจะถูกมัวเมาให้หันเหออกไปจากขนทางแห่งวิถีได้กองสุนชิงคุกเข่ารับการถ่ายทอดแล้วพร้อมด้วยใต้จงกับลี่ขุยอำลาท่านเซียนโลกับบรรดาเพื่อนนักพรตทั้งหลายลงเขากลับมาบ้านเก็บรวบรวมกระบีค่คู่หมวกเหล็กเสื้อคลุมนักรต กล่าวอำลลามานดาแล้วจากขบเขาเดินไปตามถนนที่คดเคี้ยวพอเดินไปได้ราวสา4สิบสี่สิบลี้ต่จงก็กล่าวแก่กองซุนเชงว่าข้าจะล่วงหน้าไปรายงานท่านพี่ส่งเจียงก่อนท่านอาจารย์กับลี่ขุยตามทางหลวงเส้นนี้ไปกันเองนะขอรับแล้วข้าจะย้อนกลับมารับทีหลังกองซุนเอ่ยขึ้นว่า เ อ, อก็อดีเชิญท่านไปเถิดพวกเราจะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไตจงหันมากำชับลีขุยว่าเจ้าดูแลท่านอาจารย์ให้ดีนะหากมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เฮ้ยข้าจะเล่นงานเจ้าให้เต็มที่เลยคอยดูสิสลาตันดำตอบว่าโอ้ยก็ท่านอาจารย์รู้เวทมนต์เช่นเดียวกับท่านเสียนโล แล้วมันพูดไหจะไปกล้าวอแวเล่าวุ้ยใต้จงเอายันผูกขาเป่าคาถาท่องทางแล้วโลดลิ้วจากไปกงซุนเชงกับลี่ขุยเดินไปตามถนนใหญ่ทิ้งเขาเซียนคู่กับตะบนจิวกงเอาไว้เบื้องหลังพอตกค่ำก็เข้าพักโรงเตี้ยมสลาตันดำยังให้ประวัติฤทธิเดชของเซียนโหลไม่หายจึงปฏิบัติพัฒวีกงซุนเชงอย่างนอบนอบ สะกดกลั้นความหุนหันพลันแล่นของตนเองเอาไว้อย่างมิดชิดพอวันที่สามของการเดินทางทั้งสองก็ไปถึงเมืองบู ก, กังที่ผู้คนจอแใจแน่นขนาดกองซุนเชงเสนอขึ้นว่าสองสามวันหังมา น, นี้ให้เหน็ดเหนื่อยนักเราพักกินเหล้ากับอาหารแล้วค่อยไปต่อกันเถิดลี่ขุยบอกว่าแดีขอรับ ทั้งสองเห็นโรงเตี๊ยมหลังหนึ่งตั้งอยู่ข้างป้อมยามข้างทางจึงเดินเข้าไปกองซุนเชงนั่งลงตรงหัวโตะเลี่ยขุยแกะห่อของที่ผูกเสีเอวออกนั่งลงตรงข้ามทั้งสองสั่งเหล้ากับของขบเคี้ยวที่เป็นผักกองซุนถามบริกรว่าโอ้เจ้าไม่มันโถ ท, ที่ไม่เข้าเนื้อหรือไม่ล่ะฮะบริกรผู้นั้นตอบว่าอ๋อไม่มีหรอกขอรับมีแต่เหล้ากับเนื้อ แต่เท่าว่าเมืองนี้มีอยู่ร้านหนึ่งที่ประตูเมืองขายแป้งหนึ่งเข้าลูกจ้อขอรับลี่ขุยพอได้ยินดังนั้นก็พูดขึ้นว่าท่านอาจารย์ข้าจะออกไปซื้อมาให้อาจารย์เองครับหยิบเศษเงินออกจากย่ามแล้วบ่ายหน้าเข้าเมืองไปซื้อแป้งหนึ่งพอซื้อเสร็จขณะกาลังเดินกลับก็ให้อเผอิญได้ยินเสียงฮือฮาของผู้คนที่แสดงความชื่นช ม, มยอดเยี่ยบยอดเยี่ยบ ใช่ ใ, ใ่แม่ยอด ย, ยอดเลยไม่เคยเห็นใครทําได้ขนาดนี้มาก่อนเลยฮยิ้เลี้ยขุยมองออกไปประดาฝูงชนก็พากันล้อมวงรอบๆตัวชายรูปร่างใหญ่ผู้หนึ่งที่กําลังใช้มือไล่รำตลุมพกเด็กส่งลูกฟักทองขนาดใหญ่เต้าหนึ่ง <c oughs> บุรุษผู้นั้นสูงใหญ่ใบหน้าด่างไปหลุมๆด้วยแผลเป็นจากฝีดาษปลายจมูกผ่าเป็นร่องลึก <c oughs> ลี้ขุยกะเอวยสายตาคะเนว่า ตะลุมพุกเท่านั้นน่าจะหนักไม่ต่ำกว่าสาชสิช่างเลยทีเดียวชายผู้นั้นจับมันควงแล้วฟาดใส่หินปูพื้นไม้หนึ่งสิลาแผ่นนั้นก็แหลกจับลงเป็นผุยผงปูงชนส่งเสียงร้องให้กำลังใจโอ้โหสุดยอดสุดยอดยิ้วหายใจแล้วโอ้ยเยี่ยบเลยเยี่ยบเลยยิ้ว สุดที่ลี่ขุยจะอดรนทนไหวก็ออกแป้งหนึงงยักใส่อกเสือ้อยื่นมือไปคว้าตกลงพุกใหญ่อันนั้นเฮ้ยใครวะมาจากไหนเหตุไดจึงกล้ามาถือตกลงพุกข้าชายผู้นั้นตะโกนขึ้นลี่ขุยตอบว่าอุย้ยการเล่นปาหีเรียกเสียงปรบมือฉันนี้บาดตาขนักข้าจะแสดงให้คนพวกนี้ได้ดูเป็นตัวอย่างว่าของจริงควรจะเป็นเช่นไรดู เอาเลยเอาเลยยกขึ้นสิถ้าเองดวงไม่ดีนะนะข้าจะตบกระโหลกให้เล่หุยหยิบตะลงพุกขึ้นใช้ข้อมือกวัดแกว่งไปมาเสมือนเด็กควงง่ามหนังสติกพอกวัดแกว่งไปมาอยู่สักพักก็ค่อยๆวางลงไม่มีหอบเหนื่อยหัวใจเต้นเป็นปกติธรรมดาสีหน้าเรียบเฉยบุรุษผู้นั้นพอเห็นก็คุกลงบนเข่าแล้วเขาเต่าแล้วพูดว่า ขอทราบน้ําท่านด้วยพี่ใหญ่สล่าตันดําถามขึ้นว่าท่านอาศัยอยู่แถวนี้หรือไรชายผู้นั้นตอบว่าอ๋ขอข้างน้านี่เองขอรับชายผู้นั้นพาลี่ขุยไปที่พํา น, นักของตัวเชื้อเชิญให้ลี่ขุยเข้าไปนั่งในบ้านพอลี่ขุยเข้าไปก็เห็นแท่งเหล็กค้อนเตาสูบลมคีมเหล็กเหล็กซิวและเหล็กเขีย่ยไฟลี่ขุยคิดในใจว่า ไม่มันต้องเป็นช่างตีเหล็กแน่ๆเพรอะข่ายกำลังต้องการคนแบบนี้อยู่พอดีทำไมไม่ชวนไปร่วมเสียด้วยกันเลยเล่าฮ <c oughs> ไม่ความคิดค้านี่ดีจริงๆว่าเฮ้ยลีคุยถามขึ้นดนังๆว่าท่านมีนามว่าอ ะ, ะไรหรือขอรับชายผู้นั้นตอบว่าพ่อทัองหลงมิดาเป็นขุนทหารประจำด่านเย็ยนอันเพราะเป็นช่างตีเหล็กชั้นเยี่ยมจึงขึ้นตรงต่อท่านขุนพลจงผู้เท่า บิดาเพิ่งจะสิ้นบุญไปได้ไม่นานนี้เองเราขอรับตอนนี้ข้ามาตีเหล็กหาเลี้ยงเชี่ยบอยู่ที่นี่เป็นการชั่วคราวแต่ใจจริงนั้นรักแต่วรยุทธก็เพราะข้าได้แผลเป็นจากฝีดา ษ, ษ, ษไปทั่วทั้งตัวผู้คนจึงตั้งสมัยาน้ำให้ว่าเสื้อดาวดวงทองพี่ท่านขอทราบนามท่านด้วยขอรับฮ่ฮ่าฮ่ฮ่เฮ้ยข้าลีขุยฉายาสลาตันดำแห่งชมรมเขาเหลยงซาน ทั้งหลงโคกศีรษะให้สองครั้งแล้วพูดว่าฮะข้าได้ยินกิติศัพท์ของท่านมานานนักหนอะใครจะไปรู้ว่าจะได้มาพบกันในวันไหน้ลี่ขุยจึงว่าหากท่านยังขืนอยู่ที่นี่ต่อไปชีวิตของลืมตาอ้าปากไม่ไหวจะไปไหนก็ไปไม่ได้ไกลไปกับข้าไปร่วมกับพวกเราที่เขาเหลียงซานดีกว่าเราจะให้ท่านเป็นหัวหน้าผู้หนึ่งสนใจไหละ่ะฮะทั้งหลงทั้งหลงพูดขึ้นว่า หากท่านพี่ไม่ดูมินทินแครนพาข้าไปด้วยข้ายินดีจะเป็นตะพุ่มยาหมาให้ท่านว่าแล้วก็สถาบานเป็นพี่น้องให้สลาตันดําเป็นพี่ใหญ่ทั้งหลงเอ่ยขึ้นว่าที่บ้านนี้ไม่มีพี่น้องอื่นๆที่จะมาบันเทิงท่านแต่ข้าจะขอเส้นความเป็นพี่น้องด้วยสุราพื้นบ้านสักสามจอกคืนนี้ท่านจงพักที่นี่เถิดรุ่งเช้าแล้วค่อยออกเดินทางกันลี่ขุยบอกว่า คงจะไม่ได้ดอกทั้งหลวงน้องพี่ข้ามีอาจารย์มาได้ท่านหนึ่งรอข้าออกมาซื้อแป้งหนึ่งอยู่ที่โรงเตียมข้างหน้านูน่นเพราะท่านกินอิ่มแล้วพวกเราต้องรีบไปกันในทันทีโอ้ยท่านทำไมด่วนถึงขนาดนั้นละ่ะฮะลี่คุยตอบว่าอ๋อก็ท่านทรงเจียงพี่ใหญ่ของเรากำลังมีศึกหนักที่จังหวัดเกาถังมีแต่อาจารย์ท่านนี้เท่านั้นที่พอจะช่วยได้ ทั้งหลงถามขึ้นว่าแล้วท่านอาจารย์เป็นใครหรือขอรับวุ้ยอย่าได้ซักไซให้มากกว่าไปเลยเก็บข้าวของแล้วไปกันดีกว่าทั้งหลงรีบเก็บข้าวเก็บของรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือหยิบเงินค่าเดินทางสวมหมวกสกลาดปีกว่างห้อยดาบไว้กับสซเอลช่วยงาวขึ้นมาถือทิ้งข้าวของกระจุกกระจิกและเครื่องเรือนหนัหนกๆเอาไว้ในบ้าน แล้วตามลีขุยไปหาเต้าสือกงซุนเชงที่โรงเตียมกงซุนเชงได้เห็นรีขุยมาจึงซักขึ้นด้วยอารมณ์เสียว่าเฮ้ยที่แล้วมาหายหัวไปไหนวะเนี่ยฮะหากขึ้นปล่อยให้รลอใช่อีกนิดข้าคงจะกลับบ้านไปแล้วกะละมังเฮ้ยรีขุยกลัวเกินจะตอบรีบแนะนำถังหลงแล้วรายงานว่าได้สาบานเป็นพี่น้องกันแล้ว เต้าเสือกองซุนให้ดีใจนักที่รู้ว่าถังหลงเป็นช่างตีเหล็กลี่ขุยเอาแป้งนึ่งเข้าลูกจอออกมากําชับให้บริกรเอาไปอุ่นทั้งสามนั่งดื่มแกล้มกับแป้งนึ่งหลายจอกแล้วชาระเงินถังหลงกับลี่ขุยแบกสัมภาระออกจากเมืองแห่งนั้นตามถนนคดเคี้ยวที่มุ่งไปสู่เกาถังพร้อมกองซุนเฉชง พอทั้งสามทำระยะทางมาได้สองในสามไต่จงก็ย้อนกลับมาพบเต้าสือกองสุนดีใจถามไปว่าการศึกไปอย่างไรพางล่ะฮะไต่จงไต้จงตอบว่าอ้อเก้าเหลียนฟื้นจากแผลธนูแล้วจึงออกจากเมืองมาร้องทารพบอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่พี่ส่งเจียงยังไม่กล้ารับกำลังรอท่านอาจารย์กลับไปอยู่ขอรับเออแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยเอง รี่ขุยแนะนำถังหลงให้ไต่จงได้รู้จักแล้วเล่าเรื่องที่ผ่านมาให้ฟังทั้งสี่รีบตรงไปยังเกาถังราสัก5ห้าลี้ก่อนจะถึงที่ตั้งของฝ่ายตัวก็พบรูปฟางกับโกสิงคุ้มทหารม้าออกมาราดตระเวนทั้งสี่รีบเปลี่ยนเป็นขึ้นมา้าควบตรงไปยังค่ายตอนไปถึงส่งจิ้กับบูหยงรอรับอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายเคารพกันและกันฝ่ายเจ้าบ้านให้ฝ่ายที่เดินทางมาดื่ม ถามสารทุกสุขดิบระหว่างเดินทางแล้วเชิญเข้าไปนั่งในกระโจมบรรชาการบรรดาในโจรทั้งหมดก็เข้ามาแสดงความยินดีที่ได้ตัวเต้าสือทั้งหลงได้รับการแนะนำหลังจากทักทายโอพาปราสายกันเสร็จก็แต่งโตขึ้นเลี้ยงฉลองวันรุ่งขึ้นสุ่งเจี้ยงวูหยงกับกองซุนเชงปรึกษาหารือเรื่องที่จะจัดการกับเกาเหลียนกองซุนเชงเอ่ยขึ้นว่า สั่งให้โจมตีเมืองยังเชิงดูทีสิว่าข้าศึกจะมีปฏิกิริยาเช่นใดข้ามีแผนเตรียมไว้แล้วส่งเจียงผ่านคำสั่งของตนไปยังนายโจรตามค่ายต่างๆคืนนั้นพวกเขาก็นำไพร่พ ล, ลเคลื่อนเข้าประชิดคูเมืองแล้วปักค่ายล้อมไว้โดยรอบพอ ร, รุ่งเช้าทุกคนก็ลุกขึ้นกินอาหารแล้ทหารพากันผูกเกร็ด ส่งเจียงกูหยงกับกองซุนชิงก็ขึ้นมาไปที่แนวหน้าท่ามกลางท่งทิวปลิวสวัยไพ่พลปู่ก้องเสียงคล้องกล่อมย่ำกระนำเข้าใส่กำแพงเมืองคืนก่อนนั้นทหารผู้หนึ่งเข้าไปรายงานเกาเหลียนว่ากองทัพฝ่ายส่งเจียงเคลื่อนเข้ามาประชิดแล้วย่ำนั้นข้าหลวงฝืนจากแผลต้องถนูเป็นปกติพอเช้าขึ้นก็แต่งตัวผูกกราะเปิดประตูเมืองออกไปรยสะพานลง ขี่ม้าพาเทพพลเหินทั้งสามรอพร้อมแม่ทัพในกองคุมทัพหลวงข้ามสะพานมาพอทัพทั้งสองฝ่ายเคลื่อนเครืประจัญหน้ากระทั่งเห็นกองเห็นธงของอีกฝ่ายตรงข้ามได้ถนัดก็เริ่มแปรขบวนค้องกลองย่ําขึ้นดังฟ้าร้องจากฝ่ายท่องเจียงมาอีสิบตัวก็เคลื่อนออกมาข้างหน้าเป็นรูปปี ก, กาปีกซ้ายประกอบด้วยหัวหลงชิ้นหมิงจูถงโอเปงกับรูปฟาง ปีกขวาประกอบด้วยลิ้นชงสุนลี่เตง็งเฟยมาลินและโกเชงในระหว่างแถวทั้งสองแม่ทัพใหญ่ที่เหลืออีกสามคนก็ขี่ม้าเคียงกันออกม า, มาข้างฝ่ายตรงข้ามกรองทองย่ำขึ้นแถวทงเบื้องหน้าแยกออก เกาเหลียนข้าหลวงแห่งเกาถังก็พาไม่ทัพในกองราว30คนขี่ม้าออกมาข้างหน้าหยุดที่แนวธงเแล้วตะโกนด่าออกไปว่าไอ้เสน็จสวะอยู่ในบึงหากมึงคิดอยากจะรบก็มารบกันให้ตายไปข้างหนึ่งผู้ดถอยไม่ใช่ขนจริงใช่ๆเจ้านายเดี๋ยวจะเอาผ้าถุงให้มันใส่ฮึส่งเจียงขคำรามออกไปว่า ผู้ใดจะออกหนะ้าแล้วฟันไอ้สันดาลหมานะั่นหลงเสียหัวโรงงัดหอกขึ้นกระทืบโกลนกระตุ้นหมาวิ่งเรียบไปยังที่ว่างตรงกลางสนามเขาเหลียนร้องขึ้นว่าใครจะจัดการไอ้ถอยผู้นั้นวนะในกองผู้หนึ่งนามว่าเสียหยวนหุยถือดาบโค้งสันหาสองมือควบหมาพ่วงผีขึ้นมาข้างหน้า ทั้งสองรบกันไปได้หลายเพลงหัวหลงก็ชักม้าหนี ไ, ไปแถวทหารของฝ่ายตน<ะ>ผู้กองเสียกค้วมาไล่ตามชูดาบใหญ่ในมือออกไปข้างหน้าในทา่าเตรียมแทงหัวหลงชะลอม้าเทียบเกาทันเข้ากับคันธนูบิดตัวหันหลังกลับอยู่บนอานมา้าแล้วประจงปล่อยเกาทันดอกนั้นให้ดีดออกไป<ะ>ผู้กองเสียหัวขมำคว่มหน้าลงจูบพื้นทั้งสองฝ่ายโหขึ้น <9. S 2> เกาเหลียนกโกรธเอากระบี่เคาะโ ล, ล่สำลตของตนที่ห้อยอยู่บนปุ่มอ่านม้าสามครั้งพายุฝุ่นสีเหลืองก็พรุ่งขึ้นจากแถวทหารเทพพลเหนินบทบางแสงอาทิตย์ท้องฟ้าก็มืดมิดข้าหลวงตะโกนออกมาคำหนึ่งฝูงสัตว์ประหลาดกับเหล่าอสารพิษก็โผล่ออกมาจากพายุประหลาดลูกนั้นกองทัพซ่งเจียงรีบถอยออกมาด้วยความกลัว ตอนนั้นเต้าสือกองซุนเชงดึงกระบี่เก่าตีเลียนแบบกิ่งสนขึ้นมาชี้ไปทางศัตรูท่องมนแล้วตะโกนขึ้นว่าไอ<ป>้บังเกิดเป็นแสงสีทองฉายวาบเข้าใส่กลุ่มเมฆสีเหลืองบรรดาสัตว์พวกนั้นก็ร่วงลงสู่พื้นเห็นเป็นเพียงกระดาษ ธ, ธรรมดาปลิวไปข้างเมฆหมอกเหล่านั้นก็สลายหายไปสิน้น ส่งเจียงชี้แท้ไปข้างหน้าทับทั้งสามก็ด่าหน้าข้าบดขยี้ทับใหญ่ฝ่ายข้าศึกทั้งมา้าทั้งคนทั้กลองทั้งธงแตกระสั่ประสายออกไปไร้ระเบียบเกาเหลียนทิ้งทับใหญ่รีบพาทหารทั้งสามรอหนีเข้าเมืองทับส่งเจียงไล่ตามไปจนถึงตีนกำแพงแต่ตอนนั้นสะพานถูกชักขึ้นไปซะแล้วประตูเมืองนั้นเล่าก็ปิดสนิททั้งส่งทั้งหินถูกซัดคว้างเข้ามาใส่ฝ่ายโจรประดุดหาฝน ส่งเจียงสั่งรวกรองส่งสัญญาณให้ไพร่พลถอยมารวมกันที่ค่ายเมื่อนับจำนวนผู้คนฝ่ายโจรได้ชัยชนะน่าตื่นใจบทขยี้ทัพใหญ่ของเกาถังไม่มีเหลือส่งเจียงเรียกหากองซุนเชงมาที่กระโจมกล่าวสรรเสริญเวทมนต์ที่ขมังนั้นแล้วปูนบำเหน็จรางวัลให้ทัพทั้งสามกองโดยทั่วนหน้า วันรุ่งขึ้นก็แบ่งกำลังออกโจมตีกำแพงเมืองทั้งสี่ด้านกงซุนเชิงกล่าวแก่ซ่งเจียงและวูหยงว่าเ <_ d ata> มื่อเมื่อวานเราทำลายกองทางหารของพวกมันลงไปมากกว่าครึ่งแต่ทาหารกนทั้งสามรอยยังปลอดภัยอยู่ในเมืองเราต้องบดขยี้พวกมันให้หนักเพราะคืนนี้ไอ้ถอยนั่นไม่แพ้วจะยกมาป้น่ายเราพวกเราควรอาศัยความมืดเป็นเครื่องกาลังรีบถอนทาหารออกไป กอนอื่นต้องตั้งแผนเนตดร้อมขึ้นเอาทหารไปซุ่มไว้โดยรอบหากได้ยินเสียงฟ้าผ่าและเห็นไฟลุกขึ้นในค่ายก็กําชับให้พร้อมใจกันบุกกลับเข้าไปในค่ายคำสั่งถูกส่งผ่านพอตกบ่ายพวกเขาก็ถอนตัวจากเมืองกลับมายัางค่ายทําทีเป็นเมาหาเรื่องเล่นสนุกกันให้เป็นที่อึ ก, ก, ะกระึกพอตกมืดก็ค่อยๆแอบย่องออกจากค่ายแล้วซุ่มไว้โดยรอบซ่งเจียงวูหยงกงซุนเชง หัวหงฉินหมิงรู้ฟังกับโกเซิงหลบไปคอยทีอยู่บนที่สูงก็เป็นไปตามคาดพอตกดึกเกาเหลียนเรียกระดมพลเทพเหินทั้งสามร้อยแต่ละคนแบกน้าเต้าเหล็กใส่ดินประสิวกรรมถันและเชื้อดินปืนอื่นๆไว้บนแผ่นหลังทุกคนถือเคียวตะขอติดโซ่เหล็กอมหลอดฟังหวีดสัญญาณเอาไว้ในปากพอได้ยามสองก็เปิดประตูย่อนสะพานลงเดินทับตามเกาเหลียนออกไปปิดท้ายด้วยมา้30มา30บม้า พอใกล้ค่ายฝ่ายโจรเกาหลียนก็อ่านมนหมอกสีดํารยตัวลงมาจากภาคฟ้าลมกันโชควีดก้องร้องครวญครางฮอบเอากรวดหินดินทรายปลิวว่อนทหารกลนทั้ง300้อยก็จุดเชื้อไฟในน้ําเต้าเหล็กเต่าหวีดสัญญาณขึ้นพร้อมกันท่ามกลางความมืดสนิทแสงไฟจากเชื้อปะทุน้ําเต้าจับต้องร่างทหารกลเหล่านั้นขณะที่ถาโถมลงไปในค่ายแกว้งดาบกลายขวานไปมาสว่างจ้าตัดขอบฟ้ามืดมิด เต้าสือกองซุนเชงซุ่มอยู่บนแง่ผาชูกระบี่ขึ้นแล้วบริกรรมคาถาสายฟ้าเส้นหนึ่งก็ฟาดลงใส่ค่ายที่ว่างเปล่าบังเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นพวกทหารกลพากันตกใจต่างท่าจะเพนนีแต่ไปไหนไม่รอดถูกไฟครอกไปทั้งตัวเปลวเพลิงโหมกระพือขึ้นตลบกรบค่ายแสงไฟย้อมฟ้าดินเป็นสีแดงไม่มีที่จะให้หนีไปไหน ไพรพลโจรที่ซุ่มรออยู่ก็ด่าหน้ากันเข้าล้อมพเนียดกนข้างนอกนั้นเมื่อสนิทแต่พอมองเข้าไปในค่ายที่ติดไฟก็เห็นได้ชัดถนัดตาทหารกลทั้งสามร้อยไม่มีใครปล่อยให้เหลือถูกเถือจนไม่รอดเลยแม้แต่คนเดียวเขาเหรียนควบม้าพาทหาร30ม้าหนีไปทางตัวเมืองม้าศึกฝ่ายไล่ตามตัวหนึ่งไล่กวดรถระยะห่างระหว่างม้ากระชั้นเข้าไปเรื่อยๆผู้ขี่อยู่บนหลังหาใช่ใครอื่น นอกจากลิ้นชงหัวเสือดำผู้นั้นนั่นเองตอนเกาเหรียญตะโกนให้ทหารข้างในเรยสะพานลงมานั้นหมาตัวนั้นก็เกือบจะไล่ทันอยู่มารอมารอหมาเบียดหมากระสึกกระสนเบียดแย่งกันหนีเข้าไปในเมืองได้8ปดคนที่เหลือก็ถูกลิ้นชงใส่ด้วยหอกจนเกลื่อนดินจนหมดสิน้นพอลุดเข้าไปในเมืองได้เกาเหรียญก็สั่งการให้พลเรือนขึ้นไปรับมือข้าสึกบนเชิงเทิน เพระเาะจะว่าไปแล้วส่งเจี้ยงกับหลินชงทำลายทหารทั้งกองทัพกับทหารกนอีกทั้งสามร้อยของฝ่ายเกาถังลงไปจนหมดพอรุ่งขึ้นอีกวันกองทัพฝ่ายโจนก็ยังคงล้อมเมืองเอาไว้อย่างเก่าเกาเหลียนคิดในใจว่าเฮ้ย hey, ผู้ไดไปสอนให้มันทำลายเวทมนต์ที่เราุตส่าร่เรียนมาเสียหลายปีไว้นเนี่ยฮะแล้วใ้กูทาอย่างไรดีเล่าฮะเกาเหลียนคิดได้ว่า ตัวควรจะส่งคนไปขอกำลังจากจังหวัดข้างเคียงว่าแล้วก็รีบมีหนังสือไปส่งให้ตงซางกับขวโจเมืองทั้งสองอยู่ไม่ไกลนะักลูกพี่ลูกน้องของเราก็เป็นคนแต่งตั้งข้าหลวงทั้งสองเมืองนั้นคิดว่าพวกมันคงจะส่งทหารมาช่วยเราในทันที <9 S 1> เก้าเหรียญกำชับให้ในทหารสองคนถือหนังสือแล้วส่งออกไปทางประตูด้านทิศตะวันตกทั้งสองรีบควบม้าลงไปตามถนนสายนั้นจนสุดฝีเท้า บรรดาในจนคิดจะไล่กวดแต่วูยงห้ามไว้ปล่อยให้พวกมันไปเถิดเราจะสอนคนตลบหลังมันเอาที่หลังเฮ้ยส่องเจี้ยงจึงถามขึ้นว่าท่านอาจารย์หมายความว่าอย่างไรหรือขอรับวูยงตอบว่าพวกมันในเมืองทั้งเบาวทั้งนายอิดโรยไปสิ้นแล้วจึงได้ส่งคนไปขอความช่วยเหลือเราก็จะใช้กองทัพเราสักสองกองสอนคน ทำทีเป็นกองหนุนยกมาช่วยแซงทําเป็นสู้รบกับพวกเรามาตามทางไอ้เกาเหรียญมันต้องเปิดประตูเมืองออกมาตีกระนาบเราก็จะล่อมันเข้าไปในทางแคบแล้วจับมันเสียเ <laughs> ท่า น, นี้ก็สิ้นเรื่อง <h ây> ส่งเจียงให้ยินดียิ่งนักบัญชาใต้จงให้รีบกลับไประดมทัพสองกองมาจากเขาเหารียญซานกําชับให้ยกแยกกันมา ทุกทกคืนเกาเหลียนสั่งให้จุดไฟกองใหญ่ขึ้นในเมืองเพื่อเป็นแสงนำทางทัพที่จะยกมาช่วยแล้วปีนกําแพงขึ้นไปส่องดูด้วยความหวังหลายวันต่อมาทหารที่เฝ้าเชิงเทินอยู่ก็สังเกตเห็นทัพส่งเจียงเกิดระส่ำระสายทาั้งทั้งที่ไม่ได้ยกมาตีเมืองพ่อเกาเหลียนได้รับรายงานก็รีบแต่งตัวผู้เกราะปีนเชิงเทินขึ้นไปดูก็เห็นกองทัพรีบรุดยกมาสองกองฝุ่นฟุ้งตลบขึ้นกลบฟ้า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 หลายวันต่อมาทหารที่เฝ้าเชิงเทินอยู่ก็สังเกตเห็นทัพส่งเจียงเกิดระส่ำระสายทั้งทั้งที่ไม่ได้ยกมาตีเมืองพ่อเกาเหลี่นได้รับรายงานก็รีบแต่งตัวผู้เกราะปีนเชิงเทินขึ้นไปดูก็เห็นกองทัพรีบรุดยกมาสองกองฝุ่นฟุ้งตลบขึ้นกลกฟ้าส่งเสียงร้องกู่ก้องปานสวรรค์จะถลม่มบรรดาทัพโจรที่ล้อมเมืองอยู่ก็แตกหนี เมื่อมั่นใจว่าทับหนุนฝ่ายตัวมาเกาเหลียงก็เรียกระดมพลเปิดประตูเมืองนั่ทับตีฝ่าออกไปหมายจะให้เป็นศึกกระหนาบ<ไ>พ่อเกาเหลียงควบมาถึงทับส่งเจียง<ไ>ก็เห็นในโจรใหญ่พร้อมด้วยหัวหงกับฉินหมิงควบมา้าหนีไปตามทางแคบๆเกาเหลียงกับคนของตน<ไ>ก็ควบม้าไล่ขวดติดตามเข้าไปในโตกเขา ข, ข้างๆ<ไ>ทันใดนั้นหูก็ได้ยินเสียงปืนใหญ่ลั่นตูมหนึ่งใจก็นึกระแวงจึงวกม้ากลับ ชับพลันเสียงของสัญญาณก็ดังประคมลงมาจากไหลเขาที่ขนาบเส้นทางทั้งสองฝั่งจากไหลเขาเบื้องขวาเป็นลูกฟางส่วนไหลทางซ้ายเป็นโกเซงิงนำคนมาด้วยคนละห้าร้อยเก้าเหลี่ยนรีบควบมา้าหนีทหารพิทักษ์ทั้งซ้ายขวาล้วนค่อยๆถูกรีบไปจนหมดสิน้นพอขยโยกม้าไปจนถึงตีนกำแพงเมืองก็เห็นทหารส่งเจียงขึ้นไปโบกธงทิวบนเชิงเทินให้พรึกครับ มองไปทางไหนก็ไม่เห็นกองหนุนจากไหนมาเลยแม้แต่คนเดียวเกาเหลียนหอบไพล่ผลที่กระปรกกระเปียสอกซอนย้อนกลับไปทางเทือกเขาพอไปได้สักสิบลี้คนกับม้ามูหนึ่งนำโดยซุนลี่ก็โ p r o b วดออกมาจากเหลี่ยมเขาเข้าขวางทางเอาไว้กู้พันซุนตะวัดกล้องว่าเฮ้ยกูมารอมึงอยู่นานแล้วรีบลงมา้ามาให้มัดเส็นแต่โดยดีเฮ้ย เกาเหลียนหันหลังกลับแต่แล้วก็มีท ห, หารอีกหน่วยหนึ่งนำโดยจูถงโผล่ออกมาตัดทางที่เพิ่งผ่านมาทัพทั้งสองเริ่มบีบเข้าหากันเกาเหลียนไม่มีทางหนีจึงกระโดดลงมา้าวิ่งเข้าไปข้างทางตะ ก, กายภูเขาหนีพูกท ห, หารที่มาด้วยก็ลนลานตามไปเก้าเหลียนตะลีตะเหลือกไรรมนตะโกนไปว่าคุณเมกสีดำกลุ่มหนึ่ง ก็หอบเอาเกาเหลียนขึ้นจากพื้นลอยขึ้นไปในระดับยอดเขากงซุนอ้อมสันเขามาเห็นเข้าก็ทำปากขมบขมิบแล้วตะโกนขึ้นว่าปอยพรางเอากระบี่ชี้หน้าเกาเหลียนถูกกระแทกตกจากก้อนเมฆเลยเห็นกระโจนม้าออกมาจากข้างทางวาดห้าวออกไปเพียงฉับตัวเกาเหลียนก็ถูกสับเป็นสองท่อนเฮยมึงตายกู พอทั <unlucky> ้งหมดลงจากเขาเลยเห็นก็หิ้วหัวเกาเหลียนมาด้วยพนเดินสารผู้หนึ่งเข้าไปรายงานส่งเจียงถึงข่าวชัยชนะส่งเจียงก็ถอนการโอบล้อมเมืองแล้วยาตราทับเข้าไปในเกาถังสั่งห้ามไม่ให้ผู้ใดทําร้ายชาวบ้านร้านถิ่นเอาป้ายคำสั่งห้ามออกไปติดตามแยกต่างๆในตัวเมืองจนหมดสิ้นสั่งให้ไพร่พลเคารพในชีวิตและทรัพย์สินราษฎร แล้วรีบเข้าไปค้นหาท่านชายใช้ในคุกทั้งพสเดีผู้คุมและยามรักษาการต่างหายหัวไปจนหมดสิน้นเหลือเพียงนักโทษ ร, ราวห้าสิบคนยังคงอยู่ครบพวกเขาจึงช่วยกันปลดโซ่ตัวออกจนสิน้นแต่หายังไงยังไงก็ไม่พบท่านชายใช้ส่งเจียงทั้งกังวลและโฉะนสนเท่ในที่สุดก็ไปพบครอบครัวอากับครอบครัวของท่านชายที่ถูกจับจัด ก, กังโจเอามาขังไว้ที่นี่แต่เพราะการสู้รบยังติดพันจึงยังไม่ทันได้สอบสวน มีเพียงตัวท่านชายเท่านั้นที่หายไปปู่ยงเรียกพัสดีและผู้คุมมาสอบถามหนึ่งในนั้นบอกว่าข้ามีนามว่าลินเหรินเป็นพัสดีที่นี่ข้าหลวงเกาสั่งให้ข้าแยกท่านชายใช้จิ้นออกไปขังเดียวจะได้ไม่คิดแหกคุกแล้วสั่งความว่าหากโชคไม่เป็นใจกับฝ่ายเราก็ให้ข้าเสียเมื่อสามวันก่อนก็มาสั่งให้ข้าเอาท่านชายใช้ไปประหารแต่ข้าเห็นว่าท่านเป็นคนดีจึงไม่มีเกียรใจจะทําอะไร พวงเวลาเอาไว้แซงบอกไปว่าเขาป่วยหนักตายไปแล้วแปดในสิบไม่จําเป็นต้องทําถึงขั้นนั้นดอกแต่พวกนั้นหายยอมไม่กดดันข้าใหญ่ข้าเลยรายงานขึ้นไปว่าใช้จิ้นตายแล้วข้าหลวงมัวยุ่งอยู่กับการรบไม่มีเวลามาตรวจสอบแต่ข้าก็เกรงว่าเขาจะส่งคนอื่นมาดูถ้าเจอข้าก็ต้องไปแทนเขาดังนั้นวานนี้ข้าเลยพาท่านชายไปที่บ่อน้ําแห้งหลังคก ถอดตรวนให้แล้วโยนลงไปซ่อนไว้ในนั้นตอนนี้ข้าเองก็ไม่แน่ใจว่าท่านยังอยู่หรือว่าไปซะแล้วส่งเจี้ยงเรียบให้หลินเหรินพาไปยังบ่อน้ำแห่งนั้นจ้องมองลงไปในตัวบ่อที่มืดสนิทค้นเนความลึกไม่ได้ครั้นตะโกนลงไปก็ไม่มีเสียงขาน ร, รับจึงหย่อนเชือกลงไปจนถึงก้นบ่อพอชักขึ้นมาก็วัดได้เก้าสิบสอง ส่งเจียงเอ่ยน้ำตาเริ่มไหลาอาบหน้าว่าดูเหมือนว่าท่านชายจะไม่อยู่เสแล้วอูว๋ยงเตือนว่าท่านแม่ทัพอย่าได้ยอมแพ้ ง, ง่ายๆสิขอรับเรายังไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จจนกว่าจะส่งคนลงไปดูให้แน่คำพูดดังกล่าวยังไม่ทันจะสิ้นกระแสความสลาตันดำรีขวี่ก็สืบเท้าออกมาข้างหน้าแล้วตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยข้าเองขอรับ ส่งเจียงเอ่ยขึ้นว่านี่เจ้าเป็นคนที่พาท่านมาติดกับสมควรแล้วที่จะต้องทดแทนพระคุณลี่ขุยหัวเราะแล้วพูดว่าข้าไม่กลัวที่จะต้องลงไปดอกอย่าตัดเชือกก็แล้วกันอู๋หยงเตือนว่าอย่าได้ตลกไปพวกเขาเอาเชือกเส้นยาวผูกเข้ากับเข่งใบใหญ่ตั้งเสาเอาไว้เหนือปากหลุมเอาเชือกโยนพาดเสา บนเชือกเหนือเข่งผูกกระพวนทองแดงเอาไว้สองสามลูกลีดขุยเปลือยลงไปถึงเสีเอวเน็บขวานคู่ขึ้นไปนั่งอยู่บนเข่งก่อนที่เข่งจะถูกโรยลงไปที่ก้นบ่อในไม่ช้าเข่งใบนั้นก็ค่อยๆถูกย่อนลงไปจนถึงพื้นลีดขุยคลานออกจากเข่งยื่นขวานออกไปสัมผัสแตะๆอย่างสเปะสปะก็เจอเข้ากับกระดูกคนกองหนึ่งพระพุทธพระธรรีดขุยตะโกนเสียงหลง เฮ้ยโว้ยนี่มัอนอะไรกันวะเนี่ยฮะเฮ้ยพอได้สติก็ค่อยๆเอาขวานควานออกไปให้ทั่วๆก้นบ่อนั้นเฉอะแฉะไม่มีที่แห้งให้วางเทา้าลี่ขุยจึงเอาขวานคู่นั้นวางใส่เข่งไว้เปลี่ยนเป็นเอาสองมือควานออกไปในความมืดพื้นที่ก้นบ่อค่อนข้างกว้างในที่สุดก็คลาไปจนสัมผัสทู่ใครคนหนึ่งโคดตัวอยู่ในโคลนท่านชายใช้ลี่ขุยร้องอุทานขึ้นด้วยความตรนก แต่ชายผู้ไม่ขยับตัวลี่ขุยจึงยื่นมือออกไปร้องใบหน้าก็สัมผัส ต, ต้องลมหายใจรวยรินออกมาจากปากของร่างชายผู้นั้นโอ้ฟ้าดินเมตตาปรานีลี่ขุยเอ่ยขึ้นท่านชายยังพอมีทางรอดลี่ขุยปีนกลับไปบนเข่งแล้วเขย่าลูกกระพรวนข้างบนก็ควานขึ้นมาลี่ขุยผู้เดียวโผล่ขึ้นมาจากปากบ่อเล่าให้ฟังว่าตัวไปเจอกับอะไรมา ส่งเจียงสย geri, ั่งว่าเจ้ากลับลงไปอีกหนแล้วอุ้มท่านชายเอามาใส่เข่งเพราะเราเอาท่านขึ้นมาได้ก็จะร้อยเข่งกลับไปรับเจ้าขึ้นมาเฮ้ยท่านพี่ขอรับไปฉี้เจ้มาเที่ยวนี้ข้าน้อยไปโดนมาสองดอกแล้วนะขอรับข้าไม่อยากโดนดอกที่สามอีกนะขอรับส่งเจียงหัวเราะแล้วพูดว่าเ่าฮ่าฮข้าเคยหลอกเจ้าหรือไรรีบลงไปไวๆเข้า Hey, พูดมากอยู่ได้ปาดาพ่อลี่ขุยรีบลงเข่งหย่อนลงไปในบ่ออีกหนพอถึงก้อนก็ปีน ล, ลงไปอุ้มท่านชายใช้ขึ้นมาใส่เข่งขย่ากระพัวนฝ่ายข้างบนก็รีบดึงขึ้นพอเข่งขึ้นไปถึงข้างบนทุกคนก็พากันดีใจที่ได้ตัวท่านชายช้ขึ้นมาอีกคำรบหนึ่งทรงเจียงรีบสำรวจตรวจตราท่านชายได้แผลที่หน้าผากขาทั้งสองทูบโบยจนเนื้อเละเหลือกตากึ่งปิดกึ่งเปิด ภาพที่เห็นเป็นที่น่าเวทนายิ่งนักหมอรีบมาพาเอาตัวไปรักษารีบขุยวอยวายขึ้นมาจากก้นบ่อประหนึ่งวัวถูกทุบหัวส่งเจียงจึงสั่งย่อนเข่งลงไปรับแล้วชักรอกขึ้นมาพอขึ้นมาถึงขอบบ่อได้รีขุยก็โกรธหัวฟาดหูเวเบี่ยงบริภาดด่ากราดด้วยความโกรธไปว่าเฮ้ยไอพวกนี้ไม่ดีเลยสักคนเดียวทาไมไม่เรีบร้อยเข่งลงไปรับฮะ เฮ้ hey! ยยกผีหลอกไอ้ฮาลิข้างในก็มืด ต, ตึ๊ดตื้อซ่งเจี้ยงอธิบายว่าเอาภัยให้พวกเราด้วยเถิดเป็นเพราะเรากําลังผวงอยู่กับอาการของท่านชายใชย้ยกโทษให้พวกเราด้วยเถิดน้องพี่แล้หันไปสั่งการให้นำเกวียนเล่มหนึ่งมาให้ท่านชายนอนไปรวมทั้งขนทรัพย์สมบัติและสมาชิกในครอบครัวของท่านชายกับของท่านอาใส่เกวียนไปอีกกว่ายี่สิบเล่ม สั่งลี่คุยกับเหลยเหงให้คุ้มกันไปยังเขาเหลียงซานแล้วให้นำตัวครอบครัวของเกาเหลียนทั้งดีทั้งเลว3 0 4สบคนไปประหารศีรที่กลางตลาดพัสดีหลินเหรินได้รางวัลส่วนข้าวของเงินทองของคนมั่งมีในตัวจังหวัดกับข้าวปลาอาหารและสเสบียงกลังในยุ้งฉางรวมทั้งสมบัติพัสถานส่วนตัวของเกาเหลียนทั้งหลายทั้งสิ้นนั้นถูกเก็บรวบรวมแล้วขนกลับไปยังค่าย บรรดาในโจรทั้งหลายทั้งนายทั้งบ่าวก็ยกออกจากเก่าถังบ่ายหน้ากลับไปยังเขาเหลียงซานโดยไม่ระรานใดๆกับหัวเมืองอื่นๆตามรายทางหลังจากรอนแรมมาได้หลายวันก็ลุถึงท่าใหญ่ทั้งทั้งที่ยังไม่ทันฟื้นดีท่านชายใช้ลุก ข, ขึ้นขอบพระคุณเจ้าไก่ส่งเจียงและบรรดาในโจรคนอื่นๆเจ้าไก่สั่งให้ปลูกบ้านขึ้นบนยอดเขาให้ครอบครัวของท่านชายใชย้กับท่านอาอยู่ใกล้กับคุ้มของส่งเจียง บรรดาหัวหน้าทั้งหลายดีใจนักข้าที่ได้ท่านชายใช้กับถังหลงมาร่วมก็จัดงานเลี้ยงขึ้นฉลองคงไม่ต้องเล่าเรื่องนั้นกันอีกนะครับก็ตอนที่ตรงสางกับข้อโจทราบข่าวร้ายว่าข้าหลวงเกาเหลียนแห่งจังหวัดเกาถังถูกฆ่าเมืองก็พลอยแตกนั้นหัวเมืองทั้งสองรีบมีใบบอกกราบทูลขึ้นไปยังพระจกักรพรรดิ พวกในทหารที่หนีไปจากเกาถังก็ให้รายละเอียดต่างๆใส่ไว้ในรายงานมากมายจอมพลเกากิวก็พลอยได้ทราบข่าวว่าลูกพี่ลูกน้องของตนสิ้นไปแล้วพอถึงยามห้าเช้าวันรุ่งขึ้นจอมพลเการีบรุดไปเข้าเฝ้ารอท่าระฆังเช้าอยู่ที่หน้าตาหนักนอกขราชบริพานนับร้อยๆในชุดพิธีกรก็กรวยกลายควักไข่กันไปมาอยู่ในหน้าหอรอท่าเฝ้าแห่นั่นขนาดพอยกสามยามห้า สมเด็จพระจกักรพรรดิก็ออกว่าราชการขณะพระองค์ก้าวขึ้นไปประทับบนบัลลังก์ข้างฝ่ายสมุหาราชพิธีเคาะไม้สามทีขุนนางทั้งฝ่ายทหารกับโพรเรือนก็แยกกันออกเป็นสองฝากเรียงรายลดหลั่นกันไปตามลำดับชั้นจอมพลเก่าสืบเท้าออกมากราบบังคมทูลถวายรายงานว่าอาญาไม่พ้นกล่าว หลังๆมานี่เจ้าไก่กับส่งเจียงในโจนแห่งเนลนซานปอดในสังกัดจังหวัดจี o, โจ้ก็การกำเริบเสพสารและเมิด อ, อาญาแผ่นดินตลอดมาตามลําดับยกทัพไปตีหัวเมืองหลายแห่งล้นชิงยุ่งฉางสเสบียงกลางของทางราชการปลุ่มรุ่มเข่นฆ่าทหารรัฐบาลที่จี้โจอย่างปาเทือนและรอดไปก่อจราจนขึ้นที่เจียงโจกับผู v ้ไวจนและเมื่อเร็วๆนี้ก็ทลายเก้าถังจีนลงไปอีกทั้งเมือง ผลทรัพสมบัติและสเสบียงกลางของทางการไปจงหมดสิน้นพวกมันเป็นเหมือนฝีในอกหากไม่รีบยกไปปราบเสียโดยไว้ข้าพระองค์เห็นว่าต่อไปจะยากยิ่งนะข้าพระองค์ขอพระราชทานทรงปรดไม่นิชัยด้วยเถิดนะพระเจ้าค่ะสมเด็จพระจกักรพรรดิตกพระไทยตรัสสั่งให้จอมพลเก่ารละดมทหารไปจับกลุ่มผู้กระทำความผิด ข้าเสียให้หมดกวาดล้างบึงสีให้สิ้นซากจอมพลเก่าทูลว่าจนจัดการกับไอ้โจรกระจอกพวกนี้ไม่ต้องให้ถึงกับใช้มีดฆ่าโขนดอกขอเพียงพระองค์มอบคนให้กล่าวกระหม่อมสักคนหนึ่งก็เพียงพอที่จะจัดการกับพวกมันได้ถมไปแล้วนะพระเจ้าค่ะพระจกักรพรรตรัสว่าถ้าเจ้าเห็นว่าดีข้าก็ว่าดีไปตามเจ้านั่นละ่ะสั่งให้ไอ้คนพู้นั้นไปในทันทีเลย เราจะรอฟังข่าวชัยชนะในเร็ววันนี้หากเสร็จงานข้าจะปูนบำเหน็จเลื่อนชั้นให้อย่างเหมาะสมคนอย่างนี้ต้องให้มียศถาบรรดาศาักดิ์สูงๆจมพลเกาทูลรายงานต่อไปว่าคนพูดนี้มีนามว่าหูเวียนโจเป็นทายาทสายตรงของท่านขุนพลหูเวียนจ้านผู้เกร์ไกลมาตั้งแต่ต้นราชวงศ์ใช้กระบองเหล็กสองมือ เป็นบุรุษผู้อาหารหาใดปานปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการป้อมค่ายเขตรูนิงบังคับบัญชากองทัพชั้นหัวกระทิดูแลทหารชั้นยอดฝีมืออยู่หลายนายหากเราได้คนคนนี้มาใช้สอยย่อมกำราปราบพ ร, รามโจนแห่งเบิงเหลียญสารกอบกู้บุรณาการสารที่สุขให้กลับคืนมาได้โดยง่ายถ้าจัดให้คนผู้นี้บังคับบัญชาทหารสกกองทั้งพลทั้งนายเขาย่อมปราบชุมชนร้าย และนำใช้ชำนะกลับให้ฝ่ายเราได้เป็นแม่นมันพระจ้กพัทก็บัญชาให้สภาเสนาบดีฝ่ายกิจการทหารส่งทูตไปเขตรูนิงเชิญตัวขุนพลหูเวียนโจมาโดยไวพอราชสำนักปิดจอมพลเก่าก็เลือกเสนาบดีจากสภาผู้หนึ่งเป็นทูตแล้วสั่งให้ออกเดินทางเสียเดี๋ยวนั้นกำหนดวันเวลากลับเอาไว้เสร็จสั ตอนที่เสนาบดีผู้นั้นไปถึงประตูเมืองขุพนพลหูเหวียนยังทําการอยู่ในค่ายทหารรูนิงตามปกติทหารยามผู้หนึ่งรีบเข้าไปรายงานว่ารายงานข้าหลวงถือรับสั่งจากองค์พระจกกักรพรรดิให้มาตามท่านขุนพลไปราช ก, การพิเศษขอรับขุพนพลหูเหวียนพร้อมด้วยขุนนางในรูหนิงอีกหลายคนรีบพากันไปที่ประตูเมืองแล้วเรียนเชิญข้าหลวงผู้นั้นไปที่กองประชาการใหญ่ ผูเวียนอ่านพระบรมราชองการจัดอาหารเลี้ยงดูข้าหลวงแล้วก็แต่งตัวผู้เกราะสวมหมวกเหล็กเอาอานผูกเข้ากับมา้าหยิบอาวุธประจำตัวขึ้นมาถือพาทหารพิทักษ์ส0สิบสสิบคนออกจากรูหนิงพวกเขาพากันเดินทางทั้งวันทั้งคืนไม่ช้าก็ไปถึงเมืองหลวงตะ ว, วันออกโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น คุณพลหูเวินโจโลงมาที่สํานักว่าราชการสภากลาโหมแล้วเข้าไปรายงานตัวต่อจอมพลเก่ากิวขณะนั้นจอมพลออกวาราชการยามประตูก็เข้าไปรายงานว่าราองนผูเวินโจที่ตามตัวมาจากเขตรูหนิงบัดนี้มาถึงแล้วนะขอร้องจอมพลเก่าให้ดีใจนักรีบให้ไปเชิญเข้ามาในห้องโถง หลังจากไต่ถามสารทุกสุขดิบไปตามธรรมเนียมจอมพลเก่าก็ตกรางวัลให้เช้าวันต่อมาจอมพลเก่าพาขุนพลฮูเวียนเข้าเฝ้าพอทอดพระเนตรออกไปสมเด็จพระจกักรพรรดิก็ทรงทราบว่าขุนพลฮูเวียนผู้นี้ไม่ธรรมดาจึงส่งยิ้มให้อย่างพอพระทยัยโปรดพระเจาทานมา้าฝีเท้าดีตัวหนึ่งให้ขุนพลฮูเวียนไวข้ขี่มีนามว่าไม้มะเกลื อ, อเนื้อเกล็ดหิมะ ม้าตัวนี้มีลักษณะดำปลอดตลอดทั้งตัวเว้นแต่กีบเท้าสีขาวราวเกรทิมะสามารถวิ่งทำระยะทางได้หนึ่งวันถึงพันลีเลยทีเดียวนะครับหลังจากถวายบังคมลาออกมาพร้อมจอมพลเก่ากลับมาถึงสำนักผู้ว่าราชการทั้งสองก็ปรึกษาหารือการยึดเหลียงสาเปอกคุณพนหูเวียนพูดว่าข้าส่งคนไปสืบความบึงเหลียงสารนั้นมาเรียบร้อยแล้วนะขอรับ ท่านต่เท้าการุณาพวกมันมีกําลังมหาศาลทั้งนทหารและไพร่พลอาวุธยุทธปพกรมาสึกก็ล้วนกล้าแข็งเป็นคู่มือที่เราจะดูเบาไม่ได้แต่ข้ามีคนอยู่สองคนรับประ ก, กันให้เป็นทัพหน้าได้ส่วนข้าจะตามไปเป็นทับหลวงเราคงเอาชนะได้ไม่ยากนะักจอมพลเกาดีใจนักแล้วถามว่าทั้งสองเป็นผู้ใดกันเล่า ก็เพราะขุนพลหูเวียนเอาหัวเป็นประกันให้คนทั้งสองป้อมค่ายบนเขาก็ได้กำลังใหม่ไปเสริมวีระชนแห่งบึงเหลียงซานก็บดขยี้ทหารรัฐบาลเสียยับเยินก็จริงดังว่าชื่อแท่ที่ไม่ได้บันทึกเอาไว้ในปูมแผ่นดินก็ล้วนมาลำดับเอาไว้สิ้นในหอธรรมมายุติภพแล้วใครกันเล่าที่ขุนพลหูเวียนเอาหัวค้ำประกัน ฟังบทต่อไปหากว่าอยากรู้คุณพนหูเวียนพูดว่าข้าส่งคนไปสืบความบึงเหลียงซานนั้นมาเรียบร้อยแล้วนะขอรับท่านไต้เท้ากรุนา พวกมันมีกำลังมหาศาลทั้งนายทหารและไพร่พลอาวุธยุทโธปกรณ์มาสึกก็ล้วนกล้าแข็งเป็นคู่มือที่เราจะดูเบาไม่ได้แต่ข้ามีคนอยู่สองคนรับประ ก, กันให้เป็นทับหน้าได้ส่วนข้าจะตามไปเป็นทับหลวงเราคงเอาชนะได้ไม่ยากนะักจางพลเกาดีใจนักแล้วถามว่าทั้งสองเป็นผู้ใดกันเล่า ผู้เหวียนกล่าวาว่าว่าผู้การหั่นเผาผู้บัญชาการเขตจังหวัดทหารเฉินโจต้องใจข้านักเดิมทีก็เป็นคนเมืองหลวงตะวันออกแต่สอบผ่านการทหารชั้นสองใช้หอกด้ามไม้มาพรับยาวสิบแปดเสีย้ยทุกคนพากันขนานหามให้ว่าขุนพลพิชัยศึกคนผู้นี้นะเหมาะให้นำทับหน้าส่วนอีกผู้หนึ่งเป็นผู้บัญชาการเขตจังหวัดทหารหญิงโจานามว่าเป็งฉี ผู้การคนนี้ก็เป็นคนเมืองหลวงตะวันออกอยู่เก่าตระกูลเขาล้วนเป็นทหารมานานหลายชั่วรุ่นเขาใช้หอกสามง่ามสองคมฝีมือในเชิงวิทยายุทธ์ไม่ธรรมดาไม่สมมติว่าขุนพลตาสวรรค์ในทหารผู้นี้สมควรเป็นที่ประหลาดทัพจอมพลเก่าให้ดีใจนักจึงอุทานขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นนะ่ะนะหากให้หั่นกับเป็นเป็นทัพหน้าเราก็ไม่ต้องนําพายจนห้าร้อยพวกนั้นกันอีกต่อไปแล้ว อเ e มื่อก็มีหนังสือเรียกตัวสั่งสำนักผู้ว่าราชการสภาการาโหมให้ส่งหนังสือไปตามผู้การทั้งคู่มาจากจังหวัดทั้งสองในทันทีไม่ถึงสิวันในทหารทั้งสองก็มาถึงเมืองหลวงทั้งสองรีบรุดไปยังสำนักผู้ว่าราชการรายงานตัวต่อจอมพลเก้ากับขุพนพลหูเหวียนวันรุ่งขึ้นจอมพลเกลูกับคณะพากันไปยังสนามซ้อมเพื่อดูการฝึกปรือของเหล่าบรรดาทหาร ทั้งสามกลับมายังสำนักผู้ราชการและปรึกษาหา ร, หรือยุทธการกับสภาเสนาบดีฝ่ายกิจการทหารแล้วจอมผเกาก็ถามนทหารทั้งสามที่ได้รับความไว้วางใจว่าในเมืองพวกท่านทั้งสามมีไพร่ผลรวมกันจำนวนสักเท่าใดหรือคุณพลฮูเวียนตอบว่าทหารมาก็เราราวห้าพันเห็นจะได้แร้ครับหากรวมคนเดินเท้าไปด้วยก็เป็นหมื่นนึงขอรับใต้เท้าการุณา จอมพลเกาจึงถามอีกว่าพอเช่นนั้นนะนาะจงกลับไปเกณฑ์ทหารสักสามพันกับพลเดินเท้าอีกห้าพันเอาอย่างชั้นเลิศสุดเพราะรวบรวมได้แล้วก็รีบรุดไปกวาดล้างเบืองเหลียงสารสีให้สิ้นซากขุนพลหูเวียนกล่าวว่าท <c oughs> อหอนมอกับตอหอนราบในเมืองของพวกเราล้วนแล้วแต่ฉันยอดยอดทั้งสิ้นแล้วครับทั้งคนทั้งม้าอยู่ในสภาพดีเลิศ ท่านใต้เท้ากรุณาไม่ต้องเป็นกังวลใดๆไปดอกแต่ถ้าว่าพวกเราขาดแคลนเสื้อผ้าอาพรและชุดเกราะที่จริงแล้วเราไม่ปรารถนาจะทวงเวลาหรือหาเหตุให้ลาช้าใดๆแต่ต้องใช้เวลาเตรียมการอีกสักพักใหญ่ละขอรับจอมพลเกาจึงว่าไม่ถ้าเป็นกรณีนั้นพวกท่านก็ไปที่ครั้งแสงใหญ่บิเสื้อผ้าชุดเกระ เอาหมวกเหล็กและเครื่องสาตราวุธทั้งหลายทั้งปวงเบิกเอาให้พอข้าจะสั่งการไปเดี๋ยวนี้แหละเราต้องให้กองทัพพร้อมรบจะได้สยบไอ้พวกโจรลงได้ในวันที่พวกท่านพร้อมเดินทางข้าจะส่งคนไปตรวจพนอีกคนคุณพลหูเวินโจถือคำสั่งพาคนไปยังกองพลธิการแล้วลงมือเลือกเอาชุดเกราะสมพันชุดเกราะหนังม้าห้าพันชุดมวกเหล็กกับสำลีสามพันใบหอกสองพันด้าม ดาบ 1,000 พันเล่มธนูกับเกาทันอีกมากมายเหลือขนานับปืนใหญ่อีกห้าร้อยกระบอกแล้วขนใส่เกวียนไว้หลายเล่มพอถึงวันที่นายทหารทั้งสามออกเดินทางจอมพลเก่าก็ให้ม้าศึกไปอีก3 0 0พันตัวรวมทั้งสเสบียงกลางฟ่อนหญ้าที่จะใช้ในทัพแล้วตกรางวัลให้ทั้งสมเอาไว้ใช้ส่วนตัวเป็นเงินทองและผ้าไหมอีกจานวนมาก ฮูเวียนโจหั่นเถากับเปงฉีมอบหนังสือทันบนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะต้องชนะแล้วอำลาจอมพลเก่าและบรรดาแม่ทัพในกองที่มาจากสภาเสนาบดีฝ่ายกิจการทหารทั้งสามขึ้นมาบ่ายหน้าไปยังรูหนิงระหว่างทางไม่มีเหตุการณ์ใดๆพอไปถึงขุพนพลฮูเวียนก็สั่งหั่นเถากับเปงฉีให้กลับไปเมืองของตนเพื่อระดมทัพแล้วยกมาสมทบ ไม่ถึงครึ่งเดือนทั้งสามทัพก็กลับมาบรรจบกันขุนพลหูเวียนเอาอาวุธจัตุปกรณ์ที่เบิกมาจากทางหลวงออกแจกใจเหล่าทหารทั้งเสื้อผ้าชุดเกราะงมวกเหล็กหอกดาบและเครื่องอ่านมาพร้อมโซ่เหล็กและอุปกรณ์พิเศษอื่นๆอีกพอทัพทั้งสามพร้อมเดินทางจอมพลเก่าก็ส่งในทหารสองนายจากสำนักผู้ว่าราชการมาตรวจตราก่อนที่ขุนพลูเวียนจะพาทัพทั้ง3ญาติาออกไปให้ตรวจ นายทหารทั้งสองก็กำนันนทัพทั้งสามอีกยกหั่นเถาเป็นทัพหน้าคุณพลฮูเหวียนเป็นทัพหลวงและผู้การเปงฉีกํากับกองหลังทั้งสามทัพทั้งเหล่าม้าเหล่าราบมุ่งหน้าสู่เหลียงซานเปาะเป็นภาพที่น่าประวัติพร่านพลึงแลดูถมืองถึงเป็นที่น่าเกรงขามยิ่งนักข้างฝ่ายที่ค่ายบนภูเขาพลตระเวรรีบกลับเข้าไปรายงานข่าวศึกที่กําลังใกล้เข้ามา เจ้าไก่กับส่งเจียงรวมทั้งที่ปรึกษาทัพปูยงเต้าสือกองซุนเชงผู้ขมังเวทรวมทั้งบดานนายโจนคนอื่นๆฉลองกับท่านชายใช้อยู่ทุกวันไม่ได้ขาดพอทราบข่าวว่ากระบองสองมือหูเวียนโจขุนพลแห่งรูหนิงนำทัพทั้งราบทั้งมา้าใกล้เข้ามาก็ร่วมหารือถึงกน้นศึกปูยงเอ่ยขึ้นว่าเมอ<า>ข้าเคยได้ยินกีดิศั์ของเขามานานแล้ว คนผู้นี้เป็นทายาตสายตรงของคุณพลหูเวียนจา้านแม่ทัพแห่งเหอตงผู้ร่วมก่อตั้งราชวงศ์ฟีมไม้หลายมือในเชิงวิทยายุทธ์สุดล้ำเลิศลองได้ขวงกระบองเหล็กสองมือก็ไม่มีผู้ใดจะยื้อยุดได้เราต้องใช้ในายทัพที่สุขุมลุ่มลึกกล้าหารชัชัยเยี่ยมจึงจะได้และถ้าจะให้จับเป็นต้องเล่นเล่นกกลนเป็นไม้สองคำพูดคำสุดท้ายยังไม่ทันพ้นปากสลาตันดำลีขุยก็สอดขึ้นว่า เท่านพีข้าจะออกไปจับไอ้ถอยผู้นั้นมาให้เองมันจะขนาดไหนเชียววะส่งเจียงเอ่ยขึ้นว่าอย่าขืนทำเช่นนั้นเป็นอันขาดข้ามีแผนเอาไว้แล้วเราจะให้เจ้าอาสนีบาทชินหมิงเข้ารบมือแรกท่านลิ้นชงหัวเสือดำตามไปเป็นมือสองหัวหลงลี่กวงน้อยเป็นมือสามระปบีเหล็กสิบเสี้เป็นมือสี่ซุนลี่ขุนพลขี้โรคเป็นมือห้า สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เป็นดั่งเฟืองในตัวจักรต่อเนื่องกันไปประดุดน้ำไหลไม่ขาดตอนตัวข้าจะคุมหัวหน้าฝ่ายเราอีกสิบคนคอยดูแลทัพหลักให้จู๋ถงเหลยเหงหม่หงหววซินลูกฟางเป็นปีกซ้ายให้หยางซ่วงชื่อซิวโอเปงมาลินและโกเซงเป็นปีกขวาส่วนทางน้ำเข้ามายัางที่มั่นก็ให้ป้องกันโดยลี่จุนจางเหงจางชุนกับสามพี่น้องตระกูลหยวน ให้ลี่คุยกับหยางหลินนำทหารราบสองกองไปส้มคอยทีทำหน้าที่เป็นกองหนุน ไ, <ป>ไม่นานหลังจากนั้นชิงหมิงก็ลงไปพร้อมทั้งคนทั้งมา้าพอไปถึงที่ล่องผืนหนึ่งก็แปรขบวนแถวออกตามตำราศึกเวลานั้นแม้ว่าจะย่างเข้าฤดูหนาวแต่อากาศกลับยังอุ่นสบาย พอรุ่งขึ้นอีกวันชิมหมิงก็เห็นกองทงหารฝ่ายรัฐบาลเคลื่อนใกล้เข้ามาทับหน้านำโดยขุนพลพิชัยศึกหั่นเถาพอมาถึงก็ลงหลักปักค่ายล้อมไว้ด้วยเนีย์คืนนั้นยังไม่มีการสู้รบใดๆพอเช้าต่อมาทั้งสองก็กรีธาทับเข้าประจันหน้าปีแตรแตรแตนของกลองรั่วลั่นกล้องไปทั่วท้องฟ้าข้างฝ่ายเลียงซันปาะ ขุนพลฉินหมิงเจ้าสนิบาทชักมมาลอดทิวทงออกมายืนแถวหน้าระบองฟันหมาป่าผัดขวางอานม้าจากฝ่ายตรงข้ามผู้การหั่นเถวแม่ทับหน้าก็แหวกธงของฝ่ายตนออกมานั่งทับหอกขวางอานหยุดยืนม้าแล้วตะโกนออกไปว่าเจ้าสวรรค์ลงมาถึงที่นี่แล้วแทนที่พวกเจ้าจะยอมอ่อนน้อมแต่ด้ยดีกลับไม่น่ามาขัดขืนเฮ้ หรือกมึงอยากตายกันนักหรือไงวะกูจะถมมึงมึงให้หมดบดเขามึงให้เป็นผงกวาดตอนพวกมึงลงไปเมืองหลวงแล้วสับเสียให้สิ้นห่ๆๆชินหมิงนั้นเป็นคนโทสะร้ายไม่พูดอะไรเลยสักคำกระทืบโกลนลากกระบองพนเข้าหาหั่นเถาฝ่ายผู้ปรชาการเขตจังหวัดทหารเฉินโจ ก, ก็กระตุ้นมา้า กำหอกขนานพื้นในท่าเตรียมแทงกระโจนม้าสวนเข้าใส่รบกันไปได้2ี่สิบเพลงหันเถาเริ่มอ่อนแรงจึงชักม้าหนีฝ่ายขุพนพลหูเวียนโจด้วยเห็นว่าหันเถาตกเป็นรองก็สือหมายมะเกลือเหนือกี่พิมะมาพระอจะทานทยานเข้าใส่คู่คำรามกวัดแว่งกระบองเหล็กสองมือชิ้นหนิงเห็นหน้าก็จำได้เตรียมจะต่อรบ แต่ลิ้นชงหัวเสือดำขยก b มา้าร้องเรียกขึ้นว่าพันผู้บัญชาการโปรดพักสักครู่เถิดให้ข้าได้เบลเล่กับชายผู้นี้สักสามร้อยเพลงดูสักทีลิ้นชงลดหอกจำหลักลายอสรพิษร้ายพุ่งเข้าใส่หูเวียนโจชิ้นหมิงก็เหยหัวม้าไปทางซ้ายควบรับหายไปหลังโคง้งทั้งสองรบกันอย่างตึงมือทั้งหอกทั้งตะ บ, บองชวัดเฉวียนเวียนวก เกี่ยวกระวัด ร, ร้อยกันดังไก่นกถึงห้าสิบยกก็ยังไม่มีผู้ใดแพ้ชนะหัวหรงโผล่ออกมาเป็นมือที่สามพอควบม้ามาถึงหัวสนามรบ<อ>ก็ตะโกนไปว่าท่านขุนพลหมิชงพักสักครู่เถิดขอรับปล่อยดูข้าน้อยจะจับมันเองอหัวสือดำเหวหัวม้าจากไปขุพนพลฮูเวียนนั้น เมื่อรู้ซึ้งถึงฝีไม้ลายมือของคนที่ตนประมือด้วยเป็นอย่างดีก็ยอมให้ลิ้นชงพระจากไปส่วนตัวก็หันกลับไปยังแถวรันเมื่อฝ่ายหลิ้นชงกับองครักษ์พากันลับโค้งไปหัวหลงก็ควบไม้ลงมาถึงสนามลู่หอกขนาดพื้นตอนนั้นหูเหวียนวิ่งมาไปถึงทับหลังของตนแล้วดังนั้นผู้ ก, การเปงฉีขุนพลตาทิพย์จึงควบไปด่าขนมันพื้นสีน้ำตาลวาววิ่งได้วันละพันลี้สวนลงไป อาวุธสามงามสองคมสี่รูแปดห่วงผาดขวางเอาไว้กับอานม้าร้องตะโกนออกไปว่าฮเฮ้ยไอโจนกบบนะบดหมดศิลธรรมมามึงมารบกับกูให้ตายกันไปข้างหนึ่งเฮ้ยัวรงได้ฟังก็โกรธไม่พูดพร่ำทาเพลงแล้วครับเปิดฉากบรเลงใส่เป็งฉีในทันที รบกันมาได้กว่า20เพลงผู้เวียนเห็นว่าเปงฉี่เริ่มอ่อนแรงก็ชักม้าเข้าใส่หัวหลงยังไม่ทันประกันถึงสามเพลงนางกระบี่เหล็กสิบเสีย่ยก็ชักม้าออกมาเป็นมือที่สี่นางร้องบอกว่าพักสักครู่เถิดท่านผู้บัญชาการหัวหลงคอยดูนะข้าจะจับไอ้บ้านี้เองนี่ดูถูกแม่ซะแลว้วหัวหลงพาคนชักมา้ารับเปลี่ยมเขาไป เป็นฉีหวนกลับเข้าต่อรบอีกคนก่อนที่การรบกับนางกระบี่เหล็กสิบเสียจะทันเข้าใครสุนลี่ขุนพลขี้โรคผู้ที่เป็นมือที่ห้าก็มาถึงอดีตผู้พันแห่งเต็งโจกระตุ้นมา้ามาที่ขอบสนามทัศนานักสู้ทั้งสองประลองกันทั้งสองรบติดพันแร่ละล้านประดุดม่านหมอกหนึ่งบุรุษใช้อาวุธด้ามยาวส่วนอีกหึ่งสาวกุมกระบี่มัดสองมือ ทอรบกันไปได้20เพลงหญิงสาวก็ดึงกระบี่กลับขยับม้าลับไปเปงฉีนั้นข้าที่อยากจะได้ชัยชนะไม่ทันระวังตัวก็กวดม้าไล่ตามนางกระบี่เหล็กสิบเสีย้ยเอากระบี่ห้อยเข้ากับปุ่มอ่านมา้าแอบล้วงมือเข้าไปในอกเสื้อดึงบ่วงบาดสีแดงติดแหวนทอง24ห่วงออกมาถือไว้ในมือนางปล่อยให้เปงฉีกวดเข้ามาใกล้ทันเขาเย่ตัวกลับสะบัดซัดเชือกออกไปบ่วงนั้นตกลงรัดตัวเปงฉีสุดที่จะทันหลบ พวกการเปงฉีถูกกระตุกตกมา้าสุนลี่ร้องสั่งทหารที่ตามมาด้วยก็รีบกรูกันออกไปตะคุบเอาไว้กับพื้นขุพนพลฮูเวียนกรวด จ, จัดควบหมาเขาช่วยนางกระบีเหล็กจิบเสียงกระตุ้นม้าเขาตอรบด้วยกําลังกรุนจัดถ้าทําได้ขุพนพลหูเวียนคงกลืนนางไปในคําเดียว ทั้งสองรบกันไปอีกกว่าสิบเพลงหูเวียนนั้นให้กระวนกระวายข้าที่ยังไม่อาจเข็นนางผู้นี้ลงได้ดังหวังหูเวียนชักเครียดร้องว่าเฮ้ยหน้าโมโหนะักทั้งๆ ท, ที่เข็นหนักอย่างนี้นางยังไม่มีทีท่าจะเหน็ดเหนื่อยเฮ้ยสุดจะกลั้นพันหูเวียนก็แซงถอยปล่อยให้หญิงสาวซะดุกเข้าหาฝ่ายตัวก็เงื้อท่อนเหล็กทั้งสองมือขึ้นเหนือหัวเตรียมแผ่นใส่ตอนที่กระบองเหล็กข้างขวาของฮูเวียนหวดลงมา ห่างจากหน้าผักใสๆของหญิงสาวราวเส้นผมนั้นกระบี่สีเขียวครามก็ยังวางตัวอยู่ในท่าพักแต่นางกระบี่เหล็กสิบเสียนั้นเป็นคนมือไวสายตาคมชัดก็งัดกระบี่เล่มที่ถืออยู่ในมือขวาปัดกระบองเหล็กกระดอนออกสเก็ดไฟแลบแปบบเสียงโลงหะกระทบกันดังเคร่งครั้งหญิงสาวขายบมา ก, กลับไปยังแถวของตัวผู้เวียนขยับมาไล่ ซุนลี่ลดหอกลงขนานพื้นควบม้าเข้าสกัดทั้งสองพันตูกันจนสุดกำลังเวลานั้นส่งเจียงนำทัพทั้งสิบกองพลของตนแปรขบวนแถวออกตามตำราศึกส่วนนางกระบี่เหล็กสิบเสีย้ยพาไพร่พลของตนควบม้าลงเนินลับไปส่งเจียงให้ดีใจนักข้าที่จับผู้การเปงฉีได้จึงกระตุ้นม้าออกไปที่ขอบสนามทศนาสุลลี่รบกับมูเวียน สุนลี่เก็บหอกเข้าซองดึงกระบี่ข้ออ้อยที่ห้อยเสีเอวขึ้นมาถือแล้วพุ่งเข้าใส่ฮูเวียนตอนนี้ทั้งคู่ฟาดปันกันด้วยกระบองเหล็กแม้แต่การแต่งกายก็คล้ายกันสิน้นสุนลี่สวมหมวกเหล็กห้าแฉกมัดติดหน้าผักเอาไว้ด้วยแถบแพรมไหมสีแดงเสื้อคลุมไหมสีดำปักลายดอกไม้ขาวแต้มเขียวหยกประกอบด้วยแผ่นเกราะลายนูนสีทองดำอย่างสำริดขี่ม้าดำปลอด ถือกระบี่เหล็กข้ออ้อยด้ามพลอยตามมงกอนรูปร่างท่าทางดูงดงามละไม้คล้ายกับขุนพลอ้วนฉือกงครั้งในอดีตข้างฝ่ายขุนพลหูเวียนก็สวมหมวกเหล็กห้าแฉก ร, รัดหนาผากเอาไว้ด้วยเชือกไหมสลับสีเหลืองทองเสื้อคลุมดำปักลายเลื่อมเป็นรูปดาวทั้งเจ็ดผู้เกราะเหล็กรูปใบไม้ซ้อนกันสีทึบขี่ม้าพระจันทานสีมะเกลือกีบเท้าขาว ถือกระบองเหล็กแปดเหลี่ยมขัดขึ้นขาวราวสายน้ำท่อนข้างขวามือหนัก13ชัามช่างส่วนข้างซ้ายมือหนักส2บสองช่างรูปร่างท่าทางงดงามดังคุ้นพนหูเหวิ่นจ้างผู้บรรพบุรุษไม่มีผิดตี<ป>กันไปใส่กันมาทั้งซ้ายทั้งขวากว่า30ิเพลงไม่มีใครแพ้ใครชนะฝ่ายหั่นเถาครั้นเห็นเปงฉีถูกจับก็รวบรวมไพ่ผลทับหลัง ลุกเข้าไปหมายจะชิงเอามาคืนส่งเจียงกลัวว่าทัพฝ่ายตัวจะถูกเจาะทะลวงก็บอกแท้สัญญาณไปข้างหน้าผู้บัญชาการทัพฝ่ายโจนทั้ง10ก็ขบับให้่พลเข้ารับมือส่วนที่เหลืออีกสองกองพลก็กระจายแนวออกเป็นสองปีบีบเข้าหากันราวคีมเหล็กฮูเวียนก็รีบส่งสัญญาณเคลื่อนทัพหลวงของฝ่ายตนเข้าประจันบานกับข่าศึกบ้าง เทพชั้นไหนทับฝ่ายเหลียงซานจึงไม่สามารถเอาชนะฝ่ายรัฐบาลได้นั่นก็เป็นเพราะว่าโฮเหวียนใช้ทับม้าติดเกราะนั่นเองแหละครับกล่าวคือทั้งคนทั้งม้าล้วนใส่เกราะเอาโซ่ล่ามเข้าไว้ด้วยกันตัวม้านั้นผูกเกราะยาวลงมาจนถึงกีบฝ่ายพนม้านั้นเล่าก็สวมเกราะไล่ขึ้นไปจนถึงตาถึงแม้ม้าฝ่ายส่งเจียงจะได้รับการป้องกันแต่ก็เพียงบางส่วนเท่านั้นกล่าวคือติดหน้ากากาทอระดับผู้ ห้อยกระพวนทองแดงและเสียบขนนกให้ดูฝูฟ้องเท่านั้นส่วนเกราะอ่อนของฝ่ายตรงข้ามก็ป้องกันธนูของฝ่ายโจรไม่ให้แทงทะลุเข้าสู่อวยวะภายในได้โดยง่ายนอกจากนี้นะครับทัพม้าทั้งสามพันของฮูเหวียนยังติดธนูเป็นหลักระยะธนูที่ศาสตร์เข้าใส่ทําให้โจรฝ่ายเขาเหนียงซานไม่อาจเข้าประชิด ต, ตัวได้ส่งจียงเห็นดังนั้นก็บัญชาให้เป่าแตรสัญญาณถอยฝ่ายฮูเหวียนเองก็พลักออก ายโจนถอยไปได้ยี่สิบลี้จึงลงค่ายกองทัพส่งเจียงถอยไปตั้งค่ายทางทิศตะวันตกของเทือกเขาแล้วปล่อยให้ม้าเป็นอิสระพลดับของส่งเจียงคุมตัวเปงฉีเข้ามาตามคําสั่งส่งเจียงทําทีตวัดคนของตนให้ถอยไปข้างหลังแล้วลุกจากเก้าอี้ลงไปปลดเชือกที่มัดเปงฉี่เอาไว้พาเข้าไปในกระโจมบัญชาการแล้วก้มลงโคกศรีรษะ ปฏิบัติต่อเปงฉีเยี่ยงแขกเรือเปงฉีรีบลนลานรับไหว้แล้วพูดขึ้นว่าข้าเป็นเพียงชฉลยศึกโดยสิทธิแล้วสมควรตายเฮตุชันไหนทันแม่ทัพกลับต้องมีมารยาทถึงขนาดนี้ฮะเฮ้ยส่งเจียงกล่าวว่าพวกเราในที่นี้เกือบทุกผู้ล้วนต้องอาชญาไม่รู้ว่าจะเอาตัวไปซุกไว้ที่แห่งใดจึงต้องหนีภัยมากบดานอยู่ในเบึงใหญ่ ราชสำนักต้องส่งขุนพลเยี่ยงท่านมาจัดการอันตัวข้านั้นสมควรคุกเข่ายอมให้จับมัดจึงจะพอจัดได้วัทุกแต่ด้วยว่าข้านั้นกลัวตายเป็นหนักหนาจำใจทํำกล้า อ, อมารบวานท่านโปรดอภัยที่บางอาจทําดังนี้ด้วยเถิดเป้งฉีกล่าวว่าอันตัวข้านั้นรู้ซึ้งถึงคุณธรรมน้นนํามิตรความซื่อสัตย์สุจริตการอุทิศชีวิตเพื่อพี่น้อง ช่วยเหลือคนลำบากแบ่งปันเพื่อคนตกทุกข์ได้ยากของทุกๆคนมานานหนักหนาแต่ไม่เคยคิดเลยว่าตัวจะได้มารับน้ำใจไมตรีอย่างนี้โอ้ล่นะหนาหากท่านจะให้อภัยละเว้นชีวิตที่หมดหวังนี้ไว้ข้าก็ยินดีจะปรารถนาตัวรับใช้ให้ทั่วทุกลมหายใจเข้าออกในวันนั้นนั่นเองล่ะครับส่งเจียงบัญชาให้คนคุ้มกันเปิงฉีขุนพลตาสวรรค์ขึ้นไปคารวะเจ้าไก่ และให้พำนักอยู่บนนั้นหลังจากปูดบำเหน็จทัพทั้งสาของตัวเสร็จก็ปรึกษาหารือการสรืบกับบรรดาในโจรทั้งหลาย วันนั้นนั่นเองล่ะครับทรงเจียงบัญชาให้คนคุ้มกันเปงฉีคขุนพลตาสวรรค์ขึ้นไปคารวะเจ้าไก่และให้พมนักอยู่บนนั้นหลังจากปูบนบาเหน็จทับทั้งสามของตัวเสร็จก็ปรึกษาหารือการสืกกบกบดานในโจรทั้งหลาย เดียวกันนั้นขุพนพลฮูเหวียนโจก็หารือกับผู้การหั่นเถาเรื่องที่จะตีบึงเหลียงซานให้จงได้หั่นเถาเอ่ยขึ้นว่าวันนี้พอเห็นว่าเราร่วมพลจะบุกพวกมันชิงรุกรบหน่วงพวกเราเอาไวส้สิก่อนพรุ่งนี้เราควรเรียบทะลวงใส่มันด้วยทัพมาทั้งผองใช้ชนะต้องตกอยู่กับเราเป็นแม่นมันฮูเหวียนจึงว่าเป็นอย่างที่ใจข้าคิดเลยข้าเพียงแครใ่ใจท่านเห็นด้วยเท่านั้น ผู้เวียนสั่งให้ทับมาทั้งสามพันของตนกระจายออกเป็นแถวเรียงเดียวจัดแบ่งกําลังออกเป็นตอนตอนละ30มา้าใช้เสโซ่ล่ามเข้าด้วยกันเป็นแผงๆพอควบเข้าหาข้าศึกได้ก็ตีโดยไม่ต้องยัง้งให้ศาสตร์นำด้วยเกาทันจากระยะไกลก่อนแล้วซ้ําด้วยหอกในระยะประชิดด้วยเหตุนั้นผลมาทั้งสามพันก็แบ่งออกได้เป็น100ตอนแต่ละตอนจะทําหน้าที่เหมือนกําปั้นไรรูทะลวงใส่ตามติดได้วพลเดินเท้าทั้งห้าพันเป็นการสำทับ ผู้เหวียนกำชับท่านเถาว่าพรุ่งนี้อย่าไปทารบกับพวกมันตัวต่อตั ว, ตวท่านกับข้ารอไม้อยู่ข้างหลังกับพวกไพร่พนพอเข้าตีเราจะแบ่งทัพหนุนออกเป็นสามกองกหนาพวกมันพร้อมกันจากสามด้านทั้งสองตกลงจะปฏิบัติตามแผนทันทีที่รุ่งเชา้าพอรุ่งขึ้นทรงเจี้ยงจัดทัพมาห้ากองเอาไว้ด้านหน้า แล้ววางก้องพลเดินเท้าทั้งสิบเอาไว้ด้านหลังกับชับปีกอีกสองข้างทั้งขวาทั้งซ้ายให้ซุ่มเอาไว้ชินหมิงออกหน้าท้าหูเหวียนตามแผนแต่ทหารเมือหลวงเอาแต่กูตะโกนกลับไม่มีใครเลยสักคนออกรบพลมาทั้งห้ากองของเหรียญซานเปาะก็แปรขบวนออกเป็นแถวหน้ากระดานอยู่ด้านหน้าชินหมิงยืนไม้อยู่ตรงกลางลิ้นชงกับนางกระบี่เหล็กสิบเสียอยู่ทางซ้ายหัวหลงกับซุนลี่อยู่ทางด้านขวา สิบกองพลภายใต้การราชการของส่งเจียงอยู่หลังพืดไปหมดทั้งม้าทั้งคนพลเดินเท้าฝ่ายรัฐบาลราวหนึ่งพันคนตั้งแถวอยู่ด้านหน้าขบวนแม้จะพากันตีเกราะข้อกรองอยู่เป็นที่โกลาหลแต่หามีแม้แต่คนจะออกรบไม่ท่งเจียงเริ่มเอกใจจึงรีบออกคาสั่งอย่างเงี ย, งยบๆให้ทับหลังทั้งสิบกองพลถอนตัว แล้วเหาะมาขึ้นหน้าไปที่หัวหลงเพื่อจะดูให้ถนัดทันใดนั้นปืนใหญ่นัดหนึ่งก็ดังระเบิดกึกกล้องมาจากฟากตรงข้ามคนเดินเท้าทั้งพันของฝ่ายรัฐบาลก็แยกตัวออกเป็นสองตอนเปิดทางให้ทัพม้าติดเกราะเหล็กเรียงหน้ากระดานเป็นแถวแถวและสามตอนล่งไหลออกมาแล้วม้าเหล็กทั้งร้อยตอนก็ทะลวงเข้ามาดังสันกำปั้นเหล็กทละลักเข้าใส่หาธนูเปรย์ไพรออกมาจากสองปี ส่วนตรงกลางนั้นก็ลานตาไปได้วยหอกด้ามยาวราวกับดงปอส่งเจียงเห็นดังนั้นก็ตกใจสั่งพลธนูฝ่ายตนให้ตอบโต้แต่ผู้ใดใครที่ไหนเล่าจะไ่ยานการรูปแบบนี้ไหวเมื่อม้าเหล็กทั้ง30มิบม้าควบมาพร้อมๆกันเป็นแผงถึงม้าตัวใดตัวหนึ่งอยากหยุดก็หยุดไม่อยู่สันมัดเหล็กของทักม้าติดเกราะกะหนุนเนื่องทะลวงใส่แตกยับเยินไปทั่วทั้งทุ่งทั้งเนิน ทับม้าฝ่ายหน้าของส้มเจียงทั้งห้ากองตื่นตระหนกไม่อาจต้านทานการไหลบ่าเข้ามาอย่างบ้าระห่ำกองพลที่อยู่ด้านหลังก็ยันเอาไว้ไม่อยู่แตกพ่ายกระจัดกระจายวิ่งหนีเอาตัวรอดฝ่ายส้มเจียงถูกพาหนีไปบนหลังมา้าคุ้มกันไปได้วยผู้บัญชาการทั้ง10บของฝ่ายตัวทับม้าเหล็กตอนหนึ่งของฝ่ายรัฐบาลไล่กระชั้นเข้ามารีควีย่างลิ้นพร้อมด้วยพลที่ซุ่มอยู่ก็รีบโผล่ออกมาจากที่ซ่อนในป่ากกตวาดจาดใส่ทับม้าเหล็กตอนนั้นให้ตะเลดิดหนีไป มาส่งเจียงได้ทีหนีต่อไปจนสุดชายน้ําลี่จุนจางเฮงจางชุนและสามพี่น้องตระกูลหยวนรอท่าอยู่ที่เรือสึกส่งเจียงหนีขึ้นไปบนเรือลําหนึ่งแล้วออกคําสั่งให้รีบนําเรือเข้าไปรับบรรดาในโจรที่เหลือโดยไวมาเหล็กอีกตอนหนึ่งตามมาถึงชายฝั่งกระดมเก่าทันไปยังเรือของส่งเจียงแต่อาศัยโลช่วยทุกคนบนเรือจึงไม่ได้รับอันตราย เรือเหล่านั้นรีบพากันเชียงไปขึ้นฝั่งที่หาดปากเป็ดพอไปถึงค่ายนับจำนวนคนได้ก็ทราบว่าไพร่พลตายไปกว่าครึ่งแม้ว่าม้าที่บรรดาหัวหน้าขี่จะถูกฆ่าตายไปหลายตัวแต่โชคก็ยังดีที่พวกเขาทั้งหมดปลอดภัยหลังจากนั้นไม่นานซื่อหยงซื่อเฉียนซุนสินกับแม่นางกู้จากโรงเตี้ยมทิศเหนือและทิศตะวันตกก็ตามขึ้นเขามาสมทบรายงานว่า พวกคนเดินเท้าฝ่ายรัฐบาลหรือรงเรียมและบ้านเรือนของพวกเราลงจนราบหากเรือไม่ไปช่วยเอาไว้บานนี้พวกเราคงถูกจับไปหมดแล้วส่งเจียนปลอบโยนคนของตนให้หายตื่นตระหนกแล้วเร่งสำรวจตรวจสภาพแม่ทัพในกองพวกที่ต้องธนูบาทเจ็บมีหกคนประกอบด้วยหลินชงเหลยเหง๋งลี่ขุยชื่อซิวซุนสินและหวงสิน บรรดาในโจนชั้นรองๆล ง, ง, งมาจำนวนนับไม่ถ้วนก็ต้องแผลธนูตามเนื้อตามตัวหรือไม่ก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุอื่นๆพ่อเจ้าไก่ทราบเรื่องเข้าก็ลงมาพร้อมด้วยวูหยงและกงซุนเชงและพบว่าส่องเจียงหน้านี้คิ้วขมวดด้วยความหดหู่ในจิตใจวูหยงปรอบว่าอย่าได้กัดกลุ้มไปเลยท่านพี่แพ้ชนะล้วนเป็นเรื่องโชคชะตาฟ้าลิขิตทั้งสิน้น นักลบต้องประสบอยู่แล้วเป็นของธรรมดากังวลไปใหญ่แล้วค่อยๆ ค, ค, คิดอ่านจัดการกับทัพม้าเหล็กนั่นกันที่หลังเถินขอรับเจ้าไก่บัญชาให้ทัพเรือ Local. ค่อยระวังระวัยรักษาป้อมข้าให้ปลอดภัยเต็มกำลังมันตรวจตราเสริมกั้นชั้นผนึกตามชายหาดส่อมแซมกองเรือปอกป้องชายหาดทั้งกลางวันกลางคืนแล้วเรียกให้ส่งเจียงกลับขึ้นไปพักบนเขาแต่ส่งเจียงยืนยันจะรั้งอยู่ที่ป้อมปากเป็ด ยอมปล่อยให้เฉพาะพี่น้องที่บาดเจ็บขึ้นภูไปรักษาข้างฝ่ายขุพนพลหูเวียนโจพอได้ชัยชนะก็กลับค่ายคลายโซ่เหล็กที่ร้อยทับมาเข้าด้วยกันบรรดาทวยทหารพากันเรียงแถวเข้ามาอ้างความดีความชอบที่สังหารไพรพลพฝ่ายโจลงไปนับไม่ถ้วนเฉพาะเฉลยที่ถูกจับเป็นนับได้ห้าร้อยม้า300ร้อขุนพลหูเวียนก็แต่งพลเดินสารถือหนังสือเข้าไปบอกข่าวชัยชนะในเมืองหลวง แล้วปูนบาเหน็จให้ทัพทั้งสามของตนอย่างเอกอุตอนที่เขาชัยชนะไปถึงนั้นจอมพลเก่ากำลังออกวาราชการอยู่ที่สำนักงานใหญ่พลเดินสารถือหนังสือมารายงานว่าคุณพลหูเวียนโจรบชนะจอนเขาเลี้ยงสารขอรับจอมพลเก่าให้ดีใจนักพอรุ่งเช้าก็รีบเข้าเฝ้าถวายรายงานโดยมิชักช้าพระจกักรพรรดิพระไทย พระราชทานสุราหลวงเก่าเก็บประทับตราราชสนักสีเหลืองจำนวนสิบหายรวมทั้งเสื้อคลุมยกดอกและเอียดอีกหนึ่งสำรับเป็นรางวันในพลฮูเหวียนแล้วส่งรับสั่งให้เบิกเงินอีแปกหนึ่งแสนพวงไปกำนันให้ทับหลวงจอมพลเก่าถือรับสั่งกลับคืนมายังสำนักผู้วรารชการจัดในทหารพร้อมของกำนันไปส่งพอทราบว่าข้าหลวงจากราชสนักกาลังมาฮูเหวียนกับหั่นเกา่า ก็รีบรุดออกไปรอรับถึง20่ลี้พากลับมายังค่ายรับของกำนันพระรจชทานจากพระจักรพรรดิด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำสุราออกบริการท่านข้าหลวงซึ่งก็แนะนำให้เอาเงินรางวัลก้อนนั้นมอบให้แด่เราทหารในทันทีและบอกว่าตนจะรอท่าจับบรรดาโจนอยู่ที่ค่ายคุมแห่ประจานเข้าเมืองหลวงพร้อมโจนอีกห้าร้อยที่ถูกจับเอาไว้เก่าข้าหลวงทักว่า เออแล้วเหตุไหนไม่ยักเห็นหน้าผู้การเป็งฉีล่ะฮะผู้เบียน์อธิบายว่าเออเขากระหายใครจับตัวส่งเจียงให้ได้จนถลำลึกเข้าไปในเขตศัตรูจึงถูกฆ้าเอาตัวไปขอรับพวกโจรพวกนั้นไม่กล้าออกมาตีเราอีกแน่ถ้าจะจับพวกมันเพิ่มเราจะต้องเป็นฝ่ายบุกเข้าไปทลายค่ายบนเขากวาดล้างบึงให้สะอาดแล้วรื้อชุมจรของพวกมันลงให้ราบ แต่เท่าว่าให้โชคร้ายนักหนาด้วยว่าป้อมค่ายของพวกมันมีน้ำล้อมรอบนะสิไม่มีถนนหนทางตัดเข้าไปป้อมค่ายของพวกมันเห็นกันอยู่ไกลลิบๆกนนูนเห็นไหมเล่าทางเดียวที่จะทลายมันได้ก็คือต้องถล่มด้วยปืนใหญ่ระยะไกลเท่านั้นข้าเคยได้ยินว่าที่เมืองหลวงตะวันออกมีผู้ชนานาญการปืนใหญ่นามว่าหลิงเจิ้นฉายาอสนีบาดฟาสวรรค์ สามารถหลออปืนใหญ่ยิงได้ไกลสี่สิบห้าสิบลี้ยามใดที่ลูกปืนใหญ่ตกปานฟ้าจะถลม่มดินจะทลายหน้าผาจะแยกภูเขาจะแตกออกเป็นผุยผงถ้าได้ตัวเขาเราคงทำลายค่ายโจรมันลงได้ตัวหลินเจิ้นเองก็เชี่ยวชาญเรื่องอาวุธนานาชนิดฝีมือยิงธนูและบังคับมมาก็นับว่ายอดเยี่ยมข้าหวังว่าเมื่อท่านกลับไปยังเมืองหลวงตะวันออกโปรดจงช่วยกราบเรียนท่านจอมพลในเรื่องนี้ ขอให้ท่านทรงตัวหลิงเจิ้นมาที่นี่โดยไวเราจะได้ยึดชุมชนสักทีคณะจากเมืองหลวงได้ฟังก็ตอบตกลงพอวันรุ่งขึ้นก็ลากลับไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นตามทางพอไปถึงเมืองหลวงก็ตรงเข้าพบจอมพลเก่าเล่าถึงความประสงค์ของขุนพลฮูเวียนว่าต้องการขอยืมตัวหลิงเจิ้นผู้ชำนาญการด้านปืนใหญ่ จอมพลก่าเรียกหลิงเจิ้นที่ดำรงตำแหน่งประหลัดฝ่ายพราธิการคุ้มคลังแสงหลวงเข้าพบบรรพบุรุษหลิงเจิ้นเป็นคนเยี่ยนหลิงในสมัยส่งเขาเป็นนักหล่อปืนใหญ่ที่ดีที่สุดในแผ่นดินก็ด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่าอสศนีบาดฟาสว ร, ร์นนอกจากนั้นก็เชี่ยวชาญอาวุธทุกชนิดอีกด้วย หลิงเจิ้นไปรายงานตัวต่อจอมพลเกาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการภาคสนามเนวได้รับคำสั่งให้เตรียมม้าออกเดินทางหลิงรวบรวมปืนใหญ่ดินปืนตามที่ต้องการรวมทั้งกระสุนดินดำและหมอนรองขนาดต่างๆขนใส่เกวียนแต่งตัวผู้เกราะสวมหมวกเหล็กเหน็บดาบสันหนาปลายงอนผูกห่อของพาพลปืนใหญ่ไปด้วย 30-40 คนออกจากเมืองหลวงตะวันออกมุ่งตรงไปยังบื้องเหลียงซานในทันที พอถึงค่ายใหญ่ก็ไปรายงานตัวต่อขุนพลฮูเวียนแม่ทัพใหญ่ก่อนแล้วเข้าพบผพูก้การหั่นเถาแม่ทัพหน้าสอบถามเรื่องถนนหนทางระยะใกล้ไกลของชุมจนระยะห่างของฝั่งน้ำและสภาพหน้าผาที่เป็นเสมือนกำแพงค่ายเสร็จแล้วก็เตรียมปืนใหญ่สามขนาดอันได้แก่ลูกไฟตะไลทองและแม่ลูกสั่งให้พลปืนใหญ่เตรียมประกอบหมอนรองและกระบอกปืน เข็นปืนใหญ่ไปยังฝั่งน้ำเตรียมพร้อมในการยิงที่ป้อมค่ายหาดปากเป็ดส่งเจียงหาเรือกระุยหยงในอันที่จะแก้ทางศึกแต่จะยังไงยังไงก็คิดไม่ออกแม่มองผู้หนึ่งเข้าไปรายงานว่ารางอนเมืองหลวงตะวันออกส่งผู้เชี่ยวชาญการยิงปืนใหญ่นามว่าหลิงเจิ้นอัศนีบาดฟาสวรรค์มาที่นี่ตอนนี้เอาปืนใหญ่มาตั้งเรียงรายไว้ที่ฝั่งน้ำ พร้อมที่จะยิงถลง่มค่ายเราแล้วขอรับปู่ยงบอกว่าไอ้เรื่องนั้นน่ะไม่เป็นปัญหาดอกป้อมค่ายบนเขาของเราล้อมรอบด้วยน้ําบนฝั่งก็เต็มไปด้วยหวยนน้องคลองบึงคุ้งน้อยคุงใหญ่ถึงจะมีปืนถล่มฟ้าก็ไม่สามารถยิงเราถูกเราเพียงแต่ถอนทหารออกจากค่ายปากเป็ดปล่อยให้มันยิงแล้วค่อยว่ากันต่อส่งเจียงออกจากค่ายปากเป็ดกลับขึ้นเขา เจาไก่กับกงซุนเชงก็พามายังหอธรรมายุทธภพทั้งสองปรารบขึ้นว่าเราจะทำลายศัตรูได้อย่างไรกันละ่ะฮะก่อนที่คำพูดจะทำสิ้นสุดก็ได้ยินเสียงปืนใหญ่กำปนาตขึ้นที่ตีนเขายิงข้ามน้ำมาสามนัดสองนัดตกใส่น้ำนัดที่สามจับเข้ากลางค่ายปากเป็ดทรงเจียงมองดูอย่างบูดบึง้ง ส่วนอีกสองคนนั้นถึงกับใบหน้าซีดเผือดอู๋หยงเอ่ยขึ้นว่าไม่ถ้าล่อหลิงจ้นลงน้ําได้เราก็จะสามารถจับตัวมาได้ไง่ายๆแล้วค่อยมาหารือว่าจะเอาอย่างไงกับไอ้ศัตรูพวกนี้จางเฮงจางซุนกับสามพี่น้องตระกูลหยวนคุมเรือเจ้าไก่เสนอขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นเราจะใช้ลี่จุนจางเฮงจางซุน กับสามพี่น้องตระกูลหยวนคุมเรือหกลำข้ามน้ำไปให้จูถถงกับเหลยเหงคอยซุ่มอยู่ตามชายน้ำฝั่งนี้แล้วกำชับทั้งหมดให้รู้ว่าตนจะต้องทำอะไรบ้างแม่ทัพเรือทั้งหกรับบัญชาและแบ่งกำลังออกเป็นสองหน่วยลี่จุนกับจางเหงเลือกอาทาหารที่ว่ายน้ำแข็งสี่สิบห้าสิบคนลงเรือใหญ่สองลำ กันเชียงเล็ดลอดผ่านป่ากกข้ามภาคไปจางชุนกับสามพี่น้องตระกูลหยวนเป็นทับหนุนนำคนอีก4ี่ิกว่าคนลงเรือเล็กจำนวนหนึ่งข้ามน้ำตามไปสมทบพอเรือฝ่ายโจรลอยลำเข้าไปในทะเลสาบหมดแล้วรี่จุนกับจางเฮงพร้อมไพร่พลบนเรือใหญ่สองลำก็พากันบุก ข, ขึ้นฝั่งกู่ตะโกนร้องตะวาดปลาดเข้าใส่รังปืนที่ตั้งเรียงรายอยู่แล้วรื้อมันลงจนหมดสิน้น ทหารฝ่ายทางการเข้าไปรายงานหลิงเจิน้นแม่ทัพสนามรีบขึ้นมาถึงหอกพาลูกไปไปด้วยสองกระบอกแถมทหารอีกพันคนพอไปถึงรี่จุนกับจางเหงก็พาคนของตนล่าถอยไปก่อนแล้วหลิงเจิ้นไล่ตามไปจนถึงชายน้ำซึ่งมีเรือเล็ก4ี่สิลำจอดทอดสมอพร้อมพลโจรอีกกว่าร้อยคนรีกับจางขึ้นเรือใหญ่แต่ไม่หนีไปไหน พอเห็นหลิงเจิ้นกับทหารปรากฏกายออกมาที่ชายฝั่งทุกคนในเรือทั้งเล็กทั้งใหญ่ก็พากันตวาดใส่แล้วกระโดดหนีลงน้ำหลิงเจิ้นกับทหารก็ปราดเข้ายึดเรือใหญ่ทั้งสองลำและหมู่เรือเล็กกว่าสี่สิบลำเอาไว้ฝ่ายจูถงกับเเลยเหง๋งที่อยู่ฝ่าตรงข้ามก็พาพัโห่ร้องรั่วกรองให้เห็นหลิงเจิ้นสั่งคนของตนขึ้นเรือแล้วพายข้ามน้ําไปจับตัว พอเรือเหล่านั้นมาถึงกลางน้ำจูโถงกับเหลยเหงก็พากันจ้ำกรองขึ้นอีกอย่างห น, นักนักกระดาน้ำสี่สห้าสิคนก็กระโดดลงน้ำไปลอยคอยอยู่ก่อนแล้วที่กระโดดน้ำลงไปลอยคอยอยู่ก่อนแล้วก็ดำลงไปดึงจุกไม้อุดท้องเรือที่อําพรางไว้น้ำก็รั่วเข้าเรือพวกที่แขนแข็งแรงก็พากันขย่มโครงเรือแล้วพลิกมันคว่าลงพาเหล่าทหารของทางการเทกระจาดตามลงไป ลิงจิ้นเห็นดังนั้นก็รีบหันหลังกลับแต่หางเสืออยู่ในน้ำไม่รู้ว่าถูกถอดไปตั้งแต่เมื่อใดในโจนสองคนผลขึ้นเรือย่ำกลับเรือวูบหนึ่งเรือก็พลิกคว่ำลิงเจิ้นตกลงไปในน้ำวนที่สองที่ดำอยู่ใต้ผืนน้ำก็ลากประหลัดบัญชาการพังแสงหลวงไปขึ้นฝั่งตรงข้ามพวกในโจนคนอื่นๆที่รออยู่แล้วก็จับลิงจ้นมัดคุมตัวขึ้นเขาไป ในครั้งนั้นทหารกว่าสองร้อยถูกจับเป็นอีกราวครึ่งหนึ่งของที่เหลือจมน้ำตายพวกที่หนีรอดไปได้รีบกลับไปรายงานขุนพลหูเวียนขุนพลแห่งรูหนิงรีบระดมพลขึ้นมาควบมาช่วยแต่เพราะว่าเรือทั้งหมดข้ามไปถึงผ่านปากเป็ดจนหมดแล้วชายหาดไกลเกินน้ำหนักธนูแถมไม่มีโจรรออยู่ให้เห็น หัวเวียนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันไปอย่างไร้ประโยชน์ได้แต่หวนกลับค่ายหัวใจสุมไปด้วยไฟแค้นพ่อข่าวหลิงเจิ้นอัศนีบาดฟาสวรรค์สะพัดมาถึงที่มัน่นว่าถูกจับได้แล้วส่งเจียงพร้อมบรรดาในโจนทั้งหลายรีบลงมารอท่าที่ประตูด่านชั้นที่สองแล้วส่งเจียงก็ตรงเข้าไปแก้มัดด้วยตัวเองส่งเจียงกล่าวแก่ไพ่พลของตนเป็นเชิงตำหนิว่าเฮ้ พ่อบอกแล้วว่าให้ไปเรียนเชิญท่านแม่ทัพขึ้นมาเยี่ยมค่ายเราด้วยความเคารพ น, นอบน้อมใจจึงริอ่านไปกระทำการอันจ่วงจาบหยาบคายได้ถึงเพียงนี้ฮะพวกเจ้านี่มันยังไงเนี่ยฮะเฮหลิงเจิ้นก้มลงเขาเต่าขอบพระคุณบรรดานในโจรที่ไว้ชีวิตส่งเจียงก็รินสุราใส่จอกพิธียื่นให้แล้วเข้าไปจับมือถือแขนพาหลิงเจิ้นเข้ามาในค่าย จิงเจินเห็นเปงฉีได้รับตําแหน่งเป็นในายใหญ่อีกคนผู้บัญชาการปืนใหญ่ปิดปากเงียบสนิทไม่สกิดอะไรออกไปแม้แต่คําเดียวเปงฉีก็เข้ามาทักทายทําคล้ายดังจะให้โอบักว่น่าเจ้าไก่กับส่งเจียงก็ทําการตามบัญชาฟ้าดินต้อนรับขับสู้ผู้กล้าทั้งสิ้นทุกถิ่นที่เออพวกเขาล้วนรอรับพระราชทานอภัยโทษที่จะโปรดกล้าวเพื่อจะได้กลับเข้าไปเป็นข้าราชการปกครปักรักษาแผ่นดิน นเมื่อท่านกับข้ามาถึงที่นี่แล้วก็โปรดจงมารับบัญชาฟ้าจากพวกเขาเถิดส่งเจี้ยงตะลอมเป็นเชิงของขามาอีกสองสามประโยคลิงเจิ้นตอบว่าเออจะให้ข้าอยู่ที่นี่ก็ให้ง่ายได้ไม่มีอะไรหนักหนาเจ้าห่วงก็แต่แม่กับเมียที่ทิ้งอยู่ที่เมืองหลวงตะ ว, วันออกพาอพวกนั้นรู้ข่าวเขาก็คงจะเอาไปฆ่าฟันแล้วจะให้ข้าทาฉันใดได้ไดล่ะฮะส่งเจี้ยงเอ่ยขึ้นว่า เออไอเรื่องนั้นนะ่ะวางใจเสียเถิดขอรับไม่กี่วันข้างหน้าเราจะพาพวกเขามาที่นี่ลิงเจิ้นกล่าวขอบพระคุณแล้วพูดว่าไม่ท่านมีน้ำใจหนักเกินไปนักแล้วผ่าแม้นตายจะได้ตายตาลับเจ้าไก่ฟังอยู่ก็สั่งการว่าเออพวกเรามาฉลองกันเถิด วันรุ่งขึ้นบรรดาในโจรทุกคนก็มาร่วมชุมนุมกันที่หอธรรมายุธภพขณะร่วมดื่มกับส่งเจียงก็ปรารบ ถ, ถึงทัพม้าเหล็กไม่มีผู้ใดขบปัญหานี้ได้ในที่สุดเสือดาวดวงทองถังหลงก็ลุกขึ้นยืนแล้วเอ่ยปากว่าไม่ว่าข้อน้อยจะไร้การศึกษาสติปัญญาหามไม่มีแต่ก็พอคิดได้อยู่แผนหนึ่งขอรับที่ยังขาดอยู่ก็แต่อาวุธพิเศษชนิดหนึ่งแล้วก็ตัวลูกพี่ลูกน้องของข้าอีกผู้หนึง่ง โูยงถามด้วยความสนเท่ว่าเอาออาวุธแบบไหนแล้วลูกพี่ลูกน้องอะไรหรือฮะทั้งหลงทั้งหลงกุมมือเข้าด้วยกันสืบเท้าออกมาแล้วตอบออกไปด้วยอาการอันสงบก็จริงดังว่าจากนครหลวงแห่งก้อนหยกกับเสาทองคำบุรุษหนึ่งยิ่งใหญ่เด่นล้ำประดุษกิเลนในตำนานแกร่งกล้านปานสิงอิด ก็ถูกล่อมาติดจันร์เข้าจนได้ผู้ใดอาวุธแบบไหนกันหรือฟังบทต่อไปหากใครรู้ ช่วงเวลาแห่งวรรณกรรมจีนต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับวรรณกรรมจีนองิงประวัติศาสตร์ชุดสองกลงจากบทประพันธ์ของซื่อในอันแปลโดยอาจารย์จรัสชัยเชี่ยวยุทธวันนี้เสนอถึงตอนที่56มีชื่อตอนว่าวูหยงส่งชื่อเฉียนไปขโมยชุดเกราะทั้งหลงล่อสู่หนิงขึ้นเขาเข้าร่วมชมรมส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกท่าน รับฟังได้นะบัดนีแม่ทัพเรือทั้งหกรับบัญชาและแบ่งกำลังออกเป็นสองหน่วยลี่จุนกับจางเฮงเลือกเอาทหารที่ว่ายน้ำแข็งสี่สิบห้าสิบคนลงเรือใหญ่สองลำกันเชียงเล็ดลอดผ่านปากกข้ามภาคไปจางชุนกับสามพี่น้องตระกูลหยวนเป็นทัพหนุน นำคนอีก4ี่สิบกว่าคนลงเรือเล็กจำนวนหนึ่งข้ามน้ำตามไปสมทบพอเรือฝ่ายโจรลอยลำเข้าไปในทะเลสาบหมดแล้วลี่จุนกับจางเฮงพร้อมไพรพลบนเรือใหญ่สองลำก็พากันบุกขึ้นฝั่งกู่ตะโกนร้องตะวาดปลาดเข้าใส่รังปืนที่ตั้งเรียงรายอยู่แล้วรื้อมันลงจนหมดสิน้นทหารฝ่ายทางการเข้าไปไรายงานหลิงเจิน้น แม่ทัพสนามรีบขึ้นมาถึงหอกพาลูกไฟไปด้วยสองกระบอกแถมทหารอีกพันคนพอไปถึงลี่จุนกับจางเหงก็พาคนของตนล่าถอยไปก่อนแล้วหลิงเจิงง้นไล่ตามไปจนถึงชายน้ำซึ่งมีเรือเล็กสี่สิบลำจอดทอดสมอพร้อมพลโจรอีกกว่าร้อยคนรี่กับจางขึ้นเรือใหญ่แต่ไม่หนีไปไหนพอเห็นหลิงเจิ้นกับทหารปรากฏกายออกมาที่ชายฝั่งทุกคนในเรือทั้งเล็กทั้งใหญ่ก็พากันตะหวาดใส่แล้วกระโดดหนีลงน้ํา ลิงเจิ้นกับทหารก็ปราดเข้ายึดเรือใหญ่ทั้งสองลำและมู่เรือเล็กกว่า40ิบลำเอาไว้ฝ่ายจูถงกับเหลยเหง๋งที่อยู่ภากตรงข้ามก็พาพลโหร่ร้องรั่วกรองให้เห็นลิงเจิ้นสั่งคนของตนขึ้นเรือแล้วพายข้ามน้ำไปจับตัวพอเรือเหล่านั้นมาถึงกลางน้ำจูถงกับเหลยเหง๋งก็พากันจ้มกรองขึ้นอีกอย่างหนะักนักประดาน้ำสี่บห้าสิบคนก็กระโดดลงน้ำไปรอยคอยอยู่ก่อนแล้ว ที่กระโดดน้ำลงไปลอยคอยอยู่ก่อนแล้วก็ดำลงไปดึงจุกไม้อุดท้องเรือที่อําพรางไว้น้าก็รั่วเข้าเรือพวกที่แขนแข็ง แ, แรงก็พากันขย่มโครงเรือแล้วพลิกมันคว่ำลงพาเหล่าทหารของทางการเทกระจาดตามลงไปหลิงเจิ้นเห็นดังนั้นก็รีบหันหลังกลับแต่หางเสืออยู่ในน้าไม่รู้ว่าถูกถอดไปตั้งแต่เมื่อใดในโจรสองคนโผล่ขึ้นเรือย่ากลับเรือวูบหนึ่งเรือก็พลิกควา่า ลิงเจิ้นตกลงไปในน้ำ oh! ยวนที่สองที่ดำอยู่ใต้ผืนน้ำก็ลากประหลัดบัญชาการพังแสงหลวงไปขึ้นฝั่งตรงข้ามพวกในโจนคนอื่นๆที่รออยู่แล้วก็จับลิงเจิ้นมัดคุมตัวขึ้นเขาไปในครั้งนั้นทหารกว่าสองอถูกจับเป็นอีกราวครึ่งหนึ่งของที่เหลือจมน้ำตายพวกที่หนีรอดไปได้รีบกลับไปรายงานขุนพลหูเวียน คุ้นพ้นแห่งรูหนิงรีบระดมพลขึ้นมาควบมาช่วยแต่เพราะว่าเรือทั้งหมดพ้ามไปถึงผ่านปากเป็ดจนหมดแล้วชายหาดไกลเกินน้ำหนักธนูแถมไม่มีโจรรออยู่ให้เห็นหูเหวียนขบเขี้ยวเขี้ยวฟันไปอย่างไร้ประโยชน์ได้แต่หวนกลับค่ายหัวใจสุมไปด้วยไฟแ้น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 พวกเจ้านี่มันยังไงเนี่ยฮะเฮ้ยลิงเจิ้นก้มลงเขาเต่าขอพระคุณบรรดาในโจรที่ไว้ชีวิตส่งเจียงก็รินสุราใส่จอกพิธียื่นให้แล้วเข้าไปจับมือถือแขนพาหลิงเจิ้นเข้ามาในค่ายหลิงเจิ้นเห็นเปงฉีได้รับตำแหน่งเป็นในายใหญ่อีกคนผู้บัญชาการปืนใหญ่ปิดปากเงียบสนิทไม่สะกิดอะไรออกไปแม้แต่คาเดียวเปงฉีก็เข้ามาทักทายทาคล้ายดังจะให้อวาน วนหเจ้าไก่กับซ่งเจียงกระทาการตามบัญชาฟ้าดินต้อนรับขับสู้ผูกกล้าทั้งสิ้นทุกถิ่นที่เออพวกเขาล้วนรอรับพระราชทานอภัยโทษ ท, ที่จะโปรดกล้าเพื่อจะได้กลับเข้าไปเป็นข้าราชการปกคกปักรักษาแผ่นดินในเมื่อท่านกับข้ามาถึงที่นี่แล้วก็โปรดจงมารับบัญชาฟ้าจากพวกเขาเถิดซ่งเจียงตะล่อมเป็นเชิงของเข้ามาอีกสองสามประโยคลิงเจิ้นตอบว่าเออ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 ท่านมีน้ำใจหนักเกินไปนักแล้วถ้าแม้นตายจะได้ตายตาหลับเจ้าไก่ฟังอยู่ก็สั่งการว่าเออพวกเรามาฉลองกันเถิดวันรุ่งขึ้นบรรดาในโจรทุกคนก็มาร่วมชุมนุมกันที่หอธรรมายุทธภพขณะร่วมดื่มกับท่งเจียงก็ปรารบถึงทัพม้าเหล็กไม่มีผู้ใดคบปัญหานี้ได้ในที่สุดเสือดาวดวงทองถังหลงก็ลุกขึ้นยืน แล้วเอ่ยปากว่าไม่ว่าข้าน้อยจะไร้การศึกษาสติปัญญาหามไหม่แต่ก็พอคิดได้อยู่แผนหนึ่งขอรับที่ยังขาดอยู่ก็แต่อาวุธพิเศษชนิดหนึ่งแล้วก็ตัวลูกพี่ลูกน้องของข้าอีกผู้หนึ่งมูงยงถามด้วยความสนเทาว่าเอออาวุธแบบไหนแล้วลูกพี่ลูกน้องอะไรหรือฮะถังหลง ทั้งหลงกุมมือเขาด้วยกันสืบท้าวออกมาแล้วตอบออกไปด้วยอาการอันสงบบรรพระบรุษของข้าลวดเป็นช่างแสงเด็กซืบ่อกันมาแต่เก่าก่อนทั้งหลงกล่าวแก่บรรดาในโจรทั้งหลายในที่นั้นก็เพราะว่าเหตุที่เชี่ยวชาญในการนี้นี่เองท่านขุนพลจงพูดเท่าแห่งป้อมค่ายเย็ยนอัน ผู้วรารจิการมนทลชายแดนจึงชุบเลี้ยงปิดาข้าการรบด้วยวิธีเชื่อมทักหมาเหล็กพระหนึ่งยานเกลื่นี้นำชัยชนะมาสู่จกักรพรรดิทรงพระองค์ก่อนๆเสมอมาทางเดียวที่จะต่อกก้อนกับมันได้ก็คือใช้หอกติดเขียวเกาะตะขอมันพบ ร, รุษของข้าทายทอดภาพวาดของหอกชนิดนี้มาให้คิดว่าคงพอใช้เป็นต้นแบบข้าสามารถตีมันได้ก็จริงแต่จนปัญญาด้วยไม่รู้วิธีใช้ มีเพียงญาติค่าซึ่งเป็นครูทหารเท่านั้นที่รู้วิธีเพลงหอกเหล่านี้ล้วนถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นไม่มีสอนให้บุคคลภายนอกญาติของข้าสามารถร่ายรำได้ทั้งยืนอยู่บนพื้นดินและขี่บนหลังมา้าท่วงท่าสง่างามแม้แต่ผีเห็นก็ยังคลั่งลิ้นชงสอดขึ้นทันทีว่าท่านไม่ได้หมายถึงอาจารย์สู่หนิงครูพลหอกเหล็กดอกหรือไรทั้งหลวงกล่าวว่า เขาผู้นั้นนันเองแหละขอรับลิ้นชงจึงเอ่ยว่าอ๋อข้อได้ลืมเส้นเสียสนิทหากท่านไม่สะกิดขึ้นมาสัก่อนแหวิทยายุทธเพลงหอกเลยกับหอกตะขอของเขานั้นช่างล้ำเลิศพิสดารนะักเมื่อครั้งที่ข้ายังอยู่เมืองหลวงตะวันออกเราสองก็พบกันมาก็ตั้งหลายครั้งประลองกันมาก็หลายหนจนเคารพรักซึ่งกันและกันเป็นที่ยิ่งแต่ท่านจะพาเขาขึ้นเขามาด้วยวิธีใดหรือ ทั้งหลวงเอ่ยว่าท่อนสูหนิงมีสมบัติประจำตระกูลตกทอดมาจากบรรพบุรุษชิ้นหนึ่งวิเศษหาใดเปรียบช่วยปกปักรักษาครอบครัวจากผีปีศาจข้าเองเคยเห็นบ่อยๆห้ามที่ข้าติดสอยห้ยตามท่านพ่อไปเยี่ยมท่านแม่ของสูหนิงที่เมืองหลวงตะวันออกนั้นมันเป็นชุดเกราะข้นหานสารด้วยโลหะนี่ชื่อว่าแผงคอราชสีเกราะชุดนี้ทั้งเบาและกระชับให้ว่าคมดาบคมหอก หรือลูกดอกใดๆเป็นไม่อาจระคายผิวบรรทาขุนนางขุนนางพยายามขอดูแต่สู้หนิงไม่ยอมงวงแหนประดุษชีวิตเก็บใส่กล่องหนังผูกเอาไว้บนคือกลางห้องนอนถ้าเราไปเอามันมาได้เขาจะต้องตามมาถึงไม่อยากก็ต้องมาอูโยงจึงเอ่ยว่าท่อช่นนั้นไม่เป็นปัญหาดอกเราจะขอให้ท่านชื่อเฉียนหมัดบนหนังกลอง น้องผู้มีไหวพริบลงไปจัดการเรื่องนั้นเองชื่อเฉียนโอขึ้นว่าโอหากมันมีจริงๆข้าก็จะหาทางเอามันมาให้ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทั้งหลงจึงว่าถ้าท่านทาได้ข้าก็สัญญาว่าจะเอาสู่หนิ่งขึ้นมาให้ได้เช่นกันส้งเจี้ยงศักว่าโอจะทํายังไงล่ะฮะทั้งหลงก้มไปกระซิบใส่หู ส่งเจียงได้ฟังก็หัวร่อแล้วพูดว่า <c oughs> แม่แยบขายยิ่งนัก <c oughs> อูหยงจึงว่าท่านต้องพาคนไปเมืองหลวงตะวันออกด้วยอีกสามคนคนหนึ่งให้ไปหาซื้อดินปืนกับเครื่องคราวอื่นๆที่ใช้ประกอบปืนใหญ่อีกสองไปนำครอบครัวท่านหลิงจันขึ้นมาแปงฉีผุลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวว่า อพอจะมีใครอีกสักคนไปพาครอบครัวข้ามาจากหญิงโจโด้วยก็จะถือว่าเป็นพระคุณสุดจะเปรยบทรงเจียงจึงเอ่ยขึ้นว่าโอ้อย่าได้กังวลไปเลยท่านผู้ประชาการท่านทั้งสองโปรดเขียนหนังสือมาเลยขอรับข้าจะให้คนไปจัดการให้แล้วหันมาสั่งการว่าหยองหลินถือเงินส่วนหนึ่งกับหนังสือไปพาครอบครัวท่านเป็นฉีที่หญิงโจมา เสียหยงปลอมตัวไปพวกขายยาเร่รำกระบี่กระบองเข้าเมืองหลวงตะ ว, วันออกไปเอาครอบครัวของท่านผู้บริ ก, การหลิงเจิ้นลี่หยุนแต่งเป็นพวกค้าเข้าไปหาซื้อดินปืนและอุปกรณ์ต่างๆเยะโหกับถังหลงตามเสียหยงไปหลังจากไอ้หมัดบนหนังกลองชื่อเฉียนลงเขาไปแล้วส่งเจี้ยนก็ให้ถังหลงตีหอกตะข อ, ขอขึ้นมาเป็นต้นแบบเล่มหนึ่ง พอขึ้นแบบเสร็จก็สั่งให้ประดาช่างแสงประจําข่ที่อยู่ใต้บัญชาการของเหลยหิงที่มาจากครอบครัวช่างตีเหล็กลอกแบบระดมตีกันขึ้นมามากๆเรื่องนี้เราไม่พูดถึงกันอีกนะครับพวกที่จะจากไปทำงานอันได้แก่หยางหลินเสียหยงลี่หยุนเยโ่โหและถังหลงก็ได้รับการเลี้ยงอาลาแล้วพากันลงเขา วันรุ่งขึ้นใต้โจงก็ลงเขาติดตามไปสอดส่องบรรดาพี่น้องที่ไปทำงานมันยากที่จะใช้คำพูดสั้นๆมาแจกแจงให้เห็นรายละเอียดต่างๆได้นะครับชื่อเฉียนเอาเครื่องไม้เครื่องมือซ่อนไว้กับตัวแล้วออกจากบึงเหลียงซานเดินตามเส้นทางคดเคี้ยวจนกระทั่งลุถึงเมืองหลวงพักค้างคืนที่โรงเตียมนอกเมืองพอรุ่งขึ้นก็เล็ดลอดเข้าไปในตัวเมืองถามหาบ้านครูทหารสู่หนิง พอผ่านประตูกองพันเข้าไปชาวบ้านคนหนึ่งบอกทางพลางชี้ไปเบื้องหน้าโอ้ย น, น, อน่นน่นโน่นโท่านพำนักอยู่บ้านหลังที่ห้ากรอบประตูสีดำตรงมุมกำแพงพอดีแล้แหละโอ้โหเขาเรียกวงกบประตูบอกกรอบประตูสีดำปาดทะ้อไม่รู้จักวงกบไงฮะไอหมัดบนหนังกลอง ก้าวเข้าไปในเขตกองพันธ์แล้วมองหาประตูหน้าบ้านสูนิงเสร็จแล้วก็เดินอ้อมไปดูรูดทางที่หลังบ้านตัวบ้านกับสนามล้อมรอบด้วยกำแพงสูงแต่ก็พอมองเห็นบ้านสองชั้นดูสวยงามประทัดรัดมีเสาแกะสลักปักไว้ข้างบ้านต้นหนึ่งสูงนักไอหมัดพิจารณารูปทางอยู่พักใหญ่ก็เตร็ดเตรไปหาเพื่อนบ้านออท่านพี่ท่านพี่ท่านพอจะทราบไหมว่า ท่านอาจารย์สูนิงอยู่บ้านหรือไม่ล่ะขอรับโอ้ยท่านยังไม่กลับมาจนกว่าจะค่านั่นแหละแต่พอยามหัก็ต้องตื่นไปเข้าเวียนยามที่วังหลวงอีกโฮ้ยจะได้เจอกันนะเปล่าเนี่ยฮะชื่อเชียนขอบพระคุณชายผู้นั้นอย่างนอบน้อมแล้วกลับไปยังโรงเตียมของตนเอาเครื่องมือซ่อนไว้กับตัวไอ้หมัดบอกเด็กรับใช้ว่าขอจะออกไปข้างนอกบางทีคืนนี้อาจไม่กลับ เจ้าช่วยดูแลข้าวของในห้องให้ข้าด้วยนะเอไม่ต้องเป็นห่วงดอกขอรับที่นี่เป็นเมืองหลวงขโมยขจรแถานี้ไม่มีดอกเด็กรับใช้ตอบชื่อเฉียนกลับเข้าไปในเมืองกินข้าวเย็นแล้วก็แอบเข้าไปใกล้บ้านสู่หนิงภายในกองพันหอกเหล็กมองไป ร, บรอบๆจะหาที่มาเหมาะซ่อนตัวก็ไม่ได้ราตรีโรยม่านมืดลงมาชื่อเฉียนจึงเตรอยู่ด้านใน แถวๆซุ้มประตูกองพันธ์ในไม่ช้าก็มืดสนิทหน้าหนาวในคืนนั้นไร้แสงจันทร์สอดส่องไอหมัดเห็นต้นกระดาษขนาดใหญ่ต้นหนึ่งขึ้นอยู่หลังสารเจ้าเทพปฐพีจึงรีบปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วเลือกได้คาคบหนึ่งก็จับเจ้าอยู่บนนั้นอย่างเงียบเชียบสู่หนิงกลับมาถึงบ้านก็ครุกอยู่แต่ข้างในยามสองคนเดินไปปิดประตูใหญ่หน้าค่ายลั่นดานแล้วก็กลับบ้านของตัว เสียงย่ากลองบอกยามหนึ่งแวลงมาจากหอกลองม้านแห่งความเย็นยะเยือกห่มคลุมไปทั่วแม้แต่แสงดาวก็ยังมัวสัวน้าค้างเย็นจนขุนขาวทุกอย่างหยุดนิ่งทุกสิ่งไม่ไหวติงชื่อเฉียนไต่ลงจากต้นไม้เล็ดลอดเข้าไปในประตูหลังบ้านสู้หนิงปีนข้ามกําแพงเข้าไปอย่างง่ายดายข้ามสวนย่อมตรงไปยังโรงครัวมองลอดเข้าไปหญิงรับใช้สอคนกําลังสารวจนทาความสะอาดใสตะเกียง ชื่อเฉียนก็ปีนเสาขึ้นไปแล้วข้ามไปซ่อนตัวอยู่ใต้ชายคาแอบมองเข้าไปในหน้าต่างชั้นสองสู่หนิงกับพัญยานั่งอยู่ข้างๆเตาผิงหญิงสาวผู้นั้นตะกองกอดเด็กทารกอายุสักหกเจ็ดขวบเอาไว้แนบอกหกเจ็ดขวบนี่นมันขึ้นปหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องมันไม่ใช่ทารกแน่นอนอยู่แล้วว่าภายในห้องนอนสู่หนิงมีหีบหนังใบใหญ่ผูกเอาไว้ที่คือกลางห้อง ที่ประตูแขวนคันธ น, นูซองเก่าทันและดาบเอาไว้ส่วนบนราวมีแพรพันหลักสีสันแขวนอยู่หลายชิน้นสู้หนิงตะโกนเรียกว่ากลิ่นลูกไหนมาพับผ้าพวกนี้ค่ะเทีสาวใช้ผู้หนึ่งเดินขึ้นบันไดามาแล้วนำเสื้อคลุมผ้าปักสีม่วงตัวหนึ่งไปพับบนโต๊ะยาวรวมเอาไว้กับชุดใส่ในราชการเป็นเสื้อจับจีดกุนชายไว้ด้วยผ้าสีเขียว ถ้าไหมพันคอลายสีหนึ่งผืนรัดประคบเป็นเข็มขัดสีเขียวสลับแดงและผ้าเช็ดมืออีกหลายผืนแล้วลําเลียงใส่กล่องผ้าสีเหลืองข้างในมีรัดประคบสีทองปักลายลิ้นจีห้อยหางนาคสองหางย้อยลงไปจากสะเอลห่อด้วยผ้าอีกชั้นหนึ่งแล้วเอาไปวางไว้บนตะแกรงเหนือเตาผิงรายละเอียดเหล่านี้ไม่ได้คลาดสายตาของชื่อเฉียนไปได้เลยแม้แต่ขั้นตอนเดียว ในช่วงยามสองสุนิงก็เข้านอนก่อนจะหลับไปนะครับพันยาก็ถามสุนิงว่าพรุ่งนี้ท่านพี่ต้องไปเข้าเวรด้วยหรือเจ้าคะโออพรุ่งนี้สมเด็จพระจกักรพรรดิจ ะ, สะเสด็จออกท้องพระโรงค์ตำหนักเริกมังกรพี่ต้องตื่นแต่เช้าเรียบเข้าเฝ้าพระองค์ท่านตั้งแต่ยามห้าพันยาสุนิงก็กล่าวกับนางกิดลูกไหนว่า นายเจ้าอ่ะจะไปเข้าเวรตั้งแต่ยามห้าพรุ่งนี้เช้าเจ้าทั้งสองต้องตื่นตั้งแต่ยามสี่นะต้นน้ําแล้วก็หาอะไรให้ท่านรองท้องชื่อเฉียนคิดในใจว่าเห็นชัดว่ากราะวิเศษต้องอยู่ในเห็ดหนังที่แขวนอยู่บนขื่อแน่ๆถ้าจะให้ดีที่สุดต้องขโมยเอายามกลางคืนแต่ต้องไม่ให้พวกเขาตื่นมิฉะนั้นพรุ่งนี้จะหนีออกจากเมืองไม่ทันปฏิบัติการครั้งนี้จะล้มเหลวไม่เป็นท่าเรารอท่าไปจนถึงยามห้าจะดีกว่า จะได้มีเวลานานๆพอทั้งสามีพัญญาพากันขึ้นเตียงหลับนอนแล้วสาวใช้ทั้งสองก็ปูเสื่อลงนอนหน้าประตูห้องนอนตะเกียงดวงหนึ่งจุดสว่างเอาไว้บนโตะ๊ะไม่ช้าคนทั้งสี่ก็พากันหลับไหลหญิงรับใช้ทำงานหนักมาตลอดทั้งวันก็นอนแผ่หลาโกลนสนันด้วยสิ้นแรงหมัดบนหนังกลองคลืบคลานเข้าไปใกล้หน้าต่าง เอาอ้อปร่องยาวเจาะกระดาษฝ้ายื่นปลายด้านหนึ่งเข้าไปใกล้เปลวไฟที่ไส้ตะเกียงเป่าเพียงปุดเดียวตะเกียงก็ดับ<_ letter> <_ letter> <_ letter> พอได้ยามสี่สู้หนิงตื่นเรียกหาหญิงรับใช้ให้ต้มน้ำร้อนให้สาวใช้ทั้งสองผุดลุกขึ้นนั่งก็สังเกตว่าเทียนดับไปแล้วทั้งสองอุทานว่าอุม้มเจ้าไฟดับเรามองไม่เห็นอะไรเลยเจ้าค่ะ โอ๊ยก็ อ, ออกไปเอามาใหม่จากหลังบ้านสั่งดวงหนึ่งซิหม้ออ้ยซ้อยอยู่ได้ป๊าเดี๋ยวก็สว่างกันพอดีนั่นแหละกลิ่นลูกไหนกับสาวใช้อีกสองคนก็เปิดประตูบันไดออกไปแล้วรีบลงไปชั้นล่างทันทีที่ได้ยินเสียงบันไดลัน e ่นเอี๊ยดตามแรงเหยียบ หมัดบนหนังกลองรีบไต่ลงจากต้นเสาแอบเข้าไปอยู่ใต้เงามืดประตูหลังยิงรับใช้ทั้งสองพรักประตูออกเดินไปเปิดประตูกำแพงสนามชื่อเฉียนจึงวูบเข้าประตูครัวแล้วเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะตัวหนึ่งกลิ่นลูกไหนกลับมาพร้อมกับตะเกียงดวงหนึ่งหักประตูแล้วเริ่มก่อไฟยิงรับใช้อีกคนห้วเตาอั้งล้ขึ้นไปชั้นบนไม่นานนักน้ำในกาก็เดือด กลิ่นลูกไหนถือการน้ำร้อนหิ้วตามขึ้นไปสู้หนิงล้างหน้าบ้วนปากเรียกหาเล่าอุ่นๆสาวใช้จัดโต๊ะเอาเนื้อกับมันโถออกมาวางพอสู้หนิงเสร็จก็สั่งยิงรับใช้ให้ออกไปเลี้ยงดูทหารรับใช้ที่รอท่าอยู่ด้านนอกชื่อเฉียนได้ยินเสียงอาจารย์สู่เดินลงบันไดแล้วก็สั่งทหารรับใช้กินอาหารให้อิ่มแล้วสูหนิงก็หยิบหอของที่กลิ่นลูกไหนเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคือนขึ้นคลองบ่าถือหอกเหล็ก ก้าวออกมาจากบ้านเด็กสาวจุดโคมไฟแล้วออกไปส่งนายผู้ชายจนถึงประตูรั้วหมัดบนหนังกลองมุดออกมาจากใต้โต๊ะขึ้นกระไดไปชั้นบนแล้วปีนฝ่าไม้ระแนงขึ้นไปหมอบอยู่บนคือหลังจากนั้นสาวใช้ทั้งสองก็กลับเข้าบ้านเป่าโคมไฟที่อยู่ชั้นล่างให้ดับขึ้นกระไดมาแก้ผ้าผ่อนและล้มตัวลงนอนบนเสือ่อ พอแน่ใจว่าพากลับหมดแล้วทั้งบ้านชื่อเฉียนก็ยื่นปล่องอ้อลงมาเป่าตะเกียงให้ดับอีกแล้วค่อยๆแกะเชือกที่มัดขีบหนังออกขยับจะลงมาอยู่พอดีฉับพลันพัญญาสู้หนิงก็ได้ยินเสียงก็ตกใจตื่นนางจึงถามกิ่นลูกไหนว่าลกไหนลูกไห น, ไหนเสียงอะไรดังลงมาจากเครือฮะตอนนั้นชื่อเฉียนรีบทำสิงจีจ๊ดจดกระดุดหนูกัดกัน เด็กหญิงเอ่ยตอบขึ้นว่าอไม่ได้ยินอะไรเลยเจ้าค่ะหนูมันสู้กันมั้งเจ้าค่ะชื่อเฉียนได้ทีก็ปล่อยเสียงประหนึ่งหนูเป็นโยงยกกําลังเข้าห้ำหันกันแล้วถไล่ตัวลงมาแอบเปิดประตูหน้าบันไดเวียงหีบหนังขึ้นบ่าก้าวเดินลงกระไดามาอย่างรวดเร็วพอเปิดประตูบ้านได้ก็ก้าวออกสู่ภายนอกในเวลานั้นพวกข้าวเวียามในกองพันกลับกันไปหมดแล้วในยามสี่เช่นนี้ ทหารยามจะมาถอดดานปล่อยประตูใหญ่ให้เปิดอ้าไว้ชื่อเฉียนแทรกตัวเข้าไปในหมู่ผู้คนรีบจำอ้าวไปจนถึงโรงเตรียมนอกเมืองที่ตนพักจึงได้หยุดตอนนั้นยังไม่ทันสว่างดีจึงเคาะเรียกยามแล้วเข้าไปเก็บข้าวของผูกห่อผ้ากับหิบหนังไว้กับไม้ครานชำระเงินออกจากโรงเตรียมบ่ายหน้าไปทางตะวันตก ไปยังไม่ถึงสี่สิบลีด้ดีก็หยุดแวะกินข้าวที่ร้านอาหารข้างทางแล้วลงมือหุงข้าวปลาอาหารครับแม่น่าแปลกนะครับโรงเตียมข้างทางนะไม่มีข้าวให้กินต้องลงมือหุงข้าวปลาอาหารเองนะครับแม่แปลกจริงๆครับจริงๆแล้วถ้ามันไม่จําเป็นต้องเข้าเอโรงเตียมข้างทางก็ได้นะครับจริงๆแวะใต้ต้นไม้ก็ได้นะกินมันใต้ต้นไม้นี่แหละครับสบายใจดีแม ท่านในนั้นบุรุดหนึ่งก้าวเข้ามาชื่อเฉียนเงยหน้าขึ้นมองจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากไต้จงเทพท่องทางได้เห็นแล้วว่าชื่อเฉียนได้ของตามที่หมายทั้งสองสนทนากันไปอย่างเงียบๆไต้จงจึงกล่าวว่าพ่อจะเอาชุดเกราะกลับขึ้นไปก่อนท่านกับถังหลงตามมาช้าชานะชื่อเฉียนเปิดหีบหนังดึงเอาเกราะ อ, อ่อนขนห่านสารโลหะออกมาห่อผ้า แตจงรับเอามาผูกไว้กับตัวเทพทองทางออกจากโรงเตียมได้ก็ร่ายเวทแล้วรีบระเห็ดกลับไปยังบึงเหลี่ยงสานในทันใดฝ่ายชื่อเฉียนผู้ขีบหนังเปล่าเข้ากับไม้คานดังเดิมหลังจากกินเสร็จจ่ายค่าอาหารแล้วก็ยกหาบขึ้นบ่าเดินจากมาพอได้ทางสักยี่สิตลีก็เจอถังหลงทั้งสองเข้าโรงเตียมไปปรึกษาหารือกัน ทั้งหลงบอกกับชื่อเฉียนว่าโอ้ข้าอยากให้ท่านเดินตามทางสายนี้ไปเรื่อยๆเห็นโรงเตี๊ยมหรือโรงแรมหรือร้านอาหารที่ไหนที่มีปูนขาวกาเป็นวงกลมไว้ที่หน้าประตูก็ให้เข้าไปหาซื้อเนื้อซื้อเหล้ากินหากโรงเตี๊ยมแห่งใดพอจะพักได้ก็ให้เข้าพักแล้วเอาหีบหนังนี้ออกวางไว้ให้เห็นทั่วๆกันคอยระวังให้ล่วงหน้าคาไวก้าวหนึ่งเสมอ ทั้งลงดื่มเหล้าของตนไปอย่างช้าๆแล้วก็บ่ายหน้าเข้าสู่เมืองหลวงตะวันออกโดยไม่รีบเร่งที่บ้านสหนิงสาวใช้ทั้งสองตื่นนอนตอนฟ้าสางก็เห็นว่าไม่เพียงประตูบันไดจะเปิดแต่ประตูบ้านชั้นล่างก็พลอยเปิดอ้าเอาไว้ด้วยทั้งสองรีบตรวจตราดูข้าวของอย่างร้อนรนดูเหมือนจะไม่มีอะไรหายจึงรีบขึ้นไปรายงานนายหญิงเราไม่เข้าใจเลยเจ้าค่ะ ทั้งๆ ท, ที่ประตูเปิดอ้าเอาไว้หมดแต่ข้าวของทุกอย่างยังคงอยู่ครบอ๋อก็ตอดยามห้านะข้าได้ยินเสียงบ่นคือเจ้ายังบอกว่าเป็นเสียงหนูกัดกันเลยเจ้าทั้งสองรีบเข้าไปดูซิว่าหีบหนังยังอยู่ดีหรือช่นไหนสาวใชเรีบเข้าไปดูแล้วพากันหวีดร้องขึ้นว้ายมันหายไปแล้วเจ้าค่ะนายหญิงนายสาวตกตะลึงเละครับ เร็วเรียกหาใครสักคนบอกให้ไปตำหนักเลิกมังกรบอกนายท่านให้รีบกลับบ้านมาเร็วที่สุดกลินลูกไหนกับเพื่อนสาวใช้คนสามสี่คนไล่ตามกันไปติด ต, ติแต่ละคนล้วนกลับมาด้วยคำตอบเดียวกันหมดก็คือกองพันห อ, อกเหล็กตามเสด็จไปยังตำหนักสวนขวัญสวนนั้นบัดนี้เต็มไปด้วยราชองครักษ์ไม่มีใครกล้าฝ่าเข้าไปต้องรอให้ท่านสหนิงกลับมาเอง ทั้งนายหญิงก well, ับสาวใช้ทั้งสองเหมือนมดที่ไต่ก้นกระทะจะทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างกระสับกระส่ายไม่เป็นอันลุกอันนั่งก็จนพบค่ำสูหนิงจึงได้โอกาสถอดเสื้อคลุมสั่งทหารรับใช้แบกหอกเหล็กเดินกลับบ้านอย่างช้าๆสาวใช้รีบเข้าไปดูแล้วพากันหวีดร้องขึ้น ว้มันหายไปแล้วเจ้าค่ะนายหญิงนายสาวตกตะลึงแล้วครับเร็วเรียกหาใครสักคนบอกให้ไปตำหนักเ่ิกมังกรบอกนายท่านให้รีบกลับบ้านมาเร็วที่สุดกลิ่นลูกไหนกับเพื่อนสาวใช้คนสามสี่คนไล่ตามกันไปติดติดแต่ละคนล้วนกลับมาด้วยคำตอบเดียวกันหมดก็คือ กองพันห อ, อกเหล็กตามเสด็จไปยังตำหนักสวนขวัญสวนนั้นบัดนี้เต็มไปด้วยราชองครักษ์ไม่มีใครกล้าฝ่าเข้าไปต้องรอให้ท่านสหนิงกลับมาเองทั้งนายหญิงกับสาวใช้ทั้งสองเหมือนมดที่ไต่ก้นกระทะจะทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างกระสับ ก, กระสายไม่เป็นอันลุกอันนั่งก็จนพบคาสหนิงจึงได้โอกาสถอดเสื้อคลุมสั่งทหารรับใช้แบกห อ, อกเหล็กเดินกลับบ้านอย่างช้ า, ชา ที่ประตูทางเข้ากองพันธุ์เพื่อนบ้านผู้หนึ่งก็บอกว่า อ, อ้าวได้ยินว่ามีขโมยขึ้นบ้านท่านพันญาของท่านรอท่านอยู่ทั้งวันพอได้ฟังสุนิงก็ตกใจรีบกลับเข้าบ้านหญิงรับใช้รีบออกมารับถึงหน้าประตูและพูดกับสุนิงว่าให้ขโมยอะนะมันคงแอ บ, บเข้ามาตอนที่นายท่านออกจากบ้านไปในตอนยามห้าแล้วมันก็ขึ้นไปเอาเหิมหนังบนเขือเจ้าค่ะ พอได้ฟังว่าของสำคัญหายสหนิงก็อุทานอยู่ในอกด้วยความปวดร้าวอยู่ในใจฝ่ายพัญญาก็บอกว่าโอ้ใครจะไปรู้ว่ามีขโมยแอบเข้ามาในห้องนอนน่ะสูนิงบอกว่า<ม>เฮ้ยถ้าเป็นของอย่างอื่นก็คงไม่กระไรนักแต่นี่มันเป็นสมบัติของบรรพชนที่ตกทอดกันลงมาถึงสี่ชั่วคนแล้วแม้แต่เสนาบดีหวงศิลปินเอกประจำราชสนะเสนอเงินให้ถึงสามพันพงอีแปะ ข้ายังไม่มีกระจจะขายด้วยคิดว่าอาจจะต้องเก็บไว้ใช้ในสนามรบก็เพราะกลัวว่าจะหายดอกจึงเอาขึ้นไปผูกไว้บนคืนหลายคนอยากจะเห็นแต่ข้าก็แกล้งบอกว่ามันหายไปแล้วคืนร่องแรกแหกกระเชอออกไปตอนนี้ก็รังแต่จะถูกเข้าหัวเราะเยาะหยันแต่ตอนนี้มันเกิดหายไปจริงๆซะแล้วใจข้าทำฉันใดดี คืนนั้นทั้งคืนสุนิงนอนไม่หลับคิดกระสับกระสายเฝ้าสงสัยอยู่แต่ว่าใครเอาไปมันถ้าจะต้องเป็นคนที่รู้ดีว่าข้ามีชุดเกราะอยู่แน่นน่ข้างพัญญานั้นคิดอยู่สักพักก็เอ่ยขึ้นว่าตอนตะเกียงดับนะไอ้หัวขโมยคนนี้เห็นทีจะหลบเข้ามาในบ้านอยู่ก่อนแล้วใครบางคนที่อยากได้มนักหนาไอ้พวกที่เคยมาถามซื้อ คงจะไปจ้างเอาพวกย่องเบาชั้นเชี่ยมมาลักเอาไปแต่งแครออกไปสืบข่าวอย่างเงียบๆว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วค่อยมาพิจารณาดูว่าจะทําอะไรได้บ้างตอนนี้อย่าเพิ่งแหวกยากให้งูตื่นสู้หนิงรับฟังอย่างเงียบๆตื่นขึ้นแต่เช้าเอาแต่นั่งกลัดกลุ้มอยู่ในบ้านพอได้เวลาอาหารเช้าใครบางคนก็มาเคาะประตูหน้าบ้านทหารรับใช้รีบออกไปดูแล้วกลับเข้ามารายงานว่า ไอ้งนท่านถังหลงบุตรชายของขุนหน้าป้อมค่ายเย็ยนอันแวะมาเยี่ยมคารวะขรับสุนิงสั่งให้ไปเชิญเข้ามาพอก้าวเข้ามาเห็นสุนิงทั้งหลงก็ซุดลงคารวะสุนิงเอ่ยปากทักว่าอ้าวได้ข่าวว่าท่านนาะไปสวรรค์ซะแล้วแต่ข้าถูกงานในราชการรัฐตัวและบ้านท่านหนาก็ไกลเลิศเกินจึงไม่มีโอกาสไปเคารพศพ แล้วข้าก็ไม่ได้รับข่าวจากตัวท่านเองมานานแล้วเช่นกันตอนนี้ท่านไปทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้วมาทำอะไรถึงที่นี่ล่ะฮะทั้งหลงตอบว่าเออเรื่องมัน้าวนะขอรับตั้งแต่พ่อมาตายชีวิตข้าก็ตกรกระทำลำบากซัดเซผนเจรไปเรื่อยๆวันนี้ข้ามาจากสารตรงมาเยี่ยมท่านพี่เป็นการเฉพาะทีเดียวสหนิงจึงเอ่ยปากชวนขึ้นว่าน้องพี่ท่านอยู่ที่นี่ก่อนสักพักสิ พลางสั่งให้หาเล่ากับข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงแขกทังหลงล้วงเข้าไปในหอหยิบอาทองคําแผ่นบางราวใบไม้ออกมาสองแท่งหนักสักยี่สิบตำลึงแล้วส่งให้สู่หนิงก่อนท่านจะเสียท่านพ่อสั่งให้ข้านาทองสองแท่งนี้มามอบให้ท่านพี่เอาไว้ดูต่างหน้าแต่เมื่อหาใครที่ไว้ใจให้นามันมาไม่ได้ข้าจึงต้องมาส่งเองขอรับ โอ้ท่า น, นาช่างเมตตาเสียนี่กระไรส่วนข้านั้นกลับไม่เคยได้ตอบแทนพระคุณท่านเลยแม้สักอย่างข้าไม่รู้ว่าจะไปขอบพระคุณท่านได้ที่ไหนทั้งหลงจึงเอ่ยขึ้นว่าเอออย่าได้ปลราโรมไปเลยขอรับท่านพี่ท่านพ่อชื่นชมในฝีไม้ลายมือเชิงวิทยายุทธของท่านพี่นะักท่านเสียใจอยู่ก็แต่ว่าอาศัยอยู่ห่างไกลเกินไปเลยไม่ได้เห็นหน้า ดังนั้นจึงทิ้งทองสองแท่งนี้มาให้เพื่อเอาไว้เตือนความทรงจำํำสุนิ้งขอบคุณถังหลงรับทองไปแล้วฝ้าบนเทิงเขาด้วยสุราอาหารแต่ในระหว่างที่ดื่มกินกันไปนั้นหัวคิวก็ขมวดเข้าพันกันหน้าตาไม่มีความสุขสรันเอาซะเลยในที่สุดถังหลงก็ลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่าท่านพี่ดูไม่สบายใจหนักนะัมีอะไรรบกวนหรือขอรับ สู้นิ้งถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วพูดขึ้นว่าเฮ้ยท่านไม่รู้ดอกใช่แล้วเรื่องมันยาวเมื่อคืนนี้ขโมยขึ้นบ้านค่ะฮะมีอะไรหายไปบ้างหรือขอรับก็มีเพียงชุดเกราะขนหานสารโลหะที่เรียกกันว่าแผงคอราชสีที่เป็นสมบัติตกทอดประจำตระกูลเท่านั้ น, นแหละแต่มันเป็นชุดเกราะที่แสนพิเศษ เพื่อหายไปดังนี้ข้าก็ให้กลุ่มใจนะักทั้งหลงจึงพูดว่าข้าเองก็เคยเห็นมาแล้วครั้งหนึ่งมันวิเศษเกินจะกล่าวบิดาผู้ล่วงลับของข้าก็เฝ้าสันสิรนไปนักเป็นหนาแล้วท่านพี่เก็บมันไว้ที่ไหนล่ะซื่อหนิงตอบว่าข้าใส่ไว้ในหีบหนังผูกเอาไว้บนคือเหนือห้องนอน นึกไม่ถึงเลยว่าขโมยจะกล้าแอบมานักเอาไปเฮ้ยเสียท่ามันจนได้ทั้งหลงจึงถามขึ้นว่าเออหีบหนังไม่รูปร่างอย่างไรหรือขอรับเซื่อหนิงตอบว่ามันเป็นหีบหนังแพะสีแดงส่วนเกราะที่อยู่ในนั้นก็ห่อผ้าไหมเอาไว้อีกชั้นหนึ่งฮะหีบหนังแพะสีแดงหรือทั้งหลงอุทานทำประหนึ่งตกตะลึงพลเพลิด ใช่ที่ข้างหีบปักด้วยได้ขาเป็นรูปคาถาหัวแม่ตรงกลางเป็นรูปสิงโตคาบแก้วอยู่ใช่หรือไม่เอ๊ะน้องพี่ท่านไปเห็นมันที่ไหนหรือขอรัเออก็เมื่อคืนก่อนตอนที่นั่งดื่มอยู่ในโรงเตียมหลังหนึ่งห่างจากที่นี่ราวสี่สิบลี้เห็นจะได้ล่ะครับข้าเห็นคนคนหนึ่งตัวผอมเกรง็งผิวหยาบกร้านในตาลอกแหละหาหีบใบนี้เข้ามาในร้าน ข้าสงสัยว่าใส่อะไรอยู่ข้างในพาอจะออกจากโรงเตียมก็เลยไปถามว่าเฮียใส่อะไรอยู่ข้างในอ่ะมันตอบว่าแต่ก่อนเคยใส่ชุดเกราะแต่ตอนนี้เป็นเสื้อผ้าจีปาทะข้าคิดว่ามันต้องเป็นคนที่ท่านว่าแน่ๆเห็นได้ชัดว่าขามันคงเจ็บเพราะเห็นเดินกระเพกกระเพกทำไมไม่รีบตามไปจับมันให้ได้ล่ะอ๋อหากเป็นชิ้นนั้นได้ก็หมายถึงสวรรค์โปรด ถังหลงจึงเอ่ยขึ้นว่าพออย่างนั้นนะนะก็อย่าได้ชักช้าไปเลยเรีบไปกันซะเดี๋ยวนี้เถิดสูนิงรีบเปลี่ยนใส่รองเท้าสานเอาดาบผูกเข้ากับสะเอลหยิบเงาแล้วรีบรุดไปตามถนนออกจากเมืองพร้อมกับถังหลงลอดไปทางประตูตะวันออกไม่ช้าถังหลงก็เห็นโรงเตี้ยมหลังหนึ่ง มีปูนขาวกาเป็นวงไว้ที่หน้ากำแพงทั้งหลงเอ่ยขึ้นว่าเออเข้าไปหาอะไรดื่มสักหน่อยเพื่อจะได้สอบถามหาเบาะแสนะฮะทั้งสองเข้าไปนั่งทั้งหลงถามเจ้าของโรงเตี้ยมว่าเออเท่าแก่เท่าแ ก, าแก่เห็นคนผอมๆในตาลอกแหลกหอบหีบหนังแพะสีแดงผ่านมาทางนี้บ้างหรือเปล่าหลังฮะเท่าแก่โรงเตี้ยมตอบว่า อ่าเมื่อคึงกล่องอมีแบบนี้มาของหนึ่งรู้เหมือนว่านะมังจะขาเจเดินกระเพ็กกระเพกอะทั้งหลงร้องขึ้นว่าได้ยินไหมท่านพี่สู้หนิงพูดไม่ออกทั้งสองรียบใจเงินค่าเหล้าทหลันไปทางประตูพอผ่านไปข้างหน้าก็เห็นสัญญาณปูนขาวที่โรงเตี้ยมอีกแห่งหนึ่งทั้งหลงก็หยุดอีกแล้วเอ่ยขึ้นว่าเออข้าไปต่อไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางต่อกันเถิดขอรับท่านพี่ สู้หนิงจึงเอ่ยขึ้นว่าไอ้ข้าเป็นคนของราชการหากไม่ไปแรงงานตัวไม่หวังถูกผู้บกคคลบัญชาตำหนิแล้วใ้ข้าทำฉันใดดีเล่าเฮ้ยทั้งหลงจึงว่าอย่า ก, กังวลไปเลยท่านพี่พัญญาท่านต้องแก่ให้ท่านอยู่แล้วคืนนั้นทั้งสองก็สอบถามผู้คนในโรงเตี้ยมเด็กรับใช้ผู้หนึ่งบอกว่าคืนก่อนนะ่ะคนตัวผมผอมอ้วน ดำๆเขาๆขามาพักค้างคืนที่นี่น้อนตื่นสายกว่าจะออกเดินทางได้ก่าตะวันดงแล้วสอบถามเส้นทางที่จะตรงไปซานตงุงทั้งหลงเอ่ยว่าเ้อาเช่นนั้นจึงหมายความว่าเราต้องไล่มันทันแน่ๆทั้งสองก็ค้างคืนที่นั่นออกก่อนตะวันจะขึ้นลัดลลอกไปตามหนทางที่คดเคี้ยวหากเห็นโรงเตียมที่มีเครื่องหมายปูนขาวที่ไหนเป็นอันว่าทั้งหลงจะต้องหาเรื่องหยุด ไม่กินเหล้าก็ต้องกินข้าวไม่กินข้าวก็ต้องถามทางแต่ทุกที่ที่หยุดก็ได้ข่าวเหมือนๆกันสู้หนิงกระวนกระวายใครจะได้เกลอบคืนก็ขมิขมันตามถังหลงไปค่อยๆวันนั้นทั้งวันจวนตะวันจะพบก็มองเห็นวิหารเก่าแก่หลังหนึ่ง ที่น่าสารเจ้าชื่อเฉียนนั่งพักหาบอยู่ใต้ร่มไม้ทั้งหลงอุทานขึ้นว่านั่นไม้ท่านี่แต่ต้นไม้นั้นไม่ใช่หีบหนังใบนั้นของท่านดอกหรือสู้หนิงมองไปถลันตามไปข้างหน้าขวาตัวชื่อเฉียนเอาไว้แล้วตะคอกใส่เฮ้ยไอ้จอนกล้าบ้าบินแห่ฉันไหนจึงกล้ามาขโมยปลอกโอ้ฮะเฮ้ย เดี๋ยวเด๋วเดียวฮ้ยหยุดตะคอกทีได้ไหมเฮ้ยใช่ก็ฆ่าจักอาโมยแล้วจะมีอะไรหรือเปล่าล่ะฮะไอ้บัตรซบยังไม่น่ามาย้อนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยก็เชิญเปิดหีบดูซิว่าชุดเกราะเจ้ายังอยู่หรือเปล่าทั้งหลงเปิดหีบออก ด, ดูแต่ทว่ามันกลับว่างเปล่าไอ้ชาติชั่วมึงเอาเสื้อเกราะของกูไปทำอะไร สู่หนิงพยายามเข้นต่อเอาละเอาละข่าวนี้ฟังข้าพูดบ้างนะอันว่าข้านี้มีนามว่าจ้างเป็นบุตรคนตอพื้นเพเป็นคนมาจากจังหวัดไทอาน<จ>คนมั่งมีผู้หนึ่งในจังหวัดรู้จักกับตัวท่านขุนพลจงผู้เท่าแห่งป้อมค่ายชายแดนจึงได้ทราบว่าท่านมีเกาะขนห่านแต่ไม่คิดจะขายจึงได้ว่าจ้างข้ากับคนอีกคนหนึ่งชื่อว่าหลีลูกคนที่สาม ให้ไปขโมยมันมาเขาจ่ายเราเป็นเงินอิแปะสิบพันพวงตอนที่ข้ากระโดดจากเสาไม้ในบ้านท่านลงมาที่สนามข้อเท้าเกิดแพงเดินได้ไม่เร็วข้าจึงให้ลีร่วงหน้าไปพร้อมชุดเกราะเก็บไว้แต่กล่องหนังใบนี้หากท่านขืนกดดันข้าจะลากตัวไปขึ้นศาลต้องให้บอยข้าจนตายข้าก็จะไม่พูดหากท่านไม่คิดเอาโทษข้าก็จะช่วยตามเอามันขึ้นมา สูหนิงได้ฟังก็นิ่งไปหลายนานนะครับไม่อาจตัดสินใจใดๆไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้ทั้งหลงจึงเอ่ยขึ้นว่าท่านพี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหนีดอกขอรับตามันไปเอาชุดเกราะคืนมันจะดีกว่าหากไม่ได้เรายังจะพอมีเวลาล่กตัวมันไปให้เทศาที่ตะ บ, บนไหนๆเล่นงานมันก็ยังทันเอางั้นนะก็จริงดังที่ท่านว่าแล้วน้องพี่ คนทั้งสามเดินไปตามถนนแล้วแวะพักที่โรงเตี๊ยมหลังหนึ่งสู่หนิงกับถังหลงคอยจับตาดูชื่อเฉียนแต่ไอหมัดบนหนังกลองพันข้อเท้าเอาไว้ประหนึ่งว่าขาจะแพงจนสู่หนิงเห็นว่ามันคงจะเดินไปได้ไม่คล่องจึงไม่ค่อยระวังระวัยสักเท่าไหร่นักพอเช้าขึ้นทั้งหมดก็ตื่นแล้วรีบเดินทางต่อวันนั้นทั้งวันชื่อเฉียนเอาเงินซื้อเหล้ายาอาหารการกินเป็นเชิงของขามาลาโทษไปตลอดทาง รุ่งขึ้นอีกวันสู่หนิงเริ่มกระวนกระวายหนักขึ้นสงสัยว่าชื่อเฉียนจะพาพวกเขาไปหาชุดเกราะได้จริงๆหรือไม่ระหว่างทางก็เจอเขากับม้าเปล่าลากรถสามสี่ตัวสารถีเตรเ อ, อยู่ข้างๆโดยมีพ่อค้าผู้หนึ่งยืนอยู่อีกฝากถนนพอพ่อค้าผู้นั้นเห็นถังหลงก็รีบเขาเต่าถังหลงเอ่ยทักว่าโอ้ท่านมาทาอะไรอยู่ที่นี่ล่ะน้องพี่พ่อค้าผู้นั้นตอบว่า ข้าไปทําธุระที่เจิงโจมาครับท่านพี่เสร็จแล้วก็กําลังจะกลับไทอานอยู่พอดีขอรับเยี่ยมเลยเราทั้งสามกำลังจะไปไทอานอยู่พอดีใครจะนั่งรถม้าไปด้วยจะได้หรือไม่โอ้ยจะเป็นไรมีต่อให้มากกว่านี้ข้าขอรับได้สมหาอะไรกับคนเพียงสามเท่านี้ทั้งหลงดีใจใหญ่รีบพาพ่อค้าผู้นั้นไปแนะนําให้สู่หนึ่งรู้จัก สหนิงถามว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันหรือขอรับเออชายผู้นี้ข้ารู้จักเมื่อปีก่อนตอนไปเผาทูบที่วัดไทอานเขาไม่นามว่าลี่หลงเป็นคนตรงผู้หนึ่งในเมื่อจางเดินไม่ค่อยถนัดข้าคิดว่าเราน่าจะนั่งรถม้าไปสหนิงบอกให้รถม้ารีบออกเดินทางชายทั้งสี่ก็นั่งไปในรถม้า สู่หนิงหันมาซักชื่อเฉียนต่อว่าเจ้าบอกมาซิว่าไอ้คนร่ำรวยผู้นั้นมันเป็นใครกันไอ้หมัดบนหนังกลองคิดอยู่อึดใจหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเอ่ยขึ้นว่าชื่อไต้เท้าเกาสู่หนิงก็ถามรีหลงว่าเมืองไทอานของท่านมีคนที่ใช้ชื่อว่าไต้เท้าเกาหรือไม่รีหลงตอบว่าออมีครับวิ่งเต้นหากินอยู่กับพวกขุนนางใหญ่ เป็นคนมั่งมีมากเลี้ยงดูบริวารเอาไว้สักขยโงงหนึ่งเห็นจัดได้สูหนิงบอกตัวเองว่าในเมื่อมันมีคนผู้นั้นอยู่จริงเราก็ไม่ต้องระแวงแคลงใจอะไรอีกต่อไปแล้วในระหว่างทางหลี่หลงชวนสนทนาเรื่องหมัดมวยแนการฝึกปรือวรยุทธ์แล้วก็ร้องเพลงต่างๆให้ฟังวันนั้นผ่านไปได้วยความราบรื่นจากจุดนั้นไปถึงบึงเหลียงซานไม่ถึงสองพัก ลี่หงก็สั่งให้สารถีนำน้ำเต้าออกไปหาซื้อเนื้อกับเหล้ามาเผื่อผู้ดิสานทั้งสามลี่เอาเหล้าเทใส่กระบวยแล้วส่งให้สู้หนิงสู้หนิงรับเอาไปซดจนหมดในอึกเดียวลี่เรียกมาเติมสารถีทำเป็นมือถไลน้ำเต้าตกใส่พื้นรถเหล้าหกเรียรา่าดลี่ตวาดเรียกให้ไปหาซื้อมาใหม่ท่านใดนั้นสู้หนิงก็เริ่มมีน้ำลายไหล ย, ยืดออกมาจากมุมปาก หัวขมำตามลงไปนอนอยู่กับพื้นรถแล้วใครกันคือลี่หลงที่จริงเขาก็คือคอหอยเหล็กเยะโหเขากับอีกสองคนกระโดดลงรถแต่เพิด ม, ม้าทะยานไปข้างหน้าแล้วไล่ตามไปรถม้าที่เบาไปสามคนก็วิ่งฉิวต่อไปจนถึงโรงเตียมของจระเข้บกจู้กุยทั้งหมดแบกซูหนิงลงเรือผ่ายข้ามน้ำขึ้นไปที่หาดทรายทอง ส่งเจียงได้รับรายงานก็รีบลงเขามาคอยท่าพร้อมบรรดานายโจรคนอื่นๆตอนนั้นสู่หนิงเริ่มฟื้นจากริษยาเบือ่อแถมได้ยาถอนพิษเข้าไปก็ค่อยๆลืมตาขึ้นพอเห็นคนยืนล้อมรอบเต็มไปหมดก็ให้ประหลาดใจสู่หนิงหันไปกล่าวกับถังหลงว่าเฮ้ยน้องพี่เหตุชนไหนท่านจึงล่วงพี่มาถึงที่นี่ ทั้งหลงตอบว่าฟังข้าก่อนท่านพี่ข้าได้ยินมานานแล้วว่าท่านพี่ทรงเจียงอ้าแขนต้อนรับผู้กล้าจากทั่วทุกสารทิศ ต, ตอนที่อยู่ตลาดบู ก, กังข้าสาบานตัวเป็นพี่น้องกับพี่ลีขุยสลาตันดำแล้วขึ้นมาร่วมชุมชนบึงเหลียนซานแห่งนี้พอมาตอนนี้หูเหวียนโจยกทัพมาเหล็กมารบกับเราสร้างปัญหาจนเรารับมือไม่ไหวข้าเสนอให้ใช้หอกตะขอ แต่ท่านพี่เป็นเพียงผู้เดียวที่รู้วิธีใช้มันดังนั้นข้าจึงคิดแผนการให้ชื่อเสียนลงไปขโมยชุดเกราะของท่านขึ้นมาส่วนข้าคอยหลอกล่อท่านมาตามทางแล้วให้เย๊ะหัปลอมตัวเป็นลี่หลงตอนจะพาท่านขึ้นมาก็ใสย่ยาให้ท่านกินโรสได้มาร่วมกับเราบนเขาเป็นหนึ่งในนายจรกับพวกเราด้วยเถิดขอรับเฮ้ยน้องพี่ท่านทําพี่ปนปี้ไปซะแล้วเฮ้ย ส่งเจี้ยงก้าวออกมาในมือถือจอกสุราแล้วกล่าวด้วยลูกแก่โทษว่าอันตัวข้านั้นที่มาอยู่ในบึงนี้ก็เป็นเพียงการชั่วคราวรอโปรดกล้าพระรจชาทานอภัยโทษจะได้หวนกลับไปสร้างประโยชน์สุขให้แผ่นดินอุทิศความสัตว์ซื่อและเรี่ยวแรงทั้งหลายทั้งสิ้นเพื่อบ้านเมืองข้าไม่โลภโมโทสันไม่ชื่นชอบข้าฟันผู้ใดไม่เคยละเมิดคุณธรรมน้ามิตรข้าจึงหวังด้วยน้าใสใจซื่อว่า ท่านอาจารย์จะได้โปรดกรุณาเมตตา ม, มาร่วมกระทำการตามบัญชาฟ้ากับข้าด้วยเถิดขอรับลิ้นชงรีบออกมาปรอบโยนถือจอกอยู่ในมือท่านเพื่อข้าน้อยก็อยู่ที่นี่ด้วยขอรับโปรดจะได้ตัดร้อนเลยซูหนิงหันไปกล่าวแก่ถังหลงว่าท่านหลอกข้ามาหากทางการรู้เขา้าพวกเขาต้องไปจับพันยาข้ามาฆ่า แล้วนี่ข้าจะทำอย่างไรได้ล่ะฮะเฮ้ยซ่งเจียงเอ่ยขึ้นว่าท่านอาจารย์ขอรับจะได้กังวลไปเลยข้าขอรับประ ก, กันความปลอดภัยของวัญญาของท่านเองอีกไม่กี่วันพวกท่านก็จะได้มาอยู่ร่วมกันแล้วเจ้าไก่บูหยงกงซุนเชงต่างรีบเข้ามาขอเข้ามาสู่นิงแล้วจับโต๊ะต้อนรับอย่างสมกเกียเกีย บรรดาสมุนโจรที่แคล่วคล่องว่องไวอยู่ในวัยชั้นกันที่สุดก็ถูกเลือกเฟ้นออกมารับการฝึกปลือการใช้หอกตะขอไต่จงกับถังหลงถูกส่งกลับไปรับครอบครัวสู่หนิงในเมืองหลวงตะวันออกโดยด่วนที่สุดเพียงสิบวันหยางหลินก็พาครอบครัวเปงฉีมาจากหยินโจเสียหยงพาครอบครัวหลินเจิ้นมาจากเมืองหลวงตะวันออกลี่หยุนกลับมาพร้อมกับดินปืนและเครื่องคราวปืนใหญ่ห้าเล่มเกวียน ไม่กี่วันต่อมาไต้จงกับถังหลงก็พาครอบครัวสู่หนิงขึ้นเขาสุนิงให้สนเทศใจใครจะรู้พัญญาสุนิงสาธยายให้ฟังว่าหลังจากท่านพี่จากมานะไม่อาจาไปตามหมายเรียกของทางการได้ข้าจึงเอาเครื่องส้อยถนิมกับเงินอีกหน่อยหนึ่งไปวิ่งเต้นจ้างพวกเขาไปว่าท่านนอนป่วยอยู่บนเตียงจึงไม่มีเรื่องราวอะไรใหญ่โตแล้วน้องถังหลงก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างปกปับเอาเกราะขนหานกลับมาด้วย และบอกว่าเราได้มันคืนมาแล้วแต่ท่านพี่ป่วยนอนรอความตายอยู่ที่โรงเตียมกลางทางต้องการเห็นหน้าอาซอกับลูกข้าเชื่อเขาจึงพากันขึ้นเปลียนมาไม่รู้ทิศทางว่าจะไปทางไหนรู้แต่เลี้ยวไปเลี้ยวมาเสร็จแล้วก็มาจอดลงที่นี่แหละเจ้าค่ะซูหนิงกล่าวกับถังหลงว่ า, าถ้าเช่นนั้นก็ดีแล้วเสียดายแต่ชุดเกราะข้าต้องทิ้งเอาไว้ที่บ้าน ทั้งหลงหัวเราะแล้วเอ่อยขึ้นว่าวท่านพี่ได้ฟังคงต้องดีใจเป็นแน่ด้วยว่าพออาซ้อขึ้นเกวียนข้าก็กลับเข้าบ้านไปเอามันออกมาข้ายังหลอกให้สาวใช้ของท่านพี่ช่วยเก็บข้าวของที่มีค่าทั้งหมดใส่ห่อผ้าข้าอาชุดเกราะกับข้าวของแบกใส่ห่อมาด้วยทั้งหมดเลยขอรับเป็นไงเยี่ยมไหมเล่าสูหนิงจึงรำพันขึ้นว่า เอยดูเหมือนว่าคงกลับคืนไปเมืองหลวงตะวันออกไม่ได้อีกแล้วทั้งหลงเอ่ยขึ้นว่าอ๋อยังมีอยู่อีกอย่างหนึ่งนะขอรับข้าลืมบอกไปคือว่าระหว่างทางมาที่นี่ข้าเห็นพ่อค้ากลุ่มหนึ่งเดินมาตามทางข้าจึงใส่ชุดเกราะของท่านถานหน้าถาตาให้ดูไม่ออกใช้เชื่อท่านไปปล้นคนเหล่านั้นตอนนี้ทางเมืองหลวงตะวันออกคงส่งหมายจับท่านไปทั่วแล้ว สูหนิงรำพันขึ้นอีกว่าโอ้ยน้องพี่ท่านทำร้ายพี่อีกแล้วเจ้าไก่กับส่งเจียงรีบเข้ามาขอเข้ามาท่านอาจารย์ขอรับหากเราไม่ทำเรื่องแบบนี้ท่านจะสมัครใจอยู่กับเราตลอดไป ห, หรือว่าแล้วก็จัดสรรบ้านช่องให้สูนิงกับพันยาและบุตรตั้งเป็นครอบครัวขึ้นใหม่บรรดานในโจรหารือกันในอันทีจ่จะจัดการกับทัพม้าเหล็กของศัตรู ตอนนั้นหอกตะขอที่อยู่ในการอำนวยการของเหลยเหงกับพลช่างแสงภายในค่ายก็ตีขึ้นจนแล้วเสร็จส่งเจียงกับบูหยงก็ไปขอให้สูหนิงฝึกหัดพวกทหารสูหนิงกล่าวว่าข้ายินดีที่จะเปิดเผยเพลงหอกที่ถือเป็นความลับประจำตระกูลข้าจะฝึกหัดโจนชั้นประทวนในเชิงหอกซะก่อนขอให้คัดเอามาแต่ชั้นยอดๆนะขอรับบรณฑนในโจร พากันนั่งดูอยู่ในหอธรรมายุติภพสูหนิงขับคนที่แข็งแรงมาเรียนรู้วิธีใช้ห อ, อกพิเศษผลก็คือทัพม้าเหล็กทั้งสามพันก็มีอันย่อยยับอับราวีรชนคนกล้าก็ถูกฆ่ามาจากกลางสนามรบสหนิงถ่ายทอดเพลงหอกตะขอด้วยวิธีไหนการุณาฟังบทถัดไปหากใครรู้ วันนี้เสนอถึงตอนที่ห้าสิบเจ็ดมีชื่อตอนว่าสู่หนิงสอนวิธีใช้หอกตะขอส่งเจียงแก้ทางทัพหมาเหล็กส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกๆท่านรับฟังได้นะบัดนี้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 บรรดาในโจรพากันนั่งดูอยู่ในหอธรร ม, มายุทธภพสู่หนิงครับคนที่แข็งแรงมาเรียนรู้วิธีใช้ห อ, อกพิเศษเมื่อทุกคนมาพร้อมกันที่หอธรร ม, มายุทธภพบรรดาในโจรก็ขอให้สู่หนิงรำเพลงห อ, อกตะขอให้ชม ซูหนิงเป็นครูทหารที่สวดทรงสมส่วนลำตัวสูงใหญ่อกภายไล่พึ่งลำตัวหนาใบหน้ากลมใส่แต้มด้วยหนวดกับเคราแพะครูทหารเลือกผู้จะรับการฝึกได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ออกไปยืนอยู่นอกห้องโถงหยิบหอกตะขอขึ้นมาถือแล้วสั่งให้บรรดาสิทธิ์ทำตามบรรดาผู้ชมพอได้เห็นต่างก็ส่งเสียงชื่นชมกันให้ขำไปสิน้นโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยชโอ้ไม่เคยเห็นอะไรพิเศษสวยงานอย่างนี้มาก่อนเลย ยสู S <S e. ่ห oh. นิงสอนว่าหากพวกเจ้าใช้หอกตะขอาารบบนหลังมา้าต้องวาดหอกออกไปจากบ้านเอวรุกไปข้างหน้าเจ็ดเกี่ยวสามปัดสี่แทงหนึ่งฟันอีกหนึง่งอย่างนี้รวมแล้วก็เป็นเก้าท่าหากต้องยืนรบบนดินถ้าจะให้ดีนะต้องสืบเท้าเก้าหน้าไปแปดปัด4ีนี่จะทำให้ประ ต, รตูเปิดเพราะนับถึงเก้าที่สิบสองให้เปลี่ยนท่าครั้งหนึ่ง พอนับต่อไปถึงเก้าที่สิบหกให้หมุนกลับเต็มวงเกี่ยวสลับแทงพอถึงเก้าที่ยี่สิบสี่ให้งัดอาวุธค่าสึกขึ้นแล้วกดลงเกี่ยวไปทางตะวันออกปัดออกไปทางตะวันตกพอถึงเก้าที่สาสิบหดูให้แน่ใจว่าตัวมีที่กำบังแล้วให้จับคนกล้าฆ่าคนขืนนี่คือวิธีใช้หอกตะขอที่ถูกต้องมันมีบทท่องจำสั้นๆง่ายๆอยู่บทหนึ่งว่าเกี่ยวสามปัดสี่เป็นเจ็ด เม็ดเสร็จฟันแทงอีกสองพกผลก้าวท่าแพ่สักดาวเกรียงไกเก้าวที่สี่สิบสี่งัดบนกดล่างพึงระวังก้าวที่สี่สิบหกให้วกกลับเต็มวงขณะที่สู้หนิงแสดงท่าให้ดูชดชัดชัดไปทีละท่าละท่าบรรดาในโจรก็จับตาดูกันขม็งส่วนบรรดาสานุสิตพากันดีอกดีใจที่เห็นอาจารย์ของตัววาดหอกได้คล่องแคล่ว นับจากวันนั้นเป็นต้นมาสหนิงก็เฝ้าอบรมบ่มสอนพวกที่หัวไวเคี่ยวกรมกันไปทั้งวันทั้งคืนแล้วสอนให้บรรดาพลเดินเท้ารู้ซึ้งถึงกลวิธีสามอย่างในการหาที่กำบังในพุ่มไม้ใบหญ้ายามส้มเกี่ยวขาม้าไม่ถึงครึ่งเดือนก็สอนหมดไป5 0 0รยถึงรอคนส่งเจี้ยงกำในโจรคนอื่นๆต่างดีใจเตรียมตัวหักค่าศึกกันให้คึกคักหันมาทางฝ่ายูเหวินโจ บ, บ้างนะครับ นับตั้งแต่เปงฉีกับดิิงเจิ้นถูกจับเอาตัวไปก็นำทับม้าออกตะโกนท้าอยู่ชายน้ำอยู่ทุกวันไม่ได้ขาดแต่บรรดาในโจนที่รับผิดชอบชายฝั่งไม่ยอมออกรบยึดหัวหาดเฉยอยู่คอยเสริมแต่งงานแซงใต้น้ำให้แน่นหนาหูเหวียนนั้นทำได้เฉพาะส่งพลตระเวนออกไปยึดพื้นที่ด้านตะวันตกและด้านเหนือของฐานแต่ไม่อาจข้ามบึงเข้าไปถึงเขาเหลียงซานได้ ภายในค่าใหญ่หลิงเจิ้นรับคำสั่งให้ประกอบปืนใหญ่ขึ้นหลายแบบเตรียมกำหนดวันเข้าตีพวกที่ได้ฝึกปลือเพลงหอกตะขอปัดนี้ก็เริ่มไร้รำได้ชำ น, นิชำนาญดีแล้วและแล้ววันนั้นก็มาถึงส่งเจียงเอ่ยปากกับบรรดาในโจนทั้งหลายว่าอันตัวข้าใช่ว่าจะฉลาดปราดเปรื่องหรือมองการใดไกลจึงไข่เรียนถามบรรดาท่านหัวหน้าทั้งหลายว่า เห็นดีเห็นงามตามอย่างนี้หรือฉชนไหนอูหยงตอบว่า<_><_ว่ามาเลยขอรับพวกเรารอฟังอยู่ท่งเจี้ยงพูดต่อไปว่าพรุ่งนี้ขอให้เราสงวนทัพมาเอาไว้ก่อนให้เดินรบกันแต่บนดินทั้งสช้นทั้งปวงอันว่ากลยุทธของท่านซุนกับวูนั้นเหมาะนักที่จะใช้รบในป่าและหนองน้ำเช่นนี้พวกเรายกพลเดินเท้าลงเขา มันงกำลังออกไปล่อเป้าข้าสุดเป็นสิบสองกองพอพวกมันส่งทัพมาบุกก็ให้พวกเราลบกข้าไปในป่าหญ้าป่ากกเละดงอ่อที่เราวางพลหอกตะขอซุ่มเอาไว้ก่อนแล้วทุกๆสิบคนพลหอกตะขอให้มีพลตะขอไม้ยาวจำนวนเท่าๆกันให้พลหอกคอยเกี่ยวขามหาพอมหาล้มมานะก็ให้พลตะขอเข้าไปลากเอาตัวเฉลยมาเราจะเตรียมการซุ่มแบบนี้ทั้งในที่โล่งและที่แคบ พวกท่านคิดว่าแผนการนี้ต้องใจหรือไม่ละขอรับปูยงจึงเอ่ยขึ้นว่าข้าเองก็เห็นว่าควรทําเช่นนั้นอยู่เช่นกันเช่นนี้เท่ากับเอาเบีย้ยไปจับขุนซูนิงก็เห็นด้วยจึงพูดว่าพผนวกหอกเขี้ยวเข้ากับตะขอมาให้ประสานกันเช่นนี้เยี่ยมยอดนะดังนั้นซ่งเจี้ยงจึงจัดแบ่งเหล่าราบออกเป็นสิบหน่วยให้ลงจากเขาไปล่อเป้าฆ่าศึก แต่และหน่วยมีนายโจรสองคนกํากับฝ่ายทัพเรือเป็นกองหนุนให้อยู่ภายใต้บัญชาการของนายโจรเก้าคนให้ในายโจรพลม้าหกคนรวมทั้งตัวขุนพลม้าหกกองทําหน้าที่ตะโกนด่าท้าทายทัพข้าศึกจากเนินเขาในบึงให้หลิงเจิ้นกับตู้ซิงคุมหน่วยปืนใหญ่สู้หนิงกับถังหลงคุมพลห อ, อกตะขอส่วนส่งเจี้ยงวูหยงกงซุนเชงไต้จงลู่ฟางและโกเซงิงคุมทับหลวงมีหน้าที่สั่งการทั้งกองทัพ ส่วนในโจนที่เหลือให้กระจายไปดูแลป้อมค่ายต่างๆยามสามคืนนั้นกองพลหอกตะขอก็ข้ามฟากไปอย่างเงียบๆกระจายแถวออกเข้าประจำแนวซุ่มพอยามสี่กองพลทหารราบทั้งสิบหน่วยก็ตามข้ามไปหลิงเจิ้นกับตู้สิงเอาปืนใหญ่ชื่อวายุสวรรค์มูหนึ่งเข็นเข้าประจำที่ตั้งบนเนินเขาฝ่ายสูหนิงกับถังหลงข้ามฟากไปก่อนนั้นแล้ว แต่ละคนฮิว้วแตรเดี่ยวใส่ย่ามไปด้วยดวงตะวันทันได้ขึ้นมาเห็นส่งเจี้ยงกับทับหลวงเคลื่อนพลเข้าประจำชายน้ำดำพลืดไปทั้งฝั่งพากันตีเกราะเคาะกรองร้ อ, อ, อ, องอตะโกนด่าโบกธงทิวปลิวสวัยอยู่ไปมาพ่อข่าวศึกรู้ไปถึงหูขุนพลหูเหวียนอยู่ในกระโจมกลางค่าใหญ่ก็เป็นชาให้หันเถานำกองหน้าออกไปลาดตะเวนอย่างเชิงแล้วสั่งทัพมาทั้งสามพันของตนร้อยโซ่เข้ากันเป็นตนันตอนเช่นคราวก่อน ฝ่ายตัวก็ผูกเกาะก้าวขึ้นขี่ไม้มะเรือเหนือหิมะาพาไพร่พนควบตรงไปยังเขาเหรียสานพอไปถึงชายน้ำก็เห็นทรงเจี้ยงกับไพร่พนตั้งแถวทหารม้าอยู่ฝั่งตรงข้ามซะแล้วจึงสั่งกระจายกำลังพลฝ่ายตนเข้าประชิดติดชายน้ำฝั่งตัวแล้วหาเรือกับหั่นเถาที่เข้ามารายงานว่าไพงอน ใต้ที่นี่หลงไปมีทหารราบของพวกมันกองหนึ่งไม่ทราบขนาดขอรับเฮ้ย hey, ใครจะไปสนเล็กใหญ่วะใส่มันเข้าไปด้วยทับม้าเหล็กแคปเดียวเดี๋ยวก็แตกเฮ้ย hey, สำหาหาอะไรก็พวกไอโจนกระจอกพวกนี้หั่นเถานำมาห้าร้อยม้าแยกลงไปทางใต้ฉับพลันเบื้องตะวันออกเฉียงใต้ทหารราบอีกกองหนึ่งของฝ่ายโจนก็ปรากฏตัวขึ้นหั่นเถากาลังเตรียมจะแบ่งทับม้าของตัวเข้าตี ก็พอดีเห็นยังมีอีกกองหนึ่งโผล่ขึ้นมาทางทะวันตกเสียงใต้อีกบกธงร้องตะโกนไปมาจึงเรียบรั้งมาทั้งกองให้หยุดไว้ <c oughs> หันเถาจึงกลับมารายงานฮูเหวียนโจว่าไงงอนมีไฟโจรสามกองคนอยู่ทางใต้พวกมันล้วนติดธงเหรียญซานเปาะขอรับฮูเหวียนครุ่นคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ย <c oughs> ไอ้พวกสันดานนั้นทนอดอู้ ไม่ยอมออกมาสู้รบตั้งนานมันคงคิดจะเล่นไม่ซื่อยังได้อย่างหนึ่งเป็นแม่นมันคำพูดยังไม่ทันสุดปากก็ดินเสียงปืนใหญ่สลุดกำปนาตขึ้นทางทิศเหนืออ๋อไอหลิงเจิ้นแปรพักเข้ากับฝ่ายโจรสิ้นแล้วจึงได้ยิงถล่มใส่เราเฮ้ยแขนใจนะักขณะจับตาดูทางใต้ ทางทิศเหนือพ่นเดินเท้าฝ่ายโจนอีกสากองก็ปรากฏตัวขึ้นอีก <S <S ฮูเวียนบอกกับท่านเถาว่าไอ้โจรพวกนี้มันต้องมีแผนการมาเล่นงานเราแน่ๆเรามาแบ่งทัพออกเป็นสองตอนถ้าจะดีกว่าท่านเอากองหนึ่งลงไปรบทางใต้ส่วนข้าจะเอาอีกกองหนึ่งลงไปตีทางเหนือเป็นไงดีไหมขณะที่กำลังทำเช่นนั้นทหารราบฝ่ายโจนอีกสี่กองก็ปรากฏขึ้นทางตะ ว, วันตก ผู้เหียนเริ่มขวัญเสียทางตอนเหนือปืนใหญ่ชุดหนึ่งก็ระเบิดเข้าใส่วิถีกระสุนของตกลงมาที่ลานกว้างบนหนาา้าผากระสุนเหล่านั้นมาจากปืนใหญ่ขนาดหนักหนึ่งกระบอกกับปืนใหญ่ขนาดเล็กสี่สิบกระบอกท่างพรมลงมานั่นเองไปที่มาของสาเหตุที่ว่าทาไมปืนใหญ่ชนิดนี้จึงได้ชื่อว่าแม่กับลูก ลูกกระสุนดินดําที่ถูกยิงมาระเบิดอํานาจทําลายล้างรุนแรงนักยังไม่ทันได้รบทหารของฮูเหวียนกับฮั่นเถาก็เริ่มสับสนโรมานผลหมาก็แทรกเข้าไปผสมปนเปกับผลเดินเทา้าข้างฝ่ายผลเดินเท้าของโจรทั้งสิบกองพวกที่อยู่ทางตะวันออกพอถูกบุกก็ถอยหนีพอหันมาตีพวกทางตะวันตกทั้งพวกก็ยกหนีไปอีกฮูเหวียนกรวด จ, จัดจึงเดินทับขึ้นไปทางเหนือ ฝ่ายโจรก็พากันหนีเข้าไปในป่าหญ้าป่าแขมที่ขึ้นรกชัดทับม้าของฮูเวียนก็กระจนแแบบป่าหญ้า่าตามเข้าไปม้าเหล็กเป็นตอนๆวิ่งเรียงเป็นแถวหน้ากระดานขนานกันเข้าไปไม่อาจหยุดแรงส่งได้ทั้งป่ากกดงอ้อป่าหญ้าที่ขึ้นอยู่บนดินก็ล้มละในลน้าราบลงไปใต้กีดม้าบัดโดนเสียงหวีดแหลมเล็กของแตรเดียวก็เสียด ก, กล้องขึ้นทั่วท้องนลาผากาั บรรดาพลหอกตะขอที่เรียงรายกันอยู่สองฝากทับม้าเหล็กก็ยื่นหอกเดียวออกมาเกี่ยวขาม้าไว้มาตัวที่ล่ามเอาไว้ที่ปลายโซ่ข้างหนึ่งเมื่อถูกเกี่ยวขาขาดก็ุดลงไปกลิ้งบรรดาตัวที่ล่ามอยู่ด้านในก็หอบเมนตีลังกาตามกันลงไปตลอดทั้งสายโซ่ฝ่ายพลตะขอไม้ก็ยื่นออกมาเกี่ยวคว้าจับเอาตัวนายที่ขี่อยู่บนเอาไปสิน้นผูเหวียนสำเนีจขึ้นโดยพลันนั้นเองว่า ตนต้องกกลั้นแล้วจึงควบ ม, ม้าหนีตามหันเถาลงไปทางใต้ส่วนทางด้านเหนือวายุสวรรค์ก็พำรามตามหลังมาเป็นชุดๆบรรดาคนเดินเท้าของฝ่ายโจรที่สลอนอยู่เกลื่อนดินไม่ว่าซ้ายขวาหน้าหลังทั้งสิน้นต่างกลุ่มรวมเข้าใส่ไล่ตามม้าของคนทั้งสองไปบรรดาทับม้าเหล็กนั้นเล่าก็พากันหกคำเมนตีลังกาอยู่ในปากกอดงแขมที่ไหนๆก็มีแต่คนถูกจับเอาตัวไปสิน้น ท่านเถากับครูเวียนรู้ว่าถูกหลอกจึงลงแส่หมาอย่างไม่ปราณีปราัยไล่ตามหมูทหารม้าของตนไปคิดหาแต่หนทางจะหนีแต่มองไปที่ไหนที่ไหนก็เห็นแต่ธงของฝ่ายเหลียงซานเปาะแน่นขนาดไปหมดไม่มีที่จะให้ปลอดภัยจึงตัดใจชักม้าวกหนีขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือก่อนไปได้ไม่ถึงห้ากลี้ก็มาชิญหน้าทหารโจรกล้าแข็งกลุ่มหนึ่งผู้นาหน้าถึงงามาสองคนตะหวาดออกไปว่า พุณพลอยหยุดม้าไว้ที่นั้นหาใช่ใครที่ไหนนอกจากมู่หงรั้งไม่อยู่กับมู่ซุนกูไม่กลับสองพี่น้องแห่งเมืองแจ๋อยางนั่นเองหูเหวียนได้ฟังก็โกรธเสือกมาเข้าหากระบองสองมืออยู่ในท่าเตรียมหวัวใจพอรบกันไปได้สี่ห้าเพลงมู่ซุนก็ถอยด้วยเกรงว่าจะเป็นกับดักของฮูเหวียนจึงไม่กล้าตาม ได้แต่ควบม้าหนีไปตามถนนขึ้นไปทางเหนือจนอีกกลุ่มหนึ่งตกลงมาปิดถนนนำโดยงูสองหัวเสียเจิ้นกับแมงป่องสองหางเสียเป้าทั้งคู่ควงฉมวกเหล็กดาดสองง่ามพุ่งเข้าหาผูเเวียนก็ลุยเข้าใส่ด้วยตะบองเหล็กรุดรุ น, นรบกันไปได้6กเจ็ดเพลงสองพี่น้องก็ถอยผู้เวียนไล่ตามไปได้ราวครึ่งลี้ พันก็มีคนสักยีคนในมือถือหอกตะขอขนาบเข้ามาจากสองฝากถนนผู้เห็นไม่มีกระจิกกระใจจะรบก็เหวหัวมมาควบหนีไปทางตะวันออกเฉียงเหนือแต่เราก็ไปเจอสองผัวเมียเสือเตี้ยหวางกับนางกระบี่เหล็กสิบเสี้ถนนเช่นนั้นมากว่าบุกไปข้างหน้าจะอันตรายพอดูแต่ทว่าสองข้างทางกลับเลวร้ายไปเสียยิ่งกว่า น้ำในจะกอไหวและไม้เลื้อยขึ้นรกชัดแน่นขนาดไปทั้งสองฝากไม่อาจฝ่าลงไปได้ฮูเหวียนจึงตัดสินใจลงเดือยที่ส้นเท้าโผล่ <What? S 1> มาฝ่าคน <No. S 1> ทั้งคู่เข้าไปตรงกลางชูกระบองสองมือป้องกันตัวเอาไว้ทั้งเสือเตี้ยวหวางกับนางกระบี่เหล็กไม่อาจสกัดได้ทันฮูเหวียนก็หลุดขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนืออย่างทุลักทุเลกองทัพฝ่ายบ้านเมืองพินาศสิ้นแต่กระสานสร้านเสซนประหนึ่งสาดน้ำใสหินแต่กระจัดทัดพรายเปรียบได้ดั่งดาวตก ส่งเจี้ยงให้เป่าแตรสัญญาณสั่งทหารกลับมารวมพลที่ค่ายนักรบแต่ละคนพากันมารายงานเอาความดีความชอบในหมู่ม้าเหล็กทั้ง3 0 0พันครึ่งพันต้องหอกตะขอเกี่ยวขาบางขาขาดบางกีบเท้าแตกเสียหายถูกถอดเกราะแล้วเก็บเอาไว้กินส่วนอีกกว่าสองกองพันอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีเยี่ยม ม้าเหล่านี้ถูกต้อนขึ้นเขาให้น้ำให้ท่าเอาไว้ใช้งานในการรบฝ่ายทหารม้าผูกเกราะทั้งตัวถูกจับพาขึ้นไปบนค่ายไปทั้งสิน้นฝ่ายไพร่ราบทั้งห้าพันถูกตีกระหน่ำไปจากสามด้านลบหนีวิ่งวุ่นอยู่กลางทัพหลวงแต่ก็ล้วนถูกหอกตะขอเกี่ยวขาล้มและถูกจับส่วนพวกที่หนีลงน้ำก็ถูกบรรดาแม่ทัพเรือฝ่ายโจรต้อนขึ้นเรือกันเชียงข้ามน้าไปขึ้นฝั่งให้คนคุมตัวขึ้นไปบนภู ส่วนโจรกับม้าที่ถูกจับไปในการรบครั้งก่อนก็ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระกลับขึ้นเขาเสารเนียรล้อมค่ายของขุนพลหูเหวียนถูกรื้อถอนและนำไปปลูกเป็นค่ายต่างๆตามชัยน้ำโรงเตี้ยมสองแห่งที่ถูกทำลายก็ปลูกขึ้นมาใหม่มอบให้อยู่ในการดูแลของซุนซินแม่นางกู้ซื่อหยงกับซื่อเฉียนตามเดิม ลิวถังกับตู้เฉียนจับหั่นเถามัดกลับมาค่ายส่งเจียงรีบเข้าไปแก้มัดด้วยตนเองเชิญเข้าไปในหอขอขามาแล้วแต่งโตเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติส่งเจียงขอให้เปงฉีกับหลิงเจิ้นช่วยหว่านล้อมหั่นเถาผู้บัญชาการเขตทหารจังหวัดเฉินโจซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดิดามานปัตพีอยู่ก่อนแล้วก็คำนับรับคำแนะนำโดยสมัครใจยอมตัวไปในโจนอยูบ่บนเขาเหลียงสารด้วยดี ส่งเจียงให้หันเถามีหนังสือไปหาครอบครัวแล้วส่งคนลงไปเฉินโจพาขึ้นมาบนค่ายครอบครัวก็ได้กลับเข้ามาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งส่งเจียงให้ดีใจนักข้าที่ตัวสามารถทำลายทัพม้าเหล็กจับเป็นทั้งคนทั้งม้าจำนวนมากอีกทั้งสรรพวัตชุดเกราะเหลือจากขนานับทุกๆวันส่งเจียงกับบรรดาสมุนโจรทั้งสิ้นต่างพากันเฉลิมฉลองแต่ก็อีกนั่นแหละขอรับคือยังต้องคอยระวั ง, ระ ว, งระวัยทหารฝ่ายรัฐบาลจะกลับมาแก้มือ เรื่องนี้เราจะไม่เล่าให้ยาวความไปอีกนะครับข้<อ>าวายขุนพลฮูเหวียนต้องรีบหนีออกจากสนามรบไปให้ไกลที่สุดเมื่อตัวเอาทหารรัฐบาลมาละลายทำพินาศปนปี้ไปเป็นจำนวนมากนะักตัวก็ไม่กล้ากลับเมืองหลวงได้แต่ขี่ไปบนหลังให้มะเกลือดำอย่างเดียวดายชุดเกราะแขวนไว้กับปุ่มอานมา้าเมื่อไม่มีเงินก็ต้องปลดเข็มขัดทองที่รัตเอเอลออกแลกเบีย้ยอะไรก็แปรเปลี่ยนไปฉับใบนนะัก จใจเราหนีไปลี้ภัยได้ที่ไหนกันได้วะเนี่ยมู่เบียนนึกแต่พลันก็ระลึกขึ้นได้อ้อมู่หลงข้าหลุนจังหวัดฉิงโจเป็นเพื่อนเก่าใจไม่ไปหาเขาเสียเล่าน้องสาวเขาได้เป็นนางสนมในองค์พระจั ก, กรพรรดิหากใช้เส้นสายของนางเราอาจได้กองทัพใหม่ยังพอจะแก้มือได้อีกสักคน พอพบข้าวันที่สองบนท้องถนนหูเวียนโจให้ทั้งหิวและกระหายก็ลงม้าแวะเข้าโรงเตียมแห่งหนึ่งในหมู่บ้านข้างทางผูกม้าเข้ากับต้นไม้ข้างประตูเดินเข้าไปนั่งวางกระบองคู่เอาไว้บนโต๊ะเรียกหาเท่าแก่ให้ไปเอาเหล้ากับเนื้อบารบริการเจ้าของร้านผู้นั้นบอกว่าโอ้ยร้านเราก็ไม่จัดเหล้าขอรับแต่เขาเพิ่งจะล้มแกตัวหนึ่งในหมู่บ้านหากท่านอยากได้เนือ้อ ข้าจะเข้าไปขอแบ่งซื้อมาให้สักหน่อยผู้เหวียนเปิดท้ายเก็บสเสบียงข้างเออหยิบเงินขึ้นมาก้อนหนึ่งเงินนี้ก็ได้มาจากการเอาเข็มขัดทองไปแลกแล้วยื่นให้เจ้าของร้านแล้วสั่งว่าเอา้าท่านไปเอามาสักขาหนึ่งสิแล้วต้มให้ด้วยหากเสร็จแล้วนะท่านก็ช่วยผสมฟางเอาไปเลี้ยงหมาข้าคืนนี้ข้าจะค้างที่นี่ละ่ะเพราะเช้าจะรีบต่อไปชิงโจเจ้าของร้านจึงว่าอ้า จะค้างที่นี่ก็ได้เลยขอรับเสียแต่ว่าเราไม่มีเตียงดีๆให้เวียนโจจึงว่าโฮ้ยข้าเป็นทหารสำหรับข้าอะไรพออยู่ได้ก็ดีถมไปแล้วเท่าแก่รับเงินออกไปหาซื้อเนื้อแกะฮูเวียนออกไปปลดเกราะของตัวลงจากหลังมา้าคลายเข็มขัดรัดอานติดลำตัวปลดขลุ้มปากแล้วนั่งลงที่ปากประตูคอยอยู่เป็นนาน จนกระทั่งเจ้าของโรงเตียมกลับมาพร้อมขาแก่หู้เวียนก็บอกให้ต้มสั่งนวดแป้งสามตวงทำแป้งปิ้งและให้ไปเอาเหล้ามาสองเปกพอเริ่มต้มเนื้อวางแป้งที่นวดจนฟูแล้วบนกระทะเจ้าของร้านก็ไปต้มน้ำให้หู้เวียนล้างเท้าจุงหมาเข้าไปเพลิงหลังบ้านแล้วสับฝางหญ้าต้มให้หมากินหู้เวียนอุ่นเหล้าแล้วดื่มไปสักหน่อย พ่อขาแกะสุกได้ที่หูเวียนก็เชิญเจ้าของร้านมานั่งดื่มกินไปด้วยกันหูเวียนเอ่ยขึ้นว่าอันตัวข้านั้นเป็นนายทหารในกองทัพหลวงเพราะข้าไปจับโจเหลียงซานเปาะแต่พ่ายกลับมาจึงตั้งใจจะไปหาข้าหลวงหมู่หลงที่เฉิงโจท่านดูแลม้าของข้าให้ดีๆ ด, ด้วยนะม้านี้ได้รับพระราชทานจากองค์พระจักรพรรดิมีชื่อว่า ไม้มะเกลือเหนือหิมะเสร็จแล้วข้าจะให้รางวัลเจ้าอย่างงามเลยทีเดียวเจ้าของโรงเตียงตอบว่าขอพระคเพนขอรับใต้เทา้าเท่าแก่รีบเปลี่ยนสรพนามแต่มีบางอย่างที่ข้าน้อยใครจะเรียนถามใต้เท้าก่อนคือไม่ไกลจากที่นี่นะักเป็นเขาดอกท้อบานมีชุ้มจอนอยู่แห่งหนึ่งตัวหัวหน้าใหญ่ชื่อลี่จงในพลสู้เสือหัวหน้ารองชื่อโจถุงฉายาราชาน้อย พวกมันนะ่ะนะมีกําลังพลไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดร้อยคนออกปล้นสะดมเข็นฆ่าผู้คนอยู่เป็นนิดบางครั้งพวกมันก็มาโจมตีหมู่บ้านเราทั้งการส่งทหารมาจับมันครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็เอามันไม่อยู่เวลานอนใต้เท้าอย่าได้หลับให้ลึกซะละ่ะหมูเหวียนจึงร้องว่าเฮ้ยข้าเป็นทหารกล้าไม่กลัวฟ้าคัวดินแม้พวกมันจะยกกันมาหมดทั้งค่ายก็หาได้ขนามือฆ่าไม่เลี้ยงดูม้าของข้าให้ดีก็แล้วกันเฮ้ย อ้าวไปกลัวฟ้ากลัวดินแล้วสึกหนีมาทำไมวะเนี่ยฮะเฮ้ยนีหางจุกตูดเลยวูหนีมาตั้งหลักมึงไม่รู้หรือไงโธ่โกลยุทธ์ที่วิเศษที่สุดก็คือหนีเข้าใจเปล่าของสุนวัวกลยุทธ์สุดท้ายเลยพ่อฮูเวียนกินเหล้าเนื้อและแป้งปิ้งไปจนเสร็จเรียบร้อยเจ้าของร้านก็ปูเสื่อบางๆให้ฮูเวียนคุ้นพ้นแห่งรูนิงก็ล้มตัวลงนอน เป็นเพราะหูเหวียนต้องตรากตรา ม, มาหลายวันและดื่มเหล้าติดติดกันเร็วเกินไปเขาจึงหลับโดยไม่ทันได้ถอดเสื้อผ้าพอถึงยามสามก็ตื่นได้ยินเสียงเท่าแก่ร่ำให้มาจากหลังบ้านหูเหวียนรีบผุดลุกขึ้นคว้ากระบองคู่ขึ้นมาถือแล้วรุดไปยังที่มาของเสียงนั้น พ่อูเวียนกินเหล้าเนื้อและแป้งปิ้งไปจนเสร็จเรียบร้อยเจ้าของร้านก็ปูเสือบางๆให้หูเวียนคุ้นพนแห่งรูหนิงก็ล้มตัวลงนอนเป็นเพราะหูเวียนต้องตราบตรมมาหลายวันและดื่มเหล้าติดๆกันเร็วเกินไปเขาจึงหลับโดยไม่ทันได้ถอดเสื้อผ้า พอถึงยามสามก็ตื่นได้ยินเสียงเท่าแก่ร่ําให้มาจากหลังบ้านโอ๊ยตายแล้วตายแล้วตายท้า ม, มาดูแล้วผู้เหวียญรีบผุดลุกขึ้นคว้ากระบองคู่ขึ้นมาถือแล้วรุดไปยังที่มาของเสียงนั้นผู้เหวียนร้องซักขึ้นว่าเอา้าเจ้ามีปัญหาอะไรฮะเจ้าของโรงเตี๊ยมร้องว่าข้าออกมาเติมยาให้ม้าท่าน เห็นแต่รั้วด้านหนึ่งถูกคนร้านลงมีคนมาขโมยม้าใต้เท้าไปซะแล้วมองไปทางนั้นสิขอรับสักสามสี่ลี้เห็นที่จะได้พวกมันถือใต้มุ่งหน้าขึ้นเขาไปทางนั้นนั่นแหละเจ้าว่ามันจะไปทางไหนจรที่ท่านใต้เท้าเห็นนั่นถ้าจะมาจากเขาดอกท้อบานขอรับผู้วิ่งได้ฟังก็ตกใจจึงสั่งให้เจ้าแก่นำทางทั้งสองไล่ไปตามทุ่งได้สักสองสามลี้จนกระทั่งถึงชายป่าแสงใต้ก็ดับหาย ไม่รู้ได้ว่าพวกมันจะไปทางไหนอีกฮงเวียนเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยโชคร้ายนักข้าเสียม้าเพื่อจะทานไปเส้นแล้วเจ้าของร้านแนะว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ท่านเข้าเมืองก็ไปแจ้งทั้งจังหวัดเรื่องโจรขโมยม้าสิขอรับพวกเขาก็จะส่งทหารมา จ, าจับโจรมีแต่ทางนี้เท่านั้นที่จะได้ม้าคืน ฮูเวียนนั่งกลุ้มใจไปกระทั่งเช้าและวมุ่งหน้าไปฉิงโจ o, สั่งให้เจ้าของร้านแบกชุดเกราะตามไปส่งกว่าจะไปถึงตัวจังหวัดก็มืดคำ่ำจึงเข้าไปพักค้างคืนที่โรงเตี้ยมก่อนพอรุ่งเช้าอีกวันหูเหวียนก็ไปที่ศาราว่าการและตรงไปเขาเ้าเต่าต่อหน้ามู่หลงข้าหลวงให้ประหลาดใจนักร้องขึ้นว่าท่านขุนพลข้าได้ทราบว่าท่านไปจับโจรที่เมืองเหลียงซานแล้วตอนนี้ท่านมาทำอะไรอยู่ที่นี่ล่ะขอรับ ฮูเวียนเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาให้ฟังมู่หลงกล่าวอาถึงแม้ท่านจะเสียทั้งม้าทั้งทหารไปมากมายแต่ก็ใช่ว่าไม่มีมานะพยายามไอโจรพวกนั้นมันเล่นเล่ห์เพทุบายจะใช่ความผิดของท่านหรือก็หาไม่ภายในเขตจังหวัดใต้การปกครองของข้าก็ถูกพวกโจรป่ามันโจมตีเอาออกบ่อยๆไหนๆท่านก็มาถึงที่นี่แล้ว ว่าาท่านช่วยออกไปกวาดล้างเขาเดอกท้อบานแล้วออกมาพระเจ้าทานคืนมาจะดีกว่าแล้วท่านก็จะได้ตะลุยเขามืงกรคู่กับผู้พญาเขาไปเสียได้คราวเดียวกันเลยข้าจะได้กราบทูนองค์พระจักรพรรดิท่านก็จะได้ว่าการทับใหญ่อีกคำรบหนึ่งแขนที่มีก็จะได้ชำระไปสัทีเดียวท่านจะว่ายรร อ, อ, อ, อย่างไรหรือขอรับผู้เหวียนรีบคํานับรับคําอ๋อ ข้าสาบซึ้งในพระคุณครั้งนี้เป็นยิ่งนักหากท่านจะกรุณาเช่นนั้นข้าก็จะขอทดแทนบุญคุณท่านด้วยชีวิตหมู่หลงเชิญฮูเหวียนไปพำนักเป็นการชั่วคราวในห้องรับแขกภายในจวนเพื่อจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าดื่มกินแล้วหลับนอนข้าหลงอนุญาตให้เจ้าของโรงเตี้ยมที่มาส่งฮูเหวียนกลับคืนไปหมู่บ้านได้ข้าจ้างเดินทางมาส่งหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเจ้าของโรงเตี้ยมนะครับพาซวยไปด้วย เวลาผ่านไปสามวันขุนพลฮูเวียนอยากได้ม้าพระจักทานคืนก็วิงวอนขอทหารจากมูห่หงข้าหลวงสั่งระดมพลทั้งราบทั้งม้าได้สองพันให้ฮูเวียนเป็นผู้บัญชาการแล้วมอบม้าฝีเท้าดีแผงคอดำให้ขี่อีกตัวหนึ่งฮูเวียนขอบพระคุณผู้เกราะขึ้นมา้าแล้วยาตราพร้อมไพพลตรงไปทวงม้าคืนจังพูดอกทอบาด ข้างฝ่ายบนเขารีดจงในพลสู้เสือกับโจดถุงราชาน้อยพอได้เมื่อเกลือเหนือหิมะมาก็เฉลิมฉลองกันไปทุกวันแมวมองที่เฝ้าถนนอยู่ก็รีบขึ้นไปรายงานแรายงานโอ้โหเจอแล้วเลี้ยงฉลองกันใหญ่เลยปล่อยให้พวกเราเฝ้าทางอยู่อดอยากจะไต้าหาอยู่แล้วโอ้โหเอาเอาเอารายงานก็รายงานวะ รายงานทหารจากชิงโจ้เคลื่อนม้ามาทางนี้ขอรับเดี๋ยวกลับก่อนก่อนจะกลับมาขอไก่สักตัวได้ไหมเหล่าโจถุงลุกขึ้นแล้วพูดกับลี่จงว่าท่านพี่อยู่ดูแลป้อมเถิดขอรับข้าจะลงไปขับไล่กองทหารของทางการเองว่าแล้วก็ระดมพลจนหนึ่งร้อยยิบหอบขึ้นม้าแล้วขี่ลงไปหาข้าสึก ขอเข้าประชิดตีนเขาผู้เวียนโจก็แปรกระบวนทับม้าและคนเดินเท้าทั้งสองพันคนกระจายกำลังกันออกต้องตามกระบวนกึกขับม้าออกไปข้างหน้าตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยไอ้พวกตนไปไหนไม่ขูจับฉันดีเด้ิอเอามากูไปอะผมเรียกออกมาคืนเลยราชาน้อยโจถุงกระจายกำลังของตอนออกเป็นแถวหน้ากระดานเรียงเดี่ยวรถใบหอกลงขนานพื้น ผู้เบียบมาขับม้าพ้นออกมาข้างหน้าโจถุงก็ลงเดือยที่ส้นสองคนสองม้าก็จู่เข้าประชิดรบกันไปได้หกเจ็ดเพลงฝ่ายโจถุงนั้นกำลังไม่กล้าแข็งพอก็ตีม้าเป็นวงโคง้งหนีขึ้นเนินเขาไปผู้เวียนไล่ตามไปพักหนึ่งแต่ด้วยเกรงว่าจะต้องกลนจึงรีบถอยลงมาจากเขาสั่งให้ทหารตั้งค่ายรอคอยสึบครั้งใหม่ในคราวหน้า ปายโจถุงครั้นกลับมาถึงค่ายก็บอกกับลี่จงว่าขุนพลฮูเหวียนโจผู้นี้กล้าแข็งยิ่งนักข้าน้อยเอามันไม่อยู่เสียแล้วจะหาทางขืนอื่นไหนก็ไม่มีจึงต้องหนีกลับมาเผื่อมันไล่ตามขึ้นมาถึงค่ายแล้วเราจะทําฉันใดกันดีล่ะขอรับลี่จงเอ่ยขึ้นว่าข้อได้ยินว่าลุนจีนลู่หลังไลที่วัดมุกสมบัติบนเขามืองกอนคู่มีกําลังคนมากนะักนอกจากนั้นเขายังมีหัวนหน้าร่วมกันอีกผู้หนึ่ง นามว่าหยางซื่อได้ราัชาันหน้าดำยิ่งกว่านั้นยังมีอีกผู้หนึ่งที่พึ่งขึ้นไปร่วมก็คือฮาทุดองอูสงพวกเขารวนเป็นนักรบที่เลอปรยุทธ์ข้าคิดจะส่งหนังสือไปขอความช่วยเหลือหากช่วยพวกเราให้รอดสันดอนในครั้งนี้ไปได้ข้าก็ยินดีจะจ่ายบรณาการให้เป็นรายเดือนไปเลยจูถงพูดขึ้นบ้างว่าข้าเองก็รู้จักชื่อเสียงของพวกเขาเป็นอย่างดีมานานแล้วแต่ด้วยเกรงว่าหลวงจีนนั้น อาจจะยังไม่ลืมเรื่องที่เจอกับเราในคราวก่อนและคงไม่คิดจะช่วยลี่จงหัวเราะแล้วว่าฮ่าอย่า ก, กังวลไปเลยท่านเป็นคนดีพูดจาผงผางตรงไปตรงมาเพราะรู้ว่าเราลำบากลำบนท่านจะต้องพาคนมาช่วยเราอย่างมั่นคงโจถุงจึงเอ่ยว่านั่นก็จริงขอรับ ดังนั้นรีจงจึงแต่งหนังสือเลือกสมุนโจรที่กล้าแข็งสองคนเป็นพลเดินสารพวกเขาพากันทิ้งตัวกลิ้งลงไปทางหลังภูและออกเดินต่อไปยังเขามังกรคู่สักสองวันก็ไปถึงตีนภูสมุนโจรที่อยู่ยามก็ซักถามธุระปะปังกับพลเดินสารทั้งสองคนจนละเอียดยิบฝ่ายนายโจรทั้งสามนั่งกันอยู่ในอารามตึกใหญ่ในวัดมุกสมบัติหลวงจินลู่หลังลายเป็นในายใหญ่ที่หนึ่ง อย่างซื่อเดรฉ า, าหน้าดำเป็นในายใหญ่ที่สองส่วนพระทุดงหู่สงเป็นในายใหญ่ที่สามส่วนตึกหน้าก็ยังมีนายรองอีกสี่คนซื่อเอินลูกเสือตาทองบุตรชายพัสดีแห่งคุกเมืองโจครั้งที่หูสงฆ่าขุนพลจางล้านตระกูลในครั้งนั้นเขากับบิดาถูกสั่งให้ไปตามจับตัวผู้ต้องหาแต่แทนที่จะปฏิบัติหน้าที่ซื่อเอินกลับทิ้งบ้านทิ้งช่องหนีไปกลายเป็นคนเร่ร่อนอยู่พักหนึ่งต่อมาได้ข่าวว่าพ่อแม่ตาย และทราบว่าวูส๋ส่งขึ้นไปอยู่บนเขามางกอนคู่จึงตามมาสมทบนายรองอีกคนหนึ่งคือเก่าเจิง้งมือชำละมานเขาเป็นผู้พาหลวงจีนลูกกับหยางซื่อขึ้นเขามายึดวัดมุกสมบัติแล้วฆ่าเติงหลงต่อมาก็ขึ้นมาร่วมเป็นโจรคนที่สามคือจางฉิงคนปลูกผักคนที่สี่คือนางแม่มดซุนสองคนนี้เป็นสามีพันยากันเคยขายซาลาเปาไส้เนื้อคนอยู่บนเนินสีแท่ง ถนนสายเมืองโจหลังจากได้รับหนังสือเชิญจากหลวงจีนลู่กับบูสงฉบับแล้วฉบับเล่าก็ตัดสินใจขึ้นมาร่วมฝ่ายเกาเจิ้งพอได้ยินว่ามีหนังสือมาจากเขาดอกท้อบานก็ซักถามพลเดินสารทั้งสองอย่างละเอียดยิบอีกคำรบหนึ่งแล้วเข้าไปรายงานในายใหญ่ทั้งสามหลวงจีนลู่นึกย้อนไปว่าตอนข้อลงจากเขาบูไทผ่านมาท้งหมู่บ้านดอกท้อบาน ข้าทุบตีโจถุงซิจนอ่านไปห น, หนึ่งแล้วพอลี่จงมาเห็นก็จําข้าได้จึงเชิญข้าขึ้นเขาไปดื่มกันเราสาบานเป็นพี่น้องพวกเขาอยากให้ข้าอยู่เป็นโจนด้วยกันแต่ไอ้สองคนนั้นมันขี้ตื่นนักข้าไม่นึกชอบใจเลยกวาดเอาจอกเงินจอกทองในค่ายของมันมาหมดแล้วหนีมาตอนนี้พวกมันส่งคนมาขอความช่วยเหลือปล่อยมันขึ้นมาดูทีซิว่าพวกมันมีอะไรจะกล่าว ไม่ช้าเก่าเจิง้งก็ขึ้นมาพร้อมด้วยทูทั้งสองพวกเขาคารวะในโจรทั้งสามอย่างนอบน้อมแล้วเอ่ยขึ้นว่าเมื่อเร็วๆนี้มู่หลงข้าหลวงแห่งชิงโจรับอุปถัมกระบองสองมือผู้หวียนโจที่แตกทับมาจากมือเหลียงซานข้าหลวงจะส่งคนมากว่าล้างเราทั้งสามค่ายทั้งผู้ดอกท้อบานของมังกรคู่และผู้พยัคฆ์ขาวเพื่อว่ามันจะได้ขอพระานทัพ กลับไปแก้มือกับเบืองเหลียญซารอีกครั้งหัวหน้าของเราวิงวอนขอความเมตตาจากท่านหัวหน้าทั้งสามโปรดได้ส่งกำลังไปช่วยหากเสร็จสึกครั้งนี้แล้วพวกเรายินดีจะจ่ายบรรดาการให้ขอรับยานซื่อกล่าวแก่วูสงและหลวงจินลู่ว่าตอมหลอกแล้วนะใครก็จะต้องป้องกันแต่เฉพาะป้อมค่ายและเทือกเขาของเขาเราไม่มีหน้าที่ออกไปช่วยผู้ใดแต่ถ้าไม่ช่วยประ ก, การแรก มันก็จะเสื่อมเสียชื่อเสียงไปทั้งยุทธภพอีกประการหนึ่งหากเราปล่อยให้เขาดอกท้อบานล่มชิงโจก็จะได้โอกาสหันมาเล่น ง, งานเราได้โดยง่ายจากนั้นเลยเราทิ้งฉางชิงนางไม่มดซุนซื่อเอินกับเกาเจิ้งให้อยู่เฝ้าค่ายแล้วเราทั้งสามไปเที่ยวเล่นกันสักเล็กสักน้อยปะไรฮะ <laughs> ว่าแล้วอย่างซื่อก็ระดมไพร่พลห้าร้อยทหารม้าอีกหสิบ แต่งตัวผูกเกราะถืออาวุธแล้วทั้งสามก็เร่งวุดไปสู่ภูดอกทอบาทพอลีจงได้รับรายงานการเคลื่อนพลของเขามงกรคู่ก็นำโจนอีกสามร้อยคนลงเขาไปหนุนหู้หินโจก็ขับไพร่พลทั้งหมดของตนเข้าสกัดวัดแกว่งกระบองคู่โมเข้าต่อตีกับลี่จงแต่ลี่นั้นเป็นคนติงหยวนมาจากจังหวัดหัวโจมีบรรพึรุษหากินแล่เอาดีในเชิงกระบี่กระบองมานานหลายรุ่น ด้วยว่าสารีระเป็นคนธรมัดธรรมแมงแข็งแรงทรหดอดทนจึงได้สมยาว่านายพลสู้เสือแต่พอเริ่มปรับมือกับภูเวียนโจก็นึกรู้อยู่ในทีว่าตนเจอคู่ปรับเข้าเส็จแล้วยิ่งพอรบกันไปได้สิบกว่าเพลงก็รู้ชัดว่าแย่แน่ๆก็ปัดอาวุธคู่ต่อสู้ออกแล้วชักมา้าหนีภูเวียนนึกดูเบาฝีมือของลี่ ก็ควบมาไล่กวดตามขึ้นภูไปตอนนั้นราชาน้อยโจถุงซุ่มอยู่กลางป่าก็ระดมสัดคว้างก้อนหินก้อนเท่าไข่ห่านลงมาใส่ผู้เหวียญรีบชักมัดถอยกลับลงมาสู่ตีนภูก็เห็นบรรดาทหารของตนพากันร้องตะโกนอยู่ ว, วกเวงมีอาการรวนเรศผู้เหวียนร้องตะโกนถามไปว่าเฮ้ย <"Hey, S 2> พวกมึงร้องหาอะไรกันวะฮะ ฝ่ายกองระวังหลังก็รายงานขึ้นว่านั่นไ้ขอรับรีบๆนูน่นคนกำลังควบม้ามาทางนี้แล้วขอรับผู้เห็นมองออกไปก็เห็นหลวงจีนรูปแรกว้นใหญ่รูปหนึ่งขี่ม้าขาวนำหน้าพาทับหนุนมาเสริมฝุ่นฟุ้งตลบขึ้นกลกเมฆเป็นหลุงจีนรูปหลังลายผู้นั้นนั่นเองหลวงจีนรูปนั้นคำรามลั่นว่าวไอ้พวกที่แพ้มันจากเขาเหลียงซาลไปมุดหัวอยู่ไหนวะฮะ ทั้นไหนจึงได้กล้ามากำแหงกวดเป็นทำโอหังบอังอาจอยู่ท่านี้อีกฮึฮูเวียนดาตอบไปว่าโอ้โหไอ้ลาหวัวหน่งกูจะฆ่ามึงให้หายแขนเสก่อนมึงมาเลยมาลุงจีนลูกปัดแกว่งไม้ท้าพระธรรมหูเวียนก็ ว, า, วาดกระบองสองมือสองมาเข้าพันตู สองทัพก็กูตวาดตะากใส่กันดังลั่นไปสิน้นทั้งสองรบกันไปได้สี่สิบห้าสิบเพลงก็ยังไม่มีใครแพ้ใครชนะผู้เวียนให้อดนึกพิษวงไม่ได้โว้ยลุงจีนผู้นี้เยี่หยอดนะและแล้วแตรสัญญาณก็ดังออกมาจากสองฝ่าย <S <S 2> <S 2> ทั้งสองถอนตัวกลับออกมาพักแต่ไม่ทันนานผู้เวียนก็ชักอดรนทนไม่ไหว ชักมาลงไปในสนามอีกคำรบหนึ่งแล้วตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยออกมามึงไอ้หลวงจีนทุกสินออกมารบให้จบกันไปข้างหนึ่งหลวงจีนลูกขยับจะถลันออกยามเสื้อก็ชิงบอกไปว่าพักก่อนเถิดหลวงพี่คอยดูข้าจะจับไอ้บัตรซ็อกผู้นี้มาให้ดู อย่างซื่อกระตุกมาเข้าใส่หูเวียนัดแฟงดาบสัญหนาเข้าประกบรบกันไปได้กว่า4ี่0ห้าสิเพลงก็ยังไม่มีผู้ใดแพ้ชนะข้างฝ่ายคนพลหูเวียนนั้นให้นึกชมเชยนักรำพึงขึ้นว่ามันไปหาสองคนแบบนี้มาจากไหนกันวะช่างเยี่ยมยุดเสียจริงๆพวกมันย่อมไม่ใช่โจนป่าธรรมดาธรรมดาอย่างแน่นอน ส่วนหยางซื่อก็ให้ประทับใจในฝีมือการรบของหูเหวียนจึงผละออกจากรศมีอาวุธหันม้าควบกลับไปยังแถวทหารฝ่ายตนหูเหวียนก็ไม่ได้ตามเป็นแต่เหยวม้ากลับไปยังแถวฝ่ายตนบ้างทัพทั้งสองก็รากันไปหลวงจินลู่จึงบอกหยางซื่อว่านเป็นการรบครั้งแรกเราไม่ควรตั้งค่ายประชิดมันเกินไป ถอยให้ห่างออกไปสักยี่สิบลีจะดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยกลับมาสู้กับมันใหม่แล้วพานคนเหล่านั้นข้ามโรก้างๆไปลงค่ายอย่างเนินเขาอีกฟากหนึ่งหูเวียนนั่งกลุ่มใจอยู่ในกระโจมร่ำพันอยู่คนเดียวว่าคิดว่าออกมาจับไอ้พวกโจรโสดๆพันนี้คงจะง่ายดังหักไม้ตะเกียบใครเลยจะไปคิดว่าจะต้องมาเจอคู่ต่อสู้แบบนี้ช่างโชคร้ายสีจริงๆกูเฮ้ย คิดไปคิดมาไม่มีทางไหนหลุดพ้นหนีเสือปะจระเข้ขึ้นต้นไม้เจอรังมดแดงวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นก็ตอนนั้นนั่นเองนะครับพลเดินสามจากข้าหลวงหมูหรงก็เข้ามาแล้วรายงานว่าไกรพอนท่านขุนพลท่านต้องเรียกกลับไปป้องกันเมืองเดี๋ยวนี้ขอรับโจนวันภูพยัก์ขาวภายใต้กันบัญชาของของหมิงกับขงเหลียงยกกาลังมาปล้นคุก ท่านคุนพลต้องรีบยกทัพกลับไปคุ้มกันไม่ให้เกิดอะไรขึ้นกับกรมการจังหวัด น, นี่คือข้อแก้ตัวที่หูเหวียนกำลังรออยู่พอดีคืนนั้นตัวก็รีบพาทั้งคนทั้งม้ายกกลับชิงโจไปโดยไวรุ่งขึ้นหลวงจีนลู่หยางซื่อและบูสงก็ยกไพ้พลลงจากเขากู่กล้องร้องตะโกนโรกทงทิวลิปสวพร้อมรบแต่ก็ต้องประหลาดใจละครับ ด้วยว่าไม่มีผู้ใดอยู่ให้รบด้วยไม่แต่คนเดียวรีจงกับโจถุงก็พาคนของตนลงเขาแล้วเชิญนายโจนทั้งสามขึ้นไปบนค่ายล้มแกะล้มม้าเอามาขึ้นโต๊ะเลี้ยงฉลองเพื่อแสดงความเคารพแด่นายโจนทั้งสามเวลาเดียวกันนั้นก็ส่งแมวมองออกไปราดตระเวนสอดส่องเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นพะหูเวียน่าทับของตนกลับมาก็พบว่า ชาญเมืองฉิงโจเต็ไมไปด้วยข้าสึกทั้งคนทั้งมา้านำโดยขงหมิงดาวผมนางกับขงเหลียงดาวจรัสแสงสองบุตรชายขาหาหัพดีที่ตั้งคฤหาดอยู่ตีนภูพยั์ขาวแต่เนื่องด้วยทะเลาะกับคนมั่งมีคนหนึ่งแล้วเกิดไปตีเขาตายเลยฆ่าไปหมดทั้งตระกูลทั้งสองคุมผู้คนหกเจ็ดร้อยคนขึ้นไปยึดภูพยั์ขาวตั้งเป็นชุมโจรออกอารวาสปล้นสะดมอยู่เป็นนิจสิ้ ข้าหลวงมู่หลงจึงผัานหาเรื่องสั่งจับขงปิ่นผู้เป็นอาที่อาศัยอยู่ในฉิงโจโยนใส่คุกคนเหล่านี้จึงยกกันมาปล้นคุกฉิงโจโเพื่อชิงตัวมาตอนนี้ก็มาเผชิญหน้ากับผูเเวียนโจและกองทัพสองทัพขยายแถวเข้าพันตูข้าหลวงมูง่หลงยืนมองลงมาจากเก๋งบนเชิงเทินก็เห็นของหมิงรถหอกควบม้าเขาใส่หูเวียนทั้งสองรบกันไปได้กว่ายี่สิบเพลง ฮูเวียนนั้นใครจะแสดงอำนาจให้ข้าหลวงมู่หงได้ประจักก็เห็นว่าคงหมิ่นนั้นแม้ฝีมือเพลงหอกจะไม่เบาแต่ทว่ามาบัดนี้กลับตกเป็นฝ่ายตั้งรับไปสิ้นแล้วฮูเวียนจึงสะดึกมาเข้าประชิดแล้วงัดตัวดาวผมนางขึ้นจากอานมา้าคงเหลียงกับพวกเห็นก็ชักมา้าหนีมู่หลงตะโกนลงไปจากกาแพงสั่งให้ผูเวียนไล่าตามทหารฝ่ายรัฐบาลก็ตีกระนาบจับบรรดาในโจรได้ร้อยกว่าคน คงเหลียนกับกำลังที่เหลือแตกพ่ายไปจํนหมดรูปกระจัดกระจายกันไปทุกทิศทุกทางพอตกเย็นก็ไปชุมนุมกันที่ศาลเจ้าเก่าแห่งหนึ่งพอจับคงหมิงได้ขุพนพลฮูเหวียนก็พากลับเข้าเมืองส่งตัวให้ข้าหลวงมู่หลงดีใจนักก็สั่งให้เอาคือมาตอกใส่คอนักโทษแล้วยัดเข้าคุกขังรวมไว้กับคงปิ่นผู้เป็นอาข้าหลวงปูนบําเหน็จให้ไพร่พลพของตนและบันเทิงหูเหวียน าถามเรื่องโจรบนเขาดอกท้อบานฮู้เหวียนบอกว่าข้าคิดจะง่ายดุดล้วงเต่าขึ้นมาจากหอยแต่ไม่คิดว่ายังมีโจรอีกก๊กหนึง่งเข้ามาช่วยมันเอาไว้ในหมู่พวกที่มาช่วยมีหลงจีนรูปหนึ่งกับไอ้หน้าดำผู้หนึ่งข้ารบด้วยมันทั้งสองแต่ก็ล้มมันไม่ลงเลยฝีมือของพวกมันนั้นเหนือธรรมดาไม่เหมือนพวกโจรป่าสามันเราจึงยังทําอะไรไอ้พวกเขาดอกท้อบานไม่ได้ มโหลงจึงเอ่ยขึ้นว่า <S 2> <S 2> <S 2> <โฮ Jesus>ไอ้หลวงจีนรูปนั้นก็คือลู่ต้ามันเคยเป็นถึงขั้นในพันตรีอยู่ใต้ปงคราชาของขุนพลจางผู้เท่าแห่งป้อมข่ายเยียนอันสมุหเทส ภ, ภิบาลมณฑลชัยแดนต่อมากลนผมปวดเป็นพระตอนนี้รู้จักกันในนามหลวงจีนลู่หลังลายไอ้คนตัวใหญ่ที่มีปานดาอยู่บนใบหน้าก็เคยเป็นราชองครักษ์ประจวาวังหลวงในเมืองหลวงตะวันออก ชื่อหยางซื่อเดรชาณหน้าดำส่วนไอ้โจรคนที่สา ม, มีชื่อว่าวูสงเป็นพระธุดงมันคือมือปราบวูพวกข้าเสือบนสันเขาจริงอยางมันทั้งสามขึ้นไปยึดเทือกเขาเมืองกอนคู่ใช้เป็นฐานปล้นสนดมเราส่งทหารออกไปจับพวกมันหลายครั้งแต่พวกมันก็ฆ่าคุนทหารของพวกเราไปแล้วสี่ห้าคนทุกวันนี้ยังจับพวกมันไม่ได้เลยไม่แต่คนเดียว พูดแล้วของขึ้นว่ะผู้เหวียนจึงเอ่ยขึ้นว่าถึงว่าสิก็มันเคยเป็นถึงราชออกรัก์พิทักษ์ห้องเต้อีกคนก็เคยเป็นขุนทหารชายแดนยศชั้นถึงพันตรีช่างสมนามดีแท้แต่จะได้ปรรมไปเลยขอรับท่านข้าหลวงท่านก็มีข้าอยู่ที่นี่ทั้งคนแล้วข้าจะจับพวกมันเอามามอบให้ท่านวาดล้างพวกมันให้สิ้นซากให้ได้เฮ้ยข้าก็ของขึ้นเหมือนกันแพ้มันมาทีงแล้วเนี่ย ข้าหลวงดีใจใหญ่แต่งโต๊ะขึ้นเป็นเกียรติกับภูเวียนแล้วเชิญเขาเข้าไปพักยังเรือนรับรองเรื่องนั้นเราจะไม่เล่าให้ยาวความไปอีกนะครับคงเหลียงพาไพร่ผลที่แตกพ่ายมาใหม่ๆเดินกลับไปตามถนนทันใดนั้นโจรทั้งม้าทั้งคนหมู่หนึ่งก็โผล่ออกามาจากราวป่าผู้กล้าที่ขี่นำหน้ามาก็คือพระธุดงูดงคงเหลียงเวียนตัวลงมาจากอานม้าแล้วเข่าเต่าแล้วเอ่ยทักขึ้นว่า หวังใจว่าท่านพี่คงจะสบายดีนะขอรับปู่ส่งรีบรับไหว้แล้วฉุดขงเหลียงให้ลุกขึ้นแล้วเอ่ยขึ้นว่าขอ้เองก็ได้ยินว่าท่านสองพี่น้องยึดเขาภูพยัก์ขาวตั้งเป็นชมรมผู้กล้าไปแล้วข้าเคยคิดจะไปเยี่ยมคำนับก่อนหลายครั้งแต่ไม่อาจทิ้งค่ายไปได้อีกทั้งหนทางที่ไปค่ายของท่านนั้นก็ลำบากนะักจึงยังไม่มีโอกาสได้พบแล้วอะไรทาให้ท่านมาถึงที่นี่ล่ะขอรับ คงเหลียงก็เล่าเหตุการณ์ที่องหมิงผู้พี่ถูกจับขณะที่จะเข้าไปช่วยขงปิ่นผู้เป็นอาให้วูสงฟังวูสงปลอบว่าอย่าได้กังวลไปเลยขอรับข้าเองมีพี่น้องอยู่บนค่ายเขามังกรนคู่อีกหกเจ็ดร้อยคนเมื่อวันก่อนลีจงกับโจถุงแห่งชุมชนเขาดอกท้อบ้านก็ถูกทหารฉิงโจจอมตีเอาอย่างหนักพวกเขาก็มาขอความช่วยเหลือจากเราท่านลู่กับท่านหยาง พาคนของเราบางส่วนออกไปรบกับไอขุนพลหูเหวียนมาทั้งวันแต่ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลคนใดจูๆ่ๆมันก็พาคนถอนกลับไปชุมชนที่เขาดอกท้อบานก็จัดงานเลี้ยงฉลองให้เราทั้งสามแล้วมอบม้ากิบหิมะมาให้เราตัวหนึ่งข้ากำลังพากองหนะ้าจะกลับไปที่ม่นก่อนท่านลูกกับท่านหยางคงจะตามมาอีกในไม่ช้าแล้ว ถ้าเช่นนั้นข้าจะขอพวกเขาให้ไปตีชิงจอเพื่อช่วยพี่ชายกับท่านอาของท่านเองที่ว่ามานี้ท่านจะเห็นเป็นประการใดหรือคงเหลียงขอบพระคุณบูสงหลังจากคอยอยู่เป็นนานหลวงจีนลูกกับหยางซื่อก็พาทับม้ามาถึงบูสงก็แนะน า, นาขงเหลียงให้รู้จักบูสงเอ่ยขึ้นว่าข้าเคยพบท่านทรงเจียง ที่ครารพหาสของศิษย์ท่านผู้นี้มาครั้งหนึ่งแล้วอีกทั้งในครั้งนั้นก็เคยได้ร่วงเกินท่านผู้นี้มา ก, มากนะักวันนี้เพื่อเห็นแกคุณธรรมน้ำมิตรขอให้พวกเรามาร่วมรวมกำลังกันทั้งสามป้อมค่ายตีชิงโจข้าไอ้ข้าหลวงจับหูเวียนโจแล้วแบ่งสรรเงินทองสำเรียงกลางในครั้งสมบัติเพื่อเอามาเลี้ยดูผู้คนของตนพวกท่านจะเห็นเป็นประการใดหรือขอรับลุงจีนลูเห็นด้วย ว่าแม่ช่างเหมือนดังที่ข้าคิดเอาไว้เปี๊ยบเลยเราเรียบแจ้งไปยังเขาเดอกท้อบานดีกว่าขอรีบจงกับโจถุงทรงกำลังลงมาร่วมพวกเราสามก๊กจะได้รีบยกไปตีชิงโจพร้อมกันอา้าวนักอ่าน้องกังหรือสามกกอยู่กัเนี่ยอย่างซื่อตรึกตรองแล้วพูดว่าชิงโจเป็นเมืองที่ก่อสร้างอย่างมั่นคงแข็งแรงกองทหารก็กล้าแข็ง แถมยังมีขุนพลพวกกล้ายังฮูเวินโจบวกเข้าไปอีกใช่ว่าข้าจะไม่เห็นดีเห็นงามตามไปด้วยดอกหนาแต่หากคิดจะเอาชนะท่านทั้งหลายจะต้องฟังคำแนะนำของข้าให้ดีผู้ทรงเอ่ยขึ้นบ้างว่าทอาเช่นนั้นพวกเราใครจะรับฟังกลยุทธ์ของพี่อย่างวานบอกด้วยขอรับอย่างซื่อก็พูดอย่างรวบรัด ไม่เล่นสะบัดสำนวนใดๆผลก็คือควันไฟพุ่งขึ้นจากหลังคาบ้านทุกหลังคลุ้งคล่างไปทั้งฉิงโจวิรชนบนเขากลางบึงใหญ่ก็บทกำปั้นเข้ากับอง้งมือเวลาฮือใส่ปฏิปัตษ์ยังเสนอแนะบูสงให้ใช้กลยุทธ์อะไรในการตีฉิงโจโปรดฟังบทต่อไปหากว่าใครจะรู้ ไี่เสนอถึงตอนที่ห้าสิบแปดมีชื่อตอนว่าผูสามเศร้าสนธิกำลังบุกเข้าตีชิงโจผู้กล้ารวมพลขนไปเลี้ยงซานปอส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุ ก, ท, กท่านรับฟังได้นะบัดนี้ อย่างซื่อตรึกตรองแล้วพูดว่าชิงโจ o. เป็นเมืองที่ก่อสร้างอย่างมั่นคงแข็งแรงกองทหารก็กล้าแข็งแถมยังมีขุนพลผู้กล้าอย่างหูเวินโจ o. บวกเข้าไปอีกใช่ว่าข้าจะไม่เห็นดีเห็นงามตามไปด้วยดอกนะแต่หากคิดจะเอาชนะท่านทั้งหลายจะต้องฟังคำแนะนำของข้าให้ดีผู้สงเอ่ยขึ้นบ้างว่าถ้าเช่นนั้นพวกเราใครจะรับฟังกลยุทธ์ของพี่อยางวานบอกด้วยขอรับ ยางซื่อจึงเอ่ยขึ้นว่าจะยึดชิงโจให้ได้ต้องใช้ทัพใหญ่เราก็รู้ว่าท่านทรงเจียงผู้เรืองน้ำที่เรียกหากันทั่วทั้งยุทธภพว่าฝนทั่วฟ้านั้นท่านอยู่เบืองเหลียญซานงูเหวียนโจก็เป็นศัตรูของท่านก๊กเขาบางกรรคู่ของเราจะผนึกกาลังกับก๊กของพี่คงรอคอยคนจาบก๊กเขาดอกท้อบานแล้วสมานกําลังกันเข้าตีสิงโจส่วนพี่ขงเหลียญนั้นท่านต้องรีบรุดไปเขาเหรียญซานเป็นการด่วนอ้อนวอนท่านทรงเจียงให้มาช่วยเรา ไม่เมื่อท่านทั้งสองอะนะใกล้ชิดสนิทสนมกันนักอะนี่เป็นแผนการที่เยี่ยมที่สุดแล้วและพวกท่านจะคิดเห็นเป็นเช่นไรหรือลงจีนลู่เอ่ยขึ้นว่าสำหรับอาตมาฟังดูเข้าทีนะัก อตาตมาล้วนเคยได้ยินแต่เรื่องดีๆมาจากท่านทรงเจียงแม้จะต้องบอกว่าเสียดายนักหนาที่ยังไม่ได้พบหน้ากันแต่ท้าว่าผู้คนพากันร่ำหรือถึงท่านจนหัวอตาตมาแทบหนวกท่านจะต้องเป็นคนจริงที่ยิ่งใหญ่จึงเกลิกใครได้ถึงเพียงนี้ตอนที่ท่านไปพำนักอยู่กับท่านหัวหลวงที่ป้อมลมใสอตาตมาก็เคยเดินทางไปหาครั้งหนึ่งแล้วแต่ท้าว่าพอไปถึงเสียดายนักที่ท่านไม่อยู่ไปซะแล้วแต่ก็ช่างหัวมันเถิด ดังนั้นท่านคงเหลียงหากคิดอยากจะช่วยเหลือพี่ตัวแล้วก็รีบรุดไปขอความช่วยเหลือจากท่านท่งเจียงโดยไว้พวกเราจะคอยท่าอยู่ที่นี่ต่อตีกับไอ้พวกนี้ไปพ ล, งพลางก่อนคงเหลียงสั่งผู้คนของตนให้อยู่กับหลวงจินลูเลือกเอาเพื่อนเดินทางไปเพียงคนเดียวแต่งตัวอย่างพ่อค้าแล้วรีบรุดไปยังบึงเหลียงซานโดยพลันหลวงจินลู่หยางซื่อกับหู่หยง รีบสงคนไปยังค่ายฝ่ายตัวตามซื่อเอินกับเกาเจิง้งคัดคนมาด้วยอีกสองร้อยฝ่ายเขาดอกท้อบานพอได้ทราบเหตุการณ์ทั้งนี่จงกับโจถุงก็ระดมคนลงมาหมดฐานเหลือทิ้งไว้เฝ้าบ้านเพียง 40-50 หิคนแล้วก็มาบระจบกันที่นอกเมืองเตรียมเข้าตีทั้งหมดนี้เราจะลักเอาไว้ก่อนนะครับตอนออกจากชิงโจคงเหลียงเดินไปตามทางที่คดเคี้ยว จนกระทั่งถึงโรงเตี๊ยมริมบึงเหลียงซานบริหารกิจการโดยเทียบเชิญวิญญาณลี่ลี่คงเหลียงเข้าไปดื่มกินแล้วสอบถามเส้นทางด้วยไม่รู้จักหน้าค่าตาคงเหลียงกับเพื่อนร่วมทางลี่ลี่ก็เชิญให้นั่งไปตามปกติแล้วถามขึ้นว่าท่านเดินทางมาจากไหนหรือขอรับคงเหลียงตอบว่าเออจากฉิงโจน่ะขอรับแล้วท่านจะไปหาผู้ใดที่บึงนั้นหรือขอรับคงเหลียงตอบว่าเออคนรู้จักเก่าแก่น่ะขอรับ เขาอาศัยอยู่บนเขาลี่ลี่จึงถามอีกว่าอา้าบนเขาแห่งนั้นเป็นพ้อค่ายเป็นที่อยู่ของนายจอนคนกังกันแล้วท่านจะไปได้เช่นไรคงเหลียงจึงว่าเออข้ามาหานายจรคนหนึ่งที่นั่นเขามีนามว่าส่งเจียงขอรับขอถ้าเช่นนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเถิดลี่ลี่อุทานรีบสั่งเด็กรับใช้เข้าไปรินเล่าบริการ คงเหลียงให้นึกพิศวงยิ่งนะจึงพูดขึ้นว่าเออเรายังไม่เคยพบกันเตุชั้นไหนจึงได้มารยาทถึงขั้นนี้ละขอรับลี่ลี่จึงตอบว่าใครใครก็ตามที่มาถามหาหัวหน้าคนใดคนหนึ่งในป้อมค่ายยอมล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนเก่าพวกเดียวกับเราซึ่งต้องพิหนาพิเทาให้จงหนักแล้วรีบรายงานขึ้นเขาไปอย่าได้ชักช้า ข้าน้อยมีนาว่าโขงเหลียงจากครึ่งหาดที่ตีนภูพยักษ์ขาวลี่ลี่จึงเอ่ยขึ้นว่าอ๋อเป็นเช่นนั้นดอกหรือข้าน้อยได้ยินว่าท่านทรงเจียงเคยเอ่ยปากถึงท่านออกบ่อยวันนี้เราจะเรียบคุ้มกันท่านไปยังค่ายเลยขอรับทั้งสองดื่มแล้วพอเป็นพิธีลี่ลี่เปิดหน้าต่างริมน้ําดีดเกาทันสัญญาณดอกหนึ่งออกไปที่ปากกกเบองน้ําฝั่งตรงกันข้ามสมุนโจรผู้หนึ่งก็โล้เรือลำหนึ่งออกมา ทัดทายเข้าเทียบท่าข้างๆโรงเตียมรี่ลี่เชิญองเหลียงขึ้นบนเรือแล้วเรือก็ถูกกันเชียงไปขึ้นฝั่งยังหาดทรายทองคนเหล่านั้นก็พากันปีนขึ้นเขาคงเหลียงให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจอาวุธยุธโทโธปกรณ์ใหม่ๆสะพรึกสะพรั่งไปทั้งสามด่านที่ผ่านเข้ามาคงเหลียงคำนึงว่าเราเคยได้ยินมาว่าที่มันแห่งนี้ล้วนสว์พวุฒมากมี จะไม่เคยคิดเลยว่าจะมากมายได้ถึงเพียงนี้เมื่อสมุนโจรผู้หนึ่งล่วงหน้าขึ้นไปรายงานส่งเจียงรีบลงมารับที่กึ่งกลางทางคงเหลียงรีบคุกเข่าคารวะอาจารย์ตัวส่งเจียงร้องทักไปว่าเอาน้องพี่อะไรพาท่านมาถึงนี่ล่ะพ่อคงเหลียงได้ฟังน้ําตาก็ไหลอาบหน้าส่งเจียงรีบเอ่ยขึ้นว่าเอา้าหากท่านทุกข์ร้อนตกละกรมลําบาก ก็อย่าได้ลังเลใจพูดออกมาเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรพี่จะช่วยจนถึงที่สุดเฮ้ยลุกขึ้นเถิดน้องพี่คงเหลียงจึงสาธยายว่าหลังจากเราสองคนจากกันท่านพ่อก็มาดวนจากไปคงหมิงพี่ชายข้าเกิดไปทะเลาะ ก, กับเพื่อนบ้านผู้มีอันจะกินที่นั่นคนหนึ่งแล้วข้าเขายกครัว ทางการบ้านเมืองตามจะเอาตัวให้ได้เราจึงหนีขึ้นภูพยักษ์ขาวระดมสมัครพักพวกตั้งเป็นชมรมผู้กล้าขึ้นราวหกเจ็ดร้อยคนออกล้นสะดมไปเรื่อยเืเมื่อเร็วๆนี้โมหลงข้าหลวงเมืองชิงโจพานหาเรื่องจับของปิน่นท่านอาของเราที่อาศัยอยู่ในเมืองใส่คือโยนเข้าคุกท่านพี่กับข้าคิดจะเข้าไปช่วยแหกคุกแต่พอไปถึงก็แพงเมืองก็เจอเขากับกระบองสองมือหูเวียนโจ พี่ก็เข้ารบถ้าถูกมันจับตัวเอาไปขังไว้ในคุกชิงโจอีกคนไม่มีผู้ใดบอกได้ว่าเขาจะรอดออกมาไหมส่วนข้านะก็ถูกมันไล่ต้อนจนต้องหนีเตลิดเปิดเพิงพอวันต่อมาข้าก็ได้พบท่านบูสงท่านแนะนาให้รู้จักกับพรรพวกหนึ่งในนั้นคือท่านหลวงจินลู่หลังไลายอีกคนหนึ่งก็คือท่านหยางซื่อเดรชนน่าดำํำพอพบกันก็เหมือนสนิทกันมาตั้งแต่เก่าก่อนพวกเราหารือกันเรื่องว่า จะช่วยพี่ข้าอย่างไรท่านวูสงก็เสนอว่าข้าจะขอให้หลวงจีนโลู ก, กับหยางซื่อส่งคนขึ้นไปตามลี่จงกับโจถุงลงจากเขาดอกท้อบานแล้วรวมสามทัพประสานกันเข้าหักฉิงโจส่วนท่านรีบไปเขาเหลียงซานวิงวอลท่านทรงเจียงให้มาช่วยชีวิตท่านอากับท่านพี่ของท่านเอาไว้ mm. ก็ด้วยเหตุนั้นแหละขอรับข้าถึงได้มาหาอาจารย์ข้าขอวิงวอล น, นึกเสียว่าจากบีดาผู้ล่วงลับไปแล้ว โปรดไปช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้ด้วยเถิดขอรับข้าจะรำลึกพระคุณอาจารย์ท่านไปจนชั่ว น, นิรันดร์ซ่งเจี้ยงจึงพูดว่าไม่กระไรดอกน้องพี่จะได้ปลารม์ไปเลยมาไปคารวะท่านเจ้าไก่หัวหน้าใหญ่ที่นี่กับข้าแล้วค่อยหารือกันซ่งเจี้ยงพาขงเหลียงไปแนะนําให้เจ้าไก่บู่หยงกงซุนเชิงและหัวหน้าโจนคนอื่นๆได้รู้จักแล้วเล่าให้ฟังว่า ฮูเวียนโจหนีไปฉิงโจเอาอนาคตไปฝากไว้กับข้าหลวงมูหลงพอไม่นานมานี้ก็จับตัวคงหมิงเอาไว้จนขงเหลียงต้องมาขอความช่วยเหลือเจ้าไก่ก็เอ่ยขึ้นว่าในเมื่อสองพี่น้องพวกล้าประสงค์จะช่วยชีวิตอาพิทักษ์รักษาความถูกต้องของหลักคุณธรรมน้ำมิเช่นนี้แล้วแล้วท่านทรงเจียงก็ยังมีสัก์ไปถึงอาจารย์พวกเราย่อมจะต้องช่วยกันจนถึงที่สุด แต่เท่าว่าน้องพี่เจ้าไก่หันมาพูดกับทรงเจียงท่านนั้นนั่งอยู่แต่บนหลังมา้าบัญชาศึกมาก็หลายขนคราวนี้ะนะท่านอยู่ดูแลที่นี่ส่วนพี่จะลงไปเองซ่งเจียงเอ่ยปากว่าท่านพี่เป็นหัวหน้าใหญ่สุดในหมู่เราเหตุฉนันไหนเราจะกล้ากล้าเกินให้ท่านพี่ต้องมาลำบากลําบนอีกอย่างหนึ่งนนะนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของเลี้ยงมาแต่ไกลก็เพื่อมหาค่า เขาคงต้องเสียหน้าหากว่าข้าไม่ไปด้วยตัวเองข้าคิดว่าจะขอจัดการเรื่องนี้ไปตามลำพังกับพี่น้องเราอีกสักสองสามคนก็พอท่านใดนั้นบรรดาในโจนทั้งเล็กทั้งใหญ่ก็พลุนพันลุกขึ้นโดยไวสืบท้าขึ้นมาข้างหน้ากล่าวด้วยความเต็มใจยิ่งว่ากำลังทั้งหมดของเราล้วนยกให้ท่าใจใ้สัทารถพาพวกเราไปด้วยเิดครับ ส่งเจียงปลื้มใจมากวันนั้นมีการแต่งโตเลี้ยงของเหลียงส่งเจียงสั่งเปย์ซวนให้ระดมอ า, าสาศึกแล้วแบ่งเป็นห้ากองกองหน้านําโดยหัวหลงชิงหมิงเยียนซุนและเสือเตีย้ยกองสองนำโดยหมู่หงหยางซ่วงเสี่ยเจิ้นและเสี่ยเป้าแม่ทัพใหญ่ส่งเจียงบูหยงลู่ฟางและโกเซงิงคุมกองกลาง กองที่4นําโดยจูถงใช้จิ้นลี่จุนและจางเฮงส่วนกองหลังก็นําโดยซุนลี่หยางหลินโอเปงและหลิงเจิ้ น, นและสุภาพบุรุษหน้าหล่อของน้าอําไปไหนแล้วครับเจงเทียนโชพ่อจัดสรรไพร่พลทั้งห้ากองเสร็จก็ น, นับจำนวนคนทั้งขี่ม้าและเดินเท้าได้สามพันระดับผู้ประชาการคุมกําลัง20ส่วนในจรคนอื่นๆที่เหลือให้อยู่เฝ้าค่ายกับเจ้าไก่ส่งเจียงอําลาเจ้าไก่ลงเขา พร้อมด้วยขงเหลียงและกองทัพโจนทั้งหมดการเดินทัพผ่านไปอย่างราบรื่นไม่ทำอันตรายใดๆแก่จังหวัดและตำบลต่างๆตามรายทางในไม่ช้าทั้งหมดก็ยกไปถึงฉิงโจขงเหลียงร่วงหน้าไปแจ้งหลวงจีนลูกพอทราบข่าวหลวงจีนหลังลายพร้อมสมัครพักพวกก็เตรียมการต้อนรับส่งเจียงกับทัพหลวงที่จะยกมาถึง ผู้ส่งนาหลวงจีนลู่หยางซื่อลี่จงโจถุงซื่อเอินและเก่าเจิง้งออกมาต้อนรับส่งเจียงนิมนต์หลวงจีนลู่ให้นั่งหลวงจีนลู่กล่าวว่าอัตมาได้ยินชื่อประสบมานานแล้วแต่ไม่มีวาสนาจะได้มาคาระวะอัตมาดีใจนักหนาที่ได้ไมาเห็นหน้าท่านในวันนี้ส่งเจียงถวงขึ้นว่าข้าไม่ควรกับมารยาทของพระคุณเจ้าเช่นนี้ดอก คุณงามความดีของหลวงพี่ในแวดวงยุทธภพก็ฟุ้งตลอบอกวนไปทั่วการที่ข้าได้มาเห็นสง่าราศีอันเปี่ยมบุญบา ร, รมีของหลวงพี่ข้าก็สุดแสนจะยินดียิ่งนักแล้วขอรับมึงยังไม่รู้อะไรส่องเจียง <c oughs> คนนี้ล่ละโคดนักหนาละ่ะอย่างซื่อลุกขึ้นโค้งคำนับข้าน้อยเคยข้ามไปบึงเหลี่ยงซานแบบผ่านทางมาครั้งหนึ่งหัวหน้าที่นั่นในครั้งกระนั้นยังเมตตาจะให้ข้าอยู่ร่วม แต่ข้าปฏิเสธไปด้วยอย่างเบาปัญญาวันนี้ตัวท่านมาเยือนถึงถิ่นใกล้พอที่จะทอดสายตาไปเห็นเทือกเขาข้างหน้าของเราได้ไม่มีอะไรในใต้ฟ้าที่จะทําให้ข้ายินดีไปยิ่งกว่านี้ได้อีกแล้วซ่งจิ้นจึงพูดว่าใครๆในยุทธภพก็ได้ยินชื่อเสียงก้องฟ้าของท่านอย่างซื่อเสียดายอยู่แต่อย่างเดียวก็คือว่าเราไม่ได้พบกันก่อนหน้านี้ ล้มจีนลู่สั่งเอลสุราออกมาบริการแล้วเรียกหาคนอื่นมาคารวะแนะนำกันอย่างทั่วนหน้าวันรุ่งขึ้นส่งเจียงก็ไต่ถามความเป็นไปภายในตัวจังหวัดหลังจากคงเหลียงไปแล้วยางซื่อตอบว่าเรารบกันสี่ห้าครั้งแต่ก็ไม่เกิดผลอะไรสักอย่างเสาหลักของฉิงโจตอนนี้อยู่ที่หูเวียนโจถ้าจับเขาได้หละก็เราก็จะเจาะเข้าเมืองได้ง่ายกระดุดเทน้าร้อนใส่ก้อนหิมะ บูยงได้ฟังก็หัวเราะแล้วเอ่ยขึ้นว่าคนอย่างเขาใช้กำลังสยบไม่ได้หรอกต้องใช้อุบายล่อลอกจึงจะได้ผลส่งเจียงจึงสักว่าแล้วท่านอาจารย์จะให้ทาฉันได้หรือขอรับบูยงก็ประจงวาดแผนการเล่าให้ฟังเบาๆส่งเจียงให้ดีใจเป็นยิ่งนักแล้วพูดขึ้นว่า่ ช่างแยบคายเหลือหลายมันว่าอะไรวะคนอ่านไม่เข้าใจเลยวะ่ะวันนั้นร่งเจียงก็ทรงผ่านคำสั่งทั้งหมดออกไปรุ่งขึ้นพวกเขาก็พากันยกเข้าไปประชิดกำแพงเมืองทับโจนทั้งหมดล้อมชิงโจเอาไว้จนหมดสิน้นรัวกลองร้องอด่าชูอาวุธท้าโบกธงทิวไปมาข้างฝ่ายข้าหลวงมูง่หลงพอได้รับรายงานก็รีบเรียกหูเหวินโจเข้าพบ เไอ้โจรไพ่พวกนี้มันไม่ได้กำลังเสริมมาจากบึงเหลียงซานแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีล่ะฮะผู้วิญโจอเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยอย่าได้ประรรมไปเลยขอรับตายเถาเพื่อมันเร่ออกมาถึงที่นี่ก็ขาดเชยภูมิที่เคยอำนวยให้อย่างแต่ก่อนพวกมันจะเคลื่อนไหวกล้าแข็งได้ก็แต่ในบึงน้ำเท่านั้นแต่พอออกจากถินมาไอ้ที่จะจับพวกมันนั้นก็ง่ายนะัก เพราะมันจะยักย้ายถ่ายเ ท, ยทอะไรก็ไม่ถนัดโปรดเชิญท่านข้าหลวงขึ้นไปทัศนายอยู่บนกำแพงคอยดูข้าสังหารไอ้พวกบัตซบนั้นให้อิ่มตาเถิดนะขอรับู้หเหวียนเรีบแต่งตัวผูกเกาะแล้วขึ้นม้าตะโกนให้ทหารเปิดประตูโรยสลละพานลงควบม้านําหน้าทหารราบและทหารม้าหนึ่งพันออกไปแปรขบวนแถวออกตามตำราศึกจากทัพหลวงของส้มเจียง วุ่หนึ่งผลม้าออกมาในมือถือกระบองฟันหมาป่าตวาดใส่ข้าหลวงด้วยเสียงสนั่นลั่นฟ้าว่าไอ้คุนนางตั้งชินไอ้ช่อลาดตั้งหลวงเฮ้ยไอ้โจรร้ายที่กดขี่บีท้าประชาชีมึ้งทำลายบ้านเมืองสังหารครอบครัวของกูวันนี้แหละกูจะมาถอนแค้นกับมึงให้หมดเว้นเฮ้ยมู่หวงนั้นจำชินหนิงได้ เล้ยงโกนด่าออกไปว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้มึงนั่นน่ะเคยเป็นถึงนายทหารประจําราชสำนักหลวงท่านชุบเลี้ยงมึงมาอย่างดีมึงยังกล้าทรยศให้อภรรยสีกบาลร้อยกุจับมึงให้ได้สักคนกุญแจบี้มึงให้และเอียดเป็นหมื่นๆชิ้นเลยพระองหันไปสั่งฮูเหวียนจับไอ้ปันสมนั่นไห้ข้าก่อนคุณพลฮูเหวียน วัดแกว่งกระบองคู่จู่โจมเข้าหาเป้าหมายชินหมิงก็ปล่อยม้าวิ่งสวนเข้าให้เต็มพิกัดเวี่ยงวาดกระบองฟันหมาทั้งสองเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อฟาดฟันมาได้ห้าสิบเพลง <c oughs> ก็ยังไม่มีผู้ใดแพ้ชนะฝ่ายข่าหลวงมูง่หลงเห็นว่าสู้กันนานไปเรงหูเหวียนจะเสียทีจึงสั่งให้รัวกรองเรียกทับกลับเข้าเมืองชินหมิงไม่ไล่ตามเป็นแต่หวนกลับมายังแถวของตนส่งเจียงบัญชาให้ทับทั้งหมด ห้อยห่างจากรัศมีกำแพงออกมาสิบห้าลี้แล้วตั้งค่ายส่วนภายในเมืองหูเหวียนก้าวลงม้าเข้าไปรายงานตัวต่อข้าหลวงแล้วหลล่งน ล, ลักไปว่าไมข้ากำลังจะจับไอ้ฉินหมิงได้อยู่พอดีเหตุฉั น, นไหนใต้เทา้าจึงได้ให้เป่าแตรสัญญาณถอยเสลยละเฮ้เสียายนะมู่หรงจึงว่าเอาละท่านรบมาหลายเพลงไปข้าเกรงว่าท่านจะเหนื่อย จึงได้เรียกทหารของเรากลับมาพักชั่วคราวก่อนที่ฉินหมิงจะพาหัวหลวงกระบฏมันเคยเป็นผู้บัญชาการทหารที่นี่ให้ถอยนั่นจะปราโมทามันไม่ได้เป็นอันขาดผู้เหวียนจึงพูดว่าไมท่านใต้เท้าอย่าได้เป็นกังวลไปเลยข้าจะจับไอ้โจรคนนี้มาให้ได้เพราะกันคราวนี้มันจะวาดกระบองได้เชื่องช้านักคราวหน้าข้าจะทุบมันให้แหลกมู่หลงจึงว่าข้าทราบดีท่านเป็นวีรชนคนกล้า พรุ่งนี้ใครวานท่านช่วยเจาะทับข้าศึกให้เป็นช่องข้าจะได้ส่งม้าเร็วสามตัวฝ่าออกไปคนหนึ่งจะให้ไปขอกำลังหลุนจากทางเมืองหลวงตะวันออกอีกสองจะให้ไปบอกจังหวัดกับเขตใกล้ๆขอกำลังเสริมกู้เวียนจึงสารเสินว่าแม่ไต่เท้าช่างมองการไกลเสียจริงๆข้าหลวงเขียนหนังสือขอความช่วยเหลือเลือกได้ในทหารสามคนแล้วก็เตรียมการให้พร้อม ผู้เวียนกลับที่พักทอดเกราะแล้วพักพ่อนรุ่งเช้าก่อนตะวันจะทันขึ้นนายทหารผู้หนึ่งก็เข้ามารายงานไงอ๋อ right บนเขาลูกหนึ่งนอ ก, กําแพงเมืองทางทิศเหนือมีม้าสามม้าขี่ขึ้นมาสํารวจเมืองเราชายผู้อยู่ตรงกลางสวมเสื้อคลุมแดงขี่ม้าขาวด้านขวาเป็นหัวรงส่วนคนด้านซ้ายเราไม่รู้จักแต่แต่งตัวเป็นนักพลเตา่าขอรับผู้เวียนรําพึงว่าคนในชุดแดงต้องเป็นไอ้ทงเจียง ส่วนคนในชุดนักพรตน่าจะเป็นแม่ทัพคนหนึ่งของมันชื่อว่าวูยงอยไปทาอะไรให้มันตื่นฮนะรีบระดมทหารม้าสักร้อยหนึ่งเราจะออกไปฆ่าตัวพวกมันมาเงียบๆขู่เหวียน เ, เองรีบแต่งตัวผููเกราะถือกระบองคู่ไว้ในมือสั่งให้เปิดประตูเมืองค่อยๆห ย, ย่อนสะพานลงพาทหารม้าทั้งร้อยวิรตรงไปยังเนินเขาลูกนั้นส่งเจียงวูยงกับหัวหลงสายตา ย, ยังคงจับจ้องอยู่ที่ตัวเมือง ตอนที่คูเวียนควบม้าขึ้นไปถึงสันผูก็เหมือนนั้นนั่นเองม้าทั้งสามก็เหยหัวกลับเหาะย่างลงเขาไปอย่างช้าๆเพื่องหน้าป่าละเมะผืนหนึ่งซึ่งผัดใบร่วงไปทั้งราวป่าม้าทั้งสามตัวก็หยุดดูดังว่าจะรอท่าใครคูเวียนลงแทะม้าวิ่งจี้เข้าหาพอตะบึงม้าไปถึงชายป่าผืนนั้นพลันหูก็ดินเสียงตะวัดทั้งคนทั้งม้าก็ล่นหายลงไปก้นหลุมที่ขุดพรางเอาไว้คนสังห้าสิบ โผรออกมาจากสองฝากเอาตะขอเกี่ยวขึ้นมาจาับมัดอีกพวกหนึ่งก็ช่วยดึงมา้าแล้วทั้งลากทั้งจูงตามกันไปไม่ตอนนั้นบรรดาทหารม้าที่ตามฮูเวียนมาเพิ่งจะควบขึ้นมาถึงสันผูหัวหลงบรรจงเทียบดอกเกาทันเข้ากับคันธนูทยอยดีดใส่หมู่ม้าที่ควบเข้ามาคนขี่แถวหน้าร่วงตกลงไปห้าหกคน พวกที่เหลือรีบหยุดอย่างกระทันหันพากระดึงบางเหีนม้าจนม้าหน้าหงายพลิกหัวม้าตะกอนโบกเวกแล้วควบหนีลงเขาไปส่งจี้ยงปรับค่ายแล้วขึ้นไปนั่งบนตังทหารยามถือดาบพักฮูเวนโจเข้ามาในกระโจมส่งเจี้ยงรีบลุกขึ้นโดยพลันหันไปตวาดองค์ละครเหล่านั้นให้รีบเข้ามาแก้มัดส่วนตัวรีบลงไปประคองฮูเวนโจไปนั่งร่วมตัง่งแล้วทักทายขุนพลแห่งรูหนิงอย่างนอบน้อม เฉันไหนจึงได้ทำถึงขนาดนี้ขวเวียนถามซ่งเจียงเพอ้อขึ้นมาบ้างว่าแล้วตัวข้าน้อยเราไปอับตตันอยู่ต่อราชสำนักตั้งแต่เมื่อไหร่กันก็เพราะถูกไอ้พวกขุนานางอภรีมันกดขี่บีทาจนต้องละเมิดอาญาดอกแต่ก็ได้เล้นตัวหนีตายมาอยู่ที่บึงใหญ่ข้ารอคอยพระราชทานอภัยโทษจะโปรดลงมาโดยส่วนตัวไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่า จะต้องมาก่อการเอากับท่านขุนพลผู้ยิ่งใหญ่ที่ตัวเองก็แสนจะสมัครรักใคร่ไปหนักหนาความผิดของข้าครั้งนี้ร้ายแรงนักหวังท่านขุนพลจงได้โปรดเมตตาให้อภัยด้วยเถิดขู่เหวียนจึงพูดว่าเฮ้ยหาไม่ได้ที่ข้าพูดออกไปอย่างนั้นหมายถึงตนเองต่างหากอันตัวข้านั้นเป็นแต่นักโทษดอกแม้ว่าจะต้องตายจากมื่นชีวิตโทษก็ยังกระจิตริบอยู่ดี แท้กระนั้นท่านก็ยังมีน้ำใจนอบนอไม่ถึงปานนี้ผู้เวียนโจพูดต่อไปว่าโคตหนอวานสวรรค์ท่านช่วยโปรดแม่ตาสเสด็จลงมาเป็นสกิบวิญญาณให้ด้วยเถิดอันตัวข้าจะให้บังอาจคิดไปป้อยหวังจะคอยมุ่งร้ายท่านอย่างไรได้ลาพังแค่จะอังลมหายใจให้หมองก็ยังไม่เคยคิดแล้วท่านพี่ใหญ่ที่เคารพคิดใช้ข้าเข้าเมืองหลวงไปทูลขอพระราชทานอภัยโทษแล้วนํามามอบให้ท่านถึงบึงน้ําแห่งนี้นั่นหรือไม่ ส่งเจียงจึงพูดว่าโอ้ท่านขุนพลท่านทําเช่นนั้นไม่ได้ดอกไอ้จําพลเกาผู้นั้นจิตใจมันคับแคบเป็นหนักหนาเวลาจะเพชรทุนก็แกล้งทําลืมคุนอุปการอันยิ่งใหญ่ของใครแต่ครั้นพอเกิดจะจําได้ขึ้นมาก็จําแต่เรื่องสักเพเหระของเราตัาวท่านเอาทหารเอาเงินเอาทองเอาสเสบียงกลางมาเผาผลาญไปเสียก็มากมายมันจะต้องจําเอาแต่เรื่องร้ายๆตอนนี้ท่านหันเฒ่าเป่งฉีกับหลิงเจนิน ล้วนมาอยู่กับฝ่ายเราหากท่านไม่ติว่าพี่มั่นบนเขาของเราซอมซอบไปข้าหน้อยยินดีจะมาบตำแหน่งหัวหน้าของตัวให้หากเมื่อใดราชสนักคิดจะใช้เราและประกาศนิรโทษกรรมให้พวกเราก็จะได้หวนกลับไปรับใช้แผ่นดินอย่างสุดกำลังอีกคนผู้เหวยนนั้นใคร่ครวญอยู่นานหลายอึดใจแต่ก็เพราะว่าประการแรกเขาเองก็เป็นหนึ่งในสมสิหกดาวเทพอสูร ในใจจึงเปลี่ยนไปด้วยพาราดอนภาพในหลักคุณธรรมน้ำมิตรและประการที่สองตัวเองนั้นก็อึงออนไปด้วยเหตุผลและน้ำใจไมตรีที่ส่งเจียงมอบให้จึงระบายลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่แล้วซุดตัวลงบนเข่าก่อนจะกล่าวว่า้นี่ใช่ว่าตัวจะไม่จงรักภักดีไม่ซื่อตรงคงมั่นต่อแผ่นดินหรือก็หาไมา่แต่น้ำใสใจจริงและความวระอาหารที่เปี่ยมล้นเหนือคนทั้งปวงของท่าน ไม่เปิดทางให้เลือกเป็นไปอย่างอื่นสถานการณ์เรี่ยงนี้ไม่มีหนทางใดจะกลับไปเป็นอย่างเก่าได้อีกแล้วจะขอติดตามรับใช้ท่านไปจนถึงที่สุดท่งเจียงจึงพูดว่าโอ้ท่านขุนพลท่านทำเช่นนั้นไม่ได้ดอกไอ้จอมพลเกาผู้นั้นจิตใจมันคับแคบเป็นหนักหนาะเวลาจะเพชรทุนก็แกล้งทำลืมคุณอุปการอันยิ่งใหญ่ของใครแต่ครั้นพอเกิดจะจาได้ขึ้นมา ก็จำแต่เรื่องสักเพเหระของเราตัวท่านเอาทหารเอาเงินเอาทองเอาสเสบียงกลังมาเผาผลาญไปเสียก็มากมายมันจะต้องจำเอาแต่เรื่องร้ายตอนนี้ท่านหันเถ้าเปงฉีกับหลิงจิน้นล้วนมาอยู่กับฝ่ายเราหากท่านไม่ติว่าพี่มั่นบนเขาของเราซอมซอบไปข้าหอ ย, ยินดีจะมาบตำแหน่งหัวนหน้าของตัวให้หากเมื่อใดราชสนัาคิดจะใช้เราและประกาศนิรโทษกรรมให้ พวกเราก็จะได้หวนกลับไปรับใช้แผ่นดินอย่างสุดกำลังอีกหนผู้เหวียนนั้นใคร่ครวญอยู่นานหลายอึดใจแต่ก็เพราะว่าประการแรกเขาเองก็เป็นหนึ่งใน36ดาวเทพอสูรในใจจึงเปลี่ยนไปด้วยพระรดอนภาพในหลักคุณธรรมน้ำมิตรและประการที่สองตัวเองนั้นก็อึงอนไปด้วยเหตุผลและน้ำใจไมตรีที่สรงเจียงมอบให้จึงระบายลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่แล้วทรุดตัวลงบนเข่าก่อนจะกล่าวว่าไอ นี่ใช่ว่าตัวจะไม่จงรักภักดีไม่ซื่อตรงคงมั่นต่อแผ่นดินหรือก็หาไม่แต่น้นใสใจจริงและความวีระอาตหารที่เปี่ยมล้นเหนือคนทั้งปวงของท่านไม่เปิดทางให้เลือกเป็นไปอย่างอื่นสถานการณ์เยี่ยงนี้ไม่มีหนทางใดจะกลับไปเป็นอย่างเก่าได้อีกแล้วจะขอติดตามรับใช้ท่านไปจนถึงที่สุด ต้องเจียงให้เพิ่มใจอย่างมหันต์รีบแนะนำหูเวียนให้หัวหน้าคนอื่นๆได้รู้จักสั่งรี่จงกับโจถุงให้คืนไม้มาเกลือเหนือหิมะให้<อ>แล้วบรรดานายโจนทั้งหลายก็ปรึกษาหารือวิธีที่จะช่วยของหมิงอูหยงกล่าวขึ้นว่าคุณพลหูเวียนลวงให้พวกข้างไหนเปิดประตูเมืองเราก็จะยึดเมืองได้ไงนะ่ายนักและตัดขาดทางที่เขาคิดจะหวนกลับไปเป็นอย่างเก่า ส่งเจียงก็ไปหาหูเวียนแล้วเอ่ยขึ้นว่าอันตัวข้านั้นหาได้ปรารถนาสินเชเลยแม้แต่น้อยนิดคิดเพียงแต่จะช่วยคงหมิงกับอาของเขาออกจากคุกชิงโจเราคงช่วยผูกเขาไม่ได้หากท่านไม่ไปบอกให้เขาเปิดประตูให้หูเวียนจึงพูดว่าในเมื่อท่านเมตตารับข้าไว้เป็นพวกข้าก็จะขอสนองพระคุณใหถึงที่สุด ในคืนนั้น<อ>ในโจรสิบคน<อ>ก็พร้อมเป็นทหารรัฐบาลขึ้นม้าตามหูเวียนไปพอไปถึงคูเมืองก็หยุดแล้วขุนพลหูเวียนโจก็ตะโกนขึ้นว่าเอ้าเฮ้ยเปิดประตูเมืองข้าห น, นีกลับมาได้ทหารที่อยู่บนเชิงเทินจำเสียงขุนพลหูเวียนได้ก็รีบเข้าไปรายงานข้างหลวงมูหงผู้ว่านั่งกลุ้มใจที่ต้องสูญเสียขุนพลหูเวียนไปพอได้ยินว่าหูเวียนหนีกลับมาได้ก็ให้ดีใจยิ่งนักกระโดดขึ้นมา้า ขี่ขึ้นไปบนเชิงเทินก็เห็นฮูเหวียนกับทหารม้าอีกสักสิบกว่าคนถึงจะมองไม่เห็นหน้าด้วยว่าทั้งมืดทั้งไกลแต่ทว่าก็จําเสียงฮูเหวียนได้แม่นยำํำมู่หลงตะโกนถามย้าไปว่าเอา้าทันหนีกลับมาได้ยังไงกันเล่าฮูเหวียนตะโกนตอบไปว่าอ๋อไอ้ไทยพวกนั้นขุดหลุมจักฆ่ากลับมา้าแล้วคุ้มตัวฆ่าไป็นค่ายของพวกมันหลายทหารบางคนของมัน อบเอาม้าตัวนี้มาให้ทีจึงได้หนีออกมาพร้อมๆกันมู่หงสั่งให้ทหารเปิดประตูทอดสะพานลงขณะที่บรรดาในโจรพากันข้ามสะพานไปมู่หลงก็รีบลงมาต้อนรับท่านใดนั้นชินหมิงก็เอากระบองของตัวงวดข้าหลวงตกม้าตายพี่น้องเสียรียบบุกเข้าเมืองวางเถิงเผาบ้านเรือนรัศดรโอเปนกับเสือเตี้ยวหวางกระโดดขึ้นไปบนเชิงเทินไล่ฆ่าฟันทหารป้องกันเมือง ที่เหลือก็แตกกระเซ็นกระสายไปสิ้นเมื่อเห็นชิงโจตกอยู่ในกองไฟส่งเจียงกับทับหลวงก็รีบเคลื่อนทับเข้าไปส่งผ่านคำสั่งด่วนห้ามฆ่าตีผู้คนในเมืองให้แต่ผลเสบียงอาหารและเงินในคลังสมบัติออกมาให้สิ้นคงหมิงกับอาพร้อมด้วยครอบครัวของปินก็ได้รับการช่วยเหลือออกจากคุกส่งเจียงบัญชาการให้ดับไฟครอบครัวข้าหลวงทั้งตระกูลไม่ว่าเด็กแก่ถูกฆ่าหมด ข้าวของทั้งหลายทั้งสิ้นในจวนก็ถูกนํามาแจกจ่ายพวกที่เข้าปล้นพอเช้าขึ้นมีการนับจํานวนครอบครัวที่ถูกไฟไหม้พวกเขาได้รับการชดเชยเป็นข่าปลาอาหารส่วนเงินทองและสเสบียงอาหารที่ปล้นออกมาจากครังสมบัติก็ยัดใส่เกวียนได้เกือบหก0้อเล่มม้าดีกว่า200ตัวถูกยึดมีการเลี้ยงฉลองกันอย่างมโหราณบนสาราว่าการจังหวัดและหัวหน้าโจรทั้ง3มภูก็ได้รับเชิญให้ไปอยู่รวมกันเสียที่บึงเหลียงซานเปาะ ลี่จงกับโจถุงส่งคนไปยังเขาดอกท้อบานเพื่อไปตามทั้งคนทั้งมา้าเก็บข้าวของเงินทองมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เผาทำลายที่มั่นแล้วทิ้งมาหลวงจีนลูกก็ส่งซื่อเอินกับเก่าเจิง้งไปยังเขาบังกรคู่ร่วมกับจางชิงและนางไม่มดสุนเรียกระดมผลจนทั้งหมดผลสเสบียงเงินทองข้าวของขึ้นเกวียนแล้วเผาอารามในวัดมุกสมบัติลงจนสิน้น เพียงไม่กี่วันกองกำลังจกักปูทั้งสาเศร้าก็เตรียมการจนพร้อมเสร็จแล้วกองทัพทั้งหมดภายใต้การนำของส่งเจียงก็ยกกลับบึงเหลียนซานส่งเจียงให้หัวหงชินหมิงฮูเวียนโจกับโจถุงเป็นกองหน้าเบิกทางกลับที่มั่นไม่มีการข้องแวะจังหวัดหรือตำบลในตามรายทางบรรดาชาวบ้านร้านทิ่นพากันอ้มลูกจุงหลานพยุงผู้เฒ่าผู้แก่ออกมาจุดทูปจุดเทียนเข้าเต่าทักทายตามท้องถนน หลายวันต่อมาขบวนม้าทั้งหมดก็บรรลุถึงเบืองเหลืยงซานนายโจนตามค่ายชัยน้ำพากันเอาเรือแพออกมารับฝ่ายเจ้าไก่กับนายโจนทั้งผลหมาผลราบต่างมายืนรอรับอยู่ที่หาดทรายทองแล้วพากันปีนกลับขึ้นเขาเขาไม่ทำกระไดขึ้นหนึงไงไม่เข้าใจปนีนขึ้นเขาทําไมจริงๆน่จาจะมีกระใดขึ้นไปนะครับนะําอ่าหลายครั้งนี่ต้องปีนขึ้นไปเนี่ย โอ้ยลำบากแย่เลยนะครับใช้เชือกปีนขึ้นไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้บอกนะครับพี่น้องอูย้ยปีนขึ้นไปลำบากแย่ฝ่ายเจ้าไก่กับนายโจรทั้งผลมมาและผลราบต่างมายืนรอรับอยู่ที่หน้าหาดทรายทองแล้วพากันปีนกลับขึ้นเขาตรงไปยังหอธรรมายุทธภพแล้วนั่งลงจนครบตามตำแหน่ง มีการแต่งโตเฉลิมฉลองกันอย่างเอกระเริกเรื่องในโอกาสที่ได้ในายใหญ่มาเพิ่มอีก1ิานคนซึ่งก็คือหูวินโจหลงจีนลู่หยางซื่อหูสงซื่อเอินเกาเจิงจางชิงแม่มดสุนลี่จงโจถุงคงหมิงและคงเหลียงลิมชงลุกขึ้นกล่าวขอบพระคุณหลงจีนลู่ที่ได้เคยช่วยเหลือชีวิตของตนเอาไว้หลงจีนลู่เอ่ยขึ้นว่า อาตมาราลึกถึงพระคุณของท่านเสมอมาคราที่แยกจากกัรที่กำโจแล้วมีข่าวคราวจากอาซอบ้างหรือไม่ล่ะซ่งจิ้นตอบว่าหลังจากข้อกระทำการกับวังหลุนข้าก็ส่งคนไปรับนางมาเขาไปสืบรู้มาว่าไอ้ลูกเลี้ยงระยำของไอ้จอมพลเ ก, าก่ากดดันนางจนกระทั่งข้าตัวตายเพรอตาข้าก็ให้เสียใจนักร้องป่วยแล้วก็ตายตามไปอีกคน ยังซื้อก็เล่าท้าความที่ตนพบกับหลินชงเป็นครั้งแรกอันเป็นตอนที่หว่างหลุนยังเป็นในายใหญ่อยู่ทุกคนต่างเห็นพ้องกันว่าเรื่องที่แล้วมาแล้วเพราะโชคชะตาฟ้าลิขิตใช่จะสเปะสปะไปตามอำเภอใจของใครคนใดคนหนึ่งเจ้าไก่ก็เล่าเรื่องพลนของกำนันบนสันดินเหลืองทุกคนก็พากันหัวรอดอย่างเคลื่อนเครง่ <c oughs> งการเลี้ยงดําเนินไปอีกหลายวัน เราจะไม่เล่าให้ยาวความไปอีกนะครับไม่วาระนั้นป้อมค่ายก็สะพึกสะพรั่งไปทั้งคนทั้งมา้าส่งเจียนดีใจจนออกนอกหน้าให้ถังหลงเปน็นนายใหญ่ผู้ดูแลช่างแสนทั้งหมดมีหน้าที่ตีเสื้อเกรอกมี ด, ดาบหล่อพื้นใหญ่ขึ้นใช้ในที่มัน่นโหดเจียนรับผิดชอบเรื่องทงทิวและเสื้อผ้าออกแบบตัดเย็บละเอียดลงไปถึงทงประจําหมวดสํารวจลงไปถึงทงระดับหมู่ทุกแบบทุกขนาดปากบันปักเวดลายไม่ว่ามังกรเสือหมีพยักษ์ขาได้สิ้น แล้วเย็บใส่ธงผืนดําติดผู้ขาวกุนชายด้วยผ้าริ้วสีเลือดหมูรอบๆที่มัน่นก็สั่งการให้มีการสร้างพื้นที่ลาดเอียงสําหรับอารมณ์ยิงใส่ฆาตศึกที่รุกเข้ามาให้ถนัดถนัดสองโรงเตียมที่คุมแนวถนนทางตะวันตกและทางใต้ก็สร้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับหมู่ผู้กล้าที่จะขึ้นภูคอยสอดสองสดับตรับฟังและรีบรายงานในกรณีที่ทางการจะมาจับกลุมช้างชิงกับนางแม่มดสุนที่เคยคุมโรงเตียมอยู่ก่อนแล้ว ได้รับการมอบหมายให้ดูแลโรงเตียมด้านตะวันตกทางทิศใต้ย้ายไปอยู่ใต้การดูแลของสุนสินกับแม่นางกู้ผู้พัญญาจู้ ก, กุ้ยกับเย้โหคุมตะวันออกส่วนลี่ลี่กับชื่อเฉียนย้ายไปดูแลโรงเตียมด้านเหนือมีการเสริมตัวระเนียดด้านทั้งสามชั้นให้มากขึ้นจัดในโจรลงไปกํากับดูแลทั้งหมดต้องสาบานตนว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดอยู่มาวันหนึ่ง หลวงจีนหลังลายก็เอ่ยปากกับส่งเจียงว่าเอ่ออาตมามีเพื่อนอยู่ผู้หนึ่งเคยเป็นศิษย์ของริจงมีนามว่าก้าวมังกรซื่อจินตอนนี้เขาอยู่บนเขาเส้าหัวในเขตตำบลหัวหญินเพื่อนพ้องในชุมนุมของเขาก็มีโจบูเสยร้อยเหลี่ยมเฉินต้าเสือข้ามห้วยและหยางชุนมู ด, ด่างขาวอาตมาให้รำดึกถึงเขาเป็นยิ่งนักซื่อจินผู้นี้เป็นผู้ช่วยชีวิตอาตมาเอาไว้ตอนที่ผ่านไปทางวัดหวากวน อาตมาไม่เคยลืมคิดจะไปเยี่ยมพวกเขาแล้วพากลับมาร่วมกับเราที่นี่ความคิดเช่นนี้ต้องใจท่านหรือไม่ทรงเจียงจึงเอ่ยขึ้นว่าข่านั้นก็เคยได้ยินกิติศักดิ์ของท่านซื่อจินมาแล้วมันย่อมดีนักหนาหากหลวงพี่จะไปพาเขามาที่นี่ได้แต่อย่าไปคนเดียวเลยนะขอรับหลวงพี่เอาบูตรสงไปด้วยท่านเป็นพระทุดงคงเหมาะกันดีที่จะเดินทางไปด้วยกัน ปู่สงสมัครใจจะไปหลวงจีนลูกเก็บข้าวของใส่หมวกทรงเฉียงสภายญาเหมือนอย่างพระบ้านป่าฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานฝ่ายวู่สงแต่งเป็นพระธุดงค์ทั้งสองกล่าวอำลาบรรดาในโจนลงจากเขาห้ามไปทางหาดทรายทองออกแต่เช้ากว่าจะได้พักก็เอาจนมืดทำเช่นนี้อยู่นานหลายวันล่ละครับจนลุถึงเขตแดนในตำบลหัวหญินในสังกัดจังหวัดหัวโจทั้งสองก็บ่ายหน้าไปยังเขาเศ้าหัวในทันที หลังจากนักบวชทั้งสองจากไปแล้วส่งเจียงให้เป็นกังวลใจยิ่งนักจึงสั่งใต้จงแทบท้องทางให้ติดตามไปคอยจับตาดูอยู่ห่างๆลุงจินลูกกับบู๋สง์ไปจนถึงตีนเขาเร้าหัวสมุนโจรที่ซุ่มอยู่ก็ก้าวออกมาขวางถนนแล้วร้องขึ้นว่าเฮ้ยสองพระนี่มาแต่ไหนวู๋สงถามสวนไปว่าท่านใต่เท้าสู้จินอยู่บนเขาหรือไม่อ๋อท่านมาถามถึงท่านส่อจินเช่นนั้นหรอ ถ้าเช่นนั้นรอสักครู่เถิดขอรับข้าจะเรียกขึ้นไปรายงานท่านมาหัวหน้าของเราก็จะพากันลงมาต้อนรับเออไปเรียนท่านว่าหลวงจีนโลกมาหาก็พอแล้วสมุนโจรผู้นั้นไปไม่นานก็กลับลงมาพร้อมด้วยจูบู่เสร้อยเหลี่ยมเฉินต้าเสือข้าหมหวยและหยางซุนงูด่างขาวทั้งสามคารวะอคันตุ ก, กะแต่ทว่าไม่เห็นซื่อจีนแม้แต่เงา ลูกจีนลู่ถามขึ้นไปว่าเอา้าใต้เท้าไปที่ไหนหรือและเพราะเหตุใดท่านจึงไม่มาด้วยเรา <c oughs> จู่บูดสืบท้าวขึ้นมาเอ่ยปากถามว่าเออขอประทานอาภัยเถิดขอรับท่านไม่ใช่ผูพันหลู่ต้าจากดานชายแดนเย็ยนอันดอ ก, กระมังเออเป็นอาตมาเองนั่นละและนี่พระทุกองท่านนี้คือเมื่อปราบวูสงที่ฆ่าเสือบนสันจริงอย่าง หัวหน้าทั้งสมรีบคารวะแล้วเอ่ยขึ้นว่าแมพวกเราได้ยินกิจศัพท์ของท่านทั้งสองมานานแล้วได้ยินว่าท่านไปตั้งชมรมอยู่บนเขาบังกอนคู่แล้ววันนี้อะไรพาท่านมาถึงที่นี่ล่ะขอรับลุงจีนลู่ตอบว่าเออเราไม่ได้อยู่ที่นั่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะพวกเราไปร่วมกับท่านทรงเจียงที่ป้อมค่ายเขาเลี้ยงซันวันนี้พวกเรามาขอพบใต้เท้าซื่อเป็นการเฉพาะจู่บูเอ่ยขึ้นว่า เออถ้าเช่นนั้นโปรดขึ้นไปพักกับเราที่บนค่ายสักครู่เถิดเราจะเล่าเรื่องเราให้ฟังโอ้ยถ้ามีอะไรจะพูดก็พูดมาเลยรอไปก็ทำคานเปล่าปู่สองอธิบายว่าเออหลวงพี่ท่านเป็นคนขี้งุนงิดเหตุใดยายไม่บอกท่านไปเสียเดี๋ยวนี้เลยเล่าจูบู่จึงสาธยายว่าเออหลังจากได้เท้าซื้อขึ้นมาร่วมกับเราทั้งสามชุมชนของพวกเราก็จริญรุ่งเรืองขึ้นทันตาเห็น แต่เมื่อเร็วๆนี้ท่านหลงเขาแล้ไปพบจิตรกรผู้หนึ่งมีนามว่าหวังยี่เป็นคนจังหวัดต้าหมิงเมืองหลวงมณฑลอุดรหวางขึ้นเขาไปวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เคยไปบนเอาไว้กับใต้อ่องแห่งวัดสุพรรณสวรรค์ทางแนวเขาตะวันตกของเทือกเขาหัวซานตอนไปที่นั่นเขาพาบุตรสาวไปด้วยชื่อว่านางกิ่งหยกแต่ไอ้โฮฆ่าหลวงจังหวัดหัวโจมันเป็นไอ้คนคดที่เห็นแก่งเงินกดขี่ประชาชน มันอยู่กวนเดียวกันกันกนกบสมหุหนายกใช่มันมาเผาทุบที่วัดแล้วเกิดต้องใจในความงามของนางอยากจะเอามาเป็นนางบำเรอเพียนมาขออยู่หลายทีแต่จิตตะกรหวังไม่ยอมยกให้มันก็เลยใช้กำลังฉุดและสั่งในประเทศผู้เป็นพ่อไปจังหวัดทหารที่ห่างไกลตอนถูกในประเทศผ่านมาทางนี้หวางยี่พบกับท่านซื้อจินจึงเล่าเรื่องดังกล่าวให้ฟังใต้เท้าซื่อจึงฆ่าผู้คุมทั้งสองทิ้งแล้วช่วยเอาไว้ แล้วก็เข้าไปในตัวจังหวัดหัวโจหมายจะฆ่าข้าหลวงโฮแต่แผนท่านแตกซะ ก, ก่อนจึงถูกดักจับเข้าคุกไอ้ข้าหลวงยังระลมทหารมากวาดล้างพวกเราพวกเราไม่มีที่จะไปไม่มีทางไหนจะบรรเทาเรื่องนี้ได้สถานการณ์ตอนนี้ลำบากยิ่งนักลุงจีนลู่ร้องขึ้นว่าโอ้ไอ้พวกนี้ช่างไรมารยาทสิ้นดี ฉะนัหนจึงได้โอหังบ้างอาจถึงเพียงนี้เอาละอาตมาจะไปกดหัวมันมาม้อให้ท่านเองจู่วูกล่าวว่าปรอดได้ขึ้นไปปรึกษาหารือกันที่ค่ายก่อนเธอขอรับลุงจิ้นลู่ทำท่าขึ้นฮัดแต่วูสงชี้ให้ดูตะวันแล้วว่าไม่เห็นหรือไรขอรับหลวงพี่ตะวันคล้อยลงมาเตะยอดไม้นั่นแล้วเฮ้ยจะไปทําไมกลางคืนจะผีหลอก ลงจีนหลังลายก็กระโชกฮอกหกักด้วยงวดหงิดรำคาญใจแต่ก็จำต้องตามคนอื่นๆขึ้นเขาเส้าหัวไปอย่างเสียไม่ได้หัวหน้าทั้งห้าพากันนั่งลงจูบู่แนะนำจิตรกรหวังยี่กับลุงจีนลู่และอู๋สงหวังยี่ก็เล่าถึงความชั่วร้ายของข้าหลวงโหที่เที่ยวรีดไถเงินทองและฉุดลูกสาวชาวบ้านให้ทั้งสองฝังเจ้าบ้านทั้ง3มล้มบัวล้มมาเอามาขึ้นโต๊ะบันเทิงแขกลุงจีนลู่ไม่ยอมดื่มแล้วเอ่ยขึ้นว่า เ <Hey, S 2> น้องซื่อไม่อยู่อาตมาจะไม่แตะแม้เพียงหยดสิ่งเดียวที่ต้องการคือนอนให้เต็มอิ่มพรุ่งนี้จะเข้าเมืองไปฆ่าไอ้คนบัตรซบนั่นบูสงแย้งขึ้นว่าเฮ้ย hey, หลวงพี่อย่าบูมบามให้มากไปเลยขอรับพรุ่งนี้หลวงพี่กับข้ารีบกลับไปเขาเหลียงซาน ร, รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้ท่านทรงเจียงยกกาลังมาตีหัวโจมีแต่ทางนี้เท่านั้นที่จะช่วยชีวิตใต้เท้าซื่อจินได้เฮ้ย hey. กว่าจะได้กำลังมาตอนนั้นชีวิตน้องซื่อจินก็คงวอดวายไปแล้วปู่สงคานการที่หลวงจีนลู่รั้นจะเข้าเมืองอย่างรุนแรงเอาแล้วถ้าข่าไอ้ข้าหลวงโหแล้วจะช่วยชีวิตท่านซื่อจินได้หรือจู่ปู่รีบเข้ามาไกล่เกลียพูดว่าเย็นไว้ขอรับหลกงพี่ท่านมือปราบปู่สงกล่าวได้ถูกต้องแล้วขอรับลวกจีนลูกขึ้นเสียงเฮ้ยเย็นเอาไว้อย่างเจ้าน่ะสิ ที่ปล่อยให้น้องสื่อจินไปตกรรรมลำบากจนเอาชีวิตไม่รอดนะฮะชีวิตของเขาตอนนี้ตกอยู่ในกำมือของคนระยำพันนั้นและพวกท่านยังมีหน้ามานั่งดื่มกินเพ่งพิษรายละเอียดอย่างพิถีพิถันกันอยู่เช่นนั้นหรือแต่ในที่สุดทั้งหมดก็ช่วยกันตะล่อมหวานล้อมจนหลวงจีนลู่ยอมดื่มเหล้าเข้าไปจอกสองจอกหลวงจีนลู่เข้านอนทั้งชุดอย่างนั้นรุ่งเช้าก็ตื่นตั้งแต่ยามสี่ ขัดดาบถือไม้ทัพพระธรรมแล้วตรงดิ่งเข้าไปในเมืองหัวโจอูสงกล่าวว่าทำอย่างไรดีหลวงพี่ไม่ฟังความข้าคืนทะเรอะทะราเข้าไปเช่นนี้ไม่ผลต้องเข้าไปติดกับเฮ้ยอูสงเลือกสมุนโจรที่รอบครอบสังคนสั่งให้ตามหลวงจีนผู้วูวามไปห่างๆฝ่ายหลวงจีนลู่รุดตรงเข้าเมืองถามหาที่ตั้งสาาว่าการ โอ้โหไม่เห็นหรือไงเป็นคนที่ไหนวะเนี่ยข้ามสะพานนั้นไปฉันกลางออยู่ทางตะวันออกขอรับอาจท้สงสัยเป็นคนที่อื่นวะพ่อไปถึงตีนสะพานหนุนเปะนาะขณะก้าวขึ้นสะพานกําลังจะข้ามไปก็พอดีมีคนร้องบอกว่าอ้าลุงจีนลุงจีนหลุดไปท่านข้าหลวงกำลังจะผ่านมาทางนี้เฮ้ยแกกลชิบแปง้งเลยลุงจีนลู้นึกในใจว่า เรากำลังหาอยู่ทีเดียวเชียวว่ะตกมาใส่มือแท้ๆไอ้ถอยนี่ตายแน่ๆบรรดากองกิติยศวิ่งซอยเท้านำหน้ามาเป็นคู่ๆส่วนตัวข้าหลวงนั้นนั่งมาในเกี้ยวคนคนเดียวมีร้อยเวรองครักคุ้มกันถึงสิบคนบ้างก็ถือซ่าถือหอกบ้างก็โซ่เหล็กหลวมจีนลู่รำเพึงกับตัวว่าวเข้าถึงไอ้บัตรซนั้นไม่ง่ายเลยหากข้ามันไม่ได้เราคงกลายเป็นไอ้ตัวตลก ข้าหลวงมองลอดหน้าต่างเกี้ยวออกไปก็เห็นหลวงจีนลู่ทำท่าแก้ๆกางๆกระทำข้าหลวงข้ามสะพานแล้วเลี้ยวเข้าประตูสาราวาการทางด้าตะวันออกจึงก้าวลงจากเกี้ยวเรียกร้อยเวรสองคนเข้ามาหานี่พวกเจ้าออกไปนิมนต์หลวงจีนตัวอ้วนใหญ่ที่ยืนอยู่บนราวสะพานเข้ามาฉันเพนในจวนด้วยร้อยเวรทั้งสองก็ขึ้นสะพานไปนิมนต์หลวงจีนลู่นิมนต์หลวงจีนครับท่านข้าหลวงให้พวกเรามานิมนต์ท่านพระครู เข้าไปชั้นอาหารมังสวิรัติขอรับลวงจีนลูกคิดในใจว่าไม่ไอ้ชั่วนี่สงสัยจะต้องตายด้วยน้ำมือเราเป็นแน่ตอนแรกก็ขยับจะลงมือแล้วแต่กลัวจะเอาไม่อยู่เลยปล่อยให้ผ่านไปกำลังคิดหาทางใหม่อยู่ทีเดียวแต่นี่ถึงขั้นน้มนต์เขาไปหาเชียวนะว่าแล้วก็ตามในทหารทั้งสองเข้าไปในสาาว่าการฝ่ายข้าหลวงโหน้นสั่งการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พ่อหลวงจีนลูกก้าวเข้ามาถึงหน้าประตูห้องถุงก็ถูกสั่งให้ถอดดาบกับวางไม้ทับพระธรรมเอาไว้ข้างนอกก่อนจะเข้าไปฉันอาหารที่ตึกหลังได้หลวงจีนลูกออกปากค้านกระดาคนที่ล้อมอยู่ก็รุมกันว่ากล่าวท่านเป็นหลวงจีนอาจจะยังไม่รู้ธรรมเนียมใครๆก็ถืออาวุธเข้าไปในชวนไม่ได้ทั้งนั้นเฮ้ยวางวางวางไม่นี่แหละขอรับเดี๋ยวพวกข้าจะดูแลให้หลวงจีนลูกรำพึงว่าไม่แค่สองมือเปล่า ก็เข็นกระโหลกมนให้แตกขามือได้จึงวางดาบกับไม้เท้าลงบนโต๊ะข้างประตูแล้วก้าวตามองครักทั้งสองเข้าไปพ่อเห็นดังนั้นข้าหลวงโหที่นั่งอยู่ที่ตึกหลังก่อนแล้วก็ตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยพวกเจ้าจะไม่จนอนนั่นพลตระเวน 30-40 ี่ิคนก่อทลันออกจากช่องประตูกรูเข้ารุมหลงจีลูก แม้แต่เนจาผู้เป็นแทพก็ยังหลีกเหมนุษย์ลบจันทร์สวรรค์ไปไม่รอดถึงพระอินก็ยากจะหลุดออกจากถ้ำเสือโพรงมังกรจริงทีเดียวมแมลงเน้าบินเข้ากองไฟเต่าขี้โม้ต้องตายเพราะไปกลืนเหยื่อติดเบ็ดลุงจีนลู่จะเล็ดรอดเนื้อมือของข้าหลวงโโหได้อย่างไรฟังบทถัดไปหากใครจะรู้ ฝ่ายข้าหลวงโหนั้นสั่งการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อหลวงจีนลูกก้าวเข้ามาถึงหน้าประตูห้องโถงก็ถูกสั่งให้ถอดดาบกับวางไม้ทัาพระธรรมเอาไว้ข้างนอกก่อนจะเข้าไปฉันอาหารที่ตึกหลังได้หลวงจีนลูกออกปากค้านประดาคนที่น้อมอยู่ก็รุมกันว่ากล่าวท่านเป็นหลวงจีนอาจจะยังไม่รู้ธรรมเนียมใครใคก็ถืออาวุธเข้าไปในจวนไม่ได้ทั้งนั้นเฮ้ยวางวางวางไม่นี่แหละขอรับที่วพวกข้าจะดูแลให้ ลงจีนลู่รำพึงว่าแม่แค่สองมือเปล่าก็เข้นกระโหลกมันให้แตกขามือได้จึงวางดาบกับไม้เท้าลงบนโต๊ะข้างประตูแล้วก้าวตามองครักษ์ทั้งสองเข้าไปพาอเห็นดังนั้นข้าหลวงโหที่นั่งอยู่ที่ตึกหลังก่อนแล้วก็ตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยพวกเจ้าจะไม่ชนรถ น, นั้นพลตรเวนสามสิบสี่สิบคนก็ทะลุออกจากช่องประตููเข้ารุมหลงจินลู่ แม้แต่เนจาผู้เป็นเทพก็ยังหลีกเหมมนุษย์ลกจันทร์สวรรค์ไปไม่รอดถึงพระอินก็ยากจะหลุดออกจากถ้ำเสือโพงมังกรคนตระเวนเหล่านั้นก็ผลักหลวงจีนลู่ลงไปคุกเข่าเบื้องหน้าบัลลังข้าหลวงโหข้าหลวงโหจึงข่้นถามออกไปว่ามึงมาจากไหนวะไอ้ละหัวร้อนเฮอหลวงจีนลู่ตอบว่า อัตมหาไปทำผิดคิดร้ายอะไรข้าหลวงโฮถามอีกว่าใครส่งมึงมาฆ่าโอ้บอกความจริงมานะหลวงจินลู่ตอบว่าอาตัมฮาเป็นพระสลักแล้วซึ่งกิเลสเหตุชั้นไหนจึงได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกับอาตัมฮาเฮ้ยแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วหาเรื่องให้กูแสดงไม่เล่าข้าหลวงโฮจึงพูดอีกว่า เ <S an> ก, กูเห็นอยู่ว่ามึงกำลังจะเอาไม่ทำามาฟาดเกี่ยวกูแต่ทว่าใจมึงไม่ถึงไอ้ลาหัวหนนมึงสารภาพออกมาเสียิีดีเฮ้หยหลวงจีนลู่ร้องว่าเฮ้ยไอ้นายคนนี้ไม่เคยคิดฆ่าท่านเหตุทั้นไหนจึงคิดมาจับอาตมาท่านทำคนผิดฉันแลว้วอะไรวะเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าใครเขาใช้สรพนามแทนตัวว่า ไอคนนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่กันวะเนี่ยฮะแบบนี้มันจะต้องเป็นจอมโจรก่อนข้ามาจากมณฑลที่ห้าพ้นด่านชายแดนทางตะวันตกออกไปเป็นแน่ถ้าอย่างนั้นนะ่ะนะก็ชัดแล้วว่ามันต้องมาแก้แค้นให้อ้ซื่อจินถ้าไม่เพียนมันคงไม่ยอมรับทหารจับไอลาหัวล้อ น, นี่บ่อยใชหนะักลุงจีนรู้ร้องขึ้นว่าเฮ้ยเกูจะบอกอะไรให้ก็ได้ จะได้เอามือมาแตะตัวกูแม้แต่นิ้วเดียวเชน้มึงโก้นี่แหละคือหลวงจีนลู่หลังหลายแห่งเบองเหลียงสารละไอ้เจคิดจะฆ่าแกงกันนั้นมันไม่สำมาหาอันใดดอกแต่จะขอบอกว่าหากพี่ใหญ่ทรงเจียงรู้เข้าไม่ต้องลงเขามาปราบแล้วตอนนั้นนะ่ะนะมึงจะต้องยอมกดหัวตัวเองแล้วนําไปมอบให้ทันอย่างมันง่นคงข้าหลวงมโหใหญ่สั่งบอยหลวงจีนลู่อย่างหนัก และให้บริวาร น, นำคือคามาจำคอหลวงจีนโยนใส่คุกขณะเดียวกันก็มีใบบอกไปถึงส่วนกลางขอรับคำสั่งว่าจะให้จัดการเรื่องนี้อย่างไรไม้ท้าพระธรรมกับมิดาบถูกแยกไปเก็บไว้ที่ปลอดภัยเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องโจดจันกันไปทั่วทั้งจังหวัดสมุนโจนที่ส่งไปสืบข่าวได้กลิ่นเข้าจึงรีบรายงานขึ้นไปบนเขาเส้าหัวพระธุดงบูสงให้ตกใจนักบูสงคิดในใจว่า เราสองถูกทรงมกระทําการบางอย่างแต่เท่าว่ากลับมาถูกจับเอาไปแล้วหนึ่งแล้วฉันนี้จะกลับไปพบหน้าพี่น้องอย่างไรได้ฮึขณะกําลังรุ่นคิดก็มีสมุนโจรผู้หนึ่งขึ้นจากตีนเขามารายงานรายงอนไอโจรจากเขาเหลียงซานท่านหนึ่งมาว่าไต้จงเทพทองทคงกํ า, ากลังรอท่านอยู่ตีนภูขอรับ ปูสงรียบลงเขาไปพาพุ้มในการใหญ่ใต้ขึ้นมาแล้วแนะนำจูวูให้รู้จักทั้งสองเล่าให้ใต่จงฟังว่าหลวงจีนลู่ไม่ยอมฟังเสียงทัศน์านจึงต้องไปติดกับใต้ได้ฟังก็ให้ตระหนกพวกในการใหญ่อุทานขึ้นว่าจะช้าอยู่เห็นไม่ได้การซะแล้วจำจะต้องรีบกลับเขาเหลียงซานไปบอกให้พี่น้องรู้เพื่อจะได้ยกกำลังมาแก้เอาปูสงจึงกล่าวขึ้นว่า ข้าจะรออย่างใจจดใจจอ่อหวังว่าบรรดาพี่น้องจะเรียบมาช่วยกันโดยไว้ไต้จงกินอาหารผักท้องมนแล้วเรียบบึงไปเขาเหลียนซานในสามวันก็ไปถึงเล่าให้เจ้าไก่และส่งเจียงฟังเรื่องที่หลวงจีนลู่รั้นจะไปฆ่าค่าหลวงโหเพื่อช่วยซื่อจินแต่เป็นฝ่ายเข้าไปติดกับเสียเองส่งเจียงให้ตกใจนักแล้วเอ่ยขึ้นว่าพี่น้องของพวกเราถึงสองคนกาลังลาบาก เราต้องช่วยพวกเขาชะะไปไม่ได้การเราต้องระดมทั้งผลทั้งหมาโดยไวแล้วยอกออกไปเป็นสารกองกองหน้าหน่วยแรกนำโดยหัวหลงชินหมิงลิ้นชงหยางซื่อและผู้เวียนโจขุมทัพมมาหนึ่งพันทหารราบสองพันบุกฝ่าน้ำข้ามเขาเบิกทางไปข้างหน้าหน่วยที่สองกองกลางนำโดยส่งเจี้ยงมีวูหยงจูถงสู้หนิงเสียจน้นและเสียเป้าเป็นผู้ช่วย ประกอบด้วยคลม้ากับคนเดินเท้ารวมกัน 2,000 คนตบท้ายด้วยกองหนุนคุมสเสบียงอาหารและฟ่อนหญ้ามา้าประกอบด้วยลี่หญิงยางซ่วงซื่อชิวลี่จุนและจางซุนคุ้มคลม้าและพนเดินเท้าอีกสองพันรวมแล้วทัพอ า, าสาศึกในครั้งนั้นมีจํานวนทั้งสิ้นเจ็ดพันก็กระทถางคั่งค ร, รูลงจากป้อมค่ายป่าดาบดงหอกดูและลานตายาวลามลงมาจนถึงตีนภู ลู่ไปทั้งคนทั้งมา้าไหลบ่าไปดังพายุบุกแคมร้อนแรงนัดเลาะปากเขายึดเอาหัวโจเป็นทิศหลังจากผ่านไปได้หลายวันก็มาถึงกลางทางแต้จงถูกส่งล่วงหน้าไปยังเขาเส้าหัวเพื่อแจ้งการมาถึงของทัพหลวงจูบูกับในโจรคนอื่นๆก็เตรียมลมมาฆ่าบัวเชือดหนูเห็ดเป็ดไก่จัดเตรียมเหล้ายาปลาปิ้งเอาไว้ท่าทับใหญ่ที่จะมาเป็นแขกจนพร้อมสับ ส่งเจียงกับทัพทั้งสามก็มาถึงตีนภูปูส่งพร้อมกับจูหูเฉินต้าและหยางซุนพากระลงเขาไปต้อนรับแล้วเชิญบรรดาในโจรขึ้นไปบนเขาพอทุกคนนั่งได้ที่ส่งเจียงก็สอบถามถึงสถานการณ์ต่างๆในหัวเมืองจูหูตอบว่าข้าหลวงโฮ ยังขังคนทั้งสองเอาไว้รอท่าคำสั่งจากราชสำนักก่อนจะจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งขอรับซ่องเจี้ยนกับบูหยงจึงถามขึ้นว่าแล้วพวกเราจะมีแผนช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรดีจูบูเอ่ยขึ้นว่าวัโจเป็นเมืองใหญ่คู่เมืองทั้งลึกทั้งกว้างยากนักที่จะเข้าไปไมีแต่ต้องตีลัดกันจากทั้งข้างในข้างนอกจึงจะพอกระทบมันออกบูหยงกล่าวว่า พรุ่งนี้เราขี่ม้าไปดูกันที่ชานเมืองแล้วค่อยกลับมาวางแผนท่งเจียงนั่งดื่มเหล้าเฝ้ารอให้รุ่งเช้าเพื่อจะออกไปลาดตระเวนอูยงเอ่ยขึ้นว่าพวกมันจับคนหน้าใหญ่ไฟเราใส่คุกไปถึงสองคนมันคงต้องเตรียมพร้อมระวังระวัยอย่างถึงที่สุดเพนแหนเราออกไปตอนกลางวันคงไม่ดีแต่เาว่าคืนนี้เดือนกระจ่างเราลงจากเขาไปตอนบ่ายจั ด, จด พอสักยามหนึ่งก็จะถึงจุดสังเกตการได้พอดีพอดวงตะ ว, วันลอยข้ามหัวไปพักใหญ่ๆสรงเจียงบูยงหัวหลงชิ้นหมิงและจู่ถงก็พากันวิ่งม้าลงเนินลัดเลาะโคดเขินไปตามเส้นทางที่คดเคี้ยวพอใกล้ยามหนึ่งก็พากันเข้าใกล้เมืองหัวโจลงมา้าไปยืนขึ้นไปสังเกตการตัวเมืองจากหน้าผาแห่งหนึ่ง เวลานั้นเป็นกลางเดือนยี่ตามปฏิทินจันทรคติแสงจันทร์ส่องสว่างกระดุดกลางวันบนท้องฟ้าหาเมฆหมอกไม่มีพวกเขาเห็นประตูใหญ่หลายแห่งฝังอยู่ในกรอบกำแพงสูงอบล้อมตัวเมืองเอาไว้อย่างมั่นคงคนเหล่านั้นนิ่งมองอยู่เป็นนานก็จดจำเขาหัวซานที่ตั้งเยื้องอยู่ทางหลังเมืองเห็นลิบลออกไปเบื้องตะวันตกหัวโจเป็นเมืองที่ได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาจริงๆแล้วจะให้ไปทำอย่างไรได้ เมื่อเห็นเช่นนั้นทุกคนก็จังงังไม่มีผู้ใดคิดอะไรออกอู๋หยงจึงกล่าวขึ้นว่าเรากลับไปหารือกันบนที่มั่นของพวกเราเถิดทั้งห้าจึงพากันกลับไปยังเขาเศร้าหัวในคืนนั้นเองซ่งเจี้ยงหน้านิ้คิ้วขมวดหน้าตามุนหมองเป็นยิ่งนัก บูหยงจึงตัดสินใจว่าเราจะส่งพวกนุ่มๆหูตาว่องไวไปคอยดูลู่ทางสดับตรับฟังเรื่องราวต่างๆสักสิบคนก่อนจะทันพ้นสามวันแมวมองผู้หนึ่งก็กลับมารายงานว่าแรงฮอนพระจกักรพรรดิทรงจอมพลผู้หนึ่งจากสภาเสนาบดีฝ่ายกลาโหมแหรครั้งท้องของหลวงจะขึ้นไปเผาท่บบนเขาหัวสารขอรับ ล่องพ้นพูดนี้ล่องเรือมาจากแม่น้ํำฮวงเหือเข้ามาทั้งปากแม่น้ําหวยเหอผู้หยงบอกซ่งเจียงว่าไม่ความกังวลพ้นออกไปแล้วขอรับเราได้แผนการแล้วพางหันไปสั่งลี่จุนกับจางชุนว่าค อ, อยย่อให้พวกท่านทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอ้ยใครจะไปฟังเขาใจวันเนี้ย แล้วกูจะพิสั่งลูกน้องกูยังไงวันเนี้ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างเนี้อโอ้ยเป็นคําสั่งที่มหาศาลพันลึกจ ร, จริงๆจะว่าเป็นสัญญาณโุเรเลขก็ไม่ใช่เฮ้ยได้จุนจึงกล่าวว่าปัญหาคือเราไม่รู้จักภูมิประเทศจะให้ดีอ่ะนะควรมีใครสักคนนําไปขอรับยางสุนงูด่างขาวจึงเสนอขึ้นว่าให้ข้าเป็นยังไงส้มเจียนยินดีนัก แล้วทั้งสามก็พากันลงจากเขาในวันต่อมาส่งเจี้ยงลี่หญิงจูถงหูเวียนโจหัวหลงชินหมิงและสู่หนิงก็ดำเนินการตามแผนของหูหยงกล่าวคือพาคนห้าร้อยคนไปซุ่มรอยอยู่ริมน้ำปั่งหวยเหอบริเวณจุดสอบอันเป็นเขตน้ำตื้นที่สามารถลุยน้ำข้ามได้ รอขบวนเรือใหญ่ที่คาดว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่าสิบลำสรงเจียงสังหูเวียนโจหัวหงชิ้นหมิงและสู่หนิงพาสมุนจนทั้งหมดข้ามไปซุ่มอยู่ตามสมทุมพุ่มไม้บนสองชายฝั่งให้ลี่จุนจางชุนและหยางสุนลงเรือภายลำหนึ่งส่วนตัวเองหูหยงจูถงและลี่หญิงก็ลงไปอีกลำหนึ่งผู้คนทั้งห้าร้อยทั้งบนฝั่งและชายน้าซุ่มรอขบวนเรือไปตลอดทั้งคืน พอรุ่งสางก็ได้ยินเสียงคล้องกลองมโหรีปีพาดแววตามลมมาแต่ไกลเรือใหญ่รัฐบาลสามลำก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาให้เห็นในคลองจักสุป้ายผ้พาพื้นใหญ่สีเหลืองปักอักษรอ่านได้ความว่าจอมพลสูโดยเสด็จพระราชกรณียกิจเผาทูปบนเขาหัวซานบนเรือลำเล็กของส่งเจียงจูถงกับลี่หญิง ถือทวนยาวยืนอยู่ท้ายเรือคอยระวังหลังให้ส่องเจี้ยงที่ขึ้นไปยืนเด่นอยู่บนหัวเรือฝ่ายวูหยงยืนอยู่ในท้องเรือด้านล่างพอขอบวนเรือราชการมาถึงเรือเล็กของฝ่ายโจรก็พากันแล่นออกไปสกัดเอาไว้ตรงจุดน้ําสอบผู้กองผู้หนึ่งใส่ชุดเสื้อคลุมยาวสีม่วงรัดกระดกสีน้ําเงินโคลงขึ้นมาบนสะพานเรือพร้อมด้วยทหารอีกกว่ายี่สิบคนผู้กองร้องตะหวาดออกไปว่าเฮ้ยไว ฉันไหนจึงกล้าขโมาขวางทางน้ำของท่านมหาเจ้าบดีพวกเป็นใหญ่ไว้เนี่ยฮะส่งเจียงกุมมือเข้าด้วยกันโค้งคำนับในกองผู้นั้นด้วยความนอบน้อมแล้วบูหยงที่ยืนอยู่ที่ท้องเรือก็ตอบกลับไปว่าส่งเจียงผู้พิทักษ์คุณธรรมแห่งบึงเหลียมสารมาน้อมรับคําสั่งขอรับฝ่ายส่งเจียงยังคงก้มหน้าโค้งอยู่เช่นนั้นมหาเล็กอีกผู้หนึ่งบนสะพานเรือสืบเท้าออกมาแล้วเอ่อยขึ้นว่า ท่านจอมพลจากราชสันักจะเดินทางไปเผ่าทั่วบนเขาหัวซานในพระประสงค์แห่งองค์พระจกักรพรรดิไอโจรร้ายพวกนี้ถ้าดีฉันไหนใหญมางขวางเฮ่ยส่องเจียนยังคงนิ่งเงียบโคงคาราวะเช่นเก่าอยู่อย่างนั้นอู๋หยงตอบว่าแต่ว่าเราเหล่าผู้วิทักคุณธรรมให้เพียงขอพบหน้าท่านใต้เท้าการุณาเท่านั้นเรามีเรื่องราวจะดีการ้องเรียนขอรับในกองผู้ที่ยืนขนาบข้างทั้งสองก็ตวัดขึ้น และพวกเจ้าคิดว่าตัวเป็นใครจึงคิดจะมาขอเรียนพกท่านจอมพลเฮ้ยโวยอย่ามาพูดให้เสียเวลาไปเลยส่งเจียงยังสงบนิ่งไม่ไหวติงไปจากท่าเดิมปูยงกล่าวต่อไปว่าพวกเรามากราบเรียนเชิญท่านจอมพลขึ้นฝั่งขอรับเรามีเรื่องบางประการพระสงค์จะกราบเรียนท่านไต่เท้าการุณามหาเล็กผู้นั้นก็ตวัดขึ้นอีกว่าพวกเจ้าบ้าไปแล้ว ท่านจอมพลเป็นถึงมหาเสนาบดีเป็นหลักศัตรูมังของบ้านเมืองแล้วเหตุฉะไหนคนอย่างท่านไต่เท้ากรุณาจึงจะมาเสวนากับพวกเจ้าฮะหบ้าไปซะแล้วปู่ยงจึงพูดอีกว่าหากท่านจอมพลไม่ยอมขึ้นมาพบเราข้าเกรงว่าเด็กๆพวกนี้จะทำให้ท่านตกใจว่าพรางส่งเจียงก็ยืดตัวขึ้นตรง ชับทันจูถงก็โบกสัญญาณธงติดปลายทวนของตนหัวหรงฉินหมิงสู่หนิงหูเหวยนโจกับไพร่พลทั้งห้าร้อยก็โผล่ออกมาจากที่ซ่อนบนฝั่งทั้งสองฝั่งดึงเกาทันขึ้นเทียบคันธนูเล่งลงมาประด า, านคนเรือก็แตกตื่นรีบพากนันหนีเข้าไปซ่อนภายในตัวเรือมหาเล็กผู้นั้นรีบวิ่งลงไปรายงานด้วยความตกใจ จอมพลสูไม่มีทางเลือกจำใจจะต้องโคลออกมานั่งลงบนท่านหัวเรือส่งเจียงรีบเขาเต่าแล้วกล่าวทักทายเป็นเชิงคารวะอย่างนอบน้อมจอมพลสูร้องถามออกไปว่าเฮ้เฮกผลกลใดเจ้าถึงมาหยุดเรือข้าฮะส่งเจียงตอบว่าเออพวกเราไม่กลาก้ากำเริบเสบสารกระทำการอันไม่เหมาะสมเช่นนั้นดอกขอรับจอมพลสูจึงพูดว่าอา้าว แล้วถ้าเช่นนั้นเหตุชะไหนจึงขวางเรือเราเอาไว้ฮะท่านผู้เยี่ยมยุทธเออมิบังอาจขอรับท่านใต้เท้ากรุณาเราเพียงแต่ใครจะวิงวอนท่านจอมพลโปรดขึ้นฟังเรามีเรื่องใครขอเรียนปรึกษาเฮ้ท่านผู้เยี่ยมยุทธข้านั้นมาในรับสั่งแห่งองค์พระจกักรพรรดิให้ขึ้นไปเผาทั่วบนเขาหัวซานข้าจะไปปรึกษาหารือกับท่านได้อย่างไร แล้วขออันเสนาบดีประจำราชสนักนั้นจะเรียกร้องให้ขึ้นฟังกันง่ายๆได้ฉันไหนฮะผู้ยงร้องขึ้นจากหัวเรือว่าฮะท่านจอมพลปฏิเสธข้าเกรงว่าบรรดาลูกสมุนเหล่านี้จะไม่ยอมขอรับลี่หญิงก็บกทงที่ปลายทวนของตนขึ้นบ้างลี่จุนจางชุนกับหยางซุนก็พากันกันเชียงเรืออีกลาหนึ่งเข้าไปหา ขณะที่จอมพลสูงจับตาดูอยู่อย่างหวัดวั่นรี ก, กับจางก็ถือดาบคมกริบปีนกราบเรือขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วหวดในกล่องทั้งสองตกน้ำส่งเจียงตะหวาดไปว่าเฮ้ยหยุดทำเหลวไหลยอย่างนั้นพวกเจ้าบังอาจทำให้ใต้เท้ากระโดนาตกอกตกใจรี ก, กับจางรีบกระโดดตามลงน้ำยูนในกลองทั้งสองขับขึ้นมาบนเรือ ทั้งสองก็ทําขุดดําว่ายอย่างง่ายดายดังนอนทอดคุยอยู่บนบกแล้วพกกลับขึ้นไปบนสะพานเรือหลวงอย่างนุ่มนวลเห็นดังนั้นขวัญของท่านจอมผลก็บินออกจากร่างถึงตอนนั้นส่งเจียงก็ดุดาคนของตนอีกหนหยุดพวกเจ้าออกไปจากที่นี้ได้แล้วหยุดขย่าขวันท่านจอมผลเสียทีข้าจะหวานร้องท่านไต่เท้ากรุณาให้ขึ้นฟังด้วยตัวเองจอมพลสูเอ่ยขึ้นว่า อันผู้กล้าหากมีอะไรอยู่ในใจชั้นไหนไม่บอกมาเสียแต่ตรงนี้เลยเล่าส้มเจี้ยงตอบว่าเออที่นี่ไม่ใช่ที่จะหาหรือโปรดได้ขึ้นไปบนป้อมค่ายของพวกเราบนเขาด้วยเถิดอันพวกเรานั้นจะไม่จิตคิดรา้ายท่านตายท้าวกรนาแม้เพียงสักนิดก็หาไม่หากพูดไม่จริงก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาหัวซานจงดนบรรดาเนี่ข้ามีอันเป็นไปเลยขอรับ จอมพลสูไม่มีทางเลี่ยงจึงจำใจขึ้นฝั่งมีคนหาม้ามาให้ขี่ช่วยขึ้นอานและบรรดาฝ่ายโจรก็พาจุงขึ้นไปส่งเจียงกับบูหยงส่งหัวโลงกับฉินหมิงให้คุ้มกันจอมพลสูกับคณะทั้งหมดขึ้นเขาหลังบัญชาการไพร่พ ล, พลให้ช่วยกันขนทูบเทียนเครื่องเส้นไหวและระฆังทองที่ห้อยอยู่บนราวตามไปด้วยส่วนตัวเองก็เวียงตัวขึ้นอ่านมา้าเหาะย่ามตามไปทิ้งลี่จุนจ้างชุน กับสมุนโจรอีกราวร้อยคนอยู่เฝ้าคุ้มกันเรือที่เหลือทั้งหมดกลับขึ้นเขาพ่อไปถึงส่งเจียมก็ลงมานำจอมพลสู่เข้าไปในห้องโถงใหญ่ให้นั่งเก้าอี้ตัวกลางบรรดาในโจรพากันยืนขนาบเป็นสองแถวส่งเจียงคุกเขา่าเข้าเต่าจอมพลสู่อีกสี่ครั้งยืดตัวขึ้นให้ตรงแต่ทว่าก็ยังคุกอยู่บนเข่าตามเดิมแล้วเอ่ยขึ้นว่าอ้อนนี้ข้าน้อยพู้ต่ำต้ย เป็นแต่เพียงเจ้าพนัก ง, งานชั้นผู้น้อยในตำบลหยุ่นเชงเป็นเพราะบ้านเมืองบีบคั้ให้เป็นคนนอกกฎหมายตองนีพายไปบึงเหวิง้งซานชีวิตนี้รอท่าก็แต่พระราะทานอภัยโทษจะลงมาโปรดให้กลับไปรับใช้แผ่นดินอีกหนพี่น้องสองคนของเราทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีความผิดแต่ก็ถูกข้าหลวงโฮใส่ไ ฟ, ไฟจับใส่กรงขังข้าใครจะกราบเรียนเขายืมทุบหลวงเครื่องตกแต่งกับระครังทองเพื่อใช้เป็นใบเบิกทางข้าหัวโจพอใช้เสร็จ จะรีบนำกลับมาคืนโดยไม่ให้บุบสลายใดๆเรื่องนี้ท่านจอมพลไม่ต้องเกี่ยวข้องเรากราบวิงวอนให้ใต่เท้ากรุณาโปรดได้เมตตาเห็นชอบด้วยขอรับข้าหลวงจึงแย้งขึ้นว่าหากท่านเอาทุกหลวงและสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้เรื่องก็จะแดงพรอยเอาข้าพวกพันไปด้วยนะสิเฮ้ยส่งเจีิยงจิงว่าถ้าช่นนั้น พอท่านกลับไปเมืองหลวงท่านจอมพลก็สามารถโยนทุกสิ่งทุกอย่างลงมาเอากับตัวข้าได้เลยเสนาบุดีสูตระหนักดีว่าคนประเภทนี้ต่อให้ปฏิเสธอย่างไรก็ไร้ประโยชน์จึงจำต้องโอนอ่อนส่งเจียงรีบชูจอกดื่มให้อย่างนอบน้อมแต่งโต๊เลี้ยงเพื่อเป็นการแสดงความระลึกในพระคุณแล้วนาเอาเครื่องแต่งกายในการประกอบพิธีไปตกแต่งให้บรรดาคนของตนเลือกเอาผู้ที่ไร้หนวดไร้คราว ที่สะอาดสะอากลที่สุดในหมู่โจรให้แต่งชุดจอมพลปลอมเป็นมหาเสนาบดีสูญยวนจริงส่งเจียงกับบูหยงปลอมเป็นสองมหาเล็กเสียจ้นเสียเป้าอย่างซ่วงและชื่อซิ่วปลอมเป็นในกองทั้งสี่ให้สมุนโจรแต่งชุดเสื้อคลุมม่วงผ้าคาดเอวสีเงินแบกธงถือป้ายผ้าเครื่องคราวประกอบพิธีและดวงตราประจําตําแหน่งพร้อมทั้งทูลถาดทูบเทียนเครื่องเส้นไหว้และราวระฆังทองให้หัวหลง สู่หนิงจูถงและลี่หญิงแต่งเป็นทหารพิทักษ์ให้จูบูเฉิญต้าและหยางซุนคอยอยู่ดูแลจัดที่หลับที่นอนเลี้ยงดูปูเสือจอมพลสูกับข้าทาสบริวารที่ตามมาด้วยชินหมิงกับผู้เวียนโจได้รับมอบหมายให้คุมไพร่พลกองหนึ่งทั้งคนทั้งมา้าส่วนหลินชงกับหยางซื่อคุมอีกกองหนึ่งยกตรงไปยังเมืองหัวโจ ปูสงถูกไปประจำประตูใหญ่ทางเข้าวิหารบนเขาหัวซานคอยฟังเสียงสัญญาณแตรก่อนจะลงมือใต้จงถูกส่งล่วงหน้าไปแจ้งทางวิหารว่าขบวนราชทูตกําลังจะมาเพื่อให้เรื่องสั้นเข้านะครับขบวนพยุหหายาตราก็เคลื่อนจากที่มั่นบนเขาลงมาจนยังจุดที่เรือหลวงทอดสมออยู่หากันขึ้นเรือแล้วเดินหน้าต่อไปแต่แทนที่จะแวะเข้าตัวจังหวัดหัวโจ กลับมุ่งตรงไปยังหมู่วิหารเขาหัวสานในทันทีไตจงรีบล่วงหน้าไปแจ้งข่าวเจ้าสํานักหยุ่นไทและบรรดานักรตแห่กันลงมารอรับถึงชายน้ําพร้อมด้วยดอกไม้ทูบเทียนโคมไฟธงทิวและเครื่องแต่งกายงดงามตระการตาทูกหลวงทูกนําไปทูลไว้บนบุตรศพบซึ่งเหล่านักรตพากันแห่แหนขึ้นไปไว้บนวิหารรวมทั้งระฆังทองเหล่านั้นพอเจ้าสํานักขยิบเข้าไปใกล้ท่านจอมพลบูหยงก็ชิงเอ่ยตัดหน้าขึ้นว่า ท่านใต้เท้าการุณาด้วยมาตลอดทางเลยขอรับพระคุนเจ้าโปรดสั่เกี้ยวมารับด้วยบรรดาคนรับใช้ประคองท่านจอมพลขึ้นเกี้ยวเกี้ยวก็พาไปท่านจอมพลขึ้นไปยังหอสําหรับขุนนางที่ตั้งอยู่ในหมู่วิหารแล้วเชิญให้พักผ่อนมหาดเล็กบูยงก็เข้าไปแนะน า, นาตนเองกับเจ้าสนักท่านจอมพลเดินทางมาในรับสั่งขององค์พระจกักรพรรดิ พร้ทูบหลวงและระคังทองเพื่อมาเส้นไหว้สวรรค์ทัานไหนข้าหลวงเมืองนี้จึงไม่ออกมาคอยต้อนรับเจ้าสํานักจึงเอ่ยขึ้นว่าเออเราส่งคนถือหนังสือไปแจ้งเรียบร้อยแล้วหลับละศอกข้าน้อยคิดว่าท่านข้าหลวงคงจะเรียมาในเร็วนี้แหละก่อนคําพูดจะทันหลุดจากปากยกกระบะผู้หนึ่งจากในเมือง ก็พาพลตระเวนราวหกสิคนล่วงหน้ามาต้อนรับขับสู้ท่านจอมพลพร้อมผลหมากรากไม้และเหล้ายาปลาปิ่งโจรปลอมแม้ดู ผ, ผิดผลาดจะเหมือนแต่ถ้าว่าสำเนียงน้ำเสียงย่อมปลอมกันไม่ได้ดังนั้นท่านจอมพลจึงแสร้างทำป่วยอยู่แต่บนแคร่เอาเพื่ห่มพันกายยกกระบะผู้นั้นเมื่อเห็นธงทิวธงสี่เหลี่ยมและป้ายผ้าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นเครื่องใช้ในราชสำนักจากเมืองหลวงตะวันออกก็เชื่อใจด้วยเห็นว่าเป็นของจริง มหาเล็กเข้ามาทำทีเป็นหาเรืออยู่สองครั้งแล้วพายกระบัดเข้าไปข้างในให้คุกเข่าอยู่บนบันไดล่างสุดของยกพื้นใกล้จากท่านจอมพลที่นั่งอยู่บนบันลังพอสมควรยกกระบัดผู้นั้นมอบลงเขาเต่าท่านจอมพลพึมพำอะไรออกมาสองสามคำบูยงก็ดึงยกกระบัดผู้นั้นออกมาว่ากล่าวข้า ง, างา เ, งาเา่่เเยาทานอ ท่านใต้เท้ากรุณาเดินทางร้อนแรง ม, มาได้รับสั่งให้มาเผาทูกบนเขาหัวซานแห่งนี้ท่านป่วยมาตลอดทางเฮ้ท่าไหนจึงไม่มีครมการจังหวัดผู้ใดออกมาให้การต้อนรับท่านใต้เท้ากรุณาเลยไมมสักคนเดียวเอเอพวกเราได้รับไปบอกมาก่อนแล้วขอรับว่าท่านใต้เท้ากรุณาจะมาแต่นึกไม่ถึงว่าจะมาเร็วเช่นนี้จึงไม่ได้ทัานตั้งตัวน่ะขอรับทําให้ท่านใต้เท้ากรุณามาถึงวัดก่อน ท่านข้าหลวงตั้งใจจะมาแต่จรนบนเขาเส้าหัวเกิดไปรวมตัวกับพวกกบฏจากเมืองเหลืองซานจะยกมาตีเมืองเราเราต้องคอยระวดระวังทั้งกลางวันและกลางคืนไม่าทิ้งเมืองไปไหนแต่ท่านข้าหลวงส่งข้าน้อยร่วงหน้ามาพร้อมด้วยสุราและผลไม้เหล่านี้ส่วนตัวท่านจะต้องรีบตามมาคารวะอีกในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนขอรับกู่หยงจึงตั้งเงื่อนไขว่าท่านจอมพลให้แจ้งว่า ท่นานใต้เท้ากรุณาจะไม่แตะสุราม้แต่หยดจนกว่าข้าหลวงจะไม่ให้การต้อนรับเต็มตามพิธีรีตองยกกระบติผู้นั้นเรียกหาสุรามาดื่มกับมหาเล็กและข้าทานบริวารปูหยงจึงเข้าไปข้างในกลับมาพร้อมกับประแจดอกหนึ่งแล้วพายกระบติผู้นั้นไปชมระคังทองเปิดฝาหีบประคองถุงผ้าที่ปรักพรมด้วยเครื่องหอมแล้วคลี่เอาระกังทองสองใบออกมา อันเชิญขึ้นไปแขวนไว้กับราวไม้ไผ่เพื่อให้ยกกระบาดผู้นั้นได้ชมระฆังทองสองใบนั้นรังสรรคขึ้นจากช่างฝีมือแห่งราชสำนักสุดจะหาที่ติมีได้ประดิษฐ์ประดอยตกแต่งด้วยมุกและอัญมณีมีค่าสองข้างราวแขวนด้วยโคมระยะเป็นผ้าไหมสีแดงสดสองลูกแต่ก่อนระฆังราวคู่นี้ประดิษฐสถานอยู่กลางพระตำหนักเทพบิดรในวังหลวงจะมีก็แต่ช่างหลวงแห่งราชสำนักเท่านั้นที่จะรังสรรค์สิ่งนี้ขึ้นมาได้ หลังจากปล่อยให้ยกกระบาดผู้นั้นชื่นชมระคังจนอิ่มตาบูหยมก็เอาถุงผ้าหอ่อจัดเก็บเข้าหีบแล้วรั้นประแจเอาหนังสือราชการและใบบอกต่างๆจากสภาเสนาบดีฝ่ายบริหารออกมามอบให้ยกกระบาดผู้นั้นแล้วขอให้ท่านจอมพลกำหนดเริบยามเพื่อทำพิธีวงสวงเส้นไหว้จกกระบตดกับพักพวกก็ตามมาด้วยช่วยกันพิจารณาหนังสือเหล่านั้นกล่าวอำลามหาดเล็กแล้วกลับหัวโจ ไปรายงานเรื่องราวต่างๆให้ข้าหลวงฟังส่งเจียงให้นึกกระยิมใจถึงอายุกระบัดผู้นั้นมันจะเล่เหลี่ยมแพลว่าวแต่ก็ยังถูกเราสนตภยัยเปรียบได้อย่างควายตัวหนึ่งฮี่ <Y ew. S 1> ตอนนั้นบูสงปักหลักอยู่ที่ประตูวิหารบูหยงก็เรียกซื่อชิวไปสั่งให้เอาอาวุธซ่อนเสียในตัวแล้วให้ไปคอยช่วยบูสงระวังประตูเอาไว้สั่งให้ใต้จงปลอมตัวเป็นในกองอีกผู้หนึ่ง ครานั้นเจ้าสำนักหยุนไทยก็จัดอาหารมังสวิรัตมาบริการแล้วสั่งให้นักพรตผู้ดูแลปัดกวาดจัดแต่งหมู่วิหารให้ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพอส่งเจียงเดินทอดน้องออกไปดูสถานที่ก็ให้นึกชมว่าไม่ช่างเป็นสถานที่ที่งดงามนักหมู่วิหารสวยงามจับตาเขาเศร้าหัวเปรียบได้ดั่งสวรรค์ประธานมายังโลกมนุษย์ พอส่งเจียงกลับเข้าไปในหอขุนนางยามประตูก็เข้ามารายงานว่ารายงอนท่านข้าหลวงมาถึงแล้วขอรับส่งเจียงเรียกหายามทั้งสี่คือหัวหลงสู่หนิงจูถงและลี่หญิงแต่ละคนถืออาวุธพอประจำการอยู่ทั้งสี่ทิศแล้ววางเสียเจิ้นเสียเป้ายางซ่วงและใต้จงซ่อนอาวุธไว้กับตัวทั้งขวาและซ้าย ข้าหลวงโหมาพร้อมด้วยคนสามร้อยคนพากันลงมานอกกำแพงแล้วก็แห่กันเข้าไปในหมู่วิหารสองมหาดเล็กหู่หยงกับส่งเจียงก็เห็นว่าคนพวกนั้นล้วนพยอดาบกันเข้ามาหู่หยงรีบตะโกนขึ้นว่าท่านจอมคนแห่งราชสำนนักอยู่ข้างในคนไม่สลักสำคัญใดๆให้ถอยออกไปไม่เกี่ยว พอส่งเจียงกลับเข้าไปในหอขุนนางยามประตูก็เข้ามาเรางงานว่าแรงออนพันข้าหลวงมาถึงแล้วขอรับส่งเจียงเรียกหายาทั้งสี่คือหัวหลงสู่หนิงจูถงและลี่หญิงแต่ละคนถืออาวุธเฝ้ประจำการอยู่ทั้งสี่ทิศ แล้ววางเสียจน้นเสียเป้าอย่างซ่วงและใต้จงซ่อนอาวุธไว้กับตัวทั้งขวาและซ้ายข้าหลวงโหมาพร้อมด้วยคนสามร้อยคนพากันลงมานอกกำแพงแล้วก็แห่กันเข้าไปในหมู่วิหารสองมหาดเล็กหูหยงกับส่งเจียงก็เห็นว่าคนพวกนั้นล้วนห้อยดาบกันเข้ามาหูหยงรีบตะโกนขึ้นว่าพัานจอมคนแห่งราชสำนักอยู่ข้างในคนไม่สลักสาคัญใดๆให้ถอยออกไปไม่เกี่ยว พระดาคนเหล่านั้นก็พันหยุดกึกมีเพียงข้าหลวงโห่สาวเท้าก้าวขึ้นหอสําหรับขุนนางมาตามลําพังมหาดเล็กบูยงเอ่ยขึ้นว่าท่านจอมพลเรียนเชิญท่านข้าหลวงให้เข้าไปข้างในขอรับข้าหลวงโห่เดินเข้าไปในหอคุกเข่าลงเข้าเต่าอยู่เบื้องหน้าท่านจอมพลบูยงเอ่ยขึ้นว่าท่านข้าหลวงรู้ตัวไม่ว่าทังผิดทำเนียมสักแค่ไหน ข้าหลวงสูจึงพูดว่าเออข้าน้อยไม่ทราบว่าท่านจอมพลจะมานะขอรับโปรดเอภยัยใข้าด้วยเถิดบูหยงพูดตอบไปว่าวุ<ฮ>้ท่านจอมพลเดินทางมาเผาทับนเขาหววซานตามรับสั่งในสมเด็จพระจกักรพรรดิขบวนก็ออกจะเอกระเริงใหญ่โตเหตุชั้นไหนจึงไม่รีบออกมาต้อนรับเฮ้ยเออข้านึกไม่ถึงว่าท่านตายเท้ากรุณา จะมาไว้ถึงปานชันนี้จึงได้หละหลวมในหน้าที่ขอรับบูยงตะโกนสั่งว่าทหารจับไอค้คนคนนี้เสียเจิ้นกับเสียเป้าดึงกระบี่ออกมาตวัดเตะโหล้มความ่าวาดกระบี่ออกไปอีกชับหัวโหก็ <c oughs> ถูกสับหลุดพิ่งลงไปบนพื <c oughs> ้น <c oughs> <c oughs> ส่งเจียนตวัดสัมทับไปว่าเฮ้ย <c oughs> น้องทั้งหลายปฏิบัติกันไ พวกติดตามข้าหลงโหดทั้ง300อตัวแข็งทื่อด้วยความกลัวหัวโงและคนอื่นๆทั้งหลังเข้าใส่ปิดชีวิตบรรดาคนเหล่านั้นร่วงหล่นกระดุดลูกประคำสายขาดกึ่งหนึ่งรีบวิ่งหนีออกไปทางประตูวิหารแต่วูสงกับซื่อชิวกลายดาบสกัดไว้พวกโจรที่ไล่ตามมาก็อบอ ก, กันเข้ามาแล้วเข็นข้าลงไปจนหมดสิ้นจาก300ที่ขึ้นเขาไปไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวหลุดรอดลงไปได้ บางคนตามไปวัดที่หลังก็ยังถูกจางสุนกับนี่จุนฆ่าทิ้งซ่งเจียงสั่งให้เอาทูกหลวงกับระฆังทองเก็บเข้าหีบแล้วทั้งหมดก็รีบกลับไปลงเรือโดยไม่ชักช้าก่อนจะทันไปถึงหัวโจก็เห็นควันไฟพรุ่งขึ้นสองลำทับที่อยู่บนเรือคงพากันเจาะเข้าไปในตัวเมืองแก้ซื่อจินกับหลวงจินลู่ออกจากคุก ต่อมาก็บุกเข้าไปในครังสมบัติเก็บกวาดข้าวของทุกชิ้นที่มีค่าค้นใส่เกวียนหลวงจินลู่เรีย บ, บุกเข้าไปในตึกหลังไปดาบกับไม้เท้าของตนคืนส่วนานางกิ่งหยกกระโดดบ่อน้ําตายไปน่านแล้วพอออกจากหัวโจได้ก็ขึ้นเรือแล้วเรียบคืนไปยังเขาเส้าหัวคืนข้าวของที่ยืมมาให้แก่จอมพลไม่ว่าจะเป็นทูบหลวงระคังทองธงสี่เหลี่ยมต้ายผ้าและตราประจําตําแหน่ง กลาวขอบพระคุณอย่างนอบน้อมส่งเจียงเอาเงินทองใส่ถาดมอบให้เป็นของกำนันบรรดาข้าทาสบริวารที่ติดตามมาไม่เลือกยศเลือกตำแหน่งก็พลอยได้รับอ น, นิสงส์ไปด้วยจนสิน้นทางที่มั่นจัดโต๊ะเลี้ยงอำลาขึ้นอีกครั้งขอบพระคุณท่านใต้เท้ากรุณาอีกหนบรรดาในโจรคุ้มกันขบวนของจอมพลลงจากเขาไปขึ้นเรือที่จุดน้าสอบคนเหล่านั้นได้รับคืนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเล็กว่าใหญ่ ไล่ลงไปจนถึงจอกถึงไหส่งเจียงกล่าวขอบพระคุณจอมพลสู่อีกวาระหนึ่งส่งเจียงกลับขึ้นเขาเศร้าหัวไปหารือกับผู้กล้าทั้งสี่พวกเขาพากันขนเงินทองข้าวของสเสบียงอาหารออกมาจนหมดสิน้นแล้วเผาค่ายทิ้งพวกกบททั้งมา้าทั้งสเสบียงกลังและฟ่อนหญ้าก็ออกเดินทางบ่ายหน้าสู่บึงเหลียงสาน ข้างฝ่ายจอมพลสูรพอขึ้นเรือที่จุดน้ําสอบแล่นผ่านไปทางหัวโจก็ได้ทราบข่าวว่าโจรเขาเลี้ยงสานฆ่าทหารรลอนเงินทองและข้าวปลาอาหารไปจากทังสมบัติข่าแม่ทัพในกองไปนับร้อยรวมทั้งทหารอีกสามรอคนบนเขาหัวซานจอมพลสูรสั่งให้ยกระบัดผู้นั้นรีบมีหนังสือไปบอกสภาเสนาบดีฝ่ายบริหารเพื่อให้นําความขึ้นกราบบุคคลทูลจั ก, กรพรรดิความว่าทรงเจียงร่อนทูบหลวงและระฆังทองไปกลางทาง แล้วนำไปรวงข้าหลวงขึ้นไปสำเร็จทอดบนวิหารเขาหัวซานแล้วท่านจอมพลก็รีบเลยไปเผาทูบหลวงมอบระฆังทองให้อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าสำนักยุนไทส่วนตัวก็รีบรุดไปเมืองหลวงตะวันออกแล้วถวายรายงานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแด่องค์พระจักรพรรดิหลังจากแก้เอาซื่อจินกับหลงจินลูกออกมาได้แล้วซ่งเจียงก็แบ่งทัพตนออกเป็นสามกอง ร่วมกับสี่ผู้กล้าแห่งเขาเส้าหัวยกกลับไปยังบึงเหลียงซานไม่ทำร้ายจังหวัดหรือตำบลใดๆตามรายทางอีกเช่นเคยไต่จงล่วงหน้าไปยังค่ายใหญ่เพื่อแจ้งข่าวการมาถึงเจ้าไก่กับบรรดาหัวหน้าโจรคนอื่นๆรีบลงมาต้อนรับแล้วทั้งหมดก็กลับขึ้นไปยังหอธรรมายุทธภพหลังจากโอภาปราศัยทักทายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองกัน วันต่อมาซื่อจินจูบู่เฉินต้าและหยางซุนออกเงินตัวเองเลี้ยงขอบพระคุณเจ้าไก่ส่งเจียงรวมทั้งในโจรคนอื่นๆเวลาก็ล่วงไปอีกหลายวันเราจะขอข้ามรายละเอียดปลีกย่อยไปบ้างนะครับวันหนึ่งเจระเค่บกจู้กุยเรีบขึ้นเขาเข้ามารายงานว่ารายงอนบนเขาหมั่งตังตำบนเป่ยเซียนจังหวัดสุโจมีชุมจรกหนึ่งตั้งขึ้นมาใหม่ มีไพ่ผลทั้งสิ้นเราสามพันคนเห็นที่จะได้ว่าน้าเป็นเต้าหินฮะว่าฟานรุยสมุยาเจ้าอสูรมนแผ่นดินมีเวทมนตร์กลอนคาถาสามารถเรียกลมเรียกฝนเชี่ยวชาแนกหนาเรื่องกลลสึกมีผู้ช่วยสองคนหนึ่งนั้นชื่อเสียงจงสมุยาเทพนาจาแปดก้อนใช้โลอกลมเน็บมีดเบินยีสิสี่เล่มเป็นอาวุธสามารถคว่างใส่ผู้คนในระยะร้อยเก้าวเดนแม่นยำไม่มีผิด ในมือถือหอกสั้นทำด้วยเหล็กอีกผู้หนึ่งชื่อว่าลีกุนสมมยาเทพเกินฟ้าใช้โลกกลมอีกเช่นกันผิดแต่ข้างนี้เนบลูกดอกย4สี่ลูกว่างไปเป็นอันตรายถึงตายในระยะร้อยเก้าเช่นกันถือกระบี่วิเศษเล่มหนึง่งโอ้โหจะรแค่บกโจกุยนี่ทำการบ้านมาดิจังเลยรู้ละเอียดยิบเลยบาทท้ จู่กุ้ยรายงานต่อไปอีกว่าพี่น้องร่วมสาบานทั้งสามยึดเขามังตังออกล้นส dom ไปทั่วตอนนี้พวกมันคิดจะโมโหปอมไายของเราข้าสืบทราบมาได้จึงขึ้นมารายงานขอรับสรงเจียงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟตะโกนออกไปว่าเฮ้เฮเฮ้ชั้นไหนไอ้พวกคนขดจึงได้หยาบไายถึงเพียงนี้โูจะลงไปจัดการกับพวกมันเองเอ รู้แล้วของขึ้นวะ <S <S <an throp ic> ก็มมังกรซื่อจิน ส, สืบท้าออกมาแล้วพูดว่าข้อกับพี่น้องทั้งสามเพิ่งจะมาอยู่ใหม่ๆยังไม่ได้ประกอบคุณงามความดีใดๆให้เห็นเป็นที่ประจักษ์เราใคร่จะนำคนของพวกเราลงไปจับไอ้พวกโจรพวกนั้นเองขอรับ ส, ส่งเจี้ยงให้ดีใจยิ่งนักซื่อจินจึง ร, ร, ระดมใพร่ผลของตนแล้วพร้อมด้วยจูวูเฉินต้าและหยางซุ่นสวมชุดเกราะกล่าวอำลาส้งเจี้ยงลงจากเขา หากันข้ามฟากที่หาดทรายทองเดินทับตรงไปยังเขามังตังพอไปได้สามวันก็เห็นเขาอยู่ลิบๆิบนเขาลูกนี้นี่เองที่พระเจ้าเกาจูจกกักรพรรดิพระองค์แรกแห่งราชวงศ์ั่นฆ่างูใหญ่อ้เขามางตังนะครับก็บางทีทราบรายละเอียดว่าหลิวปังนะครับไปฆ่างูใหญ่ที่เขาเขาหนึ่งนะครับ <g ülme> ก็ไม่ทราบว่ามันมีชื่อว่าเขาบางตังอยู่ในเขตตำบลเปื่ยเสียนจังหวัดสุโจนี่เองนะครับเอาอยังไงก็ไม่เคยไปอยู่ดีแล้วครับพี่น้องครับ <g ülme> เดี๋ยวมาฟังกันต่อนะครับพอทับยกมาประชิด ต, ตีนเขาแมวมองฝ่ายโจรเขาบางตังที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าเห็นเข้าก็รีบขึ้นไปรายงานซื่อจินกระจายกำลังคนทั้งสามทับจากเขาเส้าหัวออกตามตําราศึก อดีตผู้ใหญ่บ้านแห่งหมู่บ้านตะกุลซื่อแต่งกายด้วยชุดเกราะเต็มยศขี่อยู่บนอาชาสีแดงฉานปานท่านสุขควบขึ้นมาที่แถวหน้ากระชับ ด, ดาบสามแฉกสองคมอยู่ในมือคนหน้าอีกสามคนเยื้อไปทางด้านหลังคือจูบู่เฉินต้าและหยางซุนจูบู่ใช้กระบี่คู่หนึ่งขยับม้าขึ้นหน้าดึงบังเหียนม้าหยุดนายจรทั้งสี่จ้องมองออกไปเบื้องหน้าอยู่นานหลายอึดใจก็เห็นไพร่พลกลุ่มหนึ่งลากไหลลงมาจากยอดเขา นำโดยสองผู้กล้ารูปร่างกำยำสูงใหญ่คนแรกคือเสียนจงจากตำบลเปื่ยเสียนจังหวัดสุโจถือโล่กลมเน็บมีดบิน24ี่เล่มมือขวาถือหอกซั์ขัดธงเสียบหลังอ่านได้ใจความว่าเทพเนจาแปดกนบุรุษผู้กล้าคนที่สองก็คือลี่กุนก็มาจากตำบลเปื่ยเสียนเช่นกันมือซ้ายถือโล่กลมเน็บลูกดอก24ก่สิส่ลูกชุดมือขวาถือกระบี่เล่มหนึ่งเสียบทงขัดไว้ที่หลังอ่านได้ใจความว่า เทพเผินฟ้าพอทั้งสองเห็นซื่อจินจูวู่เฉินต้าและหยางซุนยืนม้าอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่พูดพามทําเพลงผมตามล่อเข้าใส่สมุนโจรร้องลงไปพากันตีคองรัวฉาบขึ้นดังระงมกําลังฝ่ายซื่อจินรั้งเอาไว้ไม่อยู่กองหลังเริ่มถอยพับหน้าหน่วยทะลวงฟันภายใต้บังคับบัชาของซื่อจินพยายามต้านไว้ฝ่ายกองกลางภายใต้บังคับัญชาของจูหวู่รวนเรร้องตะโกนพากันวิ่งหนีไปตั้งหลักไกลยี่สามสลี้ ซื่อจินเองก็เกือบต้องมีดบินส่วนหยางซุนก้มหลบช้าไปจึงถูกมีดบินเฉียวเอาได้รับบาดเจ็บส่วนม้าที่ขี่มาก็โดนเข้าอย่างจังหยางซุนต้องโดดม้าหนีซื่อจินนับจํานวนไพ่พลก็เห็นว่าหายไปครึ่งหนึ่งจึงหารือกับจูหูและค น, น, นอื่นๆขณะกําลังจะส่งคนไปขอความช่วยเหลือจากเขาเหลืองซานโจวนผู้หนึ่งก็เข้ามารายงาน แร่งอ้อนมีคนกับม้าสองพันเดินทับตามทางหลวงมาจากทิศเหนือฝุ่นฟุ้งตลบอยู่นั่นนะขอรับเซื้อจินกับคนอื่นๆยืนม้ามองออกไปไก็เห็นเป็นทงบึงเหลียนซานขี่ม้านำหน้าคือหัวหลงกับซูหนิงเซื้อจินรีบออกไปคารวะแล้วเล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งเรื่องที่เสียงจงกับนี่กุลโจมตีด้วยล้หมุนจนกาลังพลฝ่ายตนต้านเอาไว้ไม่ไหวหัวหลงเอ่อยว่า ท่านพี่ส่งเจียงเป็นห่วงพวกท่านเสียใจอยู่ว่าปล่อยให้พวกท่านมาจึงส่งเราสองคนตามมาช่วยซื้อจินยินดีนะักทั้งสองฝ่ายก็รวมกันแล้วลงค่ายพอรุ่งขึ้นขณะ ก, กำลังเตรียมระดมพลจะยกออกไปหาค่าศึกโจนผู้หนึ่งก็เข้ามารายงานว่าไอออนมีทัพไหมีกลุ่มหนึ่งจากทางเหนือใช้ทางหลวงตรงมาทางนี้เช่นกันขอรับ หัวหรงสู่หนิงกับซื่อจินขี่ม้าออกไปดูก็เห็นส่งเจียงนำทัพมาด้วยตนเองอีกสามพันคนซื่อจินก็เล่าให้ส่งเจียงฟังถึงฝีมือในการใช้มีดบินของเสียงจงกับลูกดอกของรี่กุนและลอบหมุนนั้นร้ายกาจเพียงใดและตนต้องเสียคนไปถึงครึ่งหนึ่งส่งเจียงได้ฟังก็ตกใจใหญู่หยงเอ่ยขึ้นว่าก่อนอื่นต้องขยันซก่อนแล้วค่อยยกกันไปให้สิ้น ส่งเจี้ยงให้เลือดร้อนใครจะระดมพลตรงไปยังตีนเขาแต่ตอนนั้นมืดเข้ามาแล้วมองเห็นโคมไฟสีน้ําเงินจากเขามังตังได้ชัดเจนก้องซุนเชิงก็เอ่ยขึ้นว่าในหมู่คนพวกนั้นคงมีใครสักคนรู้เวทมนต์โคมไฟสีน้ําเงินที่เราเห็นแสดงว่าคนบนนั้นสามารถไร้เวทมนต์ได้เราควรจะถอยออกไปเสียก่อนเราไว้พรุ่งนี้ข้าจะใช้อิทธิฤทธิ์ต้กลับเราเราคอยจับมันทั้งสองคน ส่งเจียงดีใจนะักสั่งไพรพลให้ถอยไปอีกยี่สิบลี้แล้วลงค่ายพอรุ่งเช้ากองซุนเฉิงก็ไา่เวทมนต์สัมแดงฤทธิเดชให้เห็นเป็นประจับผลก็คือเจ้าอสูรถูกบีบให้ยอมมอบตัวย้ายเขาสามโจรไพรก็สมักสีโรราบให้ทับเหรียญซานปอะแล้วตอนนั้นเต้าสือกองซุนใช้ไม้ไหนฟังบทถัดไปหากใครจะรู้ ช่วงเวลาแห่งวรรณกรรมจีนต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ชุดสองกล่งจากบทประพันธ์ของซื่อในอันแปลโดยอาจารย์จรัสชายเชี่ยวยุทธวันนี้เสนอถึงตอนที่หกสิบมีชื่อตอนว่ากงซุนเชงสยบเจ้าศูนย์แห่งเขาแมงตังเจ้าสวรรค์ต้องทนูที่หมู่บ้านเจิ้งโถส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกๆ ท, ท่าน รับฟังได้นะบัตรนี้ก้องซุนเชิงก็เอ่ยขึ้นว่าในหมู่คนพวกนั้นคงมีใครสักคนรู้เวทมนต์ขอมไฟสีน้นเงินที่เราเห็นแสดงว่าคนบนนั้นสามารถไร้เวทมนต์ได้เราควรจะถอยออกไปซสก่อนเราไว้พรุ่งนี้ข้าจะใช้อิทธิฤทธิ์ตอกกลับ เราเราคอยจับมันทั้งสองคนส่งเจี้ยนดีใจนะักสั่งไคร่พลให้ถอยไปอีกยี่สิบลี้แล้วลงค่ายเจ้าสือกองซุนเชงก็สัตยายิค่ายกลของตนให้ส่งเจี้ยนกับวูหยงฟังนี่เป็นหนึ่งในค่ายกลที่ท่านจูเก๋เหลืองใช้ในสมัยครั้งราชวงศ์ฮั่นล่มสลายบ้านเมืองแตกออกเป็นสามก๊ก ครั้งนั้นท่านเอาหินมาตั้งจัดวางเป็นกระบวนราแต่ตอนนี้เราจะแบ่งทัพออกเป็นสี่กองกองละแปดกลุ่มกลุ่มละแปดกองร้อยรวมทั้งสิ้นหกสิบสี่กองร้อยวางแม่ทัพใหญ่เอาไว้ตรงกลางดังนั้นหัวจะมีสี่หางจะมีแปดจะเคลื่อนใจไปไหนจะหมุนไปทิศใดก็ง่ายประนึ่งเมฆฝนลอยเรือเหนือพื้นดินอิสระดังนกเหินบินรุนแรงกระดุดโคถึก ชกกัดตวัดรัดว่องไวบ้านอสรพิษพอศัตรูลงเขามาเราก็จะแยกออกเป็นสองฝั่งล่อให้มันถลางเข้ามาพอเห็นธงเจ็ดดาวสะบัดขึ้นเป็นสัญญาณก็ให้โอบล้อมกระชับกันเข้ามาเสมือนหนึ่งองรัตเยื่อข้าจะไล่เวทมนต์ล่อไอ้พวกหัวหน้าโจนทั้งสามพัดเข้ามาในวงล้อมไม่ว่าพวกมันคิดจะบุกหน้าจะถอยหลังจะเคลื่อนไปซ้ายจะย้ายมาขวาล้วนทำไม่ได้ทั้งสิ้นก่อนหน้านั้น เราจะขุดหลุมพรางขนาดใหญ่แล้วไล่มันให้ตกลงไปเอาคนพร้อมตะขอไม้ไปซุ่มไว้จะได้ลากพวกมันขึ้นมามัดส่งเจียงให้ดีใจนักสั่งการแม่ทัพในกองไปตามนั้นโดยแบ่งทัพให้อยู่ใต้กำกับแปดแม่ทัพผู้ห้าสึกอันประกอบด้วยผู้เวียนโจจูถงหัวหลงสู้หนิงมู่หงสุนรีซื่อจินกับหวงสินให้ใช้จิ้นลู่ฟางและโกเชงคุมกองกลาง ตัวส่งเจียงเองรวมทั้งบูหยงและกองซุนเชงดูแลทั้งกองทัพให้เฉินต้าเป็นผู้ให้สัญญาณธงให้จูหูนําคนห้าคนขึ้นไปสังเกตการรบในที่สูงคอยรายงานความเป็นไปของสถานการณ์ทุกระยะพระตกสายกองทัพส่งเจียงก็เข้าประจําค่ายคนที่ตีนเขาโบกธงทิวย่ำคล้องกลองยั่วยุข้างฝ่เขามางตังกลองสักยี่สิใ บ, บก็โหมประคอมจนพื้นดินจะสะเทือนเลื่อนลัน ได้นจนทั้งสามขุมไพรพลลงจากเขากระจายกําลังพลทั้งสามพันออกฟานหลุยหัวหน้าใหญ่ขี่ม้านําหน้าขนานข้าด้วยเสียงจงแหล่นี่กุลทั้งซ้ายทั้งขวาพ่อมาถึงขอบสนามรบ ก, ก็ดึงม้าหยุดฟานหลุยผู้นี้รู้จักเวทมนต์แต่ไม่สู้ถนัดวรยุทธเต้าหญินเป้าดูทรงเจียงจัดแบ่งไพร่พลดออกเป็นสี่กองแปดกลุ่มตามอย่างค่ายกลนที่ว่าฟานหลุยคิดในใจว่าเขาเลยต้องให้แบบนั้นเลย กำลังใครอยากให้มันเป็นเช่นนั้นอยู่พอดีแล้วหันมาสั่งเสียงจงกับลี่กุนว่าพอเห็นลมพัดเอิงขึ้นให้พามือดาบสักห้าร้อยบุคเข้าไปเลยผู้ช่วยทั้งสองกําโล่หอกซั์กระบี่มีดบินและลูกดอกเอาไว้มั่นรอคอยให้ฟ้านหรุยลงมือ เจ้าอสูรวนแผ่นดินมือซ้ายถือตะลุมพุกมือขวาถือกระบี่เริ่มไร้เวทมนต์แล้วตะโกนว่าบังเกิดเป็นลมพายุพัดตึงขึ้นรอบด้านบวมเมฆเป่าฝุ่นหินดินทรายฟุ้งกระจายขึ้นจนมืดฟ้ามวดินเสียงจงกับลี่กุลตวัดนําหน้าผาดาห้าร้อยดาบพุ่งเข้าใส่แต่ชั่งพันนั้นฝ่ายทัพส่งเจียงก็แยกออกเป็นสองฝั่งปล่อยให้กองหน้าขับศึกบุกเข้ามา พอปล่อยให้หลุดเข้ามาได้หน่อยหนึ่งพลธนูจากสองฝ้าก็เริ่มสาต์ลูกเก่าทันออกมาสะกดมือดับทั้ง5้าร้อยเอาไว้ไไมีเพียงส0่สิบหสิบคนเท่านั้นที่รุกต่อไปได้ส่วนที่เหลือจำใจถอยกลับไปที่เก่าส่งเจี้ยงมองดูจากเนินเขา เห็นเสียงจงกับลี่กุนวิ่งอยู่กลางหมู่คนของตนหยิบมือนั้นจึงสั่งให้เฉินต้าบกธงเจ็ดาวทับซุ่มเชียงก็บีบเข้าหากันกระดุดงูรัดเยื่อเสียงจงกับลี่กุนวิ่งไปพลานไปทางตะวันตกวกมาทางตะวันออกแต่ก็ไม่มีรูไหนจะให้หนีทั้งนี้เพราะไม่ว่าจะไปทิศใดจูหู่ก็ประจำการอยู่บนยอดเขาใกล้ๆก็ใช้ธงสัญญาณไปทางนั้นเต่าสือกองซุนเชีงที่ยืนอยู่บนแง่ผาดึงกระบีตีเหรียญกิ่งสนขึ้นจากฝั ไร่เวทมนต์แล้วตะโกนไปว่าเอ้ยทันใดนั้นลมบ้าหมูลูกหนึ่งก็ควงสว่าไงไล้กวดเสียงปุ้นกับนี่กุ้นไปติดๆของฟ้ามืดมิดดวงตะ ว, วันก็สลัวลงสิน้นทั้งสองมองไม่เห็นทั้งคนทั้งมา้าระหนึ่งว่าถูกห้อมล้อมอยู่ในถุงหมอกดำมืด หันกลับไปก็ไม่เห็นมีใครตามมาทั้งสองตื่นตะนกมังงมัมมางอาหลาหาทางกลับเข้าทัพฝ่ายตนแต่ก็ไร้ผลฉับพันปรเกิดเสียงราวฉีกแพร่ตามด้วยเสียงอสนีบาทฟาดสนั่นสะเทือนเอลื่อนลันทั้งสองตกใจร้องออกไปด้วยเสียงอันสั่นขวัญแขวนสองตีนชี้ฟ้าร่วงหล่นลงไปในหลุมกับดักดดดคนบนปากหลุมก็ใช้ตะขอเหล็ก หลวงลงไปดึงขึ้นมาจับมัดแล้วลากเอาตัวไปอ้างรางวัลบนเขาลูกหนึ่งส่งเจียงเอาแส่ชี้ออกไปข้างหน้าทั้งสามทัพก็โหร้องบุกตะุยเข้าเข็นข่าทัพโจรฝ่ายเขามางตังไครพลของฝ้านรุยเปิดหนีขึ้นเขาพวกหนีไม่ทันก็ถูกฆ่าตายไปกว่าครึ่งส่งเจียงเรียกทัพกลับพอทั้งตัวกับบรรดาหัวหน้าพากันนั่งอยู่หน้ากระโจมไครพลก็คุมตัวเสียงจงกับลี่กุลลอดทงไม่ทัพใหญ่เข้ามา ส่งเจียงรีบสั่งให้เครื่องเครื่องพัฒนาการของทั้งสองออกส่วนตัวนั้นเดินเข้าไปหาในมือถือจอกสุราส่งเจียงเอ่ยขึ้นอย่างนอบน้อมว่าให้อภัยด้วยขอรับครั้งศึกอย่างนี้จะทําให้เป็นอย่างอื่นชันไหนได้อันว่าข้าน้อยส่งเจ็ดพู้ดตาต้อยรู้ซึ้งถึงชื่อเสียงของท่านขุนพลทั้งสองมานานแล้วหวังเพียงอย่างเดียวก็แต่ว่า คราวนี้จะมาเชิญพวกท่านขึ้นเขาไปจะลงคันร้องอันถูกต้องร่วมกับเราแต่ก็หาโอกาสเหมาะไม่มีหากพวกท่านไปดูเบาว่าเราต่ำใต้ตีนก็โรดขึ้นเขาไปกับเราเสียเดี๋ยวนี้เถิดภายภาคหน้าคงไม่มีอะไรจะทำให้ข้าน้อยได้ปลื้มใจมากไปกว่านี้อีกแล้วทั้งสองพอได้ฟังก็สุดตัวลงบนเขาเอาศีรษะโคพื้นแล้วเอ่ยขึ้นว่า พวกเราเองก็ได้ยินกิติศัพท์ฝนทั่วฟ้ามาแล้วเช่นเดียวกันเสียดายที่เราไม่มีโอกาสได้มากราบคารวะเช่นก่อนหนะ้าอันตัวพวกเรานั้นมืดบอดนักมองข้ามกิตจพวงกล้องฟ้าของท่านก็ทําการอันเป็นปฏิบัติต่อสวรรค์วันนี้ท่านจับเราได้โทษถึงประหารสักพันครั้งก็ยังไม่สาสมกระนั้นท่านก็ยังมีน้ําใจไว้ชีวิตพวกเราขอสาบานจะรับใช้ท่านอย่างจงรักภักดีไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ สำหรับพี่ใหญ่ฟ้านุยนั้นหากปราะศะจากเราทั้งสองก็คงไปไหนไม่รอดหากท่านหัวหน้าผู้ทรงธรรมปล่อยเราไปสักคนเราจะหว่านล้อมให้มาสวามิภักดิ์กับท่านเองเช่นนี้จะดีไหมขอรับท่งเจียงจึงเอ่ยขึ้นว่าเอาละไม่จำเป็นต้องเอาตัวใครไว้เป็นประกันดอกท่านทั้งสองเชิญกลับไปที่มั่นท่านตามใจเถิด ส่วนข้าจะรอฟังข่าวดีอยู่ทั้งนี้ทั้งสองจึงเอ่ยขึ้นว่าไม่ช่างเป็นคนดีมีความการุณาปรานีสูงส่งอะไรจะเพียงนี้หากพี่ฟันรวยไม่ตกลงเราจะช่วยกันจับมัดพามานอดทงท่านให้จงได้ส่งเจียมให้ดีใจนักเชิญคนทั้งสองเข้าไปในกระโจม บ, บัญชาการเลี้ยงดูปูเสือเอาเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนและมอบม้าผีเท้าดีให้ขี่สองตัว สั่งสมุนให้เอาโลกกับอาวุธอื่นๆมาคืนและให้สมุนโจนคนอื่นๆคุ้มกันลงไปส่งที่ตีนเขาสร้างความตื้นตันใจให้กับคนทั้งสองยิ่งนักพอทั้งสองไปถึงตีนเขามังตังฝ่ายโจนที่หนีรอดไปก็ให้ประหลาดใจนักรีบคุ้มกันทั้งสองไปหาฟ้านหรุยหัวหน้าใหญ่ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งสองบอกว่าพวกเราขัดเจตนาสวรรค์สมควรตายฟ้านรุยซักว่า เอาทำไมท่านทั้งสองจึงพูดเช่นนั้นเล่าฮะทั้งสองเล่าความให้ฟังว่าทรงเจียงมีคุณธรรมน้ํามิตรสูงส่งเพียงไรฟ้านุ้ยบอกว่าถ้าท่านทรงเจียงผู้นั้นน่ะ น, นะมีน้ำใจไม่ตรีและแกร่งกล้าถึงเพียงนี้ก็อย่าได้ฝืนละขิดฟ้ากันอยู่เลยพวกเราไปสวนม่พักกับท่านจะดีกว่าว้ามันง่ายจังว่ะเนี่ยใช่ใช่ใชแม่นึกว่าต้องใช้กําลังซะแล้ว ทั้งสองจึงว่าพวกเราทั้งสองก็ว่าจะมาเสนอท่านพี่เรื่องนี้อยู่พอดีเลยในคืนนั้นทั้งสามจัดแจงกิจการภายในค่ายให้เรียบร้อยรุ่งเช้าก็พากันลงมาเขาเต่าส่งเจี้ยนที่ค่ายส่งเจี้ยนเข้าไปฉุดพวกเขาขึ้นเชิญเข้าไปในกระโจมจัดที่ทางให้นั่ง เมื่อรู้ซึ้งถึงความไว้เนื้อเชื่อใจที่ส่งเจียงมีต่อพวกตนทั้งสามก็พูดจายอย่างเปิดเผยสนทนาพื้นเพ่ภูมิหลังกันเป็นเวลายาวนานแล้วทั้งสามก็เชิญสรงเจียงขึ้นไปบนเขามังตังล้มมาฆ่าวั ว, วเลี้ยงดูปูเสือส่งเจียงกับบดานานโจนคนอื่นๆเอาเงินบำเหน็จให้ทับทั้งสหลังงานเลี้ยงฟ้านหรุยก็ขอเป็นสิทธิ์กองซุนเชงทรงเจียงสั่งให้เต้าซื่อถ่ายทอดเวทมนต์ให้กับฟ้านรุยจนหมดสิน้น รวมทั้งมนเรียกอสศนีบาด ท, ทั้งห้าเต้าหินฟ้านรวยให้ดีใจนะักสองสามวันต่อมาก็มีการขนย้ายหมูเห็ดเป็ดไก่และบรรดาสัตว์เลี้ยงต่างๆขนเข้าของเงินทองแล ะ, สะเสบียงกลังเอาสมบัติส่วนตัวบนทุกม้าต่างลงมาจากเขาพอรวบรวมทั้งคนทั้งม้ามาจนหมดสิ้นแล้วพวกเขาก็เผาค่ายทิ้งทั้งหมดตามส่งเจี้ยงและบรรดาในโจรทั้งหลายกลับไปยังบึงเหลียงซาน ในระหว่างเดินทางไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นแตจงวิ่งขึ้นเขาไปราย ง, งานการมาถึงของขบวนทัพซ่องเจียงขณะที่พวกเขาพากันลุยข้ามน้ำตื้นที่จะขึ้นไปบนเขาเหลืองสานก็มีชายร่างใหญ่ผู้หนึ่งยืนคอยอยู่บนถนนข้างปากบพอเห็นส่งเจียงชายผู้นั้นก็รีบเขาเต่าซ่องเจียงหมวนตัวลงมาจากอ่านมา้าชุดบรุดคนนั้นขึ้นมาแล้วพูดขึ้นว่า ท่านมีนามว่ากะไรขอรับแล้วมาจากไหนกันนี่ข้ามีนามว่าอวนส่วนชื่อจริงว่าจริงจู้เป็นเพราะเส้นผมกับขนแดงไปทั้งตัวส่วนเขาก็ออกสีเหลืองจึงได้สมัยาว่าสุนัขขนทองทำไมต้องเป็นสุนัขวะเป็นลิงไม่ได้ไงเฮ้ยสมัยาแปลกๆลิงขนทองอย่างนี้จึงได้สมัยยาว่าสุนัขขนทอง มันกกระโอยู่จังหวัดโตโ จ, โจไอโจโจนี่มนอยู่ตรงไหนวะฮะเส่วนตัวข้าหาเลี้ยงชีพด้วยกันขโมยม้าอยู่ทางภาคเหนือในฤดูใบไม้ผลิปีนี้เองข้าไปขโมยม้าดีมาได้ตัวหนึ่งทางด้านเหนือของทิวเขาทวนมันสีปลอดขาวราวหิมะไม่มีสีคนอื่นแซมปอลแม้แต่เส้นเดียวความยาวตั้งแต่หัวจะรดหางวัดได้สิบเสีย่ยเสี่ยหนึ่งก็ประมาณนะครับ กเกือบหนึ่งฟุตนะฮะอาจจะยีสเจ็ดเซนประมาณนี้นะครับความยาวตั้งแต่หัวจะรถดหางวัดได้สิบเซียความสูงจากหัวไหล่ไหล่ลงไปถึงกีบวัดได้แปดเซียวันหนึ่งหนึ่งคงจะวิ่งได้ถึงพันลี้รู้จักกันดีทั่วหุบเขาทวนทั้งภาคเหนือว่าสิงโตหยกขาวพราวราตรีมันเคยเป็นของอ๋องแห่งตาต้าผู้หนึ่งตอนเขาผามันลงมากินหญ้าที่ตีนเขาทวน ข้าจึงถือโอกาสขโมยมาในวังยุทธภพนั้นชื่อเสียงฝนทั่วฟ้าโดองดังกึกก้องแต่ข้าไม่มีโอกาสได้มาคารวะท่านจึงคิดจะนํำมาตัวนี้มากราบคารวะแต่พอผ่านหมู่บ้านเจิง้งโถทั้งตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดหลิงโจมันก็ถูกนายน้อยคนที่ห้าของหมู่บ้านตะกูนเจิ้งยังเอาไปเฮ้ยข้าบอกเขาว่ามาตัวนั้นเป็นของท่านทรงเจียงแห่งเบืองเหลี่ยงซานแต่ไอ้สารแ ล, ลว้วผู้นั้นมันโอหังนะ ข้าจึงพูดอะไรไม่ออกรีบแผ่นนี้ออกไม้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ข้าจึงมาที่นี่เพื่อเรียนให้ทํานทราบครับเี่เสียใจมาส่งเจียงให้รู้สึกต้องชะตากับชายผู้ดูแกล้งกล้านผู้นี้แม้หน้าตาท่าทางจะดูพิกนแต่ก็เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่คนธรรมดาส่งเจียงเอ่ยขึ้นว่าเขาเถอะขึ้นไปบนเขากับข้าก่อนแล้วค่อยไปพูดเรื่องนี้กันที่นั่น ว่าแล้วก็รับต่วนขึ้นเรือตัวเองพาไปขึ้นฝั่งที่หาดทรายทองฝ่ายเจ้าสวรรค์เจ้าไก่และบรรดาในโจรคนอื่นๆก็พาบรรดาหัวหน้าที่ออกไปทำศึกกลับขึ้นไปยังหอธรรมายุทธภพส่งเจียงแนะนำฟานหรุย่ยเสียงจงกับลี่กุลให้บรรดาในโจรได้รู้จักต่วนกับในโจรแห่งเขามังตังทั้งสามก็คานับทักทายด้วยนอบนอบ สิงกลองร้องหาความสนใจให้อึกระทึกเสือก็สาดปูลาดออกไปเพื่อการเฉลิมฉลองครานั้นผู้คนหลากหลายขึ้นมาสมทบบนป้อมค่ายผู้กล้ามากมายไหลบ่าราวพายุดังนั้นส่งเจียงจึงบัญชาให้ลี่หยุนกับเต้าจงวางดูแลกำกับการสร้างหมู่ตึกที่อยู่อาศัยเพิ่มขยายค่ายออกไปอีกทั้ง4ี่ทิศ ตอนนั้นต่วนก็เอ่ยถึงคุณสมบัติม้าตัวนั้นอีกครั้งส่งเจียงส่งใต้จงเทพท่องทางเดินทางลงไปสืบข่าวที่หมู่บ้านเจิ้งโถ ổ. ผ่านไปสี่ห้าวันใต้ก็กลับใต้จงเล่าให้บรรดานายโจรฟังว่าท่องโถ ổ, มีบ้านเรือนจำนวนกว่า3 0 0พันหลังคาเรือนรู้จักกันในนามป้อมไข่ตะกูลเจิง้งหัวนหน้าป้อมคือผู้อาวุโสสยเจิง้งผู้อาวุโสเจิง้งเทือนเขาเหล่ากอซื้อตอมาแต่แผ่นดินตาตา เขามีบุตรชายห้าคนสมัยาว่าห้าเสือตระกูลเจิง้งหากเรียงตามลำดับอายุก็ชื่อตู้มีโซกุยและเชงมีอาจารย์สอนวรยุชื่อชื่อเวินกงมีผู้ช่วยชื่อสู่ติง่งใครพ้นที่ป้องกันหมู่บ้านนี้ก็มีกำลังราวหกเจ็ดพันคนป้อมค่ายนี้แต่งด้วยรั้วรเนียดพวกมันตอเกเียนติดกรงไว้ห้าสิบเล่มโอ้ว่า มันจะไม่ขออยู่ร่วมโลกกับเราพวกมันจะจับหัวหน้าของเราซึ่งถือเป็นศัตรูให้หมดส่วนสิงโตยกที่วิ่งในวัลพันลีผู้ขี่ตอนนี้คือครูทวนชื่อเ ว, วิรนกงที่น่าเจ็บใจยิ่งกว่าก็คือไอ้คนบัดซบผู้นั้นแต่งล้ำน้ำแล้วสอนเด็กๆในหมู่บ้านให้ร้องตามความว่ายามเราเขย่ากระพัวมา้าทั้งเทพทั้งมาร ล, ลนลานลีหาย ตอนเหล็กย่อมดานกรงเหล็กคือเหล็กย่อมหมายใส่คอโจรเราจะกวาดบึงเหลียมสาให้เกลี้ยงมาล้างไอ้ส่งเจี้ยงฝนทั่วฟ้าอีกทั้งไอ้ที่ปรึกษาบูยงจับเจ้าไก่มัดไปเมืองหลวงห้าเสือตรกูลเจงิงโดดเด่นเป็นสง่าเกราะเ ก, ยกพพียร์แผ่ผืนฟ้ากึกก้องทั่วแหล่งล่าปตัตภีเจ้าไก่ได้ฟังก็โมโหใหญ่ แล้วร้องว่าเพตุชนไหนไอ้เดร์ชานพวกนั้นมันจึงได้ไร่มารยาทสิ้นดีข้าจะลงไปด้วยตนเองหากจับไอ้ถอยพวกนั้นไม่ได้ก็จะไม่ขอกลับมาเหยียบที่นี่อีกเฮ้ยซองเจี้ยนกล่าวว่าพี่ใหญ่ท่านเป็นใหญ่ในป้อมค่ายเราไม่ควรกระทำเรื่องง่ายๆพันนี้ให้ข้าไปแทนเถิดขอรับเจ้าไก่ตอบว่า ใช่ว่าข้าอยากจะขโมยชื่อเสียงของท่านก็หาไม่แต่ท่านนะนะร้องเขาไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งท่านคงจะเบื่อหน่ายการนั่งบนหลังมา้ารบทับจับศึกสียเต็มกระดาคราวนี้พลัดให้ข้าไปบ้างจะดีกว่าไว้ครา ว, นะวาหน้าคงเป็นหน้าที่ของท่านก็แล้วกันถึงส่องเจียงจะอ้อนวอนยังไงยังไงก็หาเป็นผลไม้เจ้าไก่ยังเดือดดานอยู่เลือกใพร่ผลไปด้วยห้าพันในโจรอีกยี่สิบ ส่วนที่เหลือให้อยู่เฝ้า่ข่กับซ่งเจียงเจ้าไก่แบ่งกำลังออกเป็นสามกลุ่มเคลื่อนพลลงจากเขาพร้อมญาตราไปยังหมู่บ้านเจิ้งถูซ่งเจียงบูหยงกงซุนเชงพากันไปส่งทัพอ อ, อกศึกถึงชายน้ำหาดสายทองขณะกำลังดื่มอำลากันอยู่นั้นลมก็ก่อโชคคันธงแทนตัวเจ้าไก่หักสะบ้านลงทุกคนหน้าถอดสีซีดเผือดกันไปสิน้น ผูหยงอุทานว่าอ้อนี่มันรางหลายชักชัดท่านพี่เลื่อนเดินทัพไปวันอื่นเสถะนซ่งเจียงพูดขึ้นว่าพี่ใหญ่ล้มหักทันทงท่านพอดีกับที่กำลังจะออกเดินทางถ้าเช่นนี้คงไม่เป็นผลดีต่อการรบนะขอรับรออีกสักหน่อยค่อยไปจัดการกับไอ้คนชั้นต่ำพวกนั้นยังไม่เวลาอีกถมถือไปเจ้าไก่ตอบว่าเ้ย เพียงแค่การเคลื่อนที่ของลมของฝนจะมีเหตุอันใดให้ต้องเป็นกังวลไปด้วยเราตอนนี้เวลากำลังเหมาะเพราะอาศัยไออุ่นแดูใบไม้ผลิขืนชักช้าปล่อยให้มันไปหาคนมาเพิ่มจู่จมตอนนั้นก็จะสายจงอย่าพยายามทัดทานพี่เอาไว้เลยถึงอย่างไรก็ต้องไปอยู่ดีนั่นแหละเฮ้ยเชื่ออะไรหมอดูคู่กับหมอดาวพวกแกนี่เว้ยฮงเจียงไม่อาจน้มน้าวใดใดได้ไดไดได เจ้าไก่ก็พาคนของตนข้ามน้ำส่งเจียงก็กลับขึ้นเขาไปได้วยความอาดูลได้แต่ส่งใต้จงลงไปติดตามข่าวคราวเจ้าไก่พร้อมไพร่พลทั้งห้าพันกับทหารเอกอีก2ี่สิบก็เข้าประชิดหมู่บ้านเจิง้งโถวแล้วลงหลักปักระเนียตตั้งยันเอาไว้พอรุ่งเช้าก็พาบรรดาหัวหน้าโจรเข้าไปดูใกล้ๆ เห็นได้ชัดว่าหมู่บ้านแห่งนั้นมีการป้องกันอย่างกล้าแข็ง<อ>ทันใดนั้นชายจั ก, กัน ร, ราวเจ็8ร้อยแปดร้อยคน<อ>ก็โผล่ออกมาจากราวป่าใกล้ๆนำหน้าโดยเจ้างถุยนำหน้าโดยเจ้างุยบุตรชายผู้กล้าแห่งตระกูลคนที่สี่พอมาถึงก็ตะโกนขึ้นว่าเฮ้ย ไ, ไอ้พวกจอหเหลียงซานปะมึงทุกคนล้วนเป็นกบฏ กูตั้งใจจะเอาพวกมึงไปขึ้นเงินกับทางการอยู่พอดีไม่คิดไม่ฝันเลยว่าสวรรค์จะประทานพวกมึงมาจนถึงกับมือกูที่นี่ลงม้ามาให้จัดนี่ด้วยดีรออะไรอยู่วะเฮ้อเจ้าไก่ได้ฟังก็โกรธพ่อผินหน้ามาก็เห็นในโจรฝ่ายตนผู้หนึ่งขยับม้าสวนออกไปรบกับเจ้างุยคนผู้นั้นคือลินชงผู้กล้าแห่งเขาลินซานผู้นั้นนั่นเองสองม้าป ร, ระกบ สองนักรบก็ใส่กันไปกว่ายี่สิบเพลงศึกไม่มีใครได้เปรียบใครแต่ถ้าว่าอุ้ยรู้ตัวดีว่าสู้ฝีมือคู่ต่อสู้ไม่ได้ก็หันม้าถึงหอดควบหมีเข้าป่าเหลิวผีนั้นไปลิ้นชงดึงม้าไม่ยอมไล่ตามเจ้าไก่ก็พาไพร่พลกลับค่ายมานั่งหารือกันเรื่องแผนการยุทธลิ้นชงเสนอขึ้นว่าพรุ่งนี้เช้าเราออกไปร้องท้าทาศึกกับมันอีกทียังดูว่า พวกมันมีกำลังมากน้อยแค่ไหนแล้วค่อยว่ากันต่อรุ่งเช้าเจ้าไก่ก็เดินทับทั้งห้าพันไปยังทุ่งโล่งตรงทางเข้าหมู่บ้านเพราะจัดกระบวนรบเสร็จก็ให้ตีม้าลออทำเสียงอึกทึกขึ้นเสียงปืนใหญ่ดังรัดมาจากในหมู่บ้านแล้วคนขี่ม้ามูใหญ่ก็โผล่ออกมานำโดยเจ็ดผู้กล้าเรียงหน้ากระดานกันมาเป็นแถวตรงกลางคือครูทวนชื่อเหวนกง ด้านซ้ายคือสูติ่งผู้ช่วยเบื้องขวามือเป็นเจ้างตู้บุตรชายคนโตถัดไปทางซ้ายอีกสองคนคือเจ้างมีกับเจ้างุยส่วนอีกสองคนทางขวาคือเจ้งเชงกับเจ้งโซทั้งหมดอยู่ในชุดเกราะตั้งแต่หัวจรดเท้าครูทวนซื่อนั่งอยู่บนหลังสิงโตโยกพันลิมือหนึ่งเทียบลูกเกาทันกำไว้กับคันธนูอีกมือหนึ่งถือเงาวงเดือนเป็นอาวุธ เสียงปืนใหญ่ดังลัตมาจากในหมู่บ้านแล้วคนขี่ม้ามูใหญ่ก็โผล่ออกมานำโดยเจ็ดผู้กล้าเรียงหน้ากระดานกันมาเป็นแถวตรงกลางคือครูทวนชื่อเบุนกงด้านซ้ายคือสูรติ่งผู้ช่วยเบื้องขวามือเป็นเจิ้งตู้บุตรชายคนโตถัดไปทางซ้ายอีกสองคนคือเจิ้งมีกับเจิ้งกุยส่วนอีกสองคนทางขวาคือเจิ้งเชิงกับเจิ้งโศทั้งหมดอยู่ในชุดเกราะตั้งแต่หัวจรดเท้า ครูทวนซื้อนั่งอยู่บนหลังสิงโตโยกพันล้มือหนึ่งเทียบลูกเกาทันกำไว้กับคันธนูอีกมือหนึ่งถือเงาวงเดือนเป็นอาวุธหลังรัวกรองขึ้นสามครั้งเกวียนติดกรงขังหลายเล่มก็ถูกสสยจากในหมู่บ้านตะกูลเจิง้งออกมาตั้งแสดงเอาไว้แถวหน้า เจิ้งตู้ก็ชี้ไปที่ข้าศึกพรางตะโกนขึ้นว่าไอ้พวกกบฏเห็นเวนเหล่านี้บ้างไหมหากข่าทุกมึงง่ายๆพวกขูก็ไม่ใช่คนจริงพวกขูจะจับพวกมึงเป็นๆทุกๆคนเอาใส่กรงเข้าไปรับสินบนที่มึงหลวงตะ ว, วันออกเพื่อจะได้บอกกับทุกคนว่าห่าเสือตะกุนเจิ้งนี่ละ ว, ว่าเฮ้ยแ ข, แข็งแข่งแค่ไหน รีบคุกเข่าสืบแต่โดยดีเมื่อยังไม่โอกาสาหาไม้แล้วก็จะได้เห็นดีกันเจ้าไก่กโกรธนักลู่หอกราบควกม้าเขาใส่เจิ้งตู้ยังผลให้หัวหน้าโจนคนอื่นๆต้องรีบบุกตามไปให้ความคุ้มกันทั้งสองทัพซับประยุทธ์กันเป็นที่สามารถกองทัพฝ่ายตะกวนเจิ้งค่อยๆถอยเข้าไปทางหมู่บ้าน เพื่อคุ้มกันให้เจ้าไก่ลิ้นชงกับผู้เวียนโจต้องตะลลยฆ่าไปทั้งออกทั้งตกแต่ลิ้นชงก็เห็นแล้วว่าการนั้นคับขันนักจึงรีบถอยกลับออกมารวบรวมผู้คนสองฝ่ายบาดเจ็บล้มตายกันเป็นเบือเจ้าไก่ก็กลับเข้าค่ายด้วยความหดหู่บรรดาในโจนคนอื่นๆปลอบว่าเฮ้ยอย่าไปใส่ใจเลยพี่ใหญ่ กังวลใจมีแต่จะทำลายสุขภาพพี่ท่งเจียนเองก็เคยเพี้ยงพรํา ม, มาแล้วกว่อนหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ได้ใช้ชนะในวันนี้การรบค่อนข้างสับสนผู้คนทั้งสองฝ่ายก็ล้มตายกันไปจำนวนมากแต่ใช่ว่าเราจะแพ้หรือก็หามให้อย่ารู้สึกเครียดไปเลยขอรับเจ้าไก่ตอบไปว่าไม่มีอันใดดอกข้าเพียงอารมณ์ไม่ดีเท่านั้นเอง เจ้าไก่ก็อยู่แต่ในค่ายไปอีกสามวันแม้ในแต่ละวันทัพฝ่ายโจนเหลืยงซานจะออกไปทารบอยู่ทุกวันแต่ไม่มีผู้ใดในหมู่บ้านเจิง้งโถออกมาต่อตีด้วยพอล่วงเข้าวันที่สี่หลวงจีนสองรูปก็มาขอพบเจ้าไก่สมุนโจรคุ้มกันพระทั้งสองเข้ามาเจ้าไก่ออกไปต้อนรับนอกกระโจมทั้งสองคุกเข่าแล้วโคกศีรษะให้แล้วพูดขึ้นว่า พวกอาตมาทั้งสองเป็นหลวงจีนผู้รักษากรรมปันเงินของวัดฝาหัวทางตะวันออกของเจิ้งโถพวกห้าเสือมันมาคอยรังควานเรียกร้องเข้าของเงินทองจากวัดอยู่ไม่ได้ขาดไม่มีอะไรที่พวกมันไม่ทำพวกเรารู้แจ้งแทงตลอดเส้นสนกันในรายละเอียดทั้งหลายทั้งสิ้นของพวกมันเรายินดีจะบอกทางเข้าไปยึดข่หากท่านทาลายมันลงได้ก็จะเป็นบุญกุศลแก่พวกเราทั้งหลาย ชาไก่ให้ยินดียิ่งนักนีม่มนหลงจีนทั้งสองนั่งแล้วเอาสุราออกมาบริการลิ้นชงเตือนว่าอย่าไปเชื่อหลงจีนทั้งสองนี่เลยขอรับท่านพี่รู้ได้อย่างไรว่ามันไม่ใช่คนอุภายฮะหลงจีนทั้งสองก็แก้ว่าพวกเราสละแล้วซึ่งโลกียวิสัยเราไม่กล้าพดดอกพวกเราทราบดีถึงการถือสินคองธรรมของพวกคนบนเขาเหลยงซานมานานแล้วว่า ไม่ว่าจะไปที่ไหนพวกท่านไม่เคยทำอันตรายแก่สามัญชนคนธรรมดาเรามาที่นี่เพื่อขอสิโรราบชั้นไหนจะหารกล้าหลอกหัวหน้าอย่างพวกท่านได้แล้วอีกประการหนึ่ง น, นะทัพของตระกูลเจิงก็ไม่อาจเอาใช้เหนือกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของพวกท่านได้อยู่แล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ชั้นไหนยัยต้องมาราแวงกันด้วยเราเฮ้ย <c oughs> มาเรื่องแล้วสิฮะจะออกไปได้แบบปลอดภัยไหมเนี่ยฮะเราสองคนเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เจ้าไก่ตัดบทว่าน้องๆไม่ควรสงสัยในตัวพระคุณท่านเราจะพากันพลาดโอกาสทองไปเสียเปล่าๆปรี่คืนนี้ข้าจะออกไปดูด้วยตัวเองลิ้นชงวิงบ่อนว่าพี่ใหญ่อย่าไปเลยขอรับถ้าจะไปจริงๆให้ข้าเอาคนกึง่หนึ่งไต้หักเข้าหมู่บ้านส่วนพี่ท่านรอคอยอยู่ข้างหลังพร้อมกาลังเสริมจะดีกว่าเจ้าไก่จึงแย้งขึ้นว่าออข้อไม่ไปด้วยตนเอง มีหรือที่ไพรพลฝ่ายเราจะมีแก่ใจในการรบท่านรอยอยู่ข้างนอกกับกำลังเสริมอีกเครื่งหนึ่งดีกว่าลิ้นชงจึงถามว่าแล้วท่านพี่จะเอาใครไปด้วยหรือขอรับเจ้าไก่ตอบว่าเอาหัวหน้าไปสักสิบกับไพรพลสักสองพันห้ารอยคนเย็นวันนั้นทุกคนกินมื้อเย็นปลดกระพวนออกจากบางเหียนมาไพรพลทั้งหลายก็พากันกัดแท่งไม้เพื่อการเข้าตีในเวลากลางคืน กัดทำไมวะแท่งไม้ฮะมันจะเกี่ยวอะไรกับการตีข้าศึก <c oughs> ทั้งหมดตามหลวงจีนทั้งสองลัดเลาะไปยังวัดฟ้าหัวอย่างเงียบๆตัววัดนั้นเก่าแก่โบราณนะักเจ้าไก่ลงม้าเดินเข้าไปข้างในแต่กลับไม่พบผู้ใดอยู่เลยไม่แต่ผู้เดียวเจ้าไก่จึงถามหลวงจีนขึ้นว่า <c oughs> โอ้โหหลวงพ่อ วัดออกให่โตขนาดนี้ฉันไหนไม่มีใครอยู่เลยสักคนลุงจีนตอบว่าเออไอ้พวกนิรฉานตระกูลเจ้ามันรังควานจนกระทั่งพระเนรสนใหญ่พากันศึกออกไปครองเรือนกันเกือบหมดเหลืออยู่เพียงท่านเจออ้าอวาดกับเด็กอีกสองสามคนท่านจำวัดอยู่ในสนามข้างเจดีย์สูงรูปนั้นพระสกรอยอยู่ที่นี่ก่อนอีกไม่ช้าพวกอตมาจะพาท่านเข้าไปในค่ายระเนียรของไอ้พวกถอยนั่นเจ้าไก่ถามว่า แล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะขอรับลุงจีนตอบว่าพวกมันตั้งค่ายระเนียดเอาไว้ทั้งสีทิศพวกพี่น้องตะกวลเจิงอยู่ค่ายทางทิศเหนือเพื่อว่าหากท่านยึดได้ค่ายหนึ่งอีกสามค่ายก็ยังปลอดภัยพร้อมจะถอยได้ทุกเมื่อเจ้าไก่ถามว่าแล้วเราจะไปกันเมื่อไหร่ลุงจีนตอบว่าตอนนี้พึ่งจะยามสองเท่านั้นรอใหถึงยามสามเห็นทีจะเหมาะกว่า จะได้จู่โจมไม่ให้พวกมันได้ทันตั้งตัวไงพวกเขาได้ยินเสียงยามตีกลองบอกเวลาแววมาจากเจิ้งโถ ổ. สักพักก็มีเสียงกลองบอกเวลาเครื่องช่วยยามดังมาอีกแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรอีกเลยหลุงจีนทั้งสองเอ่ยขึ้นว่าพวกทหารมันท่าจะหลับหมดแล้วพวกเราไปกันได้แล้ว ทั้งสองก็นำทางเจ้าไก่กับบรรดาหัวหน้าขี่มา้ายกไพร่พลออกจากวัดตามมายังไม่ทันถึงห้าลีด้ดีหลวงจีนทั้งสองก็หายไปในความมืดเอาแล้วไงกองหน้าไม่กล้าไปต่อหนทางทั้งคดเคี้ยวและวกวนมองไปไม่เห็นบ้านคนเลยแม้สักหลังกองหน้าตกใจรีบรายงานเจ้าไก่อูเวินโจรีบสั่งถอยพอหันกลับไปได้สักร้อยเก้าก็ได้ยินเสียงคล้องกรองดังระ ง, งมอยู่รอบด้าน ตามมาด้วยเสียงกูตะหวาดดังชัดเต็มแก้วหูพบไฟก็สว่างโร่ชูขึ้นทุกคนทุกแห่งเจ้าไก่กำลังโจนทั้งสิบเร่งให้ไพร่พลล่าถอยพออ้อมไปตามถนนได้ทักสองเลี้ยวก็ปะทะเข้ากับทหารข้าศึกที่สัตว์เกาทันมาอย่างหนักแน่นธนูดอกหนึ่งปักเข้าที่แก้มเจ้าไก่ตกจากหลังนั้ อู๋เหวียนโจกับเยียนซุนควบมา้าหนีออกไปจนสุดฝีเท้ามา้าลิวถามก็บป่ายเชงคอยอยู่หลังก็อุ้มเจ้าไก่ขึ้นมารถฝ่าพาม้าเจ้าไก่วิ่งออกจากหมู่บ้านไปที่ปากทางเข้าหมู่บ้านหลิ้นชงก็โถมเข้าใส่พร้อมด้วยกองหนุนพวกเขาจึงสามารถส ก, กัดทับฆ่าศึกเอาไว้ได้ความโกลหนยังดาเนินต่อไปจนกระทั่งรุ่งเช้าทั้งสองฝ่ายก็ถอนทับกลับไปยังค่ายของตน ลิ้นช่องนับจำนวนทหารสามพี่น้องตระกูลหยวนรงวานกับตู้เฉียนหนีข้ามน้ำมาได้ส่วนไพร่ผลที่ไปกับเจ้าไก่ทั้ง 2,500 คนตามโอเปงรอดตายกลับมาค่ายได้เพียงพัน0 1 3 0 0พคนเท่านั้นบรรดาในจนทั้งหลายรีบมาเฝ้าอาการเจ้าไก่ลูกธนูดอกนั้นปักเข้าที่แก้มพวกเขาช่วยกันถอนลูกธนูออกเลือดสดๆก็ทลักตามเจ้าไก่ร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดจนสลบไป บนธนูดอกนั้นพระชื่อครูทวนชื่อเหวียนกงเอาไว้ลิ้นชงสั่งให้ปรุงเกาะเอีะมาประคบบาดแผลต้องของมีคมแต่ทว่าเจ้าไก่ต้องเขาทานอาบยาพิษพิษนั้นก็กำเริบจนพูดอะไรไม่ได้หลินชงก็สั่งให้เอาเจ้าไก่ใส่เกวียนให้สามพี่น้องตระกูลหยวนและตู้เฉียนพร้อมด้วยทรงวานคุ้มกันขบวนเกวียนของในายใหญ่กลับไปเหลียงซานเปาะบรรดาในโจรทั้งสิบห้าที่เหลือก็นั่งหารือกันในค่าย ในโจนพากันจดจันขึ้นว่าเฮยใครจะไปคิดว่าพอท่านพี่เจ้าสวรรค์เจ้าไก่ลงมาจะมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นลมกระโชกคันธงจนหักสบกะบันลางร้ายก็มาบรรจบตรงนี้นี่เองพวกเราควรถอนทับกลับค่ายของเราก่อนหมู่บ้านเจ้างถัวยังร้อนท่าไม่หนีไปไหนพวกเราไม่ต้องร้อนไปดอกผู่หวนโจคานขึ้นว่าก่อนจะตัดสินใจถอนทัพ เราควรรอฟังคำสั่งพี่ทรงเจียงบรรดาหัวหน้าโจรพากันสลดหดหูไม่มีผู้ใดคิดจะรบใครแต่จะกลับป้อมค่ายคืนนั้นตลอดทั้งยามห้าขณะท้องฟ้าค่อยๆสางสว่างขึ้นรำไรรำไรในโจรทั้งสิบห้ายังคงนั่งเศร้าซร้อยก็จริงดังคนเขาว่านกไม่มีปีกก็บินไม่ได้หมูไม่มีหัวก็ไปไม่เป็นบรรดาในโจรเฝ้าถอนใจด้วยไม่มั่นใจรุกหรือรับอย่างไหนจะสาเร็จ ท่านใด น, นั้นสมุนโจรมูหนึ่งที่ถูกใช้ให้ไปคุมถนนก็กลับเข้ามารายงานว่ารางอนทัพข้าศึกห้าขาบวนกำลังบ่ายหน้ามาทางนี้ขอรับคบไฟสว่างจ้าด้วยให้ละหลานตาไปหมดลิ้นชงรีบขึ้นมาแสงจากครบที่คนเหล่านั้นถือมาอาบไล่เขาทั้งสามด้านสว่างสวัยดุดกลางวันข้าศึกกูรร้องรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วบรรดาในโจรไม่มีผู้ใดคิดต้าน รีบรื้อ่ายถอนตัวออกมาตามคำบัญชาของเหลิงชงทัพฝ่ายตระกูลเจ้งได้ตามมาอย่างร้อนรนกว่าจะหลุดพ้นออกมาได้ทัพฝ่ายโจนต้องสู้พลางถอยพลางไปไกลถึงหกสิลี้พอนับจํานวนคนก็เห็นว่าหายไปกว่าเจ็ร้อยนับว่าย่อยยับอย่างหนักจึงพากันเคลื่อนกระบวนบหน้าไปทางเขาเหลี่ยงซานพอถึงครึ่งทางก็พบใต้จงผู้ทรงผ่านคําสั่งลงมาว่าให้ถอนทัพกลับไปบึงเหลี่ยงซานเพื่อกําหนดแผนการกันใหม่ บัญดาในโจรรียบร้อนน้อมรับคำสั่งพอไปถึงก็รุดไปดูอาการเจ้าไก่ยามนั้นเจ้าสวรรค์อาการซุดหนักไม่อาจดื่มกินได้บวมไปทั้งตัวส่งเจียงนั่งร่ําให้อยู่ข้างเตียงลงมือพ่อกอเอะและป้อนยาเจ้าไก่ด้วยตัวเองบัรดาในโจรทั้งหลายเฝ้ายามอยู่นอกกระโจมไปทั้งคืนพอถึงวันที่สามเวลายามสามตัวเจ้าไก่เหมือนมีอะไรหนักๆมากดทับ ได้แต่ผิดหน้าไปทางท่งเจียงเจ้าไก่เอยขึ้นว่ารักชาเนื้อรักชาตัวเอาไว้ให้ดีน้องพี่อภัยในสิ่งที่พี่จะพูดนี้ด้วยเถิดจงให้สิทธิ์ขาดของในายใหญ่แก่ผู้ที่ได้จับไอ้มือธนูนี้ได้เจ้าไก่ไปแล้วนะเอออ หลอกก่พอพูดขาดคำตาก็ปิดเจ้าไก่ก็ขาดใจตายไปในบัดนั้นสำหรับทรงเจียงเสียเจ้าไก่เปรียบเสมือนเสียผู้หลักผู้ใหญ่เสียพ่อแม่ร่ำไห้อยู่จนกระทั่งเป็นลมล้มพับปันดาในโจรช่วยกันอุ้มทรงเจียงออกจากกระโจมแล้ววิงวอนให้ขึ้นดูแลกิจการในป้อมค่าย ปูหยงกับกองซุนเชงเตือนขึ้นว่าเอ้ยอย่าเศร้าโศกไปเลยพี่ใหญ่เกิดกับตายล้วนเป็นจุดหมายของมนุษย์ใหญ่จึงได้จริงจังนักยังมีเรื่องสำคัญอื่นๆรอให้พี่ตัดสินใจอยู่นะขอรับส่งเจียงค่อยๆหยุดร้องสั่งให้เอาน้ำอบน้ำหอมมาอาบศพสวมเสื้อผ้ากับหมวกแล้วนำไปตั้งไว้ในหอทำมายุธภ พ, พเพื่อให้ทุกคนได้มาเคารพศพ บรรดาในโจรพากันทําพิธีเส้นไหว้มีการจัดทําลงศพทั้งชั้นนอกชั้นในพอเลิกหามยามดีก็นํามาตั้งไว้ในห อ, อกลางขึงผ้าใหมเป็นม่านเอาป้ายวิ ญ, ญญาณไปตั้งไว้หน้าศพเขียนข้อความว่าป้ายอนุสรสักการะแ ด, ด่ท่านเจ้าสวรรค์เจ้าไก่หัวหน้าใหญ่แห่งบึงเหลียงซาบนบรรดาในโจรทั้งสิ้นตั้งแต่ส่งเจี้ยงไล่ลงมาพากันแต่งกายไว้ทุกในชุดขาว บรรดาในกองระดับล่างกับไพร่ผลก็พกผ้าขาวธนูสังหารดอกนั้นถูกหกักเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นที่จะชำระแค้นก่อนจะนำไปวางไว้บนโต๊ะบูชาหน้าศพมีการขึงผ้าขาวกันรปรำพิธีที่ไว้ศพล้วงจีนจับวัดใกล้ๆได้รับนิมนต์ให้มาสวดแผ่ส่วนกุศลแด่ผู้บัายชนส่งเจียงนำบรรดาในโจรเส้นไหวอยู่ทุกวันไม่ได้ขาดหามีแก่ใจดูแลกิจการในป้้มข่ายอย่างเคยไม่ ลิ้นชงกงซุนเชงและบูหยงรวบรวมบรรดาในโจนทั้งหลายขึ้นหารือกันก็ตกลงจะยกส่งเจียงขึ้นเป็นหัวหน้าให้คอยบังคับบัญชาว่ากล่าวในกิจการทั้งปวงพอรุ่งเช้าหลินชงกับนายโจนคนอื่นๆก็นำดอกไม้ทุกเทียนไปเชิญส่งเจียงผู้ พ, พิทักธรรมเข้าไปนั่งเป็นใหญ่ในหอธรรมมายยุทธภพลิ้นชงเอ่ยขึ้นว่าผู้ใหญ่ที่เคารพจงฟังที่ข้าจะกล่าวอันธรรมดา แผ่นดินนั้นหากไร้ซึ่งองค์อธิปัตย์ย่อมปกครองกันไม่ได้ส่วนครัวเรือนไซถ้าไร้ซึ่งนายบ้านถึงประกอบกิจการงานได้ก็ไม่เจริญรุ่งเรืองอันพี่เจ้าไก่หัวหน้าใหญ่แห่งป้อมค่ายบนเขาของพวกเรานั้นได้จากไปสวรรค์เส้นแล้วขาดผู้ใดจะตัดสินใจส่วนท่านพี่นั้นชื่อเสียงเกรื่อยไกลไปทั่วแผ่นดินพวกเราจึงคิดจะเลือกรลิกยามเรียนเชิญท่านพี่ขึ้นเป็นใหญ่ว่ากล่าวกิจการทั้งหลายทั้งปวง ท่งเจียงต่อไปว่าพวกท่านจำกันไม่ได้หรือไรคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายของท่านพี่เจ้าไก่ที่ว่าให้ใครก็ตามที่จับไอ้คนสังหารจะได้เป็นหัวหน้าใหญ่บึงเหลียญซันพวกท่านทุกคนก็รู้เห็นกันสิ้นจะได้หลงลืมไปเลยส่วนตัวข้านั้นยังไม่ทันได้ถอนแขนชำระนี่ให้พี่ใหญ่ฉันไหนจะไปกล้ารับผูบ้ยองรับว่าท่านพี่ท่านเจ้าไก่ กล่าวไว้เช่นนั้นก็จริงอยู่ขอรับแต่เรายังจับตัวคนผิดมาไม่ได้ส่วนป้อมค่ายไม่มีหัวหน้าก็อยู่กันไม่ไหวหากท่านไม่ทำแล้วใครหน้าไหนจะกล้ารับแล้วผูดใดใครเล่าจะนำทับทั้งหลายของเราคำสั่งเสียของผู้ใหญ่ก็เป็นดังที่ท่านกล่าวจริงๆแต่เหตุฉันไหนแม้เพียงแค่ชัว่วคราวก็ยังจะไม่รับต่อไปนะ้าพวกเราค่อยคิดอ่านหารือเรื่องนี้กันก็ยังทันผม ส่งเจียงจึงตอบว่าหากเป็นเช่นนั้นเหตุผลเหล่านี้ก็ดีอยู่ดอกข้าจะรับหน้าที่นี้ไปพังพลางก่อนพราะแก้แค้นให้พี่เจ้าไก่ไม่ว่าผู้ใดจะจับซื่อเหวนกองได้ก็ให้เขาเป็นหัวหน้าใหญ่ในป้อมค่ายของเราก่อนแล้วกันสนาตันดำรี่ขุยได้ฟังก็ตะโกนสอดขึ้นว่าเฮ้ยพี่ส่งเจียงไม่เพียงแค่ชอบจะเป็นหัวหน้าในป้อมค่ายเหลียงซานปะ แต่ยังเหมาะจะเป็นถึงจกักรพรรดิแห่งแผ่นดินซ่องนูนงง hey. Hey. ่นเสียดายด้วยซ้ำไปเฮ้ยเฮ้ยบัดซบเจ้านี่มันปากพร้อยอีกแล้วหยุดทําปากเปร่าสักทีไม่เช่นนั้นข้าจะตัดลิ้นเจ้าทิ้งซะเลยเฮ้ย hey. วุประสาทโอจนหมาเรียตูดไม่ถึงแล้วพูดเป็นเล่นอยู่ได้ปาด ท, ท่อเฮ้ยเอา้าเหตุฉันไหนจึงทํากันถึงขนาดนั้นด้วยนะขอรับข้าแค่ยกท่านให้เป็นพระจกักรพรรดิ ใช่จะให้เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาที่ชาวบ้านชาวช่าง เ, เขากราบไหว้บูชากันหรือก็เปล่าเฮ้ยป่าทกคนหรือหวังดีป่าทอกบูยงรีบตัดบทเฮ้ยไอเวรตระไรพู้นี้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงจะไม่ใส่ใจกับไอคนพันนี้เลยขอรับเอาใจไปให้กับเรื่องที่สําคัญกว่านี้จะดีกว่าซ่งจินงก็จุดธูปแล้วนั่งลงบนบันลังในายใหญ่ข้างซ้ายเป็นบูยงข้างขวาเป็นกองซุนเชง แถวซ้ายของบรรดาในโจร น, นำหน้าโดยหลินชงหูเวียนโจนำหน้าแถวขวาทั้งหมดก็คำนับหัวหน้าใหม่แล้วนั่งลงพรึกพรับทรงเจียงกล่าวแก่บรรดาคนทั้งหลายในนั้นว่าพี่น้องทั้งหลายข้าจะขอรับตำแหน่งนี้แต่เพียงชั่วคราวข้าต้องพึ่งพาอาศัยพวกท่านทั้งหลายทั้งสิ้นแล้วพวกท่านต้องสมัครสมานสามคัคคีมีน้าหนึ่งใจเดียวผนึกแน่นแฟนประหนึ่งกระดูกับไข ร่วมใจปฏิบัติตามบัญชาสวรรค์ทุกวันนี้ป้องค่ายของเราไม่เหมือนแต่ก่อนเรามีผู้คนมาร่วมมากมายหลายหลกักข้าไม่ขอให้พวกท่านแบ่งกันออกไปคุ้มหกค่ายใหญ่หอทำไมจุดที่พบแต่เดิมนั้นต่อไปให้เรียกเสิยใหม่ว่าขอพักดีทำตั้งค่ายล้อมไว้ทั้งสี่ทิศทั้งหน้าหลังซ้ายและขวาส่วนด้านหลังเขาให้เป็นค่ายเล็กสองป้อมด้านหน้าเขาตั้งยันไว้ได้วยด่านสามด่านทุกๆุกหาด ให้มีป้อมค่ายชายน้ำประจำป้อมหนึ่งให้พี่น้องทั้งหลายแยกย้ายไปดูแลกันให้ทั่วถึงที่ในหอทำ ม, มาจดพบแห่งนี้จะมีข้ารังตำแหน่งนายใหญ่คนแรกให้ชั่วคราวคนที่สองให้เป็นท่านที่ปรึกษาทัพวูหยงที่สามให้เป็นท่านเต้าสือกองซุนเชงที่สี่หัวหลงที่ห้าชิ้นหนิงที่หกลูกฟ่ฟางที่เจ็ดโกเชงป้อมค่ายปีกสายให้นำโดยหลินชงลิวถังซื่อจิน อย่างซ่วงชื่อชิวตู้เฉียนกับทรงบานไปขวานำโดยหูเวินโจจูถงไต่จงมู่หงลี่ขุยโอเปงและผู้สุนป้อมค่ายด้านหน้านำโดยลี่หญิงสู่หนิงลุงจีนลู่วูสงหยางซื่อมาลินและซื่อเอินป้อมค่ายด้านหลังนำโดยใช้จิน้นซุนลี่หวงซินฮันเถาเปงฉีเต็งเฟย และเสียหยงฝ่ายทักเรือให้อยู่ภายใต้รีจุนยวนที่สองยวนที่ 5, ห้ายวนที่เจ็ดจางเฮงจางซุนถงเหมยและถงเหมิงท่านทรงเจียงขอรับขอถามหน่อยแล้วสุภาพบุรุษหน้าหล่อเจีงเทียนชไปไหนซะละครับ <c oughs> มีมีมีเจียงเทียนชอในจนที่ว่ามาทั้งสี่สิบสามคนนี้ให้เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ อยู่รักษาป้องกันชั้นในของป้อมค่ายเหลี่ยงซานเปาะส่วนด้านหน้าสุดของที่มัน่นให้รับผิดชอบโดยเลยเหงกับฟานรุย่ยด่านที่สองรับผิดชอบโดยเซจเจิ้นกับเซี่ยเป้าส่วนด่านที่สโดยเสียงจงกับลี่กุนป้อมเล็กด้านหาดสายทองให้อยู่ในการดูแลของเหยียนซุนเจียงเทียนโชว์คงหมิงคงเหลียงส่วนป้อมด้านหาดปากเป็ดให้อยู่ในกํากับของลี่จงโจถุงโจหยวนและโจหรุน ป้อมเล็กหลังเขาปีกซ้ายให้เป็นของเสือเตี้ยวหวงังนางกระบี่เหล็กสิบเสีย้ยและเกาเจิงส่วนปีก ข, ขวาเป็นของจูวูเฉินต้าและหยางซุนไฟในหอพักดีทํานั้นห้องต่างๆทั้งปีกซ้ายให้เป็นของผู้ดูแลเอกสารเซียวหลางผู้คุมกฎให้คุณให้โทษใบส่วนดวงตราหนังสือเข้าออกจินต้าเจียนและครั้งสมบัติและบัญชีเจียงจิง ส่วนห้องต่างๆทั้งปีขวาในตัวตึกให้เป็นของผู้บัญชาการปืนใหญ่หลิงเจิ้นผู้บัญชาการฝ่ายต่อเรือแม่งกังผู้บัญชาการฝ่ายเสื้อผ้าอาพรและชุดเกราะโหเจียนและผู้บัญชาการกำแพงและเชิงเทินเต้าจงวงัง g สำหรับห้องสองฝั่งหลังหอกลางให้มีผู้ดูแลดังต่อไปนี้ลี่หยุนให้ดูแลที่พักอาศัยทั้งหลองดูแลช่างแสงจู้ฝูดูแลเหล้ากับน้ำสมมัก ส่องฉิงดูแลการจัดเลี้ยงและงานพิธีตู้ชิงก็ไปเชงดูแลเรื่องจีปาถะส่วนโรงเตียมสี่แห่งที่ใช้เป็นหูตายังให้ดำเนินการโดยจู้กุยเยะโโหชื่อเฉียนลี่ลี่ซุนชินไม่นางกู้จางฉิงและแม่มดสุนตามเดิมยางหลินซื่อหยงกับตวนจิ้งจูให้รับผิดชอบดูแลการจัดหาซื้อมาทางภาคเหนือ นี่คือการจัดวางกาลังใหม่ขอให้ทุกคนให้ความเคารพพวกเขาห้ามไม่ให้มีผู้ใดเชืญแแ่นับจากวันทิ่ทรงเจี้ยงขึ้นเป็นหัวหน้าในป้อมค่ายเหรียญซานเปาะบรรดาในโจนทั้งเล็กทั้งใหญ่ต่างเปี่ยมล้นไปด้วยความยินดีปรีดากิจทั้งหลายทั้งปวงต่างน้อมใจปฏิบัติตามบัญชาของเขาไปทั้งสิ้น วันหนึ่งส่งเจียงนั่งหาเรือกับคนเหล่านั้นจะยกทัพไปตีหมู่บ้านเจิ้งถวแก้แค้นให้เจ้าไก่ใต้บูหยงท่านไว้ท่านพี่อันธรรมดาประเพณีไว้ทุกนั้นคนทุกผู้ต้องขอรบท่านต้องรอให้ครบร้อยวันก่อนจึงจะออกศึกได้ถึงตอนนั้นจะไปก็ยังไม่นับว่าสายส่งเจียงเชื่อฟังคาแนะนาจึงยังคงอยู่ในที่มัน่นทุกๆวันสวดภาวนาให้ดวงวิญ ญ, ญาณเจ้าไก่ได้ขึ้นสวรรค์อยู่มาวันหนึ่ง ก็ไปนิมนต์หลวงจีนนามว่าสุขิวโรขึ้นเขามาสวดมนต์แผ่ส่วนกุศลไปยังผู้จากไปหลวงจีนรูปนี้เป็นพระวัดหลวงหัวนครต้ามหมิงเมืองหลวงบนทุนอุดรจาริกผ่านเขาเหลียงซานจะเลยไปทางเมืองจี้หนิงในระหว่างฉันอาหารมังสวิรัตพระครูก็สนทนาไปกับทรงเจียงซึ่งพยายามซักถามเอาความว่าเมืองหลวงบนทุนอุดรมีสถานที่หรือผู้คนที่โด่งดังบ้างหรือไม่ หลวงจีนกล่าวเป็นเชิงต่อว่าว่านี่เห็นได้ว่าประศกยังไม่รู้จักชื่อเสียงของท่านกิเลนหยกแห่งเฮ่อป่อยสิกละมังส่งเจียงกับปู่หยงเลยนึกขึ้นได้โดยพันส่งเจียงอุทานแล้วพูดว่าเฮ้ยยังไม่ทันแก่สักหน่อยเหตุฉนันไหนเราจึง ล, ลืมเรื่องนี้ไปได้คนยังอยู่ในวชกแท้ๆไม่ควรจะแย่ถึงเพียงนี้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 แต่หลังๆให้ลืมไปข้ามีแผนจะพาท่านกิเลนยกขึ้นเขาแล้วขอรับส่งเจียงจึงว่าอันสมมยาว่าเจ้าแห่งมายานั้นใช่ว่าจะได้กันมาง่ายๆท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทัพขอรับโปรดไขแผนการของท่านออกมาให้แล้วใจด้วยเถิดขอรับบูหยงก็เหยียดนิ้วชิดติดกันสองนิ้วแล้วค่อยๆเล่าแผนการของตนไปผลก็คือเจ้าสวยใจลูจุนยี่ สลัดทิ้งป้ายธงที่ประจงปักกุ้นประดับปริมชายผ้าด้วยสร้อยลูกปัดหลากสีสันแล้วหันมามุดศะมังกรนอนถ้ำเสือก็จริงดังคำเขาว่าเชิญใครคนหนึ่งขึ้นเขาเท่ากับเกณฑ์เอาคนทั้งแผ่นดินออกศึกวูหยงจะสามารถล่อหลู่จุนยี่ขึ้นเขามาได้อย่างไรฟังบทถัดไปหากใครจะรู้ ครับสำหรับวันนี้เราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายและจตุรพิทธพพรชัยทั้งสี่มีอายุวันนะสุขภาระปฏิพาณนธนสารสมบัติจงมีเด็ดท่านผู้ฟังที่รักทุกทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ